วันนี้จะได้นำเอาเรื่องของพระอาจารย์ฉัดชัยอภิวิชโชหรือว่าพระอาจารย์นิกที่ท่านได้เล่าถึงเรื่องการผรจญสิ่งลี้ลับบนภูเขาควายนะครับมาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันท่านเล่าว่าหลังจากที่เราอุปสมบทได้ฉายาว่าพระชัดชัยอภิวิชโชตั้งแต่พรรษาต้นพระราชสุเมธี คือหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนเจ้าอาวาสวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยก็ได้เมตตาสนับสนุนให้เราออกทุดงในที่รุกขมูลเมื่อต้นพรรษาห้าการปฏิบัติของเรายิ่งเข้มข้นขึ้นโดยเราตัดสินใจไปทุดงในดินแดนที่โจ์ขานเล่าลือกันมานานว่าเป็นที่ทดสอบวิชาทดสอบกำลังจิตอย่างยิ่งนั่นก็คือดินแดนอาถรรพ์ที่มีชื่อว่าภูเขาควาย ที่บ้านนายางแขวงเมืองเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นเทือกเขาใหญ่สลับซับซ้อนมีทางขึ้นหลายจุดกินพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรที่ซ่อนความลี้ลับหน้าพิศวงเกินกว่าที่ใครจะอธิบายได้เราจดจำคำสอนของพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณสุชาติอภิชาโต วัดยานสังวรารามจังหวัดชนบุรีได้อย่างดีท่านสอนว่านิกทักหัวผีก็ให้เข้าป่าชา้าทักหัวตายก็ให้เข้าหาเสือคำพูดของท่านมีความหมายกับเรามากเราคิดอยู่เสมอว่าตัวเรานี่ไม่ได้กเก่งอะไรเลยเป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดารูปหนึ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจบวชมาแล้วก็ต้องเดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ถึงที่สุด ตามแต่กำลังของเราซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านก็ล้วนแต่มีปฏิปทาที่มั่นคงมีจริยวัดอันงดงามเรารักเคารพและเทิดทูนบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่สุดทั้งชีวิตและจิตใจเราเช่นสมเด็จพระพุทาจารย์โตพมรังสีหลวงปู่ทวดหรือพระอริยะบุคคลหลายๆรูปได้แก่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงตามหาบัวและ พระอาจารย์ของเราเรามีนิสัยชอบปลีกวิเวกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงต้องการไปฝึกอบรมใจตัวเองเพียงลําพังทั้งที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับภูเขาควายจากผู้คนว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางทุดงอันหารโหดผู้ที่จะเดินทางไปอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนาน า, นาประการจนถึงแก่ชีวิต ซึ่งก็ทำให้ใจเราเกิดความหวาดหวั่นเป็นธรรมดาแต่เพราะความเชื่อมั่นในปฏิปทาพระอาริยบุคคลพระอาราหันต์หลายรูปที่เข้าไปก่อนหน้านั้นได้อุทิศชีวิตเป็นเดิมพันจึงไม่ลังเลที่จะไปะเผชิญแล้วก็เตรียมใจไว้เสมอว่าอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาเพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งมรรคผลนิพพาน เราจรึงทุ่มเทด้วยกายวาจาและหัวใจของเรามอบให้จนหมดสิน้นโดยที่เราได้บอกกับคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลคือคุณวันทิพย์รชัยแสงจัน์โยมอุปััมภ์ของเราไว้ทุกครั้งว่าเปิ้ลถ้าหากว่าเราไม่ได้กลับมาจากการทุดงในครั้งนี้ก็ขอให้ช่วยจัดการทุ่งป่าสวนสนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยนะให้ทุ่งป่าสวนสน เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมต่อไปขณะที่พูดในใจเราไม่ได้หวั่นไหวอะไรหากจะมีความเป็นความตายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงเพราะว่าเราเชื่อในเรื่องของกรรมเราเตรียมความพร้อมด้วยการลดการขบฉันให้ได้มากที่สุดตั้งแต่ฉันอาหารครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดลงอีกครึ่งของครึ่งก่อนหน้านั้นไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสิบวันในการปรับตัว จนกระทั่งสุดท้ายก่อนการเดินทางเนี่ยก็ฉันเพียงหนึ่งช้อนเท่านั้นและในวันเดินทางเราฉันแต่เพียงน้ำเพียงอย่างเดียวนั่นแปลว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปในแดนป่าลึกโดยที่ไม่ได้ฉันอาหารอะไรนอกจากน้าเปล่าเพื่อพอประทังเป็นเครื่องอยู่เรื่องการอดอาหารนี่อันที่จริงเราฝึกมานานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นคารวาดก่อนบวชหลายปี โดยก่อนธุดงเข้าป่านี่เราจะเตรียมกล้วยหนึ่งหวีกะว่าจะใช้แบ่งฉันสักสิบวันแต่ควางบ้างลิงบ้างก็มักจะมาเจอเราในวันที่สองที่สามเรานี่ก็แปลกเห็นสัตว์เหล่านี้ก็เกิดความสงสารโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไม่มีอะไรฉันก็เลยยกกล้วยให้สัตว์เหล่านั้นไปจนหมด ซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าช่วยให้เขาอิ่มท้องและเราเองก็สามารถตัดนิวรน์ในเรื่องการขบฉันลงไปได้เพื่อจะได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพียงอย่างเดียวและหลังจากบวชแล้วในพรรษาแรกพระเดศพระคุณหลวงปู่เหลี่ยมท่านได้เคยสอนเคล็ดลับวิชาบางอย่างว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรในป่าลึกด้วยเหตุที่เราชอบสันโดษบ่อยครั้งได้ขอพระเดศพระคุณหลวงปู่เหลี่ยมไปบาเพ็ญเพียรภาวนาเดียว แล้วก็ปลีกตัวจากหมู่คณะยามที่เราพอมีเวลาว่างเราจะพยายามปลีกตัวไปทุ่ดงเดี่ยวเสมอครั้งหนึ่งเราได้ฝึกณวัดภูผาล้อมจังหวัดเลยทั้งนี้ได้ขออนุญาตหัวหน้าอุทยานภูผาล้อมเพื่อเข้าไปนั่งบําเพ็ญภาวนาในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแต่เพียงรูปเดียวในถ้าซึ่งตั้งอยู่ด้านบนของวัดภูผาล้อมซึ่งเป็นสถานที่ที่เราได้มีประสบการณ์ม้างกาย คือพบเจอการรื้อทำลายสังขารธาตุทั้งสี่ออกเป็นส่วนๆโดยไม่ใหญ่ดีในกายสังขารเลยโดยส่วนใหญ่เราจะขึ้นเขานี้เพื่อไปนั่งภาวนาประมาณหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ได้ฉันอะไรนอกจากน้ำเปลา่าแล้วก็ไม่มีการขับถ่ายใดๆเลยซึ่งเคยไปต่อเนื่องนานที่สุดถึงสสัปดาห์โดยทุกเจดราตรีเราจะลงมาจําวัดหนึ่งคืนแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ เนื่องจากวัดภูผาล้อมเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานจึงสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ลึกเข้าไปได้แล้วก็นี่จึงเป็นเหตุให้เราสามารถปล่อยวางเรื่องอาหารได้อย่างไม่มีอุปสรรคต่อการเข้าทุดงในป่าลึกเราไปทุดงที่ภูเขาควายมาสองครั้งในรอบสองปีประสบการณ์การทุดงในป่าดงดิบเพราะเรามีมากครั้งเช่นทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็อีกหลายๆแห่ง พบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดมาก็ไม่ใช่น้อยแต่ที่ป่าภูเขาควายกลับพบเจอสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ยิ่งกว่าครั้งไหนไหนซึ่งจะขอบันทึกเรื่องราวการทุดงทั้งสองครั้งนี้ไว้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านที่สนใจเมื่อเราเดินทางเข้าไปถึงฝั่งลาวก็มีในใจซึ่งเป็นชาวลาวแล้วก็เคยทํางานให้เราที่ทุ่งป่าสวนสวน รรมาสถานพี่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเขาเป็นผู้มารับในใจในรู้จักเส้นทางต่างๆเป็นอย่างดีได้พาเรานั่งรถต่อไปอีกร้อยกว่ากิโลเมตรจึงถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทภูเขาควายสอปปอลาวในวัดมีปูนปั้นรูปควายเผือกตัวใหญ่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ข้างทางที่รถวิ่งผ่านก็มีปูนปั้นเป็นรูปเทพรูปนรกตามความเชื่อ เมื่อไปถึงวัดเราก็ได้เข้าไปกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสและขออนุญาตเข้าไปในโบสถ์เพื่อกราบสักการะรอยพระพุทธบาทวันแรกที่ไปถึงเราจำวัดอยู่ที่นี่ก่อนหนึ่งคืนเข้าวันที่สองประมาณหกโมงเช้าจึงวางแผนเดินเท้าเข้าป่าโดยที่มีในายใจพาไปส่งในจุดที่เป็นป่าชั้นต้นมีภูมิประเทศที่สวยแปลก เราเดินไปบนหินที่มีสีน้ำตาลดำเป็นผืนใหญ่เหมือนกับลานดินที่ซับซ้อนลดหลั่นต่างกันบางพื้นที่ในเนื้อหินก็มีเปลือกหอยเหมือนกับใต้ทะเลที่ถูกยกตัวขึ้นมามีหญ้าปแปลกแลขึ้นตามข้างทางอากาศวันนี้ร้อนระอุเราเดินขึ้นขึ้ น, นลงลงปีนป่ายไประยะหนึ่งก็ถึงจุดที่เป็นช่ ง, งอนผาสีน้ำตาลอมชมพูดูโดดเด่นเป็นหน้าผาที่ตัดตรง หากว่าพลาดนิดเดียวก็ร่วงลงไปได้เราแวะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้นานพอสมควรจนเหงื่อชุ่มแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อหินจํานวนมากนี่เป็นตัวเก็บความร้อนอย่างดีสร้างความอบอ้าวมากจนต้องทักเป็นระยะระยะเมื่อเข้าใกล้ที่หมายแล้วลักษณะภูมิประเทศจะเป็นป่าไผ่สลับกับป่าเบญจพรรณก้อนหินก็มีรูปร่างแปลกไป เป็นหินที่เหมือนกับรูปบาทพระลูกใหญ่ๆที่มีความสูงประมาณบ้านเดี่ยวสามชั้นบ้างสองชั้นบ้างหนึ่งชั้นบ้างเรียงรายเป็นกลุ่มก้อนหินตามธรรมชาติแล้วเราก็มาถึงจุดพักค้างแรมแห่งแรกบริเวณหินรูปบาทพระจุดนี้มีชะง่อนหินมากมายเป็นซอกเป็นหลืบมีแหล่งน้ำด้านล่างที่เสือจะเข้ามาอาศัยแหล่งน้านี้ไม่ได้ใหญ่มากนัก ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นป่ารกทึบที่มีผีกองกอยอาศัยอยู่ที่ตรงนี้เองที่เราใช้น้ำเพื่อดื่มกินแล้วก็ส่งน้ำห่างไปเพียงไม่กี่เมตรเราก็เลือกปีนขึ้นไปบนยอดหินรูปบาทพระก้อนนึงได้ใช้ภูมิที่ดีมีเพิงพักไม้ไผ่เก่าๆพออาศัยกางเต็นท์ได้พร้อมระดับความสูงที่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตามองเห็นแต่ยอดไม้แล้วก็ภูเขาที่อยู่ไกล แต่ด้านหลังนะั้นมีต้นไม้ยักษ์อยู่ต้นหนึ่งสูงเด่นขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามีอายุกี่ร้อยปีส่วนในใจนะั้พักอยู่ถัดไปรงชะง่อนหินด้านล่างต่ำว่าเราลงไปเล็กน้อยประมาณห้าหกเมตรตั้งแต่เริ่มเข้าเขตแดนป่าใหญ่เราก็รู้สึกแปลกๆเป็นสัมผัสที่เหมือนกับว่ามีสายตาคอยจ้องมองความเคลื่อนไหวของเราอยู่ทุกย่างก้าว ยิ่งเขาเ้าไปลึกมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลระหว่างทางบางพื้นที่ที่เดินมันเงียบมากผิดปกติใบไม้ไม่ไหวตึงเลยเหมือนกับเกิดช่องสุญญากาศเป็นระยะระยะพอตกสี่โมงเย็นเราก็เตรียมนั่งภาวนาทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฉับพลันนั้นบรรยากาศก็เปลี่ยนจากท้องฟ้าที่สว่างสวยัยพลิกไปเป็นดำทมึนมืดไปหมด โดยไม่ได้มีเขาลางของพายุมาก่อนเลยแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเพียงห้าเก้าห่างจากตัวเราไปนี่เกิดพายุพัดหมุนวนเหมือนกับพายุทอร์นาโดลูกใหญ่โดยที่มีตัวเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนั่งอยู่ใจกลางวงล้อมของพายุที่พัดกระนําอย่างบ้าคลั่งพายุหมุนนี่มีรัศมีประมาณแปดสิบเมตรหมุนวนล้อมตัวเราไว้ แต่ก็มีเพียงแค่ปลายพายุมากระทบร่างเราเล็กน้อยเลยจากเราเข้าไปในวงหมุนนั้นใบไม้กระพือสั่นไหวรุนแรงใบที่หลุดร่วงก็ปลิวกันกระจัดกระจายกิ่งไม้หักดังกรบกรับต้นไม้หักครืนครืนเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเสียงลมกระโชกอย่างแรงน่ากลัวว่าป่าจะพังน่าหวาดหวั่นเหลือเกินถ้าหากว่าจิตไม่ได้ฝึกมาดีแล้ว ย่อมจะมีความประวันท่านพึงต่อเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่น้อยหรืออาจจะเสียสติไปเลยก็เป็นได้น่าแปลกว่าถ้าพายุมาจริงๆป่าทั้งป่าก็ควรจะพีนากไปทั้งแถบไม่มีว่างเว้นแต่ใครจะเชื่อว่าเลยวงรัศมี80เมตรของพายุหมุนลูกนี้ออกไปแล้วนั้นต้นไม้ใบไม้ทุกต้นกลับนิ่งสนิทไม่กระดิกเลยแม้แต่น้อยพายุนั้นพัดอยู่ ประมาณนักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วก็หยุดไปประมาณห้านาทีก็เริ่มใหม่รวมแล้วก็พัดหมุนวนอยู่อย่างนั้นประมาณสามชั่วโมงในใจเองก็รู้สึกกลัวแทบตายต้องระดมจุดไฟเพื่อกันผีเทียนมีเท่าไหร่ปืนมีเท่าไห ร, ร่ก็สมไม่ไฟลุกตามความเชื่อว่าผีกลัวไฟแล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาเราอยู่สูงกว่าก็เลยเหลือเห็นความกลัวสุดขีดจนอยู่ไม่ติดที่ของในใจ ที่ทวีคูณขึ้นตามแสงของเปลวไฟส่วนเรานะตั้งมั่นอยู่กับพุทโธตลอดเวลาตั้งแต่ต้นไม่มีความกลัวมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการแสดงที่มีเราเป็นผู้ดูแต่ว่าจิตไม่ส่งออกและเมื่อจบสามชั่วโมงเสียงจิ้งหรีดไรก็เริ่มร้องเป็นปกติและเราภาวนาไปจนดึกพอสมควรแล้วถึงได้จังหวัด เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันในเวลาเดิมโดยที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรทุกๆคืนเราเป็นฝ่ายนั่งดูแต่ก็มีอยู่คืนหนึ่งเราส่งน้ำช้ากว่าปกติเพิ่งจะปีนกลับขึ้นมาที่เต็นต์จึงไม่ทันเตรียมรับมือการแสดงพายุหมุนที่เริ่มตรงเวลาเมื่อจิตยังไม่ทันจะรวมเป็นหนึ่งแล้วส่งออกไปดูเรื่องเสียงลมพายุ ที่พัดหวกระนำบ่งบอกถึงอันตรายและพลังอำนาจของอะไรสักอย่างก็เลยเกิดความกลัวแทรกเข้ามาลมพัดกระโชกรุนแรงเราก็พยายามบริกรรมพุทโธพุทโธโดยที่ใจก็ยังไม่นิ่งลมพายุหมุนวนเหมือนกระดูท่าทีเราอยู่ร่วมชั่วโมงเราก็นั่งสมาธิหลังตรงพยายามรวมจิตหัวใจก็เต้นตุบตุ ต, ต, ต, ตุสันัวด้วยความกลัวเหงื่อการแตกพลักแข่งกับเสียงหัวใจเต้น ท่านใดนั้นก็มีลมเป็นก้อนอัดเข้ามาที่หน้าอกและหน้าท้องของเราเหมือนมีใครเตะลูกฟุตบอลใส่เราสุดแรงเกิดจนสุดตัวงอความรุนแรงมหาศาลทำให้เจ็บจนจุกนั่นแต่สิ่งนั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้มากกว่านี้เพราะเราพยายามรวบรวมสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ลมพายุพัดต้นไม้หักโค่นและก้อนลมที่อัดใส่หน้าท้องก็ยังคงบรนเลงประสานกันต่อไป โดยก้อนลมก็อัดระลอกใหม่ก็ถูกเพิ่มดีกรีความรุนแรงขึ้นไปด้วยตลอดสามชั่วโมงคืนนั้นเราถูกลมอัดไปประมาณสามสี่ครั้งยิ่งอยากจะรวมจิตเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เข้าคำนี้เราไม่ได้เป็นผู้ดูแล้วแต่กลับกลายเป็นผู้ลงไปเล่นเสเองเหมือนนายทวารที่ตั้งท่ารอรับลูกฟุตบอลที่ไม่รู้ว่าจะเตะอัดเข้ามาจากทางทิศไหนกว่าจะผ่านไปแต่ละวันนั้นช่างลาบาก เป็นสถานการณ์ที่มีแต่ความสยองไม่สนุกแม้แต่คืนเดียวเพียงเสี้ยววินาทีที่จิตไม่สามารถรวมได้เรายังเพลียงพล้ําถึงขนาดนี้เป็นหนึ่งคืนที่รู้สึกว่าเวลามันเนิ่นนานและเกินหากควบคุมจิตใจไม่อยู่นี่อาจจะเป็นบ้าได้ง่ายๆพุทโธจึงเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายได้ดีที่สุด อีกเหตุการณ์นหนึ่งที่เสี่ยงอันตรายบริเวณรูปหินบาทพระนี้ก็คือตอนบ่ายแก่ๆของวันหนึ่งปรากฏว่าเสียงจิ้งหรีดเรไรนกป่าพร้อมใจกันเงียบกริบคงจะเพราะมีเหตุบางอย่างเราก็ไม่ได้สนใจมากนะักสักพักถึงได้ลงไปส่งน้ําที่แอ่งน้ําด้านล่างซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเต็นต์เราก็เลยรู้ว่ามีเสือแม่ลูกอ่อนลงมากินน้ําก่อนหน้านี้ก็นับว่าเป็นโชคดีของเรา ที่เสือกลับบ อ, อกไปแล้วในใจสำรวจพื้นที่ก็พบรอยอุ้งเท้าทั้งแม่ทั้งลูกเสือยังเป็นรอยใหม่ๆตรงพื้นดินเปียกอุ้งเท้าของมันใหญ่ขนาดมือผู้ชายกลางเต็มที่เสือเป็นสัตว์ที่มีตะบะมากป่าทั้งป่าจึงเงียบลงเป็นสัญญาณว่าเขามาแล้วแต่สัตว์ทุกชนิดย่อมรักตัวกลัวตายแม้จะได้กลิ่นมนุษย์เขาก็จะระวังตัวเองไม่เข้ามายุ่งหรือว่าหลบหนีไป เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนอกเสียจากว่ามีกรรมต่อกันเขาก็อาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้เป็นธรรมดาเสือแม้จะดูมีอำนาจมากแต่ในโลกธรรม ท, ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคู่เสมอมีดีก็มีชั่วมีมาก็มีไปมีเกิดก็มีดับดังพี่พระบรมครูพระอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ย่อมมีแก่มนุษย์ทุกรูปนามสัตว์ที่ออกล่าบางครั้งก็เป็นผู้ถูกล่าเหมือนกันในระหว่างทางเดินป่าเราเห็นซากสัตว์ใหญ่ที่มีเขี้ยวยาวนอนตายไม่ห่างจากริมลำธารพิจารณาดูสัตว์เหล่านี้มันเคยเป็นนักล่าฆ่าชีวิตสัตว์อื่นมามากมายเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองแต่วันนี้ชีวิตเขาก็ต้องจบลงด้วยการถูกล่า เศษเนื้อก็กลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กๆมีหนอนชอนชยัพยพญาเสือที่ยิ่งใหญ่ถูกสยบลงด้วยฝูงหมาป่าจำนวนมากเปรียบเสมือนผู้มียศมีอำนาจต่หากขาดคุณธรรมความเมตตาหลงว่าตัวดีเด่นแล้วไซวันหนึ่งก็ย่อมมีสิ่งมาหักกลางดังนั้นจึงไม่ควรจะหลงตัวหลงตนเพราะว่าอำนาจนั้นอนะไม่จรังยั่งยืนผันแปรไปตามเหตุปัจจัย ถ้าดีจริงนะต้องไม่ใช่ด้วยอํานาจบา ร, รมีแต่ต้องดีด้วยคุณธรรมที่สว่างอยู่ภายในเพราะอํานาจของคุณธรรมย่อมสว่างสวัยกว่าอํานาจทั้งปวงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างไหมครับหลวงพ่อจงพุทธโสโรวัดหน้าต่างนอกตาบลหน้าไม้อําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเถระ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 เวลามีลิเ ก, เกมาเปิดวิกแสดงหลวงพ่อจงก็อยากจะไปดูตามประษาเด็กหากว่าโยมพ่อไปด้วยโยมแม่ไปด้วยนี่ท่านก็จะจูงมือพาไปหรือไม่ก็ให้ญาติพี่น้องในครัวเรือนช่วยพาไปซึ่งกว่าจะข้ามทุ่งข้ามนาไปถึงโรงลิเกเก็กสุรักทุเลไม่ใช่น้อยพอไปถึงหน้าโรงลิเกแทนที่หลวงพ่อจงจะไปนั่งชิดติดกับหน้าเวทีกลับปลีกตัวไปนั่งสกา ล, ลิฟจะห่างจากกลุ่มคนหมู่มาก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 ยุคสมัยนั้นไม่เพียงแต่อาจารย์โพวัดนาต่างในจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงคุณในพุทธาคมสยเวทยังมีอาจารย์วัดอื่นๆอีกหลายรูปที่มีชื่อเสียงเช่นหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลแตกฉานเชี่ยวฉานในสมถวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อสุนวัดบ า, บางประหมอพระเทระองค์นี้เรื่องลือในด้านสยเวทพุทธาคมพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้หลวงพ่อจงก็เดินทางไปนมส ก, การแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธ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 สิทธิองค์สำคัญของพระอาจารย์โพวัดหน้าต่างมีความเหมาะสมที่จะปกครองดูแลวัดนาต่างนอกสืบต่อไปก็พากันไปนมส ก, การพระอาจารย์โพขอตัวหลวงพ่อจงมาดํารงตําแหน่งจเจ้าวาดวัดนาต่างนอกที่ว่างลงอาจารย์โพท่านก็อนุญาตหลังจากหลวงพ่อจงรับตําแหน่งจเจ้าวาดแล้ว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 พระพุทธบาทสระ บ, บุรีก่อนเสร็จแล้วก็มีพระภิกษุผู้เจริญธรรมในแนวเดียว ก, กับท่านอีกสองรูปทราบว่าหลวงพ่อจงจะจาริกท่องเที่ยวไปนมส ก, การมหาเจดีย์ชวีดะกรงในพมา่าก็ขอร่วมทางไปด้วยหลวงพ่อจ่าก็ไม่ขัดข้องภิกษุทั้งสามก็ออกจากพระพุทธบาทสระ บ, บุรีมุ่งหน้าเข้าสู่ดงพญาเย็นเพื่อจะตัดผ่านป่าดิบดงใหญ่นี้ไปทางทิศเหนือพระภิกษุสามรูปจาริกมาถึงเขตรอยต่อของจังหวัดลบบุรี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 เหตุที่มีชื่อหน้ากลัวอย่างนั้นก็เนื่องจากเป็นดงดิบเกือบตลอดพื้นที่มีอนาบริเวณกว้างขวางครอบคลุมไปหลายจังหวัดบรรยากาศภายในป่าเวลาร้อนก็ร้อนจัดครั้นถึงเวลายเย็นก็เย็นจัดถึงหนาวเยอือกประกอบกับเป็นป่าชื้นแฉะก็ทําให้ไข่ป่าชุกชุมมีแต่คนหวาดกลัวไม่กล้าเข้าเข้าไปในป่าใหญ่แห่งนี้แม้แต่คนในพื้นที่เองก็ยังอาศัยแค่ชายป่าชายดงไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปลึก เพราะว่าท่านพึงต่อริดไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีตัวยารักษานอกจากริ้ายของไข้ป่าในดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟยังอุดมไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่และสัตว์ลายชุกชุมโดยเฉพาะเสือโคร่งออกหากินเพ่นพ่านไปทั่วตามพื้นดินก็มีงูจงอางงูเห่าครอบครองเป็นเจ้าทินจานวนคนตายด้วยอสรพิษเหล่านี้มีจานวนนับไม่ถ้วนในแต่ละปี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 หากพวกมันคิดว่าพระธุดงมีทรัพย์สินเงินทองติดตัวก็จะเข้าปล้นแย่งชิงทรัพย์เอาดือด้อๆหรือว่ากลุ่มรุมทำร้ายโดยไม่หวั่นกลัวบาปกรรมแต่ประการใดนี่คือดินแดนแห่งเพศภัยซึ่งเปี่ยมไปด้วยอันตรายที่มีชื่อว่าดงพญาเย็นหรือว่าดงพญาไฟนั่นแหละคณะพระธุดง์ซึ่งมีหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกร่วมอยู่ด้วยก็กำลังจาริกลึกเข้าไปในป่าใหญ่ดงลึกแห่งนี้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 จึงเป็นอั้นว่าคณะทุดงในกลับไปมีจำนวนเท่าเดิมอีกคณะหลวงพ่อจงมุ่งหน้าไปยังพิศนุโลกต่อไปแม้ว่าเส้นทางจะไม่ธุระกันดารสาหัสเท่ากับในป่าดงพญาเยน็นแต่ก็ต้องจาริกผ่านชายป่าชายดงตลอดเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีถนนภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าดงเกือบทั้งหมดหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านก็อยู่กันห่างห่างระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ต่อกับพิจิตร ถึงจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่อันตรายสําหรับคนสัญจรผ่านไปมาก็คือบึงบาราเพชรบึงใหญ่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ํามะหือมาที่มีจระเข้อยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศไทยพื้นที่รอบบึงเป็นทุ่งหญ้าสลับก ป, ป่าโปรง่งมีน้ําขังชื้นแฉะไปทั่วนอกจากจระเข้เจ้าถิ่นแล้วอสรพิษไม่ว่าจะเป็นงูเหา่างูจงอางก็มีชุกชุมที่สุดเส้นทางเดินของชาวบ้านที่ใช้เป็นทางคมนาคมติดต่อกันจะเลียบผ่านชายบึงบาราเพชร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 อันนี้ก็ยอมอยากจะยุติลงได้ในภพชาติที่ต้องตายแล้วเกิดไม่รู้สิ้นสุดศพของพ ร, อพระทุดงที่ถูก ง, งูจงอางขบกัดก็ได้รับการฝังโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นมาเป็นธุระให้หลังจากฝังศพแล้วทั้งสี่รูปก็เดินทางต่อไปโดยไม่ยออ่อท้อไม่มีพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดขอแยกทางกลับวัดคงมีแต่ความมุ่งมั่นจะข้ามไปสู่แผ่นดินพมา่าให้ได้พ้นเขตบึงบอระเพ็ดมาได้ หลวงพ่อจงและคณะก็หมดความวิตกกังวลเรื่องจระเข้กค็คิดว่าต่อไปนี้คงไม่มีอันตรายอะไรก็จะริกต่อไปก็หยุดพักที่วัดตะพานหินเมื่อคณะของหลวงพ่อจงจะออกเดินทางต่อก็มีพระภิกษุวัดตะพานหินรูปหนึ่งขอร่วมทางไปด้วยเป็นห้ารูปอย่างเก่าขณะที่พระทุดองห้ารูปเดินข้ามลำธารตื้นๆมีพงหญ้าขึ้นหนาแน่นตลอดสองฝั่ง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 เพื่อข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศพม่าทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างทางที่บุก ป, ปา่าข้ามเขาไปเรื่อยๆ เ, เป็นระยะทางยาวไกลพระภิกษุผู้ร่วมทางก็มรณภาพไปทีละรูปทีละรูปบางรูปเสียชีวิตเพราะเป็นไข้บางรูปเพราะขาดอาหารฉันบางรูปเป็นโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงจนมรณภาพเมื่อผ่านแม่สอดจนถึงแม่ฮ่องสอนแล้วปรากฏว่าเหลือหลวงพ่อจงเพียงรูปเดียวที่ทุดงเดียวเข้าสู่พม่า พระภิกษุทั้งเจ็ดรูปที่ทุดงร่วมทางไปกับหลวงพ่อจงตั้งแต่เริ่มแรกไม่ใช่พระภิกษุบวชหมอ่อนพรรษาแม้แต่รูปเดียวแต่ละรูปนิ่ผ่านการฝึกสมถวิปัสนากรรมฐานมาอย่างเกี่ยวกรมบางรูปได้อภิญญาสมาบัติวิปัสนาญาณบางรูปได้อนาคตังสยานแจ่มใสรู้เห็นเหตุการณ์อนาคตได้อย่างถูกต้องพระภิกษุรูปหนึ่งที่อยู่ในคณะทุดงท่านได้ญาณอย่างรู้อนาคตที่ว่าเนี่ย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 ถึงเวลาบ่ายท่านก็เป็นไข้ป่าจริงๆพระตอนเย็นพระทุกรูปเข้ากรดของตัวทําวัดสวดมนต์คืนนันพระรูปที่เป็นอาพาธเป็นไข้ป่าอย่างเฉียบพลันท่านก็มรณาภาพตอนนั่งสมาธิซึ่งเป็นเจตนามรณาภาพในฌานเมื่อเส้นทางทุดงไปพมา่าถึงช่วงสุดท้ายก็เหลือหลวงพ่อจงเพียงรูปเดียวท่านก็เดินหน้าต่อไปโดยไม่ท่านพึงตราบถึงมหาเจดี ช, วชวเวดกองสมใจนึกก็กราบนมำมศการ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 ชาวบ้านที่อยู่ป่าอยู่ขเขาเขาก็ยินดีสงเคราะห์พระสงฆ์ตามกําลังศรัทธาของเขาเมื่ออยู่ในป่าดิบดงลึกไม่มีผู้คนอยู่อาศัยก็จะโคจรบินทบาทตามปกติก่อนออกบินทบาทต้องเจริญฌานเข้าสมาบัตเต็มกําลังแล้วถอนจิตออกมาแผ่เมตตามีพรมวิหารเป็นอารมณ์จากนั้นก็ประคองบาตรบินทบาทไปเรื่อยๆก็จะมีผู้สงเคราะห์ภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสมควรในชดก็สงสัยว่า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 ตลอดช่วงชีวิตที่ครองเพศสมณะมีแต่เมตตาสงเคราะห์ญาติโยมโดยตลอดไม่ว่าใครได้รับความทุกข์ยากหรือร้อนมาหาท่านก็กลับไปด้วยความปลอดโปร่งแจ่มใสเพราะได้ผ่อนคลายทุกไปเรื่องกิจนิมนต์หลวงพ่อจงไม่เคยขดาดศรัทธาญาติโยมแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าญาติโยมจะราษนานิมนต์ไปที่ไหนระยะทางใกล้ไกลแค่ไหนท่านก็ไม่เคยขดาดศรัทธาแล้วก็ไม่ว่าผู้มานิมนต์จะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร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 ไปทำอันตรายกันผู้ที่ถูกทำก็จะพากันมาหาหลวงพ่อจงให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้แล้วอำนาจชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในร่างก็อันตรทานไปกิดที่คุณหลวงพ่อจงก็เป็นที่เรื่องลือว่างขวางไม่เพียงแต่ชื่อเสียงเรื่องลือด้านเมตตาความขลังของน้ำมนต์ก็เป็นอัศจรรย์เมื่อครั้งเกิดสงครามอินโดจีนหลวงพ่อจงก็จัดทาเสื้อยันสีแดงปลุกเสกด้วยวิทยาคมแจกใจ่ายให้ทหารไทยที่ออกไปรบ ปรากฏว่าเป็นความมหัศจรรย์ทำลายขวัญฆ่าศึกไปทั่วแนวรบเพราะทหารไทยที่ใส่เสื้อยันสีแดงของหลวงพระจงถูกยิงก็ไม่เข้าคณะถูกยิงจังๆล้มผางลงกลางดินกลับลุกขึ้นมาได้ใหม่เพราะลูกกระสุนไม่ระคายผิวหนังทหารไทยในสงครามคราวนั้นจึงถูกเรียกว่าพวกทหารผีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนชาวบ้านแถบนั้นอดอยากขาดแคลนชาวบ้านส่วนใหญ่ฐานะ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 สองสมามใบก็ใช้ไม้ขัดขวางตรงปากโอค์แล้วเชือกผูกเป็นห่วงก่อนที่จะสอดไม้เข้าไปเป็นคานหามทีนี้ก็หิ้วโอคงเนี่ยมันติดกันสองสามลูกเวลาหามโอค์ก็แกว่งไปแกว่งมากระทบกันกึ่งกลางกึงกังหลวงพ่อจงรู้ว่าขโมยกำลังลักองค์จะเอาไปขายแทนที่ท่านจะมีอารมณ์โกรธกลับรู้สึกเวทนาสงสารเพราะคิดว่าถ้าเขาไม่ขับแคนยากไร้แสนสาหัส ก็คงไม่ประพฤติผู้จริตถึงขั้นขโมยของวัดอย่างนี้ท่านก็ยืนซุ่มดูอยู่นานเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปใก ล, ใกล้ๆเขาบอกว่าเอ้ยเอาไปทีละใบสิเดี๋ยวโอค์มันจะได้ไม่แตกกระทบกันแตกรล้วเสียหายหมดเอาไปทีละลูกก็ได้อยู่ๆได้ยินเสียงพระจงดังมาอย่างนี้สองขโมยเน่ยยืนตกตะลึงเลยพอได้สติรีบวางโอ่งคืนให้ท่านแล้วก้มลงกราบ ก่อนจะออกจากวัดไปพร้อมกับความรู้สึกละอายใจที่แอบเข้ามาขโมยสมบัติของสงฆ์แม้ว่าจะถูกจับได้แต่กลับได้รับการให้อภัยจากหลวงพ่อจงด้วยความเมตตาอันเปี่ยมล้นของท่านอีกเรื่องหนึง่งตอนนั้นหลวงพ่อจงอายุมากแล้วเย็นวันนั้นท่านนั่งพักผ่อนอยู่ที่ศาลาท่าน้ําก็มีพวกล่องแพเอาแพรมาจากทางเหนือแล้วเอาแพรมาผูกไว้บริเวณริมตลิ่งหน้าวัดพวกนั้นไม่รู้จักหลวงพ่อจง ตะโกนหลวงตาช่วยเฝ้าแพให้ด้วยนะหลวงพ่อจงก็พยักหน้ารับคําฝ่ายพวกล่องแพก็นั่งเรือข้ามแม่น้ําไปธุระฝั่งตรงข้ามดึกเดืนค่ำคืนแล้วพวกล่องแพถึงได้กลับมาก็ยังเห็นพระหลวงตารูปเดิมนั่งเฝ้าแพอยู่พวกนั้นก็ตกใจรีบขึ้นมาบนฝั่งก็คิดไม่ถึงว่าพระจะยังเฝ้าแพให้อยู่ทุกคนลนลานเข้าไปกราบด้วยความเสียใจกล่าวคําขอขมาลาโทษกันวุ่นวาย ที่ล่วงเกินใช้ท่านเฝ้าแผ่จนดึกดื่นหลวงพ่อจงไม่ได้คุนเคืองเลยท่านบอกว่าไม่ต้องมาขอขมาฉันหรอกฉันก็เฝ้าแผ่ให้เฉยๆเมื่อไม่มีใครมาขาโมยฉันก็สบายใจพวกนั้นก็กราบเรียนท่านบอกว่าตอนที่ไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยพระเอิญเพื่อนเขาถามว่ามีใครเฝ้าแผ่ให้หรือเปล่าเขาบอกว่าวานพระแก่ๆพระหลวงตาให้เฝ้าให้เพื่อนก็ซักถามรูปร่างลักษณะ หน้าตาของพระแก่ๆว่าเป็นยังไงตัวก็อธิบายให้ฟังเพื่อนบอกนั่นแล้วหลวงพ่อจงแล้วก็รีบไล่กลับให้มาขอคมาลาโทษท่านพวกเขาเป็นคนจากจังหวัดอื่นเคยรู้แต่กิตติศัพท์ไม่รู้จากตัวก็เลยทําผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการขอให้ท่านอาโหสิกรรมให้ด้วยที่ใช้ท่านเฝ้าแพรเกรงจะเป็นบาปเวรติดตัวไปหลวงพ่อจงท่านก็บอกว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอก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 หลังจากทำนักอยู่ที่หินรูปบาทพระมาระยะหนึ่งเรากับในายใจก็เริ่มเดินทางต่อไปตามรอยหลวงปู่มั่นภูริทโตนั่นก็คือถ้ำน้ำแต่ว่าเส้นทางนี้ไม่ง่ายเพราะว่าตั้งแต่เดินทางไปนี่ใช้เวลานา น, านมากมีภูเขาลืบเขาและหน้าผาสูงเราเดินขึ้นเขาลงเขาจนเหนื่อยอ่อนสู้กับความสูงชันจนเข่าสัน่นซ้ำยังลื่นล้ม เพราะตะไคร้น้ำจนได้รับบาดเจ็บผ่านหมู่บ้านของคนป่าที่มีอยู่เพียงสามหลังหลังคาก็ดูแปลกตาเหมือนกับมุงจากใบไม้บรรยากาศดูน่ากลัวเหมือนมีอะไรสักอย่างมีคอกสัตว์แต่ไม่มีคนเฝ้าไม่มีไฟฟ้าในใจเล่าว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อยู่กลางป่ามีวัฒนธรรมนับถือผี ถ้าคนในครอบครัวเสียชีวิตก็จะเอาศพมาฝังใต้ถุนบ้านมีการฆ่าหมูดำฆ่าไก่ที่เลี้ยงไว้มาเส้นไหว้ผีทั้งขาไปขากลับที่ต้องผ่านหมู่บ้านนี้เราไม่เคยเห็นว่ามีคนอยู่เลยในจุดเนี้ยเราได้ขออาศัยพักบนหินก้อนหนึ่งริมรั้วบ้านเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยมากจากการเดินทางหลังจากมีเรี่ยวแรงก็เดินทางต่อ ในบางพื้นที่ไม่มีเส้นทางเดินป่าทางบกภูเขาสูงชันและรกชัดเกินไปต้องเดินทวนกระแสน้ําโดยเลียบไปตามลำธารซึ่งหินแต่ละก้อนนี้สูงไม่เท่ากันถูกกระแสน้ําพัดเป็นเวลานา น, านก็ทำให้มีตะไคร่หนาปกคลุมเป็นเส้นทางยาวต้องปีนป่ายตามหินเหล่านี้ไปซึ่งระดับน้ําก็ไม่เท่ากันในเส้นทางที่ไปแถมในน้าก็ไม่ธรรมดาเพราะมีงูพิษว่ายน้าอยู่ ก็ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษบางช่วงต้องปีนป่ายขอนไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางน้ำกว่าจะผ่านไปได้ก็ทุลักทุเล ม, มากขึ้นหินก้อนนั้นลงหินก้อนนี้ลุยน้ํำสเปียกชุ่มถึงเอวบางครั้งเจอหินที่ลื่นมากก็ล้มลงบางทีก็บาดเจ็บเท้าช้าจนเลือดออกแต่ถึงบาดเจ็บก็ต้องพยายามใช้ไม้ถอประคองตัวฝ่ากระแสน้ําไปจนถึงทางโค้งทางหนึ่ง ซึ่งเป็นทางแยกของคุ้งน้ำเจอหินที่สวยมากเหมือนกับลายไม้ลายไม้ที่กลายเป็นหินคุ้งน้ำนั้นมีทางตรงไปแต่ว่าในใจพาเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วก็ถีให้ดูว่าข้างหน้าอีกประมาณสามร้อยเมตรนั่นก็คือทําน้ำที่เราจะไปบาเพ็ญเพียรแต่ระยะเพียงสามร้อยเมตรที่ว่านี่ไม่ใช่เดินได้ง่าย พวกเราประคองตัวกันปีนป่ายหินที่ลื่นและสูงชันมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงถ้ำน้ำที่องค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยมาทุดงปฏิบัติกรรมฐานเมื่อมองภาพถ้ำน้ำที่ปรากฏต่อสายตาเบื้องหน้าเราก็ยืนน้ำตาซึมคิดถึงเมื่อค ร, ครั้งครูบาอาจารย์ท่านมากว่าจะดันด้นมาคงจะยากลําบากกว่าหลายเท่าแต่ท่านมีความบิริยะอุตสาหะมาบำเพ็ญเพียรบารมีถึงที่นี่ เราก็เดินเอามือไปร้องน้ําที่ไหลลงมาจากหน้าผาถ้ำมารูปหน้าน้ํานั้นมีความเย็นเย็นชื่นใจก็คลายเหนื่อยให้กับตัวเองได้มากเราก้าวอย่างระวังไปตามหินที่อยู่ในทางน้ําตกออกไปทางด้านข้างเพื่อจะปีนขึ้นไปยังปากถ้ำถ้านี้สูงประมาณไม่เกินตึกสามชั้นต้องปีนลัดเลาะไปตามหินด้านข้างฝั่งขวามือเพราะว่าด้านซ้ายเป็นผาสูงชัน แล้วถึงค่อยๆตัดเข้าปากถ้ำที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านน้ำตกอีกทีหนึง่งเมื่อเดินทะลุเข้าไปภายในลักษณะเป็นถ้ำเตี้ยๆบริเวณหน้าถ้ำมีหินที่ยกตัวขึ้นเป็นแผ่นหินที่เทลงหน้าหิวไม่สามารถนั่งภาวนาได้เราก็เลยเดินเข้าไปในถ้ำในถ้ำจะเตี้ยลงเรื่อยๆจะต้องเดินก้มตัวผ่านเข้าไปซึ่งมาเดินเข้าไปเพียงเจ็ดแปดเก้าก็มีโพรงลึก เราจัดวางเต็นที่หน้าโพรงนี้เต็นนั่งสมาธิเล็กๆไม่สามารถจะดีดเต็นขึ้นไปจนสุดแต่ก็สามารถดันเข้าช่องว่างของถ้ำจนพอจะนั่งได้จากนั้นก็ตั้งจิตบอกกล่าวถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าถ้ำพระแม่โทรณีพระแม่คงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามหลังจากนั้นจึงได้เริ่มนั่งภาวนา เมื่อเราบำเพ็ญเพียรในถ้ำน้ำนํานี้ในตอนดึกคืนวันที่สี่และคืนวันที่ห้าเราได้กลิ่นหอมเย็นเย็นบางเบาในทั้งสองคืนนั้นเหมือนเทพทิวดาที่ปกปักรักษาภายในถ้ำมาร่วมอนุโมทนาสาธุการกับเราส่วนน้ําที่เรารองจากม่านน้ําตกเพื่อเอามาต้มดื่มก็มหัศจรรย์มากดื่มเข้าไปแล้วมีแต่สดชื่นแล้วก็มีกําลังไม่รู้สึกเพลียเลยตลอดการภาวนา หลังจากที่ได้กลิ่นหอมในถ้ำเรายังคงบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำน้ำอีกหลายวันวันหนึ่งเวลาประมาณบ่ายสามโมงเรารู้สึกปวดปัสสาวะจึงได้เดินลงมาจากถ้ำน้ำเพื่อหาสถานที่อันควรเนื่องจากเรามีความเคารพในสถานที่ภาวนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงไม่สมควรที่จะทำสิ่งใดๆที่เป็นการลบหลู่สถานที่นั้นเมื่อเดินลงมาได้ประมาณร้อยเมตร ด้านล่างนี่เป็นร่องน้ำที่มีโขดหินและซอกลือหลายแห่งในขณะที่เราเดินผ่านหินก้อนหนึ่งเพื่อหาสถานที่อันควรสถานที่ภาวนาแห่งนี้อยู่ในป่าลึกที่มีความลี้ลับซ่อนเร้นอยู่ยากนักที่จะมีผู้คนมาเดินเล่นแถบนี้ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้ามีผู้ชายกลุ่มหนึ่งยืนคุยกันอยู่ไม่ทราบว่าด้วยภาษาอะไรโดยที่หันหลังให้เรา ยืนห่างออกไปไม่เกินยี่สิบเมตรทุกคนไม่ใส่เสื้อมีรูปร่างบึกบึนกำยำทมืนใหญ่โตกว่าคนธรรมดาทั่วไปผิวคล้ำสีเขียวออกน้ำเงินผิวเนียนมันวาวมองเห็นได้เด่นชัดในระยะไกลดูมีพลังอำนาจมั่นคงแข็งแรงเรามีความละอายที่จะทำกิจก็เลยเดินหาสถานที่ใหม่เดินไปทางซ้ายทีทางขวาที แต่ก็ได้เจอผู้ชายกลุ่มนี้อยู่เบื้องหน้าทุกครั้งไปเป็นเช่นนี้อยู่สามสี่ครั้งจนเรารู้สึกว่าอั้นไม่ไหวแล้วจึงได้บอกกล่าวขออนุญาตกับท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขอทํากิจหลังจากเสร็จกิจแล้วเมื่อลุกขึ้นปรากฏว่ากลุ่มชายเหล่านั้นหายไปแล้วหลังจากกลับจากทุดงแล้วได้กระเรียนถามพระเดชพระคุณพระราชาสุเมธีว่าผู้ชายกลุ่มนั้นเป็นใครท่านกล่าวว่าจากลักษณะที่บอกเล่าให้ท่านฟัง น่าจะเป็นบริวารของท่านท้าเวสุวรรณที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนั้นอยู่หลังจากภาวนาที่ถ้าน้ำได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็อยากจะเปลี่ยนสถานที่ภาวนาจึงบอกในใจว่าจะอยู่ที่ถ้าน้ำนี้เพราะปลอดภัยในใจก็ได้แยกกลับไปแล้วก็ตกลงนัดวันให้กลับมารับเราที่นี่ส่วนตัวเราได้ปีนขึ้นไปเหนือลาน้าเพียงลาพังที่ตรงนั้นอันตราย ระหว่างทางบรรยากาศรอบๆก็อึมครึมอย่างบอกไม่ถูกในใจให้ข้อมูลว่าบริเวณนั้นมีผีกองกอยอยู่มากตอนบ่ายก่อนโัรเพลประมาณสี่ห้าโมงห้ามจุดไฟห้ามทำเสียงดังเพราะสัตว์จะตื่นหนีไปผีกองกอยหากินเลือดสัตว์อยู่แล้วหากทำให้ผีกองกอยกโกรธเขาจะมากัดกินเลือดเราแทน สถานที่ภาวนาใหม่ข้างบนนี้เป็นลานร่องน้ำตกที่รวมน้ำจากทุกแหล่งก่อนที่จะตกลงไปเหนือทําน้ำมีขนาดกว้างประมาณเจ็ดปดเมตรเราเลือกที่จะตั้งเต็น์อยู่ในจุดที่เป็นหน้าผาสูงริมลานนี้หลังจากทยอยเอาอัดทบริขานเข้าเต็น์แล้วจึงออกเดินสำรวจไปรอบๆ ร, ริมผาบริเวณนี้บรรยากาศดีมากมีต้นไม้ทรงสวยๆแปลกๆต้นไม้ใหญ่ๆสูงะลูด แต่ไมหมดจวบจนเวลาสี่โมงเย็นโดยที่ไม่มีเขาลางอะไรท้องฟ้าจากปกติที่ดูสว่างแจ่มใสก็เริ่มเปลี่ยนเป็นมืดครึ้มลงอย่างน่าใจหายลมพายุก็ก่อตัวขึ้นแบบไม่มีปีมีคลุยในฝั่งตรงข้ามเริ่มจากด้านขวามือผ่านหน้าเราไปเกิดเป็นพายุใหญ่ที่ทวีความรุนแรงจนใช้คำว่าบ้าคลั่งก็คงจะไม่ผิดนัก พายุนี้เหมือนกับจะทำลายสิ่งที่ขวนหน้าให้ล้มระเนระน้าราบเป็นหน้ากรองต้นไม้ใหญ่ยักษ์ในถูกหักโค่นถอนรากถอนโคนขาดเป็นเสียงเสียงล้มเรียงตัวกันมาเหมือนกับเล่นโดมิโนเสียงไม้ลั่นฟาดกันนังเปรี้ยงปรางแล้วก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลอยคว้างอยู่ในอากาศผสานกับเสียงฟ้าลั่นกึกก้องกำมนันาสนันวันไหวเหมือนโลกจะแตก เรียกว่าน่าสะพึงกลัวกว่าที่เราเจอพายุหมุนที่หินรูปบาทพระหลายร้อยเท่าในขณะเดียวกันเราก็เหลือบมาดูฝั่งที่เรานั่งป่ากลับนิ่งสนิทกิ่งไม้ใบไม้สักใบก็ไม่มีไหวติงแม้แต่น้อยตลอดช่วงเวลานี้จิตของเราได้รวมลงในชาญนจิตวางอยู่ในอุเบกขาด้วยตัวเขามันเอง ที่ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนยังไงก็ทรงอยู่ในอารมณ์นั้นไม่มีวิตกวิจารณ์ไม่มีความคิดไม่มีความตื่นกลัวแม้แต่สักนิดเดียวเราไม่ปรุงแต่งมีแค่ตัวรู้อ่าแต่ว่าไม่เอารู้กระทบนอกไม่เข้าในนั่งดูเหตุการณ์เหล่านั้นที่แสดงให้ดูให้มันไหลผ่านไปโดยไม่ได้ให้ค่าอะไรทั้งสิน้นจิตของเราเหมือนแกนที่ตั้งตรงไม่เบี่ยงเบนไปซ้ายไปขวา ขณะที่มีความว่างอยู่ยังคงอยู่ในอารมณ์ของฌานเราเพียงกำหนดระลึกรู้อารมณ์ไม่ได้ส่งจิตกระโดดลงไปเล่นในอารมณ์นั้นเพียงจะนั่งดูมันเฉยๆนั่นแหละก็คือสติสัมปชัญญะขณะที่ผู้รู้สามารถแยกออกจากอารมณ์อย่างชัดเจนเป็นอุเบกขารมณตามเห็นถึงการเกิดดับของอารมณ์จิตจะไม่รับรู้อารมณ์นั้นอีก แล้วจิตก็จะเดินปัญญาพิจารณาถึงไตรลักษ์ด้วยตัวของจิตเองพายุยักษ์อันน่าสะพึงกลัวนี้แสดงให้ดูอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นทั้งผืนป่าพังราบไปทั้งแถบพอใกล้มืดแล้วเราก็เข้าไปในเต็นท์แล้วก็นั่งดูการแสดงต่อจากในนั้นพายุพัดลมกันโชกแรงอยู่ต่อเนื่องเกือบสามชั่วโมงกว่าจนเวลาประมาณก่อนทุ่มครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่เราจะสวดมนต์ แล้วจิ้งรีดเรไรก็พร้อมใจกันส่งเสียงป่าก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเราก็เลยสวดมนต์ทำสมาธิต่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ทุกวันจกนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเราสวดมนต์ทำวัดอย่างเคยแล้วก็ออกจากเต้นไปล้างหน้าแปลงฟันท่านเราหันไปมองที่เต้นก็มีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นปรากฏว่ามีน้ําไหลจากขอบเต้น กว้างประมาณเก้าสิบเซนติเมตรคือเกือบจะเต็มความกว้างของตัวเต็นท์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เรามาคิดย้อนสำรวจอย่างผีท้วนว่าก่อนจะวางเต็นท์เราก็ดูอย่างดีแล้วว่าไม่ได้ทับอะไรเป็นหินที่แห้งสนิทไม่มีตาน้ำและยิ่งเป็นหินที่อยู่ตำแหน่งสูงแบบเพิงหน้าผาแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่น้ำจากข้างล่างจะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในตาแหน่งนี้ สวันที่ผ่านมาก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วน้านี่ออกมาจากหินได้ยังไงเราก็จับดูน้ำที่ไหลออกมาจากผอบเต็นก็รู้สึกเย็นชื่นใจเป็นน้ำที่ใสามากแล้วก็ไหลอยู่ตลอดเวลาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการแสดงพายุจนป่าพังพินาศก็ไม่มีอีกเลยเราพิจารณาดูแล้วเหมือนกับสิ่งลี้ลับเขาต้องการทดสอบว่า ใจเรามีความวิตกกังวลหรือว่ามีความมั่นคงรักษาอารมณ์ให้ตั้งมั่นไม่ผันแปรได้แค่ไหนเมื่อผ่านบททดสอบแล้วจึงแสดงปาฏิหาริย์บางอย่างให้เราเห็นเพื่อเป็นกำลังใจและนำน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาให้เราใช้เป็นรางวัลเราอยู่ที่นั่นจนวันสุดท้ายที่ตกลงกันให้ในใจมารับตอนนั้นเราอยู่เพียงลาพังรูปเดียว ไม่มีใครประเค้นอะไรให้ต้องดูแลตัวเองเมื่อหาอะไรขบฉันไม่ได้ก็ต้องดื่มน้ำเท่านั้นซึ่งน้ำที่ดีก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับเรามากเปรียบเหมือนน้ำอมฤตทำให้เรากระชุ่มกระชวยไม่เหนื่อยล้าแม้จะนั่งภาวนาทั้งวันทั้งคืนยนแทบไม่ได้จำวัดซึ่งน่าจะทำให้อ่อนแรงบ้างแต่ว่าเราก็กลับกระปี้กระป๋าตลอดทั้งวันวันสุดท้ายนี้ขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่เราก็รู้ในใจ มานั่งรอรับแต่ว่าเรายังไม่ออกจากสมาธิจนเมื่อเราออกจากสมาธิจึงให้ในใจขนสัมภาระออกไปส่วนเราก็เตรียมจะเดินทางกลับนึกยังไงไม่ทราบก็เดินไปที่แอ่งน้ําพร้อมกันในใจซึ่งเป็นสถานที่ที่เราเคยนั่งสมาธิขณะนั้นเป็นหน้าแล้งน้ําในแอ่งไหลเอื่อยค่อนไปทางนิ่งแผ่นน้ำไม่ได้กว้างมากนักเราค่อยๆนั่งย่อเข่าตรงขอบน้ําพิจารณาอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้น ทันใดนั้นก็มีสิ่งมหัศจรรย์มังเกิดขึ้นจากแผ่นน้ำที่นิ่งเริ่มมีความเคลื่อนไหวมีคลื่นสัตว์มากระทบขอบแผ่นน้ำแผ่ซ่านออกมวลน้ำยกตัวขึ้นเป็นรูปร่างพญา น, นาคขึ้นมาจากน้ำเคลื่อนไหวบิดตัวไปมาเราเห็นด้วยตาเนื้อเลยแล้วก็ยืนยันได้ว่าเรามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนท่านรับรู้ว่าเรากำลังจะเดินทางกลับ จึงมาอนุโมทนาสาธุการแต่เราก็ยังคงไม่มีวิตกวิจารณ์ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดว่าหากเจอสิ่งใดก็อย่าสนใจอย่าไปส่งจิตออกดูสักพักหนึ่งเราก็หันหลังเดินกลับสถานที่จุดหมายที่เราจะเดินทางต่อไปก็คือยอดเขาภูเขาควาย ซึ่งน้อยคนนักที่จะกล้าเดินทางไปเสี่ยงภัยอันตรายเนื่องจากความน่าสะพึงกลัวและสิ่งเร้นลับมากมายรวมทั้งมีคนเล่นของที่เจตนาทำร้ายพระสงฆ์ที่เดินทางไปที่นั่นให้ถึงแก่มรณภาพเพื่อจะทดสอบวิชาของตัวเองและเราก็ได้เจอกลุ่มคนเล่นพลังมืดนี้เข้าจริงๆแต่พลังแห่งพุโทโธนั้นยิ่งใหญ่มากนักเมื่อจิตตั้งมั่นในองค์ฌาน ไม่ลงไปเป็นผู้เล่นกับเขาไยยาสตร์หรือมนต์ดำใดๆก็ไม่สามารถเอาชนะพลังแห่งพุทธคุณได้เรื่องของการผจญสิ่งลี้ลับที่ภูเขาควายซึ่งพระจัดชัยอภิวิชโชหรือว่าพระอาจารย์นิกท่านได้เล่าไว้ ท่านเล่าว่าว่าหลังจากที่เราได้พบเจอเหตุการณ์ลี้ลับต่างๆที่หินรูปบาทพระระหว่างเส้นทางไปถ้ำน้ำแล้วก็ได้พบเจอสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในระหว่างการภาวนาที่ถ้ำน้ำจุดหมายต่อไปของเราก็คือยอดเขาภูเขาควายที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งพันเมตรโดยต้องเดินทางไปขึ้นอีกจุดหนึ่งเราก็เลยย้อนกลับมาที่หินรูปบาทพระอีกครั้ง เพื่อพักแรมพร้อมกับรอว่าอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จะเดินทางออกจากป่าไปรอขึ้นรถที่วัดพระพุทธบาทภูเขาควายสป ป, ปลาวแล้วก็เดินทางต่อไปอีกจังหวัดหนึ่งสามสี่วันต่อมาก็ปรากฏว่ามีชาวลาวขึ้นไปกราบเราที่หินรูปบาทพระนี้เขาแนะนำตัวว่าชื่อยนลุงยนเนี่ยมาทำบุญที่วัดพระพุทธบาทภูเขาควาย แล้วได้ยินพระลาวเล่าว่ามีพระไทยมาทุดงเดี่ยวที่นี่ก็เลยมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าก็ออกเดินทางตามหาเราขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่ที่หินรูปบาทพระลุงยนต์ก็เข้ามากราบเราในบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่ได้สนทนาธรรมกับลุงยนนะเขาก็ยิ่งศรัทธาเรามากขึ้นลุงยนต์เล่าให้ฟังว่าที่ภูเขาควายมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วจึงกลับไป หลังจากที่ลุงยนกลับไปแล้วสองวันเย็นวันนั้นเองเราลงสงน้ำในตอนสี่โมงเย็นเมื่อครั้งที่เดินทางผ่านมาที่หินรูปบาทพระในครั้งก่อนที่จะไปถ้ำน้ำนั้นเราเจอลมพายุหมุนวนรอบตัวเราทุกวันแต่ว่าครั้งนี้เปลี่ยนไปลมจากที่พัดเอื่อยเอื้อยอยู่ก็นิ่งสนิทเราสังเกตความเคลื่อนไหวเหล่านี้ตลอดเวลา และสังเกตว่าตัวเองเพิ่งส่งน้ำเนื้อตัวยังเย็นฉ่ำแต่แปลกมากที่รู้สึกร้อนรุ่มขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเหงื่อเริ่มออกท่วมหน้าท่วมตัวชนิดแบบปูขุมขนเปิดทั้งจีวรและสบงนีิเปียกหมดมันเปลี่ยนแปลงฉับพลันแบบนี้ได้อย่างไรเราไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนในชีวิตเราจึงกำหนดดู มันไม่ชอบมาผากคนเลยรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ต้องการให้เราออกไปจากที่นี่เรากับในใจเดินทางออกมาพักที่ศาลาซึ่งอยู่ขอบชายป่าติดกับชายแดนวัดพระพุทธบาทภูเขาควายมาถึงศาลาก็เมื่อค่ำแล้ววันรุ่งขึ้นเรื่องรู้ถึงหูของครูบาสุนทรแล้วก็ครูบาวิรัตซึ่งเป็นพระลาวจําวัดอยู่ที่นี่ ได้ยินมาจากพระราวด้วยกันพูดว่ามีพระไทยเดินทางมาทุดงเดียวครูบาทั้งสองจึงเดินมาหาแล้วก็ได้สนทนาธรรมกับเราเราจึงได้ชวนครูบาทั้งสองไปเยี่ยมทุ่งป่าสวนศนซึ่งเป็นสถานที่ภาวนาท่ามกลางป่าศนในอำเภอปากช่องหากได้มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยหลังจากนั้นครูบาทั้งสองก็เข้ามากราบแล้วก็บอกว่า เออผมศรัทธาท่านมากเลยนะครับท่านเก่งนะท่านกล้ามารูปเดียวพอสนทนาได้สักครู่ครูบาทั้งสองก็กลับไปในช่วงบ่ายวันเดียวกันครูบาทั้งสองท่านก็มาสนทนาธรรมกับเราอีกจึงทราบว่าทั้งสองท่านก็รู้จักลุงยนเมื่อได้ทราบถึงแผนการเดินทางที่เราจะไปทุดงในอีกจังหวัดครูบาก็ถามเราว่าเออผมขอตามทุดงท่านไปด้วยได้ไหมครับ เราก็มองหน้าแล้วก็ตอบบอกได้สิตอนนี้ผู้ร่วมเดินทางจึงมีครูบาวิรัตครูบาสุนทรลุงยนตในายใจแล้วก็เราในขณะที่กำลังสนทนาฉันน้ำปานะชงน้ำร้อนฉันน้ำชากันคนอื่นไม่ทันได้สังเกตอะไรแต่เราสังเกตเห็นผู้ชายสี่คนเดินมาด้วยกัน มีสองคนแยกตัวอยู่ด้านล่างศาลาส่วนอีกสองคนขึ้นมาบนศาลาคนหนึ่งมีรูปร่างท้วมใหญ่กำยำส่วนอีกคนรูปร่างผอมสูงแต่สองคนนี้มีพฤติกรรมที่แปลกไม่เหมือนคนปกติตั้งแต่ขึ้นบันไดามาเราเห็นผู้ชายร่างท้วมใหญ่ทำปากขมุบขมิบเหมือนท่องคาถาสะกดที่พื้นตรงบันไดทั้งสี่ทิศโดยใช้เท้าเขียนทุกคนคุยกันอย่างออกรส ในใจแม้จะกลัวแต่ก็เล่าประสบการณ์เจอนั่นเจอนี่อย่างสนุกตามปราษาเราก็ฟังทุกคนคุยกันอย่างมีสติสายตาเราก็จ้องมองและสังเกตทุกย่างก้าวของชายทั้งสองคนนั้นแล้วพวกเขาก็หายไปพอเริ่มโผล่เพลงผู้ชายสองคนเดิมก็ขึ้นมาบนสลาอีก มาถึงนอกจากไม่พูดไม่จาอะไรแล้วก็ไม่กราบพระยังถือวิสาสะมาจับกาน้ําร้อนแล้วก็ชงเครื่องดื่มกินกันหน้าตาเฉยท่าทางในการเดินก็แข็งแข็งแปลกๆชอบกลเดินไปจับนู่นจับนี่จากที่เราอยากจะฉันกาแฟพอเห็นแบบนั้นเข้าก็ระวังตัวไม่กล้าไปหยิบไปจับสิ่งใดทั้งสิน้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มชายสองคนนั้นก็นอนลงกับพื้นแล้วก็หลับสนิทด้วยความรวดเร็ว นอนตัวแข็งเหมือนคนตายคนรูปร่างผอมนอนห่างไปเจ็ดเมตรเกือบกลางสลาส่วนคนรูปร่างท้วมนอนห่างไปประมาณสิบเมตรอยู่ใกล้บันไดอีกฝั่งหนึ่งยิ่งมืดค่าลงเรื่อยเรื่อยเราก็เห็นร่างของชายทั้งสองคนนั้นยิ่งดำทะมึนแสงไฟอันสลัวยังพอส่องเห็นเราเห็นด้วยตาเนื้อว่าร่างเขาดำผิดปกติขึ้นมากไม่เหมือนเมื่อตอนบ่ายเพราะว่าผิวคนเนี่ยเมื่อเทียบกับ สีเสื้อผ้าถึงจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนหลังจากสนทนาธรรมกับครูบาทั้งสองจนเกือบสามทุ่มครูบาวิรัติและครูบาสุนทรก็กลับคูติซึ่งครูบาท่านก็ได้พาเราไปชมคูติของท่านแล้วในตอนบ่ายวันนั้นว่าท่านทั้งสองน่ะจาวัดตรงไหนเรากับในายใจก็แยกย้ายกันเข้าเส้นแปลกมากในายใจไม่ใช่คนหลับไวขนาดนั้นแต่คืนนี้เหมือนถูกสะกด เอนหลังลงนอนได้ก็หลับทันทีแต่เราไม่ยอมจำวัดเพราะเรานั่งภาวนาตลอดคืนศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่สูงชันมากมีลมเย็นสบายเรานั่งภาวนาอยู่บันไดอีกฝั่งหนึ่งหันหน้าออกไปทางผู้ชายสองคนนั้นถึงได้เฝ้าสังเกตการได้อย่างชัดเจนส่วนในใจเนอนอนห่างจากเราเยื้องไปทางขวามือเรานั่งสมาธิไม่ได้ปิดตา ขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่ทันใดนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อเห็นเงาดำสูงใหญ่ทะมึนเหมือนคนนั่งคร่อมชายร่างผอมนั้นอย่างชัดเจนมากเราก็ยิ่งจ้องแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธแต่อยู่ในอารมณ์ฌานก็เลยไม่มีความกลัวมีเพียงรู้ตัวอย่างเดียวเงาดาทะมึนนั้นนั่งคร่มชายร่างผอมอยู่นานพอสมควรกาลังจับตาดูท่าทีเราอยู่ แต่ไม่มีจังหวะเพราะเราจ้องอยู่เหมือนมันจะรู้ว่าเราจ้องก็เลยยังไม่เคลื่อนไหวอะไรส่วนชายร่างผอมที่ถูกคล่ำ อ, อยู่ก็ยังคงนอนตัวแข็งนิ่งไม่ไหวติงเหมือนศพเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่เราเห็นไม่ได้ตาฝาดเราก็หยิกขาของเราว่ายัางเจ็บหรือเปล่าถ้ายังเจ็บแสดงว่าเราไม่ได้เพี้ยนหยิกอยู่สองสามครั้งเพ่งอยู่อย่างนั้นเงาดําทะมึนก็ยังคงจ้องรอดูท่าทีเรา แต่แล้วเราก็เกิดอาการเคืองตาจนต้องกระพริบตาเงานั้นก็หายวูบไปกลับมาที่ในใจซึ่งปกติไม่อยู่นิ่งต้องนอนพลิกไปพลิกมาวันนี้กลับนอนไม่กระดิก ھ, เหมือนคนถูกวางยาเราเองก็พุโทโธพุโทโธตลอดเวลาทันใดนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเลยเสียงแกร๊ก เสียงเหมือนคนเปิดกล่องไฟเช็กดังชัดเจนมากดังมาจากชายร่างท้วมที่ยังนอนนิ่งไม่ขยับขยื้อนจากนั้นก็มีแสงไฟเล็กๆ เ, เ, เท่าหัวไม่ขีดไฟสีน้ำเงินออกฟ้าเหลือบเหลืองนิดหน่อยแสงไฟนี้สว่างวาบขึ้นแล้วค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นเป็นดวงไฟดวงไฟขยายใหญ่มากขึ้นมากขึ้นสีดวงไฟก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นสีแสดเข้มขึ้นเรื่อยเรื่อย จนมีขนาดใหญ่ประมาณลูกบาสเกตบอลมีรัศมีเปร่งประกายในตัวมันอย่างเด่นชัดค่อยๆลอยสูงขึ้นจากชายร่างท้วมนั้นอย่างชา้ชาๆไปในทิศทางที่ในใจนอนอยู่ในความมืดสลัวเนี่ยเราถึงได้เห็นดวงไฟนั้นอย่างชัดเจนเราเพ่งไปที่ดวงไฟด้วยกระแสแห่งพลังพุทธคุณดวงไฟนั้นก็ไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ลอยสูงขึ้นมาระยะหนึ่งก็สลายวับไปกับตา ครั้งที่สองดวงไฟก็ลอยขึ้นแล้วเคลื่อนไปในทิศทางเดิมเราก็เพ่งอีกทุกครั้งที่เราเพ่งดวงไฟก็สลายไปอีกจนครั้งที่สามเราก็คิดในใจว่าเดี๋ยวขอดูชัดๆสักหน่อยเถอะว่ามันคืออะไรกันแน่ทุกๆครึ่งชั่วโมงเสียงแกรกนี่จะดังขึ้นดวงไฟพยายามจะลอยขึ้นอีกเป็นครั้งที่สี่เราก็คิดในใจอีกว่าขอดูชัดๆอีกทีเถอะ เป็นแบบนี้อยู่เจ็ดแปดรอบตั้งแต่สามทุ่มกว่าจนประมาณตีหนึ่งครึ่งดวงไฟลอยขึ้นมาแล้วก็สลายวับไปด้วยอำนาจพุทธคุณแน่ชัดแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเกิดขึ้นจริงเราเริ่มเก็บเต้นของตัวเองก่อนแล้วกองไว้ไม่สนใจดวงไฟอีกแต่แล้วก็เดินไปสะกิดในใจในใจายนอนหลับไม่รู้เรื่องเหมือนกระถูกสะกดเราไม่ต้องการให้สองคนนั้นได้ยินเราเขย่าขาในใจอยู่นาน ไม่มีการตอบสนองแม้จะขยาวแรงขึ้นสักพักหนึ่งในใจก็ได้สติแล้วดีดตัวขึ้นมาเราก็กระซิบบอกใจอย่าเพิ่งพูดอะไรนะเก็บเต้นเดี๋ยวนี้เลยใจเก็บเต้นเดี๋ยวนี้เลยเก็บเดี๋ยวนี้ใจพระอาจารย์เป็นอะไรครับพระอาจารย์กลัวผีเหรอเราเก็บข้าวของหมายจะเดินไปที่กุติครูบาสุนทร ในายใจแบกสัมภาระทั้งสองของเราและของเขาส่วนผู้ชายสองคนนั้นก็ยังนอนเป็นศพไม่ขยับเราและในายใจก็ได้เดินออกจากศาลานั้นไปรุ่งเช้าอีกวันหนึง่งเราขนเต็นท์กลับไปที่ศาลาตามเดิมแต่ผู้ชายสองคนนั้นไม่อยู่แล้วเราจึงจำวัดที่นี่ต่อไปอีกหนึ่งคืนในายใจที่ยังมีความกลัวอยู่เวลานี้พยายามอยู่ใกล้เรามากขึ้น แต่ว่าคืนนี้ไม่มีอะไรเราก็เลยย้ายเต็นท์ไปอยู่มุมสุดแล้วให้ในายใจอยู่กลางสลาคืนนั้นก่อนจะจำวัดเรานั่งภาวนาสังเกตในายใจยังคงมีความกลัวไม่กล้านอนจากที่ไม่เคยนั่งสมาธิก็ลุกขึ้นมานั่งภาวนาจนพักใหญ่ในายใจหลับไปแล้วเรายังคงภาวนาต่อจนเกือบเที่ยงคืนตีสีของอีกวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมานั่งภาวนาในเต็นท์ ยังไม่ได้ออกไปล้างหน้าล้างตาตอนนั้นเวลาประมาณเจ็ดโมงเชา้าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นชายร่างท้วมในคืนนั้นกลับมาหาเราขึ้นมาบนศาลาเพียงลำพังโดยมีเพื่อนสามคนรออยู่ข้างล่างในใจก็อยู่กับเราห่างๆผู้ชายคนนั้นตั้งใจเดินตรงมาที่เต็น์สมาธิของเราแต่ว่าไม่เข้ามาทางด้านหน้าเขาเดินมาหยุดที่ด้านข้างเต็นต์อยู่ๆก็คุกเข่ากราบเรา ปกติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนลาวเวลากราบจะแบมือเอาฝ่ามือลงแต่เราสังเกตเห็นความผิดปกติว่าผู้ชายคนนี้กลับเอาหลังมือลงแล้วหงายฝ่ามือซ้ายลงกราบก่อนแล้วตามได้หงายฝ่ามือขวาเราเลือกไปเห็นนิ้วมือของเขาก็แปลกมากมันมีลักษณะกลมใหญ่เกินมนุษย์ทั่วไปกลมหนาเท่ากันทุกนิ้วเหมือนเอาแตงความาวางเรียงกันเราอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิไม่ได้สนใจ กราบเสร็จเช้าก็ลงจากสาลาไปโดยไม่พูดจาอะไรเลยเสร็จแล้วถึงวันเดินทางรถก็มารับตามที่นัดหมายไว้มีครูบาวิรัตครูบาสุนทรลุงยนในใจตามเราไปด้วยจุดแวะพักก่อนที่จะขึ้นภูเขาควายก็คือวัดพระธรรมเท พ, พวงศ์ตั้งอยู่ที่บ้านเชียงแหลท่าอำเภอเมืองปากเงิมจังหวัดนคะรหลวงเวียงจันท์ วัดแห่งนี้มีหลวงปู่สุวรรณคำจันทสาโรเป็นเจ้าอาวาสครูบาทั้งสองเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่สุวรรณคำเป็นพระที่มีตบะบารมีมากคนล่าให้ความเคารพเชื่อถือตอนที่เราไปถึงคืนแรกไม่พบหลวงปู่เราก็แจ้งความประสงค์กับหมู่พระเลา่าเพื่อขออนุญาตจําวัดสองคืนเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะไปขึ้นภูเขาค ว, วายณอีกจุดทางขึ้นหนึ่ง คืนนั้นเองที่เรามีโอกาสซักถามถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ลมพายุที่หมุนวนโค่นป่าให้พังพินาศแบบไม่มีสาเหตุทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งนั้นคือผียะวายผียะวายมีพลังอำนาจสร้างภาพลวงตาว่าป่าทั้งป่าพังพินาศทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ได้หักโค่นอย่างที่เห็น ส่วนชายสี่คนที่มาที่สลาแล้วก็ได้กราบเราด้วยวิธีแปลกๆนั้นครูบาสุนทรเล่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งว่าท่านได้เห็นผู้ชายร่างท้วมถอดเสือ้อก้มลงล้างหน้าอยู่ตรงลำธารเผยให้เห็นหลังของเขาที่เป็นแผลเวอะวะเนื้อแดงแงเลือดสดๆเหมือนถูกอะไรกัดกินเป็นหลุมพระจันทร์ดูน่าสยดสยองลุงยนจึงอธิบายเพิ่มเติมว่า ต้นเหตุที่เราร้อนรุ่มเมื่อพักที่หินรูปบาทพระนั้นเป็นเพราะคนเล่นของกลุ่มนี้ไร้มนต้อนให้เราลงมาที่ศาลาแล้วปล่อยของมาดูดเลือดเมื่อทำไม่สำเร็จจึงมาขอขมาลุงยนต์พูดให้ฟังว่าเขามาขอขมาลาโทษครับคือจะไม่มารบกวนกันอีกเขายอมรับแล้วว่าหลวงตาปฏิบัติธรรมแท้จริง มันจะเอาหลังมือลงแล้วหายฝ่ามือขึ้นแสดงความรับสารภาพว่าทาอะไรไม่ได้ดวงไฟเนี่ยเขาเรียกว่าว่านกระจายว่านกระจายนี่มันจะใส่กระดูกไก่ใส่เหล็กตะปูใส่ายด้ายแดงลงในถุงแล้วอาศัยว่านกระจายเนี่ยไปดูดกินเลือดกินน้ําเหลืองคนตาย มันจะเอาว่างกระจายมากวนลูกศิษย์ของหลวงตาแต่มันทำไม่ได้มันสะกดไอใจไว้แล้วแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันออกมาไม่ได้มันกลัวหลวงตาพอออกมาไม่ได้มันก็จะอยู่ในตัวคนถึงสุดท้ายก็กลับไปกัดกินตัวเจ้าของกินเลือดเจ้าของจนเกิดเป็นแผลอยู่กับคนนิสัยไม่ดีมันก็จะทำร้ายเรานี่แหละเขาอยากจะรู้ว่าพระรูปนี้เก่งจริงไหมมาปฏิบัติธรรมจริงๆหรือเปล่า ถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยเขาจะมาขอโทษเขากลัวว่าพระอาจารย์จะทำให้เขาไม่สบายเขาก็จะมาขอโทษที่มาของว่านกระจายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่ตัวของเขาเขาจะเอาใส่เสื้อใส่ถุงย่ามแหล่งของมันเจริญจริงๆอยู่ลาวใต้จะอยู่แถวภาคกลางลงไปหาท่าแขกลงไปแถวนั้นนะมันจะมีของเยอะเขาจะทำกันปลาเยอะแต่ว่าภาคใต้แท้ๆที่จริงแล้วเขาไม่ทำไม่จำเป็นไม่ทำ มันทำให้คนตายไม่รู้สึกตัวไม่รู้สาเหตุว่าตายอย่างไรจะตายเจ็บท้องหรือเจ็บหัวเพราะเจ็บมากๆเข่าแล้วก็ตายมันเริ่มจากดังแกรกแล้วค่อยๆจุดเหมือนกับแสงแสงมันออกมาเล็กๆเหมือนไฟแช็กแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นลอยไปดูดเลือดเมื่อไม่ได้มันก็กลับลงหลวงตาท่านปฏิบัติทำอยู่นั่งสมาธิอยู่มันออกไปไม่ไดหากินไม่ได้ก็เลย อ, อยู่ที่ตัวของเขาเอง มันสะกดไอ้ใจได้เพราะว่าไอ้ใจมันไม่มีอะไรไม่ปฏิบัติไม่นั่งสมาธิไม่มีศีลมันก็อย่างเนี้ยมันสะกดคนได้มันก็กินได้คนที่มีศีลมันก็กินไม่ได้ไอ้ใจไม่รู้ตัวเลยถ้าไม่มีหลวงตาแล้วมันออกมารับรองมันกินเลยกินไอ้นั้นตายไปเลยโดยไม่รู้สาเหตุว่าตายเพราะอะไรได้ฟังแบบนี้แล้วในใจก็ขยับตัว ติดกับเรามากขึ้นด้วยความกลัวมากวันที่สองนะับเป็นโชคดีที่หลวงปู่สุวรรณคํากลับมาที่วัดในตอนเย็นเราก็เข้ากราบหลวงปู่ขออนุญาตจําวัดที่นี่ท่านก็เมตตาให้พักสองคืนเราจ้องตาท่านท่านก็จ้องตาเรารู้ทันทีว่าท่านอ่านจิตเราอยู่เรากราบที่ตักแล้วก็เรียนท่านว่าเอกระผมขออนุญาตขึ้นไปภาวณาบนยอดภูเขาค ว, วายได้หรือไม่ครับ ป่ารกทึบมองเห็นแต่เพียงยอดไม้ต้นไม้ใหญ่ๆขนาดหลายคนโอบเล็กเหลือแค่ก้างไม่ขีดขณะที่นั่งภาวนาอยู่บนหินก้อนนั้นโดยไม่มีเต็น์เป็นเครื่องอยู่ป้องกันอะไรใจก็สงบลงได้อย่างรวดเร็วเราทรงอารมณ์อยู่ในฌานเวทนาดับลงสัญญาดับลงความร้อนความหนาวและเวลาก็หายไปสังขารดับลงวิญญาณดับลง เมื่อดินน้ำลมไฟคือธาตุดับลงได้แล้ววางได้แล้วจิตก็สงบลงจนในที่สุดไม่รับรู้อะไรเลยมีแต่ความนิ่งไร้ซึ่งความคิดเวลาผ่านไปแต่ละชั่วโมงถึงมืดค่ำก็ยังไม่รับรู้อะไรกระทั่งเริ่มออกจากกรรมฐานก็เกือบสามทุ่มในถม้มกลางความมืดเราก็ทอดสายตาไปไกลก็มองเห็นแสงไฟอยู่ลิบลิบที่แสดงถึงขอบเขตของเมือง พิจารณาสักพักก็รู้สึกเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์ต่างจากตอนบ่ายที่เริ่มนั่งซึ่งค่อนข้างร้อนอบอ้าวเราพิจารณาต่ออีกนิดจนได้เวลาพอสมควรก็ปีน ล, ลงมาจากแท่งหินก้อนนั้นขณะที่กําลังเดินกลับผ่านหินประหลาดที่ว่ารูปร่างเหมือนหมวกข่าวบอยพอพ้นไปเท่านั้นอากาศร้อนอบอ้าวขึ้นมาทันทีมาปะทะผิวเราสร้างความงุนงงและมหัศจรรย์แก่เรามาก เราเดินกลับไปที่เต็นท์ซึ่งไม่ห่างจากตรงนั้นนักก็ยังเกิดความสงสัยว่าบริเวณที่เราอยู่นี้ทำไมมัร้อนอ้าวจังเลยเรามั่นใจว่าเรามีสติสัมปชัญญะในทุกอิรยาบถก็เลยเดินย้อนกลับไปที่หินก้อนนั้นใหม่เพื่อพิสูจน์ปรากฏว่าเมื่อผ่านหินประหลาดก้อนนั้นเข้าไปในจุดที่เรานั่งกรรมาฐานในรัศมีเก้าเมตรก็เปรียบเสมือนเดินเข้าห้องแอร์จริง แต่พื้นที่รอบหินในเวลานี้เรารับรู้ได้ว่าน่ากลัวมากจะเป็นไปได้หรือที่อากาศจะแตกต่างกันทั้งที่ผืนป่านนั้นเปิดโล่งไม่มีห้องไม่มีผนังกัน้นอากาศควรจะถ่ายเทแล้วก็มีอุณหภูมิใกล้เคียงกันแต่กลับต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แปลกประหลาดมากที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนในชีวิตคั้นเรากําหนดพิจารณาดูถึงได้รู้ทันทีว่า เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าขาวเทพธิดาท่านเมตตามาให้ความร่มเย็นแก่เราร่วมอนุโมทนาบุญกับเราในการสร้างความเพียรเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็กลับมาที่เต็นท์สวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งภาวนาต่อจนสมควรแก่เวลาแล้วถึงได้จำวัดวันถัดมาเรานั่งภาวนาบนก้อนหินเช่นเดิมในช่วงเช้า ที่อากาศเย็นสบายจิตของเรารวมลงในอัปปนาสมาธิได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นิ่งนานก่อนจะถอนเข้าสู่อุปจารสมาธิเพื่อเดินปัญญาจิตได้พิจารณาถึงไตรลักษ์เราขวาสายตามองพื้นดินจิตของเราได้พิจารณาข้ออัดข้อธรรมถึงขันห้าและรูปนามอันไม่เที่ยงให้เห็นถึงอนิจจงทุกขังและอนัตตาทันใดนั้นน้าตาก็ไหลนองหน้าอย่างไม่ขาดสาย สองแก้มเปียกชุ่มได้น้ำตาที่ล้นออกมาพั่งพูออกมาเองโดยไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งใดๆเลยเป็นเพียงอากัเกิริยาของกายเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจลงจากยอดภูเขาควายแล้วก็เดินทางกลับวัดโดยไม่ลืมที่จะงดฉันน้ำตลอดเส้นทางแต่ในที่สุดก็หลงป่าอีกครั้งจนได้ ที่ผ่านมามีหมู่พระทุดดงทั้งไทยลาวพมา่าและกัมพูชาที่ยอมเดินทางเข้าไปแต่ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยหายสาบสู์บ้างล้มตายบ้างรวมถึงผู้คนที่เข้าไปเสาะสแสวงหาธาตุกายสิทธิสำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้ไปสแสวงหาสิ่งใดแต่เราเดินทางไปเพื่อเสาะสแสวงหาโมฆะธรรมฝึกอบรมใจตัวเองให้แกร่งกล้าแม้จะใช้ชีวิตแรกเป็นเดิมพันก็ยอมหลายเหตุการณ์หลายเวลา เพียงเสี้ยววินาทีนั่นก็คือความเป็นความตายเท่ากันไม่มีเวลาที่จะคิดสิ่งที่ควรทำก็คือรักษาจิตตัวเองให้ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคิดอย่างเดียวก็คือยอมนี่แหละดีที่สุดแต่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเมื่อเข้าไปบำเพ็ญเพียรการปฏิบัติทางจิตสามารถสงบลงแล้วก็เข้าสู่องค์ฌานได้อย่างรวดเร็วซึ่งอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัว ภูเขาควายเป็นดินแดนที่ยากจะบรรยายในเรื่องของความอัศจรรย์ลี้ลับไม่ว่าจะเป็นพบภูมิของพญานาคเมืองลับแลและเป็นที่อยู่ของผู้ผีปีศาจที่พร้อมจะทดสอบผู้ที่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้ได้ตลอดเวลาหากผู้นั้นจิตไม่ตั้งมั่นและไม่สามารถจะรวมจิตในองค์ฌานได้แล้วก็ยากนักที่จะมีชีวิตกลับออกมาได้ครับ ปัจจุบันนี้พระอาจารย์ชัดชัยอภิวิชโชหรือว่าพระอาจารย์นิกเนี่นะครับท่านอยู่ที่ทุ่งป่าสวนสนทุ่งป่าสวนสนคือธรรมสถานเพื่อการภาวนาท่ามกลางธรรมชาติและป่าสนโดยเป็นการจำลองป่าด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุยืนจำนวนมากเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติภาวนาโดยเป็นการภาวนาเดี่ยว ในป่าจำลองตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับนิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็ยิ้มให้ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำท่านได้เมตตากล่าวว่าพรุ่งนี้เช้ามาฉันพร้อมกันกับหมู่พระนะเช้าวันถัดมาในนับเป็นมื้อแรกที่เราได้ฉันอาหารหลังจากอดมาตลอดสามสัปดาห์ เรารู้จังหวะที่ญาติโยมกลับกันหมดแล้วเพื่อสนทนาธรรมกับท่านแล้วก็ซักถามข้อสงสัยบางอย่างเช่นตอนที่มีน้ําไหลออกมาจากขอบเต็นเหนือถ้ำน้ำําท่านกําหนดจิตดูแล้วก็บอกว่าเป็นพยานนาคมาคลายร้อนให้เราซึ่งก็เป็นผลจากการปฏิบัติที่ถูกทดสอบเมื่อคุยมาถึงเรื่องของการที่จะขึ้นไปบนยอดภูเขาควายต้องข้ามภูเขาห้าลูกก่อนภูเขาทั้งห้าลูกนี่มีอาถรรพ์ ท่านย้ำว่าภูเขาห้าลูกนี้ไม่ใช่ทางรถไม่ใช่ทางคนเดินมันเป็นทางสัตว์พวกเรารับรู้แค่ว่าทิศทางใดคือยอดภูเขาควายก็ไปตามทิศทางนั้นหลวงปู่กาชับว่าระหว่างขึ้นภูเขาห้าลูกนี้ห้ามดื่มน้ําเด็ดขาดไม่ว่าจะดื่มหรือจิบก็ไม่ได้แม้แต่หยดเดียวย้ําเช่นนี้สิบกว่าครั้งพร้อมกับจ้องตาเราตลอดแล้วก็ยิ้มให้ดว้วยความเมตตา สนทนาพอสมควรแล้วเราจึงกราบลาท่านก่อนจะลุกขึ้นท่านก็ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องห้ามดื่มน้ำในระหว่างเดินทางข้ามภูเขาทั้งห้าลูกอย่างเด็ดขาดคืนนั้นเราจำวัดต่อที่นี่อีกคืนหนึง่งวันต่อมาหลวงปู่สุวรรณคำก็ออกกิจในมลไม่อยู่ที่วัดเราตั้งใจว่าจะขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาค ว, วายสักสองสัปดาห์แล้วค่อยกลับลงมา เช้าวันนั้นต้องรีบเก็บข้าวของออกเดินทางเพราะว่าระยะทางไกลมากผู้เขาแต่ละลูกนี่ต้องปีนป่ายกันแบบทุลักทุเลขึ้นลูกนี้ลงลูกนั้นจนตัวเหงื่อชุ่มไปหมดเหนื่อยมากแต่ต้องอดทนบางช่วงก็หลงต้องพยายามหาเครื่องหมายแล้วก็มาเจอกันบางช่วงป่าก้องเงียบกริบจนรู้สึกแปลกๆผ่านลูกที่หนึ่งลูกที่สองพอจะเข้าลูกที่สามเราต้องขอพักเพราะว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้ว อาศัยนั่งบนแผ่นหินแล้วก็หอบแบบพุโทโธเราภาวนาทุกอย่างก้าวพุโทโธตลอดเวลาไม่เคยหยุดในใจนี้เดินลงเหวข้างล่างเพื่อตักน้ำใส่กระบอกมาให้แต่ทุกคนก็ไม่ดื่มทำได้เพียงเอามาลูบหน้าลูบตัวให้คลายร้อนเท่านั้นพักกันไม่เกินห้านาทีก็ออกเดินทางต่อเพื่อแข่งกับเวลาในช่วงเดินทางจากภูเขาลูกที่สี่จะไปลูกที่ห้าป่าเริ่มเปลี่ยนจากป่าไผ่ เป็นชั้นหินที่สูงขึ้นไปซึ่งไม่มีทางเดินเดชบุญมีต้นไม้ใหญ่ยักษ์ประมาณหลายคนโอบล้มทิ่มลงมาข้างล่างเราก็ใช้ต้นไม้ต้นนั้นเป็นบันไดปีนป่ายขึ้นไปข้างบนในแนวดิ่งด้วยความยากลำบากเพราะพ้นจากต้นไม้ต้นนั้นผู้มีประเทศก็มีแต่หน้าผาเหลือเป็นสันเขาเล็กๆที่มีความสูงพันพ่นเมตรทาเอาขาสั่น ใครได้มองลงไปคงต้องอุทานว่าอู้หูขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยจากช้ามืดที่เริ่มออกเดินทางขึ้นไปถึงภูเขาลูกที่ห้าเวลานั้นก็รพลุเพลเแล้วรวมใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆเพราะเรารู้ว่าเป็นภูเขาลูกที่ห้าก็รีบถามว่าขันน้ําได้แล้วใช่ไหมขอน้ําหน่อยเราดื่มน้ําด้วยความกระหายอย่างมากมันชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกหายเหนื่อยบ้างแล้วก็ออกเดินต่อไปยังที่พัก ป่านี้ดูแปลกๆรู้สึกเดินไปไหนก็เหมือนมีใครจ้องมองอยู่คงจะไม่ดีแน่ถ้าหากว่ามืดซะก่อนป่าข้างบนนี้เป็นทัศนียภาพของป่าแปลกคือต้นสนเนี่ยมองเห็นว่าเป็นต้นไม้จากไม่กี่ต้นพอเดินลึกเข้าไปมากขึ้นก็จะเห็นแผ่นดินกว้างที่เป็นดงสนจริงๆ เมื่อถึงที่พักแล้วก็เลือกชัยภูมิที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติแล้วในแต่ละวันต่างคนก็ต่างนั่งภาวนากันไปเราก็ปลีกตัวไปภาวนาเดี่ยวต่างหากเรากางเต็น์ใต้ชะง่อนหินที่ยืนออกไปซึ่งก็พอที่จะอาศัยหลบแดดหลบฝนได้บ้างป่าข้างบนนี้อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายไม่มีเหงือ่อสวยงามมากแต่ในความสวยงามก็มีความน่ากลัว นอกจากความรู้สึกที่เหมือนกับมีคนจ้องมองตลอดเวลาเสียงลมที่นี่ก็น่ากลัวมากเสียงมันพัดหวีดวิวแหลมสูงบ่งบอกถึงอารมณ์ของูพูดผีหรือว่าวิญญาณต่างๆห่วยหวนได้ใจบอกไม่ถูกหากใครไม่ตั้งสติให้ดีก็ชวนขนหัวลุกอยู่ไม่ใช่น้อยชัยภูมิที่เรานั่งภาวนาในแต่ละวันก็มักจะเป็นริมหน้าผาสูงวิวสวยลมเย็น แต่ถ้าพลาดท่าตกลงไปเมื่อไรก็คงหาศพไม่เจอบ่ายวันหนึ่งเราเดินออกจากที่พักไปตัวเปล่าเพื่อหาสถานที่นั่งภาวนาผ่านหินก้อนหนึ่งที่ทรงแปลกกว่าหินก้อนอื่นๆมีรูปร่างคล้ายๆหมวกข่าวบอยสูงประมาณสามเมตรกว้างสองเมตรครึ่งถัดไปไม่ไกลก็มีหินก้อนย่อมขวาขนาดกว้างประมาณเก้าอี้สูงประมาณหน้าอกเหมาะแก่การภาวนา เราก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนก้อนหินก้อนนี้พื้นด้านบนไม่ได้เรียบมากมีความลาดเอียงไปทางหน้าผาที่ชันมากๆหากคนนั่งไม่ระวังก็มีสิทธิ์ไหลตกลงไปข้างล่างง่ายๆเราก็อาศัยไม้เท้าที่ติดตัวไปวางพาดไว้เพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการวางขาให้มากขึ้นอากาศวันนั้นร้อนแต่ว่าพอนั่งได้มองออกไปก็เห็นภูเขาหลายลูกสลับกันไกลสุดลูกหูลูกตา ใจก็คิดว่าโอ้นี่เราเดินมาไกลขนาดนี้เชียวเหรอสำหรับหลวงปู่พันธิตะธรรมโมวัดป่าสันติธรรมบ้านน้ำผูอํำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาชีวิตของท่านก็เป็นไปตามวิถีชาวโลกชาวบ้านซึ่งเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาใช้แรงกายทางานอาบเหงื่อต่างน้าเลี้ยงชีพ เมื่อเป็นเด็กได้บัพพชาเป็นสมณีนศึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาเหมือนกับเด็กหนุ่มทั่วไปครั้นอายุครบบวชก็เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามขนบประเพณีลาสิขาออกมาแล้วก็ครองคู่อยู่กินกับหญิงคนรักมีลูกสืบสกุลต่อไปตามปกติธรรมดาของมนุษย์โลกกระทั่งมาถึงจุดผันแปรของชีวิตเมื่อหญิงผู้เป็นเมีย เสียชีวิตจากไปก่อนวัยอันควรทิ้งลูกๆสามคนให้เลี้ยงดูต่อไปเพียงลําพังความตายคือการพลัดพรากที่น่าประวัตท่านพึงที่สุดอย่งความเศร้าโศกอะไรสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่พันขณะเป็นคารวาก็ตกอยู่ในภาวะดังกล่าวนี้ความเศร้าโศกอะไรถึงผู้เป็นภรรยานั้นมีมากมายสุดพรรณนา แต่การเวลาก็ช่วยผ่อนคลายความอาดูลให้บรรเทาเบาบางลงเรื่อยๆต่อมาเกิดไปนึกรักหญิงไม้คนหนึง่งหญิงไม้คนนี้เคยมีสามีเป็นข้าราชการแล้วย้ายมารับราชการอยู่ที่เมืองเลยต่อมาสามีเกิดเจ็บป่วยแล้วก็ถึงแก่ชีวิตเธอก็เลยตกอยู่ในฐานะเป็นแม่ไม้แล้วก็มีลูกติดหลวงปู่อัมพันขณะเป็นคาราวากั น, นึกรักแม่ไม้คนนี้จับจิตจับใจ แต่ไม่กล้าเอ่ยปากบอกรักเนื่องจากเกลียงตัวว่าตัวเองเป็นชาวนาต่ำต้อยอีกอย่างหนึง่งตนก็มีลูกไม่รู้ว่าลูกจะคิดยังไงถ้าหากจะมีเมียใหม่และเมียใหม่จะรังเกียจเดียดฉันลูกๆหรือเปล่าก็ไม่อาจจะรู้ได้ความคิดก็เลยสับสนโอมันอยู่คนเดียวประกอบกับผู้ใหญ่ได้ไปทาบทามผู้หญิงคนหนึ่งให้มาเป็นภรรยาแต่ว่าหลวงปู่พันในขณะนั้น ไม่ได้มีใจรักใจชอบหญิงคนที่ว่านั้นก็เลยเกิดความว้าวุ่นยุ่งเหยิงอยอยู่คนเดียวไม่อยากจะพบหน้าใครพูดคุยกับใครก็หนีผู้คนไปเลี้ยงควายที่กลางทุ่งนาแต่แล้วคืนหนึ่งก็เกิดเหตุร้ายเข้ามาซ้ำเติมขณะที่นอนเฝ้าควายอยู่ได้ยินเสียงลูกควายร้องหาแม่ถีถีก็ยังไม่คิดอะไรพอตอนดึกรู้สึกปวดปัสสาวะ ก็เลยลุกออกมามองไปที่คอกควายไม่เห็นแม่ควายอยู่ในอคอกแล้วเหลืออยู่แต่ลูกควายเดินพล่านร้องหาแม่ตัวเดียวรีบเข้าไปดูที่อคอกก็เห็นประตูอคอกเปิดอยู่ทั้งทั้งที่ตอนหัวค่ำตัวได้ปิดอย่างมั่นคงแข็งแรงด้วยมือตัวเองเมื่อประตูอคอกเปิดและควายหายไปจึงรู้ว่าโจนลักควายคงจะแอบย่องมาขโมยควายไปอย่างแน่นอนก็กลับเข้าไปคว้าดาบและจุดตะเกียงขึ้น จากนั้นก็ไปตามเพื่อนบ้านออกตามรอยขโมยที่พาควายหนีไปร่องรอยซึ่งตามไปไปสิ้นสุดที่ถนนใหญ่ก็เป็นอันแน่ใจว่าพวกลักควายพาควายมาแล้วบรรทุกรถยนต์หนีไปแล้วลองเสี่ยงไปดูที่โรงฆ่าสัตว์เผื่อว่าจะเจอควายของตัวบ้างแต่ก็มองหาไม่เห็นก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเวลานั้นเป็นเวลาดึกสงัด ขึ้นไปบนสถานีพบตำรวจสองนายนั่งหลับเวรอยู่พอปลุกขึ้นมาเพื่อแจ้งความบอกวายถูกขโมยลักไปแทนที่ตำรวจสองนายนั้นจะรีบลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวกลับบอกปัดส่ ง, สงไปว่าตอนกลางคืนไม่รับแจ้งความให้มาแจ้งความใหม่ตอนเช้าแล้วก็ไล่ให้หลวงปู่พันธ์ให้กลับบ้านไปเพื่อที่ตนจะได้นอนหลับต่อไปหลวงปู่พันธ์เวลานั้นมีความรู้สึกขับแค้นใจเป็นที่สุด ยิ่งมาเจอตำรวจซึ่งไม่ยอมทำหน้าที่พิทักษสันติราก็ยิ่งสะเทือนใจเป็นทวีคูณเออดูเอาเถอะราษฎรได้รับความทุกข์เนื่องจากสูญเสียสมบัติอันมีค่ายิ่งเมื่อมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนที่จะได้รับความสนใจแล้วก็ออกติดตามหาร่องรอยพวกมิจฉาชีพกลับเมือนเฉยไม่ยอมทำหน้าที่ให้สม เ, มเงินภาษีอกรของราษฎรที่จ่ายเป็นเงินเดือนเลี้ยงชีพเลย คืนนั้นหลวงปู่พันธ์กับเพื่อนบ้านก็จำต้องกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นได้กลับมาที่สถานีตำรวจใหม่เข้าแจ้งความเรื่องควายถูกขโมยแล้วก็เข้าพบผู้กากับให้เบาะแสร่องรอยของบุคคลที่น่าสงสัยว่าจะเป็นผู้แอบเข้ามาลักขโมยควายของตนแต่ผู้กากับก็ไม่สนใจใยดีไม่ดำเนินการสืบสวนหาตัวคนร้ายแต่อย่างใดหลวงปู่พันธ์เวลานั้นพอจะรู้เขาแล้วว่าใครเป็นคนขโมยควายของตัวไป ความโกรธแค้นความเจ็บช้ำน้ำใจก็รุมเร้าอยู่ในอกแทบจะไปฆ่าหัวขโมยคนนั้นด้วยมือตัวเองเพราะควายน่ะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวนาเป็นสัตว์มีคุณที่ช่วยทำนาหาเลี้ยงชีพเมื่อไม่มีควายแล้วก็เท่ากับหมดทางทำนาได้อีกจะซื้อควายตัวใหม่มาทดแทนก็มีราคาแพงต้องใช้เงินใช้ทองเป็นจำนวนมากมีคนมาเสนอว่า้าหากต้องการให้หัวขโมยตาย แค่จ่ายเงินมาแค่ห้าร้อยบาทจะมีคนอาสาไปยิงแทนทันทีเพราะหัวขโมยคนนี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านมานานแล้วหลวงปู่พันเวลานั้นอุดวิทจะตัดสินใจจ่ายค่าชีวิตของหัวขโมยให้ไปแล้วแต่มาฉุกคิดถึงบาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรมก็ทำให้เกิดสติขึ้นมาก็ระงับยับยั้งการแก้แค้นแก้คืนในครั้งนั้นลงได้แต่ในช่วงนั้นจิตใจว้าวุ่นเป็นทุกอย่างหนัก เพาว่ามีเรื่องราวอดดันบีบคั้นจิตใจอย่างรุนแรงสมรุมเร้าเข้ามาหลายเรื่องย้อนรำลึกนึกถึงเมื่อตอนภรยาตายจากแล้วนำศพไปเผาที่เชิงตะกอนในปา่าช้าเผาศพตอนเย็นตอนเช้าหลวงปู่พันธุ์ก็ไปดูที่เชิงตะกอนว่าศพเผาเรียบร้อยดีหรือไม่ไปถึงเชิงตะกอนเห็นแต่กองกระดูกของภรยาเหลืออยู่กองเดียวก็ทําให้เกิดปลงสังเวชขึ้นมาว่า คนเราตายไปแล้วก็เหลืออยู่เท่านี้ความโลภความโกรธความหลงซึ่งอัดแน่นอยู่ในตัวไม่มีอะไรเหลือให้เห็นสมบัติพัสถานมากมายเพียงไหนก็เอาติดตัวไปไม่ได้เมื่อย้อนคิดมาถึงความจริงข้อนี้ความร้อนรุ่มในอกก็ค่อยๆบรรเทาลงแต่กระนั้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในใจก็ยังสมอยู่หลวงปู่พันขณะเป็นคารวะเวลานั้นมองหาทางดับทุกข์หลายวิธี ในที่สุดก็คิดว่าทางสงบเย็นอันเป็นทางสายเอกไม่มีทางไหนจะเทียบเท่ากับการเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัดไตรรองโดยรอบครอบแล้วท่านก็เลยนำความตั้งใจไปถามลูกๆว่าพ่ออยากจะบวชสักพักหนึ่งพวกลูกๆจะว่าอย่างไรลูกทุกคนก็ไม่ขัดข้องมีความยินดีให้บวชท่านถามพ่อตาแม่ยายเรื่องการบวชว่าจะขัดข้องหรือไม่ พ่อตาแม่ยายต่างก็อนุโมธนาด้วยและยินดีจะช่วยดูแลลูกตัวเล็กๆให้หมดปัญหาเรื่องในครอบครัวแล้วท่านจึงไปที่วัดถ้ำผาปูขอฝากตัวถวายกับหลวงปู่คำดีประภาสูหลวงปู่คำดีท่านบอกว่าดีแล้วละมาถูกทางแล้วพระพุทธศาสนาจะได้มีพระดีๆเพิ่มขึ้นอีกถ้าสูเป็นต้นไม้ เฮาก็จะช่วยเติมใส่ปุ๋ยให้มันงอกงามหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วหลวงพ่อศีทนศรีละธนูได้อบรมภิกษุบวชใหม่ทั้งหลายว่าใครที่มีวิชาอาคมเวทมนต์คาถาวิชาศิยศาสตร์ให้ละทิ้งเสียให้เด็ดขาดใครที่สัตธานับถือเครื่องรางของขลังพวกเสือ้อยนันตะกรุดและของขลังอื่นๆจงถ่ายถอนความเชื่อความศรัทธาให้หมดสิน้น แล้วหันมายึดเหนี่ยวยึดถือพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวกราบไหว้บูชาเพียงสิ่งเดียวและให้ภาวนาพุทธโธชี้นำจิตเข้าสู่สัมมาสมาธิเท่านั้นพระภิกษุพันธ์เวลานั้นยังมีความดื้อรั้นและทิฐิมานะสูงอยู่รับฟังหลวงพ่อศีทนบอกให้ละทิ้งวิชาอาคมทั้งหมดก็ไม่เชื่อรับเอาแต่คาภาวนาพุทธโธไปปฏิบัติเท่านั้น เวลานั้นจิตใจของพระภิกษุพัน์ยังหน่วงเหนียวเกี่ยวพันกับทางโลกยากจะตัดขาดได้ทั้งอารมณ์รักใคร่ในผู้หญิงไม้คนนั้นก็ล้ำลึกทั้งอารมณ์โกรธแค้นหัวขโมยที่ลักวายของตนไปจิตใจก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายตลอดเวลาคิดหาทางระงับความอลมานในใจตนด้วยการภาวนาแล้วก็เดินจงกรมอย่างหนักและลงมือปฏิบัติตามที่ตั้งใจเอาไว้จริตนิสัยของพระภิกษุพัน์ เป็นคนทำจริงเอาจริงเมื่อมุ่งมั่นจะทำสิ่งใดก็มุมานะกระทำอย่างยอมตายถวายชีวิตนับแต่นั้นพระภิกษุพัน์ก็เร่งกระทำความเพียรอย่างหนักนั่งภาวนาสลับกับเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนอารมณ์พุ่งสร้างก็ค่อยๆหดตัวน้อยลงเรื่อยๆจิตเริ่มรวมเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ยิ่งเร่งความเพียรเป็นทวีคูณทำให้รู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็น เป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งรู้แล้วเห็นแล้วแทนที่จะเก็บเงียบแล้วก็นํามาพิจารณาด้วยปัญญากลับนําไปบอกกล่าวเล่าให้เพื่อนภิกษุบวชใหม่ด้วยกันพังทําให้พระบวชใหม่เลื่อมใสศรัทธาพากันยกย่องนับถือพระภิกษุพันธ์เป็นจํานวนมากกระทั่งเรื่องนี้รู้เข้าหูหลวงปูค่คําดีวันหนึ่งระหว่างมีการประชุมสงฆ์หลวงปู่คําดีได้นําเรื่องนี้มาว่ากล่าวตักเตือน แทนที่ภิกษุพันจะน้อมรับฟังกลับเกิดทิฐิในความเชื่อของตนลุกขึ้นโตเถียงโดยไม่ลดละประนึ็ไม่เชื่อฟังคำสอนของครูบาอาจารย์หลงปูคำดีถึงกับยืนขึ้นชี้หน้าพร้อมก่ากล่าวว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วนะถึงกับไม่เชื่อไม่ฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หากเป็นแบบนี้จะเป็นบ้าวิ ป, ป ร, รารไปง่ายๆนะแล้ว มันจะรักษาให้คืนเป็นปกติลำบากเสียแล้วภิกษุพันได้ยินหลวงปู่คำดีพูดอย่างนั้นก็เกิดสติเงียบเสียงเงียบคำทันทีปัญญาความคิดผุดขึ้นมาทบทวนเปรียบเทียบถึงการทำไร่ทำนาจักตอกลอกปอยังจะต้องมีคนสั่งสอนแต่นี่เป็นการฝึกจิตซึ่งลำบากยากลำบากยิ่งกว่านับพันเท่าหมื่นเท่าจาเป็นจะต้องเชื่อถือคาสอนของครูบาอาจารย์ นับแต่นั้นพิสุพันธ์ก็น้อมรับคําสอนของครูอาจารย์โดยดีเมื่อเกิดสัมมาทิฐิในความคิดและจิตใจอ่อนโยนน้อมรับคําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ประกอบกับรับฟังจากหลวงปู่คําดีมาว่าหากบําเพ็ญธรรมกระทําความเพียรอย่างจรงิงจังความอัศจรย์จะบังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติหากทําเหลาะและไม่เอาจรงิงก็จะไม่รู้เห็นอะไรภิกษุพันธ์จึงทุ่มเทให้แก่การปฏิบัติยิ่งกว่าเดิม ฉันน้อยนอนน้อยใช้เวลาทั้งหมดในแต่ละวันให้หมดไปด้วยการนั่งภาวนาและเดินจงกรมโดยไม่เห็นแกนเน็ตจะเหนื่อยจิตรวมเป็นสมาธิลึกเข้าไปเรื่อยๆจิตสงบอยู่ในสมาธิได้นานเท่าที่ต้องการปัญญาก็เกิดเป็นอัศจรรย์ข้ออัดข้อธรรมซึ่งไม่เคยรู้ก็ผุดขึ้นมาให้เข้าใจอย่างต่อเนื่องพิจารณาย้อนหลังไปสู่อดีตและมองไปข้างหน้าสู่อนาคตก็รู้เห็นได้ หลวงปู่พันธ์เล่าว่าความอัศจรรย์ครั้งแรกเกิดขึ้นขณะเดินจงกรมอยู่ท่นานใดนั้นก็เกิดภาพไปเห็นเหมือนกับกำลังดูหนังภาพแรกเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงเคลื่อนไหวได้สร้างความแปลกใจให้แก่พระบวชใหม่เหลือจะกล่าวนอกจากนั้นยังเห็นบุคคลหลายคนมาปรากฏเบื้องหน้าครั้นพอเดินเข้าไปใกล้ภาพเหล่านั้นก็วิ่งหายเข้ามาในตัวของท่าน หลวงปู่พันธ์หรือว่าภิกษุพันธ์ในขณะนั้นได้นําประสบการณ์ในขณะทําความเพียรมากราบเรียนถวายหลวงปูค่คาดีหลวงปู่คาดีก็อธิบายสั้นๆบอกว่ามันออกมาจากจิตของเราแล้วก็กลับเข้าไปที่จิตของเราภิกษุพันธ์ระหนักถึงอนุภาพแห่งจิตว่ามีความลึกล้ําและมีขอบเขตอันไพศาลยิ่งนักสิ่งเดียวที่จะควบคุมจิตให้ทรงอยู่ในปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือสติ ดังนั้นภิกษุพันธ์ก็จริญสมาธิโดยตั้งอยู่ในสติทุกขณะจิตการบำเพ็ญความเพียรในเวลาต่อมาภิกษุพันธ์รับรู้ข้อธรรมละเอียดลึกซึ้งเป็นทวีคูณยิ่งพิจารณายิ่งรู้เท่าทันตามความเป็นจริงทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในวิถีทางโลกเป็นอย่างยิ่งวิชาอาคมซึ่งเคยเล่าเรียนมาละทิ้งไม่สนใจใยดีอีกต่อไป ตั้งใจแน่วแน่ในการทำความเพียรเพื่อการหลุดพ้นเพียงประการเดียวที่ตั้งใจว่าจะบวชเพื่อสงบจิตสงบใจชั่วระยะเวลาหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นความตั้งใจที่จะบวชไม่สึกยอมตายถวายชีวิตอยู่ในร่มกาสาวพัดตราบลมหายใจสุดท้ายจากนั้นภิกษุพันหรือว่าหลวงปู่พันธิตะธรรมโมก็ออกจาฤทธุดงมุ่งหน้าสู่ป่าเขาแนวไพรเพื่อบําเพ็ญความเพียรเพียงลาพัง มุ่งหวังข้ามห่วงแห่งโอคะในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่ก่อนนี้สาเหตุที่ท่านเชื่อความขลังของเรื่องวิทยาคุณก็มีที่มาตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งยังเป็นเด็กและบวชเป็นสามนเณรอยู่ที่วัดบ้านนาโคกแต่ว่าทุกวันจะต้องเดินมาเรียนเขียนอ่านที่วัดศรีจันทร์บ้านนาอ้อโดยมีครูบามูลเป็นครูอาจารย์ครูบามูลท่านนี้มีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่เมืองทุ่งจังหวัดลานช้างประเทศลาว ต่อมาครูบามูลมีอาการอาภาษตัวเหลืองตาเหลืองเล็บเหลืองมือเท้าบวมสมัยนั้นเรียกว่าเป็นโรคเน็บชาบวมซึ่งอาการดังกล่าวน่าจะเป็นโรคไตโรคตับหรือว่าดีซันในสมัยปัจจุบันในห่วงเวลานั้นเป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองความอัตคัดขาดแคลนแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ครูบามูลมีความต้องการเดินทางกลับไปบ้านเกิดของท่านที่เมืองทุ่ง ซึ่งการเดินทางสมัยนั้นต้องใช้การเดินด้วยเท้าอย่างเดียวหากจะมีพาหนะก็มีแต่เกวียนเทียมวัวเท่านั้นเนื่องจากครูบามูลกําลังอาพาธและต้องใช้เวลาเดินกว่าจะถึงเมืองทุ่งเป็นเวลาประมาณเจ็ดวันครูบามูลจึงชวนสมมเนนพันไปเป็นเพื่อนสมมเนนพันต้องการทดแทนพระคุณของครูอาจารย์ก็ตอบตกลงทันทีอีกประการหนึ่งสมมเนนพันต้องการไปพบกับหลวงปู่ยาขูน้อยซึ่งเป็นญาติ ทางฝ่ายบิดาเพราะว่าหลวงปูย่ยาคูน้อยท่านนี้เป็นที่ร่ําลือว่าท่านเป็นพระผู้มีฤทธิ์วิชาอาคมแก่กล้าอยู่ยงคงกระพันเดินบนน้ําดําดินหายตัวได้ซึ่งในสมัยนั้นวิชาอาคมเหล่านี้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนในแถบถิ่นชนบทเป็นอย่างมากสมณเณรพันธ์ก็ตั้งใจจะไปขอเล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์เหล่านี้ด้วยหลวงปู่ยาคูน้อยมีวิชาขลังถึงกับทางการเคยนิมนต์ท่านเข้ากรุงเทพ เพื่อปลุกเสกเสื้อยันสีแดงและผ้ารองหมวกแจกให้แก่ทหารตำรวจขณะสงครามโลกครั้งที่สองดำเนินอยู่การเดินทางไปยังเมืองทุ่งก็เริ่มต้นสามเณรพันต้องรับภาระแบกบริขารน้องต้นและของครูบามูลไปด้วยทั้งยังต้องดูแลเรื่องยากินของครูบามูลตลอดเวลายารักษาโรคสาหรับครูบามูลก็คือไม้สะแขยยอดขาวและก็ไม้อ้อยช้าง ถากเอากระพี2สองสามชิ้นมาแช่น้ำใช้ดื่มถ้ายาจางลงก็ต้องเอาตัวยาใหม่ลงไปแช่เส้นทางในการเดินทางอาศัยทางเขวยนและทางเดินของชาวบ้านซึ่งใช้สัญจรติดต่อกันบางครั้งก็ต้องลัดเลาะตัดเข้าป่าดงไต่เขาลงห้วยตลอดทางกลางคืนก็ปักกรดท่ามกลางความเปลี่ยวเช้าวันรุ่งขึ้นถ้าพบหมู่บ้านก็ได้บินทบาทมีอาหารขบฉัน ถ้าไม่พบหมู่บ้านหรือว่าที่พักอาศัยของผู้คนก็จาเป็นที่จะต้องอดไปทั้งวันน่าแปลกที่อาการอาพาธของครูบามูลกลับทุเลาลงอย่างรวดเร็วยังไปไม่ถึงเมืองทุ่งอาการเจ็บป่วยของครูบามูลก็หายเป็นปกติ เมื่อเดินทางไปถึงเมืองทุ่งปรากฏว่าหลวงปู่อยากครูน้อยไม่อยู่ที่นั่นเนื่องจากชาวบ้านม่วงมานิมนต์ท่านไปโปรดแล้วก็ไปจําวัดที่วัดบ้านม่วงโดยไม่มีกําหนดเวลากลับสามเณรทันจึงขอแยกทางกับครูบามูลเพื่อติดตามไปพบหลวงปู่อยากครูน้อยที่บ้านม่วงออกเดินทางจากเมืองทุ่งตั้งแต่เช้าตรู่มีชาวบ้านสองสาคนไปส่ง ชาวบ้านบอกเนนให้เร่งฝีเท้าเพื่อจะได้ไปให้ถึงบ้านม่วงก่อนจะมืดค่ําเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินจ้ำอย่างเร็วสามเณรพันถามว่าทำไมต้องรีบร้อนปานนั้นชาวบ้านที่มาส่งก็ไม่ตอบคงเร่งฝีเท้าไม่ได้หยุดเนนยังเป็นเด็กก็ถึงก็วิ่งบ้างเดินบ้างตามไปติดๆใช้เวลาเดินโดยไม่หยุดพักทั้งวันก็มาถึงบ้านม่วงในตอนเย็นความผิดปกติสิ่งแรกที่สามเณรพันเห็นเมื่อถึงบ้านม่วงก็คือ มีได้สายสินวนไว้รอบหมู่บ้านชาวบ้านนําเนนไปพบหลวงปู่ยาคูน้อยที่วัดบ้านม่วงสามเณรพันก็กราบเรียนให้ท่านทราบว่าตนเองเป็นลูกเต้าเหล่าใครมีความสัมพันธ์ทางญาติกับท่านทางไหนหลวงปู่ยาคูน้อยมีความยินดีที่ได้พบเนนหลานบอกให้ไปสงน้ําแล้วก็พักผ่อนที่กุฏิใกล้ๆกับกุฏิของท่านสามเณรพันสงวน้ำเสร็จก็หาที่จําวัดทันทีเพราะว่าเดินทางเหน็ดเหนื่อยมาตลอดวัน นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียกละทั่งดึกสงัดจึงสะดุ้งตื่นเนื่องจากได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากนอกหมู่บ้านเสียงนั้นเป็นเสียงกรีร้องหวยหวนเย็นเยือกจนขนลุกเสียงดังกล่าวดังมาจากนอกเขตหมู่บ้านวนเวียนอยู่รอบรอบหมู่บ้านบางครั้งเสียงนั้นก็ดังห่างออกไปคล้ายกับเจ้าของเสียงกำลังบ่ายหน้าขึ้นภูเขาอีกสักครู่เสียงหวยหวนก็กลับดังใกล้เข้ามาอีกแสดงว่าเจ้าของเสียงลงจากภูเขา แล้วก็มาวนเวียนอยู่รอบรอบหมู่บ้านสามเณรพันนอนฟังเสียงประหลาดนั้นด้วยความรู้สึกขนพองสยองกล้าวแต่ยังอุ่นใจที่มองไปที่กุฏิของหลวงปู่ยาขูน้อยก็เห็นมีแสงสว่างวับแวมอยู่ไม่รู้ว่าท่านจุดเทียนไว้และนั่งบริกรรมทั้งคืนหรือไม่กระนั้นก็ทําให้ผ่อนคลายความหวาดกลัวลงไปได้ตราบจนใกล้สว่างเสียงกรีร้องหวยหวนจึงเงียบหายไป เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านม่วงได้นำพระตาหารมาถวายหลวงปู่ยาขูน้อยสมณเณรพันรับฟังชาวบ้านพูดกันถึงเรื่องกรีดร้องเมื่อคืนที่ผ่านมาจับความได้ว่าเป็นเสียงร้องของผีที่เป็นเจ้าบ้านซึ่งชาวบ้านนับถือมากเจ้าบ้านคนนี้เล่าเรียนวิชาอาคมจนแก่กล้าแต่น่าจะทำผิดข้อห้ามของครูหรือว่าไม่สามารถควบคุมอนุภาพอาถรรพ์ของวิชาอาคมเอาไว้ได้ก็เลยกลายเป็นผีปอบ มาเข้าสิงกินชาวบ้านตายไปมากมายหลายคนชาวบ้านจึงนิมนต์หลวงปู่ยาขู่น้อยมากำราบปราบปอบไม่ให้รังควานทำอันตรายชาวบ้านความลึกลับของพูดผีวิญญาณที่แสดงให้สัมมาเนนพันได้ประสบพบเห็นด้วยตัวเองที่ว่านี้ได้ตอกย้ำความเชื่อในอำนาจเร้นลับของพูดผีว่ามีจริงๆซึ่งความเชื่อเช่นนี้ได้แผ่ขยายไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นชนบทห่างไกล เป็นพื้นฐานทําให้เกิดความนับถือผีอย่างมั่นคงโดยทั่วไปกระทั่งกลายเป็นลัทธินับถือผีราษฎรชาวบ้านในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัยนั้นก็เลยนับถือผีกันทั้งภาคทําทให้เกิดพิธีกรรมบวงสรวงสังเวยผีเพื่อให้ผีพอใจอกลายเป็นว่าผู้คนภาคอีสานยุคสมัยก่อนผีก็นับถือพุทธก็นับถือหลงงมงายไปกับความเชื่อดังกล่าวเป็นเวลานานแสนานานมาแล้ว ามาจนกระทั่งถึงสมัยของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้ส่งลูกศิษย์ของท่านออกไปเผยแผ่อบรมชาวบ้านให้ละทิ้งความเชื่อผิดๆ ด, ดังกล่าวแล้วหันมายึดมั่นนับถือพระรัตนตรายเป็นสรณะอย่างเดียวทําให้ความเชื่อและความนับถือผีของชาวอีสานค่อยๆสลายหายไปสําหรับความเชื่อเรื่องความขลังของวิชาอาคมซึ่งหลวงปู่พันธุ์ครั้งยังเป็นหนุ่มชักันก็ยังยึดมั่นนับถือเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ก่อนจะละทิ้งละวางจนสำเร็จเด็ดขาดหลังจากใช้ปัญญาพิจารณากระทั magical, ่งรู <osas> ้เห็นตามความเป็นจริงของแก่นแท้แก่นธรรมความเชื่อดังกล่าวอาจจะเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นอนุภาพความขลังของวิชาอาคมด้วยตัวเองก็เป็นได้เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นตอนที่อยู่กับหลวงปู่ยาขูน้อยที่วัดบ้านม่วงช่วงนั้นเรื่องผีปอบสงบเงียบลงไปแล้วสามเณรพันซึ่งเป็นเนนเด็ก ก็เที่ยวเล่นไปทั่วบริเวณวัดวันหนึ่งเดินไปใกล้สลาเห็นตาพระขาวสูงอายุกับเนนซึ่งอยู่วัดบ้านม่วงชื่อเนนทีนั่งพูดคุยกันจับความได้ว่ากำลังจะถ่ายทอดวิชาขลังบางอย่างให้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นสามเณรทันก็มุดลอดเข้าไปอยู่ที่ใต้ถุนสลามองลอดรอยแยกของพื้นกระดานขึ้นไปก็เห็นเนนทีนาขันดอกไม้ธูปเทียนมาขึ้นครู ขอวิชากับตาพักขาวตาพักขาวรับขันดอกไม้ทูปเทียนแล้วก็บอกคถาให้เนนทีท่องจําจนขึ้นใจเมื่อเนนทีท่องคาถาได้คล่องแคล่วก็สั่งให้เนนทีถลกจีวรและอังศาออกจากหลังหยิบดาบคมกริบขึ้นมาเงื้อขึ้นสุดแขนก่อนที่จะกระหน่ำฟันลงไปที่กลางหลังเนนทีสามครั้งปรากฏว่าคมดาบไม่ระคายผิวเนนทีแม้แต่น้อย ความขลังของคถาบทที่ว่าทําให้เนนทีคงกระพันหนังเหนียวเป็นอัศจรรย์สามเนรพันซึ่งแอบอยู่ใต้ถุนศาลาก็สามารถท่องจำคาถาบทนั้นได้เช่นกันรู้สึกดีใจที่ได้วิชาขลังอย่างบังเอิญเมื่อตาพัดขาวและเนนทีลงจากศาลาไปแล้วสามเนรพันก็ออกจากใต้ถุนศาลารีบกลับคุติเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาปฏิบัติหลวงปู่ยาขูน้อยตามปกติ เมื่อมาถึงกุติเกิดมีอาการไม่สบายอย่างรุนแรงเนื้อตัวสั่นสะท้านด้วยความหนาวซึ่งจูจ่ๆก็เกิดขึ้นเนื้อตัวประหนึ่งกล้ามเนื้อจะแตกแยกปริกออกเป็นชิ้นๆศีรษะปวดร้าวแทบจะแตกเป็นเสียงๆหลวงปู่ยาคูน้อยรอให้สามเณรพันมาต้มน้ำร้อนให้แต่ว่าไม่เห็นหน้ากระทั่งล่วงเข้ายามเย็นท่านก็เลยไปตามที่กุติที่เนนหลานพักอยู่ เข้าไปในกุฏิก็เห็นสัมมาเนรพันนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสท่านพิจารณาแล้วก็รู้ว่าคงแอบไปเล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์มาโดยไม่ถูกต้องก็เลยทำน้ำมนต์ถอนอาถรรพ์ให้หลังจากสัมมาเนพันดื่มน้ำมนต์และได้รับการรดน้ำมนต์ชั่วครู่หนึ่งอาการเจ็บปวดทรมานก็ค่อยๆหายไปเมื่อสัมมเนนพันหายเป็นปกติดีแล้วท่านก็สอบถามว่าไปทำอะไรมา เนนก็เล่าเรื่องซึ่งไปแอบจดจำคาถาคงกระพันหนังเหนียวที่ตาพระขาวสอนให้เนนทีโดยไม่ได้รับอนุญาตหลวงปู่ยาคูทราบเรื่องอย่างนั้นก็สอนให้สมณะเนนพันจดจำไหมว่าวิชาวิทยาคุณซึ่งเกี่ยวเนื่องกับศิลศาสตร์อันมีเวทมนต์คาถาเป็นแกนสําคัญเนี่ยจําเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาสนให้โดยตรงจะลักลอบเล่าเรียนด้วยตัวเองไม่ได้เพราะวิชาเหล่านี้มีอาถรรพ์ลึกลับํากับอยู่ หากไม่ได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกวิธีจะเกิดอันตรายแก่ตัวเองได้บางคนถึงกับเสียสติกลายเป็นคนวิกลจริตบ้าๆบอๆไปก็มีอีกประการหนึ่งวิชาอาคมของแต่ละอาจารย์ย่อมมีข้อห้ามข้อปฏิบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปหากรับวิชาโดยไม่ถูกต้องก็จะเกิดอันตรายแก่ตัวเองได้เช่นเดียวกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสัมมเนตรพันธ์ก็เข็ดหลับในเรื่องแสวงหาความรู้ทางวิชาอาคมที่ไม่ถูกต้อง เห็นใครท่องบนเวทมนต์คาถาหรือว่าได้รับการถ่ายทอดจากผู้มีวิชาความรู้ก็จะหลีกเลี่ยงไปไกลๆสมณเณรพันได้รับการถ่ายทอดคาถาอาคมจากหลวงปู่ยาขูน้อยเพียงองค์เดียวการฝึกวิชาอาคมก็คือการฝึกสมาธิทางหนึง่งแต่ว่าเนนพันยังเด็กอยู่เวลานั้นก็เลยไม่สามารถบรรดาลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังได้ดังใจนึกระหว่างที่อยู่กับหลวงปู่ ยากขู่น้อยก็เกิดคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่พี่น้องก็รบร้าอยากจะกลับแต่ว่าหลวงปู่อยากขูน้อยก็ยังไม่พ่ากลับเสียีวันหนึ่งมีชาวบ้านจากเมืองป่าสี่คนเดินทางมาพบหลวงปู่อยากขูน้อยมีสิบตรีจันทร์เป็นหัวหน้าหลังจากกราบนำ้ำมการท่านแล้วสิบตรีจันทร์ได้บอกจุดประสงค์ที่มาพบท่านว่าต้องการอาราธนาหลวงปู่อยากขูน้อยไปที่เมืองป่า เพื่อช่วยเมตตาสงเคราะห์ช่วยชาเมืองป่าสักครั้งเนื่องจากที่เมืองป่าเกิดเหตุการณ์น่าหวาดหวัน่นท่านพึง่งมีคนตายโดยไร้สาเหตุวันละสองสาคนไม่เว้นแต่ละวันพวกตนมองไม่เห็นใครอีกแล้วที่จะช่วยปัดเป่าผ่อนคลายเหตุลึกลับครั้งนี้หลวงปู่ยาคูน้อยรับฟังแล้วแต่ก็นิ่งเฉยไม่รับปากรับนิมนต์แต่อย่างใดสิบตรีจันทร์และพวกก็ไม่อถอย เมื่อหลวงปู่ยากูน้อยไม่ช่วยเหลือพวกเขาก็ไม่ยอมกลับเหมือนกันอาศัยพักหลับนอนที่วัดและอ้อนวอนขอร้องท่านทุกวันกระทั่งหลวงปู่ยากูน้อยใจอ่อนยอมตกลงไปที่เมืองป่าตามคํานิมนต์การเดินทางไปเมืองป่าครั้งนี้หลวงปู่ยากูน้อยพาสมเณีพันไปด้วยเส้นทางที่ไปต้องเดินด้วยเท้าตลอดทางผ่านป่าใหญ่ป่าลึกซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยน้อยมาก บางช่วงเป็นป่าดงดิบไม่มีคนอยู่เลยมีแต่สัตว์ป่านาน า, นาชนิดชุกชุมทั้งภูมิประเทศก็เป็นป่าร้อนชื้นอุดมไปด้วยทากแม้จะใช้ยาฉุนผสมน้ำทาขาป้องกันก็ไม่วายถูกทากโดดเกาะดูดเลือดจนได้คืนแรกของการเดินทางคณะของหลวงปู่ยาคูนน้อยไปพักที่วัดบ้านท่าบ่อท่านาคืนนั้นสิบตรีจันได้นั่งสนทนากับหลวงปู่ยาคูน้อย และเล่าถึงผีเจ้าบ้านเมืองป่าว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เป็นอัศจรรย์มากหากใครทำผิดผีหรือทำให้ผีไม่พอใจจะมาแสดงตัวให้ปรากฏเห็นกันจะจะเช่นเป็นเสือใหญ่เดินวนเวียนไปมาเมื่อจุดเทียนขอขมาลาโทษเสือที่เห็นก็จะหายไปกลายเป็นตอไม้พุ่มไม้ดังเดิมชาวเมืองป่าจะทำไร้ไถนาแค่สามวันในหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นพอวันที่สี่ก็หยุดกิจกรรมต่าง พวกผู้ชายต้องเข้าป่าหาล่าสัตว์ขนาดใหญ่พวกหมูป่าหรือกวางเอามาให้ได้เนื้อสัตว์ส่วนหนึ่งจะนําไปเส้นสังเวยผีเจ้าบ้านที่สลาเนื้อส่วนที่เหลือเอามาแบ่งกันกินในหมู่พวกชาวเมืองป่าทําอย่างนี้มานานแล้วเพื่อให้ผีพอใจสิตรีจันทร์สนทนากับหลวงปู่ยากูน้อยพักหนึ่งก็แยกไปนอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันจังหันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอีก เส้นทางช่วงนี้ตัดผ่านป่าดงดิบที่เปลี่ยวมากไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยของผู้คนปรากฏให้เห็นป่าบริเวณนี้เป็นป่าโบราณต้นไม้แต่ละต้นสูงลิ่วและมีขนาดใหญ่แผ่กิ่งใบก่กันหนาแน่นกระทั่งแงนมมองขึ้นไปไม่เห็นแสงตะวันทำให้พื้นที่ด้านล่างมืดสลัวน่ากลัวอย่างยิ่งได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องระงมไปทั่วสแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีสัตว์ป่าชุกชุม พ้นป่าดิบป่ามืดออกไปก็พบเขาสามลูกมีลักษณะเหมือนเขาหัวโลนไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เลยนอกจากดงหญ้าเพชรปกคลุมทั้งเขาผ่านภูเขาประหลาดนี้แล้วยังต้องไปอีกไกลจนเป็นเวลาพบค่ำถึงได้ถึงวัดเมืองป่าซึ่งเป็นวัดร้างไม่มีภิกษุสามเณรจำพรรษาสภาพของวัดยังไม่ถึงกับชำรุดทุดโทมกระทั่งอยู่อาศัยไม่ได้เข้าไปในวัด ก็ได้กลิ่นเนื้อเน่ า, าคละคลุ้งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าวมาจากเนื้อเน่าเก่าใหม่ซึ่งแขวนไว้เป็นราวบนสลาเนื้อสัตว์เหล่านี้คือเนื้อที่ชาวบ้านนำมาเส้นสังเวยผีนั่นเองสามเณรพันต้องนำเนื้อเน่าเหล่านั้นไปขุดหลุมฝังจนหมดปัดกวาดทำความสะอาดกุฏิเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับหลวงปู่ยาคูน้อยกับตนในคืนนั้นกว่าจะแล้วเสร็จก็มืดค่ำพอดีสิปรีจัน์กับพวก กลับลาหลวงปู่ยาคูน้อยกลับบ้านเรือนของตนที่วัดร้างก็เลยมีแค่หลวงปู่กับสามเณรพันพักอยู่เท่านั้นขณะสามเณรพันกําลังจะสงน้ําเห็นชาวบ้านหมู่หนึ่งหามศพคนตายผ่านมาศพถูกคอใส่ฟากคือเอาไม้ไผ่มาสับแผ่ออกไปแล้วใช้ห่อศพผู้ตายชาวบ้านกลุ่มนั้นใช้คบใบทาจากไม้ไผ่แห้งมามัดรวมกันสองทางตอนแรกสามเณรพันไม่รู้ว่าเป็นศพ ถามชาวบ้านกลุ่มนั้นว่าหามอะไรมาเหรอชาวบ้านก็บอกว่าเป็นศพผู้ตายเพิ่งจะเสียชีวิตจะเอาไปฝังที่ป่าชาหัววัดแล้วก็ย้อนถามสัมเนรพันธ์ว่ามากับใครสัมมเนรพันธ์บอกว่ามากับหลวงปู่ยาขู่น้อยชาวบ้านกลุ่มนั้นก็แสดงความดีใจกล่าวว่าคราวนี้ยผีจะได้กราบไหวบูชาพระบ้างจากคําพูดของชาวบ้านทําให้สัมมเนรพันธ์เก็บเอามาคิดว่าผีซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องเคารพพระสงฆ์ด้วยหรือเพราะฉะนั้นจะว่าผีเป็นใหญ่ที่สุดก็คงไม่ได้เช้า ว, วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันสงกรานต์ชาวเมืองป่ายกขบวนแห่แหนกันมาที่วัดแต่เชา้ามีคลองกลองและแคนบัลเลียงมาอย่างคึกครื้นสนุกสนานสมมเณรพัน ถามสิตรีจัน์ซึ่งมาหาหลวงปู่ยาคูน้อยแต่เช้าว่าชาวบ้านเขาเฉลิมฉลองอะไรกันก็ได้รับคำอธิบายว่าวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านจัดพิธีเส้นไหว้ผีประจำปีปีเนี้ผีเจ้าบ้านมาเข้าทรงบอกว่าจะกินตัวอ้นโดยกำหนดให้ชาวบ้านสี่ครอบครัวหาอ้นมาให้หนึ่งตัวคือตัวอ้นในมีลักษณะคล้ายๆตัวตุนแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าพวกชาวบ้านก็เลยไปสาหาตัวอ้นมาตามคาสั่งของผี อ้นเหล่านั้นยังเป็นเป็นอยู่เมื่อชาวบ้านนําตัวอ้นมารวมกันที่ข้างสลาก็ก่อไฟต้มน้ําร้อนแล้วก็ข้าวอ้นทีละตัวจนหมดทุกตัวเอาไปลวกน้ําร้อนเพื่อจะขูดขนออกจากนั้นก็นําไปปรุงเป็นอาหารต่างๆถวายเป็นเครื่องเส้นแกผ่ผีพวกที่ปรุงอ้นเป็นอาหารก็ทําไปพวกที่บรรเลงคล้องกลองเป่าแคนก็สนุกสนานกันไปมีการนําสุราหมักเองมาแจกจ่ายแบ่งกันกินเป็นที่รื่นเรืิง สำหรับวันนี้ชาวบ้านพากันหยุดงานไม่ทำกิจกรรมอะไรทั้งหมดแล้วก็จะหยุดติดต่อกันไปอีกหลายวันเพื่อให้ผีพอใจต่อจากนั้นอีกไม่นานก็มีขบวนฟ้อนของหญิงสาวเข้ามาในลานวัดเป็นขบวนใหญ่ผู้หญิงก็ม้วนมวยผมใช้ไม้ไผ่เหลาเสียบตรึงเอาไว้แล้วใช้ผ้าแดงหุ้มมวยผมมีพวกร่างทรงของผีรำดาบรำเงี้ยวตามมาเป็นกลุ่ม ร่างทรงแต่ละคนมีกิริยาแปลกๆทำตาเหลือกรอกไปกรอกมากระโดดโลดเต้นกระทืบพื้นดินมาตลอดทางร่างทรงเหล่านั้นเรียกสุราเมรยัยดื่มเข้าไปมากมายแต่หน้าแปลกที่ไม่เมามายแม้แต่น้อยร่างทรงบางคนเหยียบคมดาบแสดงฤทธิ์บางคนเคี้ยวแก้วกลุ้มกลุ้มร่างทรงหัวหน้าผีตัวสันสะท้านกระทืบดินผางผางประกาศกล้องพวกเจ้าเห็นฤทธิเดชกูหรือยัง พวกเจ้าทำให้กูโกรธกูไม่พอใจจึงได้เอาพวกมึงไปเมืองผีวันละคนสองคนงานฉลองเส้นสังเวยผีกระทำติดต่อกันนานถึงสามวันสาคืนชาวบ้านไม่ทำงานทำการอะไรกินกันแต่เหล้ารื่นเริงกันทั่วหน้าเป็นความงมงายต่อความเชื่อพูดผีปีศาจซึ่งสืบทอดต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนครบสามวันหลวงปู่ยาคูน้อยก็สั่งให้สร้างปรมขึ้นกลางวัด แล้วก็ให้เอากรวดทรายได้สายศิล์และถังใส่น้ำไปวางไว้จากนั้นท่านก็ทำพิธีสวดพระคาถาบทมงคลละสูตรแล้วให้โยงได้สายศิล์ไปรอบรอบหมู่บ้านเอากรวดทรายหวานสัต์ไปทุกบ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านมารดน้ำมนต์กันจนครบทุกคนตั้งแต่นั้นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มีคนตายวันละคนสองคนก็หายไป แต่หลวงปู่ยาคูน้อยก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนความเชื่อเรื่องนับถือผีของชาวบ้านให้หายไปได้ชาวบ้านก็ยังคงทำงานสามวันหยุดสี่วันเหมือนเดิมหลวงปู่ยาคูน้อยจำพรรษาอยู่วัดร้างแห่งนั้นหนึ่งพรรษาออกพรรษาแล้วท่านก็พาสามเณรพันเดินทางกลับจังหวัดเลยประสบการณ์เรื่องผีของหลวงปู่พันเมื่อครั้งที่ยังครองเพศคารนี่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน ที่นำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาแสดงไว้ก็เพื่อยืนยันให้เห็นว่าในโลกนี้ยังมีเรื่องราวของปรากฏการณ์ที่เร้นลับแล้วก็นอกเหตุเหนือผลอย่างแท้จริงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยากที่จะหาคําตอบในทางวิทยาศาสตร์อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนหากนําเอาทางธรรมมาเป็นคําตอบก็คงกล่าวได้ว่าเป็นกรรมของแต่ละบุคคลเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือเหตุการณ์ตอนหลวงปู่พันธุ์ขณะที่เป็นคาวนรวาะเนี่ยเผชิญกับผีโพง ผีพงเป็นผีที่เล่าขานกันในท้องถิ่นชนบททางภาคเหนือและภาคอีสานของไทยและพบเห็นบ่อยครั้งในฤดูฝนว่ากันว่าผีพงเป็นคนธรรมดานี่เองที่เป็นผีพงเนื่องจากบุคคลนั้นมีว่านอันร้ายแรงไว้ในครอบครองแล้วถูกอาถรรพ์ของว่านในครอบงำกระทั่งกลายเป็นผีพงเวลาฝนตกพรำพรำผีพงจะออกหาของสดของข้าวกินเช่นหากบเขียดตามหนองบึงจับกบจับเขียดมาได้ ก็จะดูดรูดเอาแต่เมื่อกขาวกินแล้วก็ทิ้งไปเวลาผีโพงออกหากินจะมีแสงเรืองๆืองสว่างที่จะหมูกเป็นดวงโตขนาดส้มเกลี้ยงหรือว่าใหญ่กว่าแสงนี้มีลักษณะคล้ายๆน้าำมูกหยดลงมาตลอดเวลาผู้เป็นผีโพงเชื่อว่าเนื่องมาจากวิบากกรรมบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นตามปกติผีโพงจะไม่เป็นอันตรายต่อใครทั้งยังพยายามหลีเกเลี่ยงการพบปะกับผู้คน เคยมีผู้พบเห็นผีพงในระยะระชั้นชิดได้ยืนยันว่าเป็นคนธรรมดานี่เองเพียงแต่มีแสงสว่างเรืองเรืองหยดจากจมูกเท่านั้นประสบการณ์รเผชิญผีพงของหลวงปู่พันธุ์เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นาาคารว่าคลองเรือนมีลูกมีเมียอาชีพของท่านก็คือทำนาการทำนาในสมัยนั้นใช้กวายไถายนาช่วยทำนาเพียงอย่างเดียว หลังจากหว่านกล้าแล้วก็จะทําการไถที่นาแล้วก็ไถน้ําเข้านาให้หญ้าน่าดินเปื่อยจะได้ปักกล้าง่ายเมื่อถึงฤดูทํานาหลวงปูกพันธุ์หรือว่าใยพันธุ์นี่จะออกไปปลูกกระท่อมกลางนาเพื่อนอนเฝ้าควายจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินต้อนควายไปกลับระหว่างบ้านกับที่นากระท่อมที่ปลูกก็ทํากันอย่างง่ายๆยกพื้นสูงพอประมาณแล้วก็มีแครนอนอยู่ภายในคืนนั้นเป็นคืนแรมเจดค่ําเดือนเจ็ ในพันตื่นขึ้นตอนดึกเนื่องจากปวดปัสสาวะออกมายืนปลดทุกข์ที่ระเบียงหน้ากระท่อมแงนมองท้องฟ้าประมาณเอาจากดวงดาวก็เป็นเวลาประมาณสักตีสามตีสี่เห็นจะได้มองไปทางบ้านปากภูหมู่บ้านที่ตนอยู่อาศัยก็ไม่เห็นแสงไฟตะเกียงแม้แต่จุดเดียวขณะมองไปทางร่องเหมืองส่งน้ำเข้านาก็เห็นดวงไฟดวงหนึ่งสว่างวาบวาบเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับ นายพันเห็นอย่างนั้นก็เกิดความสงสัยจะว่ามีคนมาชักน้ำเข้านาตอนค่ำรุ่งเช่นนี้ก็ไม่ควรจุดไฟเพราะเวลานั้นเดือนข้างแรมยังส่องแสงสว่างไปทั่วเวลานั้นเป็นเวลาค่ำรุ่งแล้วเสียงกบเขียดร้องเราะงวมมนทั่วทุ่งที่หัวกระท่อมของนายพันมีเขียดกู้นึ่งร้องหากันด้วยเสียงอันดังแสงแวบแวบที่เห็นอยู่นั่นคล้ายกับได้ยินเสียงเขียร้องมันก็เปลี่ยนทิศทางดิ่งตรงมาหา ในพันเห็นแสงสว่างนั้นเกิดเกิดดับดับเลาะมาตามคันนาใกล้เข้ามาด้วยความสงสัยก็จ้องมองดูใกล้ๆกระท่อมมีจอมปลวกสูงใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินและจอมปลวกนั้นได้บังแสงดังกล่าวไว้ชั่วขณะแต่ยังได้ยินเสียงลุยน้ําดังจ่อมจอมเข้ามาเรื่อยๆเวลานั้นในพันคิดว่าคงจะเป็นคนมาหาเขียดหากบแน่โดยใช้ไฟแบบที่ชาวบ้านแถบนั้นเขาใช้กันคือเอากระบอกไม้ไผ่มาบาก ด้านข้างเป็นช่องใกล้ๆกับข้อเสร็จแล้วก็ใช้ตะเกียงกระป๋องใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่ด้านบนของกระบอกก็เปิดโล่งเป็นที่ระบายควันตะเกียงแบบนี้ป้องกันลมได้อย่างดีในพันไม่แน่ใจว่าเจ้าของเสียงลุยน้ําลุยโคลนในานาที่ได้ยินใกล้เข้ามานี่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันหรือเปล่าจะร้องทักออกไปก็ใช่ที่ก็เลยยืนเงียบๆคอยเพ่งมองหน้าเพื่อให้เห็นชัดๆและแล้วแสงสว่างนั้นก็โผล่พ้นจอมปลวก พอเห็นอะไรเป็นอะไรถนัดตาในพันก็ถึงกับตะลึงงานด้วยความตกใจสุดขีดเพราะแสงที公公่เห็นนั้นไม่ใช่แสงจากตะเกียงหรือว่าแสงอะไรทั้งสิ้นหากเป็นแสงสว่างวาบวาบออกมาจากหน้าของบุคคลผู้นั้นบุคคลที่ในพันกำลังจ้องมองอยู่นั้นเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวใส่เสื้อสีขาวมอมอนุ่งผ้าสินสีดาคเนอายุไม่ถูก แสงวาบวาบสีเขียวจัดจ้าคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไหล ย, ย้อยออกมาจากรูจมูกไหลลงมาสู่ปากและคางก่อนจะหยดลงสู่พื้นดินมีลักษณะเหมือนสะเก็ดไฟที่หยาดลงมาจากคบไฟกา ร, รเผชิญหน้าในยอยู่ห่างกันประมาณสิบเมตรเห็นจะได้เป็นการพบกันอย่างไม่คาดคิดมาก่อนทำให้ทั้งสองฝ่ายมีอาการตื่นตะลึงหญิงผู้มีใบหน้ามีแสงวาบวบคิดไม่ถึงว่าจะมาเจอในพัน และในพันก็ยิ่งคิดไม่ถึงว่าจะมาพบกับผู้หญิงที่เรียกว่าผีพงในระยะกระชั้นชิดอย่างนี้นอกจากคิดไม่ถึงยังสะดุ้งกลัวสุดขีดจนตัวแข็งทื่อขนหัวลุกพองสยองกล้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งสองฝ่ายต่างยืนจ้องมองกันอย่างนั้นพักใหญ่หญิงผีพงก็หันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วเห็นแสงสว่างวาบวาบพางออกไปทางด้านบ้านปากภู พอถึงสามแยกเข้าหมู่บ้านก็หายไปนี่ก็คือผีพงที่หลวงปู่พันพบเห็นมาเมื่อครั้งเป็นคารวาดก่อนบวชท่านยืนยันว่าไม่ได้ตาฝาดหรือว่ามีอาการพั้นเพืินแต่อย่างใดที่เห็นหญิงผีพงนั้นเป็นการเห็นด้วยตาเนื้อทั้งสองข้างและเห็นเป็นเวลานานพอสมควรก่อนที่หญิงผีพงจะผลักจากไปครับสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นในโลกนี้ยังมีอีกมาก ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพบเห็นด้วยตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับครับนี่ก็คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนของหลวงปู่พันธ์ทิตธรรมโมวัดป่าสันติธรรมบ้านน้ำภูอํำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบประคุณจากผมมาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับนัตถิกำมัง สมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ทุรบนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับชีวิตทุดงของพระสงฆ์องค์เนนที่ท่านจะริกไปสู่ปากเขาดงดิบในอดีตเสี่ยงต่ออันตรายทั้งสัตว์ดุร้ายแล้วก็ภัยมืดที่ท่านมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ไม่มีอะไรป้องกันตัวทั้งสิ้นนอกจากศีล ใครไม่เคร่งครัดในศีลในครบทุกข้อก็ต้องตกเป็นเหยื่อเสือหลายภาดกลอนมานักต่อนักแล้วขนาดว่าพรานป่าชำนาญไพรมีปืนแก๊ปลูกสองยาวติดตัวเป็นประจำถ้าหากไปล่าสัตว์ในดงเสือยิงจะต้องขัดห้างอยู่ในยามค่ำคืนโดยที่เลือกทำเลใกล้ลำห้วยที่มีดินโปง่งพวกสัตว์นี่มันรู้ด้วยสัญชาตญาณว่ามีดินโป่งอยู่ที่ไหนมันก็จะหาทางไปกินจนได้ เพื่อจะเติมธาตุเกลือให้กับตัวเองดินโป่งนะั้นมีรสเค็มเพราะว่ามีเกลือผสมอยู่สัตว์ก็แก้เค็มด้วยการกินน้ำในลําห้วยต่อตอนนี้เองที่สัตว์เพลินกับการก้มหน้าก้มตาเลียน้ำ้ำพรานบนห้างก็เล็งยิงจุดสำคัญได้ตามใจชอบก่อนที่จะหาไม้ไผ่มาขัดห้างพรานรุ่นเก่าก็จะใช้อาคมสะกดป่าป้องกันสัตว์ดุร้ายไว้ก่อน เห็นไม้ใหญ่ต้นไหนเหมาะใจก็จะเอาปะ้า ม, ามัดเป็นก้อนกลมตัวเองนอนหงายแล้วกลั้นใจยโยนผ้าสุดแรงหมายตาไว้ว่าสูงแค่ไหนของต้นไม้ก็จะขึ้นไปขัดห้างสูงประมาณนั้นในว่าทำให้สัตว์ป่ามองไม่เห็นหรือเห็นก็กระโจนไม่ถึงแต่พระสงฆ์องค์เนนที่ท่องทุดงห้ามขาดไม่ให้กลัวตายถึงกับขึ้นไปหลบอยู่บนห้าง จะเป็นดงเสือดงช้างถ้าท่านอธิษฐานปักกรดพักแรมแล้วก็จะต้องอยู่ตรงนั้นไปตลอดราตรีจะถอนกรดหนีภัยไปอยู่ป่าแห่งอื่นไม่ได้เป็นอันขาดท่านผู้ฟังท้ำหลวงเชียงดาวเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าภายใ น, นยมีหินงอกหินย้อยแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย ที่สร้างความตื่นใจแก่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทําให้อยากไปเห็นหรือว่าได้สัมผัสกันแทบทุกวันเนื่องจากเป็นถรมใหญ่แล้วก็มีความลึกมากเล่ากันว่าสามารถทะลุไปถึงประเทศพมา่าได้มีสิ่งอาถรรพ์ลึกลับแขวงอยู่มากมายแล้วก็ยังมีประวัติความเป็นมาที่ตื่นเต้นและชวนให้ติดตามไม่น้อยทีเดียวตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าเบื้องบนได้ประกาศสิทธิ์ให้เทวดาตนหนึง่งมีนามว่าเจ้าหลวงคําแดง พร้อมกับบริวารยักษ์อีกจำนวนหนึ่งหมื่นตนมาช่วยกันรักษาของวิเศษภายในถ้ำไว้ไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดลักขโมยไปครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ใครก็ตามที่ได้ขโมยเอาไปเขามักจะต้องนำมาคืนไว้ที่เก่าไม่ทางใดก็าทางหนึ่งเท่าที่ปรากฏมาแล้วมีอยู่หลายครั้งหลายคราเป็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับนามเดิมของเจ้าหลวงคาแดงนะั้นมีชื่อว่าเจ้าสุวรรณคาแดง ได้เฝ้ารักษาดอยหลวงเชียงดาวและถ้ำแห่งนี้มานานกว่าหกร้อยปีแล้วโดยจะสิ้นสุดหน้าที่ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงธทมลงมาปราบพวกมนุษย์ชั่วร้ายเสียก่อนเจ้าหลวงคำแดงมีชายาองค์หนึ่งมีนามว่าจอมเทวีสถานที่สถิตอยู่ที่ดอยนางอันเป็นพืชเขาที่อยู่ทางทิศเหนือในเขตเมืองปลายแต่ยาวติดต่อกับดอยหลวงเชียงดาวโดยต่างก็รักษาศีลไม่ได้อยู่ร่วมกัน ตามประวัติที่บันทึกไว้ว่าบ้านเมืองเดิมของนางจอมเทวีมีชื่อว่าอะไรไม่ปรากฏหลักฐานแต่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ส่วนเจ้าหลวงคำแดงเป็นโอรสแห่งเมืองพยาวได้รับบัญชาจากพระบิดาให้มารักษาชายแดนเพื่อป้องกันอาริราชสตรูที่จะเข้ามารุกรานวันหนึ่งเจ้าหลวงคำแดงก็พาทหารออกไปลาดตระเวนระหว่างที่มาถึงบริเวณดอยหลวงเชียงดาวตะวันก็บ่ายขูแล้ว จึงให้ทหารที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพักผ่อนตรงชายป่าแห่งหนึง่งขณะที่ตะวันกําลังจะรับเหลี่ยมเขาอยู่นั่นมีหญิงสาวชาวป่านางหนึง่งงามยิ่งกว่าหญิงใดในเมืองพยาเดินผ่านมายังค่ายพักของเจ้าหลวงคําแดงพอสายตาของโอรสแห่งเมืองพยาวได้ประสบเท่านั้นก็เกิดจิตพิวสว่าต์ขึ้นมาทันทีก็ย่างเท้าเข้าไปพูดจาปราศัยกับนาง โดยเอื่อนเอ่อยวาจาว่านิทวันจะตกดินแล้วแม่นางจะไปไหนเหรอผู้หญิงสาวคนนั้นก็หยุดชะ ง, งักลงเสร็จแล้วก็เกิดความเอียงอายจนต้องหลบสายตาเจ้าชายต่างแดนเป็นพละวันก็บอกว่าข้าเจ้าจะไปหาเก็บผักข้างป่าสักหน่อยอผู้จบสาวชาวป่าผู้นั้นก็ก้าวเดินต่อไปเจ้าหลวงคำแดงก็บอกว่าเดี๋ยวให้พี่ไปเป็นเพื่อนช่วยเก็บให้เอาหรือเปล่า หญิงสาวก็บอกไม่เป็นไรละคะ่ะในที่สุดเจ้าหลวงคำแดงก็สาวเท้าก้าวเดินตามหญิงสาวไปจนถึงบริเวณที่มีผักทั้งสองก็เข้าไปช่วยกันก้มเก็บมีการสนทนาถามไถ่กันยังมีความสุขมีอยู่ช่วงหนึ่งเจ้าหลวงคำแดงก็ถามสาวชาวป่าคนนั้นว่าบ้านของแม่นางนะ่ะคงจะอยู่ไม่ไกลนะผู้หญิงก็บอกว่าไม่ไกลเท่าไหร่หรอกไปเดี๋ยวเดียวก็ถึงกล่าวจบร่างสาวชาวป่าก็เลือนลางไป กลับกลายเป็นควางทองวิ่งเหาะๆไปทางค่ายพักครั้งแรกเจ้าหลวงคําแดงตกตะลึงในความอัศจรรย์พอรู้สึกคืนสติก็วิ่งไล่กวดควางทองไปติดๆปากก็ส่งเสียงตะโกนบอกทหารให้ช่วยกันจับควางทองไว้แต่ห้ามใช้อาวุธทุกชนิดไปทําร้ายควางทองให้ได้รับบาดเจ็บการติดตามควางทองดําเนินอยู่นานถึงสามวันแต่ก็ไม่มีใครจับควางทองตัวนั้นได้สําเร็จ เจ้าหลวงคำแดงก็ไม่ได้หมดความอดทนตั้งใจจะตามจับควางทองตัวนั้นให้จงได้จนเวลาผ่านไปอีกสิบวันก็ยังไม่มีวี่แววของควางทองปรากฏให้เห็นคงทิ้งไว้แต่รอยเท้าเท่านั้นวันหนึ่งเจ้าหลวงคำแดงและทหารได้ไปถึงข้างห้วยใกล้หมู่บ้านคือหมู่บ้านศพคาบทุกวันนี้อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงดาวไปประมาณหกิโลเมต ร, รเผอิญพบรอยควางทองเข้าทําให้เจ้าหลวงคำแดงดีใจมากเร่งออกติดตามต่อไป จนพบกับร่างหญิงสาวคนเดิมอยู่ในป่าแห่งนั้นทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอทุกวันนี้ที่เรียกกันว่าดงเทวีทันทีที่เจ้าหลวงคำแดงพบหญิงชาวป่าซึ่งกลายร่างเป็นกวางทองอีกครั้งพร้อมกระโจนเพ่นหนีเข้าป่าไปเจ้าหลวงคำแดงก็สั่งให้ทหารกระจายกำลังอบร้อมกวางทองไว้พร้อมทั้งประกาศกล้องว่าถ้ากวางทองหลุดรอดดันไปด้านไหนของใครมันผู้นั้นจะต้องถูกตัดหัว แต่ควางทองคล้ายกับรู้ใจว่าเจ้าหลวงคำแดงทำร้ายตนไม่ลงแน่ก็เล็ดลอดผ่านไปทางที่เจ้าหลวงคำแดงอยู่ทำให้เจ้าหลวงคำแดงเสียใจอยากจะเร่งติดตามจับควางทองให้ได้ก็สั่งให้ทหารตั้งค่ายพักคอยอยู่ที่ดงเทวีก่อนตัวเองจะติดตามควางทองต่อไปหากไม่ได้ควางทองตัวนี้กลับมาด้วยตัวจะไม่ขอกลับมาให้เห็นหน้าถ้าภายในเจ็ดวันตนยังไม่กลับมาให้ทหารกลับไปบอกพระบิดาและพระมารดาว่าไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้คิดซว้ว่าลูกคนนี้มีความสุขไปแล้วหลังจากสั่งทหารเรียบร้อยแล้วก็ออกติดตามกวางทองอย่างกระชั้นชิดจนถึงภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งทางทิศตะวันตกปัจจุบันเขาเรียกถ้ำหลวงเชียงดาวกวางทองก็กลับกลายร่างเป็นหญิงสาวแล้วเดินเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นทาให้เจ้าหลวงคำแดงผู้หลงไหลมณเสสาวางทองตามติดเข้าไปในถ้ำนั้นด้วย กลับเท่าทุกวันนี้ก็ไม่กลับออกมาให้เห็นจนราษฎรในหมู่บ้านนั้นต้องปลูกสารให้เป็นอนุสร์และเรียกกันว่าสารเจ้าพ่อหลวงคำแดงคืนใดที่นิมิต ด, ดีท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกก็มักจะมีผู้พบเห็นดวงไฟลูกกลมๆ ล, ลอยออกมาจากหลังดอยเชียงดาวแล้วก็เคลื่อนไปทางทิตะวันออกเป็นเวลาห้านาทีต่อจากนั้นก็จะมีเสียงคล้ายปืนใหญ่ดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างจะหายไปนะับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มาก ชาวเชียงดาวพูดกันเสมอว่าวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่จังหวัดพยาวคำว่าดอยเชียงดาวในก่อนนั้นนิยมเรียกกันดอยเปียงดาวอ่าซึ่งหมายถึงเขาที่สูงใหญ่ตามลักษณะภูเขาลูกนี้เพราะว่าคืนไหนที่ท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกปกคลุมจะสามารถมองเห็นยอดเขาลูกนี้อยู่เสมอระดับดวงดาวน้อยใหญ่ต่อมาคาว่าเปียงหรือเพียงก็ เขียนไปจากเดิมกลายเป็นเชียงสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อราวสามร้อยปีก่อนนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งกับคารวาดคนหนึ่งมีศรัทธาแรงกล้าพากันไปสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งมีขนาดหน้าตักกว้างสามศอกสูงสศอกกับระฆังทองเหลืองขนาดเรื่องอีกใบหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16นิ้วน้าหนักประมาณ200กิโลกรัมเพื่อผู้คนทั้งหลายได้สักการะบูชาและใช้ประโยชน์ แต่ว่าทั้งพระพุทธรูปและรักรังถูกสร้างไว้ภายในถ้ำตรงบริเวณปล่องแจ้งคือช่องสว่างเวลานั้นยังไม่มีประตูให้เดินเข้าออกถ้ำได้สะดวกเช่นทุกวันนี้เวลาจะเข้าไปในถ้ำก็ต้องปีนขึ้นไปบนเขาแล้วเอาบันไดหรือว่าพระองค์พาดลงไปตรงรูถ้ำข้างบนหากพลาดพลั้งไปก็ย่อมหมายถึงชีวิตจก้กระปั่งพศสองพันสี่ร้อยสามสิบอินตะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอินตะข้อ มีภูมิลำนาวอยู่ที่บ้านจอมคีรีตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปน็นนันมากและทราบว่าที่ท้ำหลวงเชียงดาวนั้นมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาจึงได้ชักชวนเพื่อนผูงและชาวบ้านไปที่ถ้ำหลวงเชียงดาวเพื่อไปทำการค้นหาว่าภายในถ้ำจะมีกี่คูหาและสามารถไปทะลุที่ไหนบ้าง อันดับแรกอินตะก็เปล่าประกาศให้ชาวบ้านมาช่วยกันงัดเอาก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากถ้ำออกแล้วก็ทําเป็นประตูทางเข้าออ ก, กรวมทั้งสร้างบันไดาทางขึ้นโดยนําอิฐธรรมดามาเรียงทับกันเป็นชั้นๆแล้วฉาบได้ปูนขาวสมัยนั้นปูนซีเมนคงจะมีราคาแพงหรืออาจจะเป็นของหายากก็เลยใช้ปูนขาวหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มสร้างพระพุทธรูปอีกมากมายไว้ในถ้ำ แล้วก็ประดับกระจกหลากสีแผ่นเล็กๆไว้ตามกำแพงรูช่องอย่างสวยงามรวมทั้งทำแท่นและบันไดให้ขึ้นลงตลอดจนมีรูปปัญหาอะไรต่างๆวิจิตรพิสดารมากมายบางครั้งอินตะจะเข้าไปในถ้ำหลวงเชียงดาวคนเดียวครั้งหนึ่งเป็นเวลานานหลายวันพอกลับออกมาก็จะมาเล่าให้คนฟังว่าเขาเข้าไปกินอาหารน้องเทวดาในถ้ำและได้ไปพบลำธารประหลาดแทนที่จะมีน้ำไหลอ ย, อย่างลำธารทั่วไป กลายเป็นทรายไหลแทนหรือที่เรียกกันว่าทรายไหลแห้งรวมทั้งได้เล่าถึงสิ่งลี้ลับในถ้ำอีกมากมายอินตะนี่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดจอมคีรีจนแตกฉานในทางปรมัตภธรรมอีกทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือว่าเป็นผู้ทรงคุณไสยมีมนต์คาถามหานิยมเป็นเยี่ยมต่อมาได้ลาสิขาบทอยู่แบบชาวบ้านจนมีชื่อเสียงทราบไปถึง พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ยิงโปรดเรียกตัวเข้าไปพบแล้วทําการทดสอบวิชาด้วยการปล่อยนกออกจากโรงแล้วสั่งให้อินตาเรียกนกกลับเข้าโรงใหม่อินตาก็สามารถทำได้สําเร็จพระเจ้าอินทวิชยานนท์ทรงโปรดปราณมากตั้งให้มีบรรดาศักด์เป็นแสนตาแหน่งมหาเล็กคนโปรดการต่อมาได้ทรงยกสาวใช้ในคุ้มชื่อนางตุ้มให้เป็นภรรยา นางตุ้มมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อนางคำซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้เป็นภรรยาของแสนอินตะไปอีกคนหนึ่งเวลาผ่านไปไม่นานแสนอินตะได้สร้างคุณความดีด้วยการปราบปรามกบฏพญาผับซึ่งมีบริวารจำนวนห้าร้อยคนได้ยกพวกบุกเข้าไปตีเมืองวางในเวลานั้นหลวงมหาวงเจ้าเมืองวางไม่อยู่พวกกบฏเงี้ยวถูกแสนอินตะกับพวกตีแตกพ่ายไป พ่อเจ้าหลวงทรงตรอบแทนคุณงามความดีด้วยการแต่งตั้งให้เป็นพระยาอินตะพิบาลพระยาอินตะพิบาลมีโรคหืดที่เป็นโรคประจำตัวรักษาไม่หายชอบออกเสียงคอคอที่ลำคออยู่เสมอชาวบ้านเขาก็เลยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระยาอินตะคอในปีพศ2453พระยาอินตะพิบาลได้ถึงแก่กรรม ลูกหลานได้นำอัฐิบรรจุไว้ที่หน้าถ้ำหลวงเชียงดาวเหลือเป็นอนุสร์อยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลังจากที่พยาอินทปิบาลถึงแก่กรรมไปประมาณสามปีเศษไม่มีใครเข้ามาทำการก่อสร้างบูรณาสังขรนถาวรวัตถุที่ถ้ำหลวงเชียงดาวอีกเลยจนกระทั่งพศสองพสีรห้สหมีฤาษีตนหนึ่งชื่ออุคันทะเป็นชาวไทยใหญ่ได้เดินทางมาจากเมืองปันประเทศพม่า ได้มาชักชวนชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลมาช่วยกันสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในถ้ำแล้วก็นอกถ้าหลวงเชียงดาวเช่นเจดีย์ใหญ่และเล็กจํานวน25องค์ตรงหน้าถ้ำโดยจําลองแบบจากเจดีย์ที่เมืองย่างกุ้งสร้างเจดีย์ขนาดเล็กอีก 3- ถึงหองค์ที่ด้านเหนือทางบันไดขึ้นถ้าสร้างพระพุทธรูปสี่องค์ตรงเนินหน้าผาหลังวิหารใหญ่ลึกเข้าไปในถ้ำประมาณห้ารอเมตรสร้างพระพุทธรูปปางสายญาติองค์หนึ่งประดิษฐานไว้ แต่มีพระอิรยาบทการนอนแตกต่างจากพระพุทธสยญาติทั่วไปคืออยู่ในลักษณะท่านอนหงายมีนามตามประวัติเดิมว่าพระพุทธเจ้ากัสปะโดยมองอัดช่างฝีมือชาวพม่ า, มานี่เป็นผู้ปั้นแล้วก็ออกแบบนอกจากนี้ยังได้ขุดะน้ำไว้ที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อต้องการน้ำไว้ใช้ในการหล่อพระพุทธรูปต่างๆรวมถึงพระพุทธรูปทองคาอีกองหนึ่งที่มีเนื้อทองสุกสกาอาราม รวมทั้งตรงลานหน้าถ้ำติดกะสะด้านซ้ายมือของศาลาลอยได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในศาลาโดยช่างฝีมือชาพมา่าที่ชื่อมองทรงพระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่าพระเจ้าทันใจเหตุที่ใช้ชื่อนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปเสร็จทันอกทันใจนั่นเองในปีพศ .2468 ฤษีอุ ค, คันทะอยู่ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวนานถึง12ปีจึงลาญาตโยมไปอยู่ที่เมืองปาย พร้อมกับได้นำพระพุทธรูปทองคำติดตัวไปด้วยในปีนั้นเองพระครูสังจากวัดเจดีหลวงและมหาหมื่นวุฒิยาโนจากวัดหอธรรมมาเที่ยวทําหลวงเชียงดาวได้พบว่าที่รอบระฆังโบราณมีอักษรขอมสลักไว้ก็ช่วยกันอ่านแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยดังมีข้อความว่าพระครูบาประธรรมปัญโยกับพ่อแสนปีระตานาน ต่อมามีข่าวว่าฤาษีอุคันธะได้กลับไปที่บ้านเกิดเมืองปันแล้วถึงแก่กรรมที่นั่นขณะที่มีอายุได้ห้าิบเกปีในระหว่างนั้นหลวงพ่อทองคําทิตะสีโลซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ที่หมู่สองบ้านแม่นะตํมบุณแม่นะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อุปนิสัยชอบสแสวงหาโชคลาภหลังจากที่ศึกษาจบหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นก็ไปบวชเป็นสัมเนยนอยู่ที่วัดศรีดอนชัยตําบุณแม่นะได้ราวๆห้าหกเดือน ก็ขออนุญาตท่านสมภารระโยมพ่อโยมแม่ออกทุดงสแสวงหาความวิเวกไปทั่วประเทศตลอดจนถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวขเขมรยุนพม่าโดยเฉพาะในประเทศพม่าหลวงพ่อทองคําพักอยู่นานกว่าประเทศใดๆจนกระทั่งอายุครบบวชเป็นพระภิกษุจึงได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งเพื่อทําการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณจังหวัดนครปฐมแล้วก็หวนกลับมาพำนักที่วัดศรีดอนชัยตำบลแม่นะ โดยได้อบรมสั่งสอนในด้านศีลธรรมให้แก่ชาวบ้านและญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อจะได้เป็นผู้ที่ประกอบสาัมมาชีพที่ถูกต้องตามคันลองของธรรมทำให้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายพากันซาบซึ้งแล้วก็ชื่นชมยินดีในโอวาทของท่านขั้นถึงพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองหลวงพ่อทองคำได้ย้ายจากวัดศีดอนชัยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำหลวงเชียงดาว เพราะว่าตำแหน่งเจ้าวาดได้ว่างลงในเวลานั้นในปีแรกที่หลวงพ่อทองคํามาพำนักจำมรนษานั้นตามบริเวณลานวัดที่เป็นหน้าถรำยังเป็นที่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ราบเรียบเสมออย่างเช่นทุกวันนี้พอท่านมาอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มลงมือปรับสถานที่จนเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยมีการสร้างสะพานข้ามช่องหิวในถ้าหลวงเชียงดาวแทนสะพานเก่าที่ชำรุดซุโสมอีกทั้งได้ซ่อมแซมสิ่งปรากหักพังที่พบเห็น ส่วนถาวรวัตถุก็สร้างไว้หลายสิ่งหลายอย่างเช่นสร้างสระน้ําตรงที่มีน้ําไหลโล่ อ, อกมาจากภายในถ้าหลวงเชียงดาวโดยจ้างคนในหมู่บ้านไปตีหินก้อนใหญ่ขนาดเท่าปี๊บมาเรียงทับกันแล้วโบกด้วยปูนซีเมนต์ป้องกันไม่ให้น้ําเซาะตลิ่งข้างสระพังสร้างบันไดคอนกรีตลงไปสู่สระในสระมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมาเป็นที่เพลิดเพลินเจริ ญ, จรญใจแก่ผู้พบเห็นสร้างเรือหงมีเจดีย์อยู่ด้านบนหนึ่งอง ประดับด้วยกระจกสีดูงามระยับตาสร้างกำแพงรั้วด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกผู้คนมีความเชื่อกันว่าก่อนพุทธกาลก็ดียุคปัจจุบันก็ดีเทวดาหรือว่าชาวลับแหลมักจะแปลงร่างเป็นอะไรได้หลายอย่างเช่นจำแรงร่างเป็นคนชารา มีหนวดคราวยาวรุงรังหรือว่าแปลงร่างเป็นชายหนุ่มที่สง่างามบางทีก็เป็นพรามบางครั้งก็เป็นนักบวชตลอดจนถึงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่นาน า, นานชนิดมาปรากฏให้มนุษย์ได้พบเห็นอยู่เสมอสมัยนั้นผู้ที่ปรารถนาจะเข้าไปพิสูจน์ของกายสิทธิในถ้ำหลวงเชียงดาวตามตำนานกล่าวว่าก่อนจะเข้าไปต้องชำระร่างกายให้สะอาดทำจิตให้บริสุทธิ์แจ่มใส เคร่งครัดในศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือว่าศีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้ออย่างแน่วแน่จริงๆต้องเตรียมเทียนเงินสามร้อยเล่มเทียนทองสามร้อยเล่มต้นดอกสี่ต้นช่อธงทิวสีดำสีแดงสีเหลืองและสีขาวอย่างละแปดผืนพร้อมทั้งประทีปหนึ่งพันดวงโดยก่อนที่จะเข้าไปให้ทำพิธีสักการะบูชาตรงปากถ้มหลังจากทาพิธีแล้วค่อยเดินเข้าไปในถ้ำ ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆอย่าได้คิดในสิ่งอกุศลหรือว่ามีความมิตรกังวลถึงเรื่องตายแม้แต่น้อยแม้แต่การอยากคิดอยากจะได้สิ่งของวิเศษที่อยู่ในถ้ำเวลาที่พบเห็นก็ห้ามคิดอย่างเด็ดขาดต้องจังตั้งจิงตจแน่วแน่ที่จะไปนมัส ก, การของวิเศษเท่านั้นหากมีจิตคิดอกุศลอยากจะได้โน่นได้นี่หรือแม้แต่แค่ยื่นมือเข้าไปหยิบของวิเศษให้เคลื่อนย้ายจากที่เดิมแล้ว ยงอยากคิดที่จะกลับคืนออกมาสู่โลกภายนอกอีกเลยรับรองว่าจะต้องกลายร่างเป็นเปรตเฝ้ารักษาของวิเศษเหล่านั้นอยู่ภายในถ้าหลวงเชียงดาวตราบนานเท่านานด้วยเหตุนี้ในถ้าหลวงเชียงดาวจึงเต็มไปด้วยผูดผีปีศาจเทวดายักษ์รวมทั้งบริวารของเจ้าหลวงคําแดงอีกมากมายใครที่ทําผิดคิดชั่วก็จะต้องกลายไปเป็นผีอยู่ในถ้าอย่างช่วยไม่ได้ อย่างเช่นในมนบและนายปวนราษฎรที่อาศัยอยู่ในบ้านหมู่แปดอบ้านแม่กะตำบุเชียงดาวซึ่งบุคคลทั้งสองได้เข้าไปในแค่ถ้ำ ม, ม้าเพื่อต้องการจะไปค้นหาของมีค่าสมัยที่มองส่งมาก่อสร้างพระเจ้าทันใจเมื่อหลายปีก่อนแต่ต้องหลงวนเวียนอยู่ในถ้ำ ม, ม้าเป็นเวลานา น, านร่วมสามสัปดาห์ ทนทุกทรมานด้วยการอดน้ำอดข้าวจนร่างกายสู้ผอมมีอาการอ่อนเพลียถึงกับต้องคลานกับพื้นเพราะหาทางเดินกลับออกมานอกถ้ำไม่ได้แม้ญาติพี่น้องจะเข้าไปติดตามช่วยกัน ร, ร้องกู่ตะโกนหาเท่าไหร่ก็ไม่พบแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับดังออกมาจนกระทั่งหมองส่งเข้าไปพบโดยบังเอิญจึงกลับออกมาบอกชาวบ้านให้เข้าไปช่วยพยุงออกมาได้คนนึงส่วนอีกคนได้สิ้นใจตายอยู่ในถ้ำมานั่นเอง คนที่ชาบ้านช่วยชีวิตออกมาได้ถูกนำตัวไปรักษาพยาบาลที่บ้านแต่อยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เสียชีวิตไปอีกคนเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาทั้งสองมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยากจะได้ทรัพย์สมบัติที่ไม่ใช่ของตนมาครอบครองผลสุดท้ายก็เลยต้องมาพบกับจุดจบอย่างน่าอนาถตามลายแทงที่บ่งบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ในถ้ำหลวงเชียงดาวมีว่าเมื่อเดินเข้าไปประมาณหนึ่งร้อยวาจะพบทางแยกอ่า ขั้นผ่านทางแยกไปประมาณ90ิบวาจะพบแควน้ําอยู่หลายสายแต่มีแควสายหนึ่งที่ไหลออกมาใต้แท่นพระพุทธรูปทองคําเรียกว่าแม่น้ําอนุตตะนาทีและมีแสงสว่างที่เกิดจากสิ่งอันเป็นทิพย์ทั้งหลายในที่นั้นมีหมู่บ้านใหญ่ของชาวรับแลอยู่6กหมู่บ้านมีชาวรับแลจํานวนมากมายอาศัยอยู่แต่ละหมู่บ้านจะปลูกผลไม้ที่ให้ความร่มรื่นและอิ่มท้อง ชาวรับแล้วทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขมีเสื้อผ้าทิพย์ที่สร้างความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาหากไปถึงที่นั่นแล้วแม้แต่คนธรรมดาก็สามารถนำมาสวมใส่ได้โดยไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดถ้าเดินไปอีกราวเจร้อยวาจะพบสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่งมีความกว้างด้านละแปดสิบวาน้ำใน ส, สายสะอาดและเย็นเหมือนน้าแข็งตรงมุมด้านทิศเหนือจะมีโพรงหน้ากว้างขนาดเท่าตัวคนลอดผ่านไปได้พอดี ก่อนจะลอดเข้าไปในโพวงนี้จะต้องทำพิธีสักการะด้วยแกงส้มแกงหวานขนมนมเนยมะพร้าวอ่อนหนึ่งผลเทียนสี่เล่มดอกไม้สี่ดอกให้ทำพิธีสักการะบูชาท้ามหาราชทั้งสี่เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วให้ลอดเข้าไปเป็นระยะสามวาจะพบที่ตั้งเมืองพญานาคแห่งตระกูลท้าวิรูปักอันสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทิพย์สหรับผ้าสบงมีจีวรทิพย์ของบรรพชิตก็มีทุกคนจะต้อง ครองผ้าสมองจีวรประหลาดเสียก่อนเมื่อนุ่งห่มจีวรเป็นพระชาวรับแลไปแล้วคราวนี้จะได้พบกับอาหารทิพย์ใครที่ได้บริโภคอาหารทิพย์เหล่านั้นจะหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกภายนอกทั้งหมดตั้งแต่บ้านช่องสมบัติพระสถานสามีภรรยาและบุตรตลอดจนถึงญาติมิตรทุกคนจะกลายเป็นชาวรับแลไปโดยปริยายเมื่อเดินต่อไปอีกประมาณแปดร้อยวาก็จะพบกําแพงแก้วทั้งสี่ด้านสูงหกวาร ภายในกำแพงนั้นจะพบพระพุทธรูปทองคำหนึ่งองค์สูง8ปสิบวาสถิตยอยู่เหนือแท่นแก้วเจ็ดประการแท่นแก้วในที่นี้สูงสิบสองวามีบันไดเงินบันไดทองเชื่อมต่อขึ้นไปแล้วก็มีสายทองสายเงินกระจายเกลื่อนกลาดเวลาพบต้องบูชาด้วยแกงส้มแกงหวานขนมน ม, นมเนยเทียนร้อยเล่มธงแดงธงขาวอย่างละสิบเจ็ดผืนแล้วเข้าไปด้านหลังพระพุทธรูปนั้นก็จะพบแท่นสถิตวิเศษของฤาษี ซึ่งฤาษีจะภาวนาอยู่ตลอดการและให้บูชาด้วยดอกไม้เจ็ดอย่างต่อจากนั้นเข้าไปจะพบแท่นของเจ้าหลวงคำแดงให้บูชาด้วยเทียนสี่เล่มดอกไม้สี่ดอกน้ำนมบัวสองถ้วยน้ำตาลเจ็ดก้อนต่อรูปเทวดายักษ์ของเจ้าหลวงคำแดงผู้มีร่างกายสีแดงทั้งร่างสูงหกศอกแล้วก็เป็นเศษก้นโปรด้องเทวดาบนสวรรค์ที่สั่งให้เป็นผู้ดูแลรักษาถ้ำหลวงเชียงดาว จึงเต็มไปด้วยของวิเศษมากมายออกจากที่นั่นไปอีกราวสามร้อยวาจะพบแม่น้ำสายหนึ่งกว้างสิบสองวาลึกหนึ่งวาและโรงช้างเอราวันซึ่งต้องบูชาด้วยอ้อยสิบท่อนหญ้าเก้ากำช้างตัวนี้มีผิวกายสีดำเหมือนช้างป่าทั่วไปเนื่องจากช้างเครื่องนี้เป็นสัตว์กายสิทธิ์จึงไม่ต้องมีคนเลี้ยงห่างจากโรงช้างกายสิทธิ์ออกไปมีทางแยกอีกสายหนึ่งถ้าเข้าไปก็จะพบกับผีเสื้อยักษ์ แต่ว่าในาลายแทงไม่ได้บอกว่าจะต้องบูชาด้วยของสิ่งใดนอกจากสิ่งวิเศษที่กล่าวมาทั้งหมดภายในถ้ำหลวงเชียงดาวยังมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกทั้ง80รูปบรรจุไว้เป็นอันมากโดยมีพระอนันตราชาเจ้าผู้ครองเมืองเชียงดาวคนแรกผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก่อสร้างถาวรวัตถุบรรจุเอาไว้ สำหรับผู้ที่หายก็ไปในถ้ำแล้วกลับออกมาเล่าเรื่องรีรับต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองระหว่างที่หลงอยู่ในถ้ำให้คุณภายนอกฟังนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อเราแปดสิบปีก่อนนั้นเคยมีคนถูกเจ้าหลวงคําแดงหรือเทวดาก็ไม่ทราบเอาตัวไปเป็นผู้รับใช้อยู่ในถ้ำถึงสองครั้งครั้งแรกชื่อลุงเสร็จไม่ทราบนามสกุลเป็นคนขมิ เดินทางมาจากนาครหลวงพระบางประเทศลาวมายึดอาชีพเป็นควานช้างกับเพื่อนๆ อ, อยู่ในท้องที่เชียงดาวเย็นวันหนึ่งในช่วงฤดูฝนได้เดินเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงเชียงดาวตามลําพังแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยจนกระทั่งในตอนสายพักพวกที่เป็นควานช้างด้วยกันมองไม่เห็นลุงเสร็จมารับประทานอาหารแล้วก็เตรียมตัวออกไปทํางานตามปกติทุกคนก็พากันสงสัยว่าแกหายไปไหนก็เที่ยวสอบถามไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครรู้ เมื่อออกค้นหามาถึงบริเวณถ้ำปรากฏว่ามีรอยเท้าคนที่หน้าถ้ำซึ่งตรงกับขนาดเท้าลุงเศร็จก็เลยพากันสอนิษฐานว่าลุงเศร็จคงจะเข้าไปในถ้ำอย่างแน่นอนและอาจจะหาทางออกมาไม่ได้ป่านนี้คงจะวนเวียนอยู่ในถ้ำนั่นเองครั้นจะติดตามเข้าไปก็ไม่ได้เตรียมเครื่องมืออะไรมาเลยและเวลานั้นยังไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าเข้าไปในถ้ำก็เลยพากันกลับที่พักแล้วไปสอบถามคนทรง คนทรงทํานายว่าเทวดาผู้รักษาถ้ำต้องการตัวลุงเสร็จไปเฝ้าสมบัติระยะนี้อย่าเสียแรงไปเที่ยวค้นหาเลยครบหนึ่งปีลุงเสร็จจะออกมาหาเองทุกคนพากันผิดหวังแล้วก็ปฏิบัติตามคนทรงบอกพากันตั้งใจคอยวันที่ลุงเสร็จจะกลับออกมาจนครบหนึ่งปีซึ่งตรงกับวันที่แกเดินหายกลับมาในถ้ำขณะที่พักพวกกาลังเฝ้ารอคอยอยู่ที่หน้าถ้า ทันใดนั้นลุงเศรษก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงประตูทางเข้าถ้ำทุกคนไม่เชื่อสายตาตนเองคิดว่าคงตาบาดหรือว่าฝันไปพอขยี้ตาจนแน่ใจว่าเป็นลุงเสรษฐแน่ก็ร้องตะโกนเรียกให้ลุงเศรษฐลงมาหาที่เชิงบันไดหน้าเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่หลงเข้าไปอยู่ในถ้ำเป็นปีแล้วก็ยังกลับออกมาได้โดยไม่มีอันตรายพร้อมกับชักชวนให้กลับมาทำงานดังเดิมแต่ลุงเสรษฐไม่ยอมลงมาหาใครแล้วก็สายหน้าปฏิเสธความหวังดีของเพื่อน แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงลุงเสร็จพูดขึ้นว่าไม่ท้องมาตามข้ารอกเวลานี้ข้าออกจากการเป็นควานช้างแล้วขอบใจทุกๆคนที่เป็นห่วงพูดจบแกก็หันหลังกลับเดินหายเข้าไปในถ้ำอีกครั้งปล่อยให้ทุกคนยืนตะลึงลืมแม้กระทั่งจะวิ่งเข้าไปดึงตัวแกไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นแกเดินกลับออกมาจากถ้อีกเลย อีกไม่นานที่หมู่บ้านแม่กะอเภอเชียงดาวมีผู้ชายวัยกลางคนชื่อเสร็จเหมือนกันยึดอาชีพเป็นพรานป่าได้หายเข้าไปในถ้ำหลวงเชียงดาวนานสามสี่เดือนทำนองเดียวกับการหายไปของลุงเสร็จผู้เป็นพ่อแม่ลูกเมียอะไรญาติญาติก็ช่วยกันออกค้นหาและสืบถามเท่าไหร่ก็ไม่เจอในที่สุดต้องไปพึ่งหมอศิษย์ศาสตร์ทำพิธีเรียกให้กลับมาถึงได้ทราบว่าถูกเทวดารักษาถ้ำเรียกไปเป็นผู้รับใช้ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติ เมื่อหมอไสยสาศาสตร์ทำพิธีเรียกเทวดาจึงได้ปล่อยตัวกลับคืนมาก่อนที่จะกลับบ้านได้ใช้ให้ไปเชิญเทพเจ้าที่ดอยจอมหดให้มาช่วยกินเลี้ยงกับเทวดาดอยหลวงเชียงดาวกับดอยนางดอยจอมหดที่กล่าวถึงนี่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับดอยหลวงเชียงดาวไปทางด้านที่ตะวันออกขณะที่ในเสร็จกำลังเดินไปที่ดอยจอมหดนั้นระหว่างทางได้พบกับนายสันและเพื่อนบ้านอีกสองน้ำคนโดยบังเอิญ นายสันผู้เป็นน้องชายได้ร้องทักแล้วก็วิ่งไปสกัดไว้ไม่ให้เดินต่อไปนายเศร็จก็ขอร้องบอกว่าปล่อยให้ข้าไปทำธุระให้เจ้านายเสร็จเสียบร้อยซะก่อนเดี๋ยวข้าถึงจะกลับไปบ้านแต่นายสันกับเพื่อนๆไม่ยอมเกรง จ, จะเป็นเช่นรายลุงเศร็จคนก่อนที่เดินกลับเข้าไปแล้วไม่เห็นอีกเลยในที่สุดก็นำกลับไปถึงบ้านได้สาเร็จนเสร็จได้เล่าให้เพื่อนบ้านฟัวงว่าขณะที่เขาเดินทางไปถึงหน้าถา้า แล้วก็หยุดยืนอยู่ตรงประตูทางเข้าถ้ามีความคิดอยากจะเข้าไปดูในถ้ำแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะใช้เป็นแสงสว่างส่องเข้าไปได้พลางนึกคิดอยู่เช่นนั้นชั่วขณะหนึ่งเสร็จแล้วเท้าของแก่ก็ย่างเท้าก้าวเดินเข้าไปอย่างไม่รู้สึกตัวยิ่งเดินเข้าไปทางก็สว่างเหมือนกับที่เราอยู่ข้างนอกที่มีแสงอาทิตย์ยิ่งเดินก็ยิ่งเพลินแล้วก็ลืมไปหมดทุกอย่างแม้กระทั่งความหิวตลอดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียทางบ้าน นายเสรษฐได้เล่าต่อไปอีกว่าหลังจากหยุดพักคลายเหนื่อยและดื่มน้ำหมดไปหนึ่งขันและเมื่อเดินไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายกับพระราชวังของพระเจ้าแผ่นดินมีเทพเจ้ามากมายได้พูดกับเขาโดยสั่งให้เขาอยู่ที่นั่นไม่ต้องไปไหนรับรองจะอยู่อย่างสุขสบายทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินหลังจากที่นายเสรษฐได้เล่าเรื่องลี้ลับในถ้ำหลวงเชียงดาวแล้วอีกไม่นานก็ได้พาครอบครัวไปอยู่ที่บ้านถ้ำแล้วก็ได้ไปเสียชีวิตที่นั่นด้วยโรคชรา ต่อมาในปีพศ2512มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงจ๋อมไม่ทราบนามส ก, กุลอายุ60ปีเป็นชาวอำเภอแจ้หุ่มจังหวัดลำปางได้มาเที่ยวที่ถ้ำหลวงเชียงดาวขณะนั้นเวลาบ่ายสี่โมงขวาแล้วคนที่มาเที่ยวชมถ้ำก็พากันทยอยกลับจะหมดแล้วคงเหลืออยู่แค่สิบกว่าคนรวมทั้งตัวลุงจ๋อมด้วย แกได้ซื้อดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับเทียนไขชนิดยาวหนึ่งห่อจำนวนแปดเล่มติดมือเข้าไปในถ้ำโดยได้ฝากห่อผ้ากับร่มหนึ่งคันไว้กับแม่ค้าขายดอกไม้ที่ศาราหน้าถ้ำแม่ค้าขายดอกไม้คิดว่าลุงจอมคงจะเข้าไปนมัสการพระแล้วก็เที่ยวเพียงเดียวเดียวก็เฝ้าอ่านั่งคอยแกอยู่จนกระทั่งใกล้ค่ำลุงจอมก็ยังไม่กลับออกมาแม่ค้าก็เลยเก็บของกลับบ้านคงทิ้งห่อผ้ากับร่มไว้ให้เห็น ครั้นรุ่งเช้าบรรดาแม่ค้าขายของกลับมาขายของอีกก็ยังพบผอผ้าและร่มวางอยู่ที่เดิมแสดงว่าลุงจอมยังไม่กลับออกมาอย่างแน่นอนก็พากันไปกราบเรียนหลวงพ่อทองคําทิตตสีโลจเจ้าวาดวัดถ้ำหลวงเชียงดาวให้ทราบหลวงพ่อสั่งให้คนไปตามผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็ให้ระดมชาวบ้านประมาณสิบคนเข้าไปค้นหาลุงจอมในถ้าต่างๆขณะที่เข้าไปถึงถ้ำมาก็แยกย้ายกันคน้นตามซอกต่างๆพร้อมกับตะโกนร้องเรียกให้ลุงจอมขานรับ ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบจากลุงจอมแต่ประการใดชาวบ้านก็ทำการค้นต่อไปอีกจนกระทั่งถึงทางแยกตรงปล่องแจ้งราวๆห้าร้อยเมตรจึงพบตัวลุงจอมนอนหายใจแผ่วๆอยู่ตรงซอกถ้ำแห่งหนึ่งเสื้อผ้าที่สวมใส่เปียกชุ่มไปหมดและร่างกายก็เย็นเฉียบชาวบ้านก็ช่วยกันอุ้มร่างของแกออกมานอกถ้าแล้วก็นาไปพยาบาลจนรู้สึกตัวพอหายจากอาการอ่อนเพลียบ้างแล้วก็ให้ดื่มน้าและรับประทานอาหารจนอิ่ม ร่างกายคืนสู่สภาพปกติผู้ใหญ่บ้านได้สอบถามถึงสาเหตุที่เข้าไปหลงในถ้ำลุงจอมก็เล่าเรื่องให้ชาวบ้านฟังบอกว่าผมผมทราบข่าวมาว่าที่อำเภอเชียงดาวมีถ้ำที่สวยงามแล้วก็มีของเก่าแก่มากมายก็เลยอยากจะมาเห็นมานมัสการเลยตัดสินใจตีตั๋วรถไวมาลงเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นรถยนต์มาลงที่ปากทางเข้าถ้ำก็บ่ายขแล้ว เมื่อมาถึงก็ไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนกับแม่ค้าพร้อมกับวางของเขาไว้แล้วก็เข้าไปนมัสการพระที่ปล่องแจ้งหลังจากนั้นก็ได้ลงบันไดไปพบทางแยกจะเข้าไปในถ้ำที่หลงเวลานั้นเทียนเหลือแค่หกเล่มคิดว่าจะเข้าแล้วก็กลับออกมาได้ก่อนเทียนหมดคิดได้อย่างนั้นแล้วก็ย่างเท้าเดินเข้าไปยิ่งเดินทางก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆและเป็นทางที่ไปอย่างสะดวกสบายไม่ขรุขระหรือว่าลําบาก อย่างเช่นขากลับที่มีคนไปอุ้มเอาตัวออกมาครับขณะที่เดินไปถึงที่แห่งหนึ่งก็จำได้ว่ามีเสียงน้ำไหลอยู่ข้างล่างมองดูเทียนยังเหลืออยู่สองเล่มก็เลยคิดจะกลับออกมาแต่มาพบทางแยกอยู่สองทางทำให้เกิดความสงสัยว่าทางไหนเป็นทางออกไปข้างนอกกันแน่พอเดินมาได้แค่ครึ่งทางเทียนไขที่เหลืออยู่ก็หมดพอดีผมก็ลงคลานคลำหาทางออกแม้จะพยายามทักเท่าไหร่ก็ไม่เจอ มันมืดไปหมดจนกระทั่งรู้สึกหิวและอ่อนเพลียมากเวลากระหายน้ําก็ใช้ลิ้นเลียกินตามที่น้ําที่หยดลงมาจากหินย้อยก็พอช่วยได้บ้างแต่มาหมดแรงนอนแผ่รอความตายอยู่ตรงนั้นมาตื่นแล้วก็รู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเห็นตะเกียงเจ้าพายุสามสี่ดวงที่พวกชาวบ้านตามเข้าไปช่วยออกมาเนี่ยแหละครับหลังจากที่แกเล่าจบลงก็ขอตัวขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อทองคําทิตต์ีโลจเจ้าวาดวัดถ้ำหลวงเชียงดาวบนกุฏิ หลวงพ่อทองคาได้ให้สีในยพรแล้วก็ได้นําแกมาฝากกับรถทัศนาจรที่ไปเที่ยวถ้าหลวงเชียงดาวให้พามาส่งที่สถานีขนส่งช้างเผือกในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อจะเดินทางกลับสู่บ้านเกิดที่จังหวัดลําปางต่อไปเนื่องจากดอยหลวงเชียงดาวเป็นเขาที่สูงใหญ่แล้วก็มีความกว้างยาวมากจึงมีเรื่องราวลี้ลับปรากฏอยู่เสมอๆ อ, อย่างเช่นจากปากคําของนายอ้แก้วปัญญาบอกว่า ตามตำนานเดิมของถ้ำหลวงเชียงดาวกล่าวไว้ว่าสมัยก่อนมีฤาษีตนหนึ่งนามว่าพรมฤาษีเป็นผู้มีฌานอันแก่กล้าสามารถเรียกประชุมเทวดาอินพรมยมยักษ์และนาคราชให้มาช่วยกันในร ม, มิด ส, สิ่งต่างๆว่าในถ้ำแห่งนี้เช่นพระพุทธรูปทองคำกลุกเยดีทองคำต้นโพธิ์ทองคำช้างเอราวัณหรือว่าช้างกายสิทธ์ม้าวิเศษดาบสีกัญชัยผ้าทิพอาหารทิพ ตลอดจนถึงเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นทิฟต์ส่วนที่ถ้ำแก้วมีความลึกมากมีผู้ที่เคยเข้าไปบอกว่าได้พบรอยเท้าผีเหมือนกับรอยเท้ามนุษย์มีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่ใหญ่ก็ใหญ่ผิดรอยเท้าคนธรรมดาทั่วไปนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทรายสูงประมาณสองเมตรเข้าใจว่าคงจะมีใครทําเอาไว้หากมีคนไปทําลายเจดีย์องค์นั้นให้ราบเรียบแล้วกลับออกมา พอรุ่งเช้ากลับเข้าไปอีกจะพบกองจะดีไซายกองใหม่ก่อขึ้นมาแทนที่นับเป็นเรื่องน่าอาัศาจรรย์มากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเพราะว่าได้เกิดขึ้นจริงๆแถมยังมีลานกว้างที่เต็มไปด้วยทรายไม่ต่างจากทะเลทรายเลยต่อจากถ้ำแก้วยังมีทางแยกไปถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกหลายถ้ำแต่ทางที่จะเข้าล้วนเป็นทางที่ลำบากยากที่จะเดินเข้าไปได้ ทำให้มีน้อยคนที่จะเดินเข้าไปถึงโดยเฉพาะผู้นำทางไม่กล้าจะนำนักทัศนาจรเข้าไปเพราะเป็นทางครุขระเสี่ยงต่ออันตรายนอกจากมีหินที่แหลมคมแล้วข้างๆทางเดินยังมีเหวลึกอีกด้วยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากพลาดพลั้งตกลงไปก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตในสมัยที่หลวงพ่อทองคำทิตตสศีโลมาดารงตาแหน่งเจ้า ว, วาดวัดถ้ำหลวงเชียงดาวนั้น มีเรื่องการลักขโมยพระพุทธรูปหินอ่อนจากถ้ำหลวงเชียงดาวจนไปสำแดงปาฏิหาริย์ในที่สุดคนร้ายต้องนำกลับมาคืนไว้ที่เดิมดังจดหมายของนายห้างสมบูรณ์โอสถที่ทางวัดถ้ำหลวงเชียงดาวเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานอยู่จนทุกวันนี้มีอาเขียนว่าสำเนาบริษัทเทวกรรมโอสถถนนกรุงเกษมนางเลองพระนครวันที่สิบกันยายนพศ2496 เรียนนายห้างสมบูรณ์โอสถที่นับถือผมต้องขอประทานโทษด้วยก่อนที่ผมจะขอความร่วมมือกับคุณเพราะว่าผมได้ตรึกตองมาแล้วไม่เห็นจะมีใครเหมาะสมเท่าคุณขอความกรุณาโปรดให้อภัยกับผมด้วยที่จะต้องรบกวนคุณขอให้ถือเสียว่าเป็นการช่วยเหลือพระพุทธศาสนาเถอะครับก่อนอื่นพร้อมกับหนังสือนี้ผมได้ส่งพระพุทธรูปหินอ่อนมาด้วยหนึ่งองค์ขอให้คุณได้โปรดรับไว้และกรุณาได้ปฏิบัติตามผมด้วยทุกประการนะครับข้อหนึ่ง ได้โปรดนําพระพุทธรูปองค์นี้ไปฝากไว้กับวัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแล้วแต่จะเห็นสมควรสองได้โปรดแจ้งกับเจ้าวาดวัดด้วยว่าพระพุทธรูปองค์นี้ประสงค์จะกลับไปอยู่ที่เดิมคือที่ถ้าเสือดาวเจ้าของเป็นฤาษีโปรดได้พยายามส่งข่าวให้ฤาษีทราบด้วยหรือจะฝากใครให้เอาไปคืนที่ถ้าเสือดาวก็ได้ผมได้ทราบเรื่องราวเมื่อวานนี้เองคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณเจ็ดปีมาแล้ว มีนายทหารปืนใหญ่คุมนายทหารไปพังประตูถ้าเสือดาวขณะที่ฤษีกําลังฉันเพลนแล้วนําเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปนายทหารผู้นั้นได้นําไปเก็บไว้ที่บ้านต่อมาก็ถูกย้ายมีหน้าซ้ำลูกก็พลัดตกน้ําอีกด้วยจึงได้ให้น้องชายซึ่งเป็นนายทหารนักบินไปนายทหารนักบินผู้นั้นก็ตกเครื่องบินสองครั้งเกือบตาย นายทหารนักบินจึงเห็นว่าถ้าขืนเอาพระพุทธรูปองนี้ไว้อาจจะถึงตายได้จึงนําไปว่าอ่ามอบไว้กับเจ้าคุณคุณหญิงต่อมาเจ้าคุณผู้นั้นก็ตายบ้านช่องบอดวายต่อจากนี้ไม่ทราบว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรอีกหลังจากนั้นได้มีคนคนหนึ่งเอาพระพุทธรูปองนี้ไปวางไว้ที่บ้านผมโดยไม่ได้บอกกล่าวกับใครเลยผมและคุณพ่อก็นึกว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็เลยทําบุญกันยกใหญ่ต่อมาคุณพ่อผมก็ตาย และในระหว่างนี้ภรรยาผมก็ล้มเจ็บถึงกับต้องผ่าท้องผ่าไส้เมื่อวานนี้เองผมได้ทราบความจริงทั้งหมดเพราะว่าเจ้าคนที่แอบเอามาไว้มาสารภาพความจริงผมจึงได้หาเรือเพื่อหาหนทางส่งคืนเจ้าของคือพระฤาษีที่ถ้าเสือดาวพอตกกลางคืนก็มาเข้าฝันว่าให้ส่งข้าไปทางรถไฟดีกว่าส่งถึงร้านขายยาร้านใดที่รู้จักแล้วบอกให้ส่งไปวัดแล้วให้วัดส่งข่าวไปที่ถ้าเสือดาว หรือจะหาทางอย่างไรให้ข้ากลับไปอยู่ท่ามเสือดาวก็แล้วกันผมจึงได้รีบส่งมาวันนี้ครับขอความการุณาจากคุณช่วยจัดการให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณแก่ผมอย่างยิ่งอันหนึ่งขอได้โปรดแจ้งให้ท่านเจ้าของทราบได้ว่าผมไม่ได้เป็นต้นตอที่นําเอาไปแต่เป็นผู้มีเคราะายที่ถูกเขานําเอามาทิ้งไว้ให้และเมื่อผมได้ทราบความจริงแล้วผมจึงได้รีบจัดการส่งมาโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ทั้งนี้เมื่อคุณได้จัดการไปอย่างไรแล้ว ได้ปลดส่งข่าวให้ผมทราบด้วยจะเป็นพระคุณอย่างมากขอแสดงความนับถือนายทองทศอินทรทัศน์พอรุ่งเช้านายทองทศอินทรทัศน์จึงรีบนําพระพุทธรูปหินอ่อนบรรจุใส่หีบและนําขึ้นรถไฟส่งไปที่ห้างสมบูรณ์โอสถจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเคยติดต่อค้าขายกันมานานพร้อมกับขอร้องนายห้างสมบูรณ์โอสถช่วยนําไปส่งที่ถ้าหลวงเชียงดาวซึ่งทางนั้นก็ได้เป็นภาระ ให้นําไปส่งถึงถ้ำหลวงเชียงดาวอันเป็นถิ่นพำนักเดิมของพระพุทธรูปหินอ่อนดังข้อความที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข้างต้นต่อมายังมีผู้นําพระพุทธรูปหินอ่อนไปอีกหลายครั้งแต่พอเจอกับอาถรรพ์เข้าอดทนไม่ไหวต้องรีบนํามาไว้ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวดังเดิมหนึ่งในจํานวนนั้นมีนายแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ท่านหนึ่งซึ่งได้ยินกิติศัพท์เข้าก็ไม่เชื่อและได้นําพระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้มาไว้ในโรงพยาบาล ปรากฏว่มามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือหมอกับหมอมีเรื่องชกต่อยกันบ่อยๆในที่สุดทนไม่ได้ก็รีบนำมาส่งคืนถึงทําหลวงเชียงดาวทำให้เจ้าวาดองค์ปัจจุบันเกรงว่าพระพุทธรูปหินอ่อนจะถูกคนลักเอาไปอีกอาจจะไปก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ครอบครองอันเป็นการสร้างบาปแก่คนที่ไม่รู้เรื่องก็เลยได้นาไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งโดยมีพระเนนพ้ารักษาตลอด24ชั่วโมงครับ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 เสร็จแล้วพอถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดของปีสองพันห้าอสี่สิบห้าผู้คนนับแสนจากทั่วสารทิศรวมทั้งชาวต่างประเทศที่อ่านข่าวนี้ในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆที่ร่วมมือกันโหมข่าวก็เดินทางมาชุมนุมกันนน่นขนัดที่ริมฝั่งโขงย่านจังหวัดน้อง k ายที่อำเภอโพนพิสัยริมฝั่งโขงเพื่อรอดูเหตุมาซัจ ร, รย์บั้งไฟพญายนาคซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในวันแหละ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 ก็เพราะว่ามีการลบหลู่หลายครั้งหลายรูปแบบแล้วเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆคืนนั้นเป็นคืนที่ภาพยนตร์เรื่อง15ค่าเดือน11ทำการฉายบนจอทั่วประเทศเนื้อหาในภาพยนตร์สร้างขึ้นทำนองว่าบั่งไฟปีญานาคเกิดเพราะฝีมือพระและเนในในวัดอ่าเป็นผู้สร้างสถานการณ์ให้เกิดบังไฟปีญานาคขึ้น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 อ่าของทหารหรือว่าเขาเรียกทหารกองหลอนเนี่ยแล้วก็การสัมภาษณ์ในบ้านที่บ้านโดนฝั่งประเทศลาวก็นําเรื่องราวเหล่านี้ออกอากาศถึงสองครั้งสองคราผลต่อมาก็คือการลุกฮือขึ้นต่อต้านของทัพชาวบ้านอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายมีทั้งสวและสสอของจังหวัดด้านหลังด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายกับจํานวนประชาชนนับพันนับหมืน่น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 ท่านอุปสมบทเป็นพระเมื่อปี2471เกิดที่ข้างๆวัดพระทาตพนมศึกษาในทางบาลีได้ป ร, รียนธรรม6ประโยคเป็นเจ้ า, าวาดวัดพระทาตุพนมเมื่อปี2480ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้วเป็นพระเถระที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชทางภาษาท้องถิ่นพื้นบ้านสองฝั่งลุ่มแม่น้าโขง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 แต่ว่าหัวหน้าพญา น, นาคทั้งเจ็บตนก็บอกว่าพ่อเน้นจะกลับแล้วเหรอขอไปด้วยนะเดี๋ยวจะไปสนทนากับท่านเจคุณพอพูดสิ้นคําก็เข้าร่างสัมมาเนนทร์ซับทันทีด้วยพลังจิตที่ทรงอนุภาพเหนือกว่าก็ทําให้สัมมาเนนทร์ซับหมดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองไปทันทีเพราะพญา น, นาคเข้าผ่านร่างแล้วสักครู่ก็มายกมือขึ้นไหว้ท่านเจคุณพระธรรมราชานุวัตรเสร็จแล้วก็บอกว่า กราบนามสการท่านเจ้าคุณครับหม่อมชันมาสองคืนแล้วอ้าวเอ๊ะอา้าวใครอะใครมาใครมาจากไหนพวกหม่อมชันเป็นพญานาคเกดตนมาจากสะอโนดัตในเทือกเขาหิมาลัยพญานาคเหรอหม่อมชันมีนามตามลาดับเป็นมงคล น, นามตามอริยท ร, รัพย์อันประเสรศิฐ องค์แรกมีนามว่าพยาสัตโทนาคราชเจ้าองค์ที่สองพยาศีลวุฒโทนาโคองที่สามพยาฮิริวุฒินาโคองที่สี่พยาโอตปะวุฒินาโคองที่ห้าพยาพาหุสัจจาวุฒินาโคองที่หกพยาจาควัตนาโคองที่เจ็ดพยาปัญญาเตชวุฒนาโค หม่อมชั้นทั้งเจดได้รับบัญชาจากสมเด็จพระอินทราธิราชเจ้าผู้เป็นใหญ่ให้มารักษาพระอุรังคธาตนะุนพระาธาตุพนมเนื่องจากเหตุพวกเทพปยาดาที่รักษาองค์พระาธาตุพนมอยู่ก่อนนี้นิสัยไม่ดีอาศัยแต่กินสินบนเส้นสวงของชาวบ้านพวกหม่อมชั้นได้ขับไล่เทพปยาดาชั่วช้าเหล่านั้นให้หนีไปหมดแล้วพวกหม่อมฉันไม่ต้องการอามิสินจ้างรางวัลเครื่องเส้นสวงใดๆทั้งสิน้น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 หรือว่าความรู้ของสัมมณเณรซับเองที่วาดภาพปรุงแต่งเรื่องราวให้ผีลึกผีลั่นเอาเองพูดเอาเองเพราะธรรมชาติของจิตนั้นมันเกิดมาก่อนสร้างโลกโดยส้ำจิตมันรู้สารพัดอย่างจิตมันท่องเที่ยวเวียนว่าอยู่ในห่วงวตัตฏสงขารมาแล้วนับล้านล้านกดอดกอดปีไม่รู้ต้นรู้ปลายมันก็สะสมความรอบรู้ไว้มากมายไม่มีสิ้นสุดเอเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับคุยเรื่องพญานาคกันต่อ สวัสดีครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อถึงเรื่องพญานาคทั้งเจ็ดตนที่มาที่พระธาตุพนมนะครับในวันเวลาต่อมาในพญานาคทั้งเจ็ดก็ผลัดกันมาเข้าผ่านร่างสามเณรรัพย์คือให้เป็นร่างทรงของพญานาคอยู่เรื่อยๆ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 ท่านทั้งเจดนะ่ะเป็นใครขอให้บอกมาตรงๆคําตอบที่ได้รับก็คือเป็นพญานาคทั้งเจ็ดมาจากสะอโนดัตในป่าหิมพันธ์สมเด็จพระอินทราธิราชผู้เป็นใหญ่ทรงมีบัญชาให้มาเฝ้ารักษาองค์พระทาตพนมเนื่องจากเหตุว่าพวกเทพปยาดาที่เฝ้ารักษาพระทาตอยู่ก่อนนิสัยไม่ดีชอบเห็นแก่อมิตรเครื่องเส้นสังเวยเล่ายาปลาปิ้งหมูเห็ดเป็ดไก่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 อันว่าสภาพร่างของพญานาคเป็นที่น่าสะพึงกลัวไม่งามตาสําหรับมนุษย์ไม่ใช่หรอือท่านเจ้าคุณเอาแล้วท่านมาเฝ้ารักษาองค์พระธาตุพนมนี้จะเฝ้ายัางไงมั่มชั้นพญาสัตโธนาคราชรักษาพระธาตุพนมนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือพญาศรีลวุฒโธและพญาฮิริบุธินาโค ร, รักษาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้พญาโอต ป, ปะวัถฒนาโคและพญาพาหุสัจจะ รักษาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้พญาจาคุตินาโคและพยาปัญญาเตชะรักษาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือท่านเจ้าคุณก็ถามต่อบไปว่าพญานาคนะ่ยมีความการกินอยู่หลับนอนอยังไงพวกหมอมฉันมีทิพย์บีมานอยู่ใต้องค์พระาธาตุพนมจะเรียกว่าอยู่ใต้บาดาลก็ถูกเป็นทิพย์บีมานที่สวยงามมากมีสระน้ามีสวนดอกไม้มีภูเขาเงินภูเขาทอง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 เมื่อสร้างพระธาตุพนมเสร็จแล้วพญาทั้งห้านครผู้ร่วมกันสร้างนี้ได้กลับบ้านเมืองของตัวและพระมหากระสปะเทระเจ้าพร้อมด้วยพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อรูปได้กลับไปสู่ชมพูทวีปแล้วสมเด็จพระอินทราธิราชเ จ, จ้าได้ทรงแต่งตั้งเทวดาจํานวนมากให้พากันอยู่ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมเทวดามีจํานวนทั้งสี่พันองค์มาเฮสักหลักเมืองอีกสามองค์เมื่อสถานที่ใดมีเทวดามาสิงสถิต ที่นั่นก็จะต้องเกิดมีสวรรค์วิมานของคู่บุญบา ร, รมีให้เทวดาได้อยู่อาศัยเสมอไปอันนี้เป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งในโลกวิญญาณเมื่อพวกมอมชั้นมาถึงวัดพระธาตุพนมเพื่อรับหน้าที่แทนเพื่อขับไล่พวกเทวดาเก่าแก่เหล่านี้ให้หนีไปหมดแล้วสภาวะทิพย์หรือปราสาทวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าของเทวดาเหล่านั้นก็หายไปเหมือนเงาตามตัวทิพย์วิมานหรือว่าที่อยู่อาศัยตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคประดามีของเทวดาทั้งหลาย ย่อมเกิดมาได้ด้วยกุศลผลบุญที่เคยสร้างสมไว้จัดเป็นบุญญาฤทธิ์คือฤทธิ์ที่เกิดด้วยบุญอย่างพวกมอมชั้นพอมาถึงพระธาตุพนมก็สแดงบุญญาฤทธิ์โดยอัตโนมัติก่อให้เกิดสวรรค์วิมานใต้บาดาลอยู่ภายใต้องค์พระธาตุเป็นอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์ท่านเจคุณก็ถามว่าเอาแล้วพวกพญานาคที่อยู่ใต้ดินใต้บาดาลนนะเขามีการหายใจกันได้ยังไง เขาก็ตอบบอกว่าทารกในคันมานดาหายใจได้ตัวด้วงในไม้หายใจได้พวกไส้เดือนในดินหายใจได้อย่างไรพวกพญานาคทั้งหลายก็หายใจได้อย่างนั้นดุจเดียวกันท่านโยคุณก็ถามต่อไปอีกว่าสั ม, มเนศทรัพย์เน่เป็นสั ม, มเนศมีศีลทังวนมีสมาธิถึงชั้นขณะที่สั ม, มเนศทรัพย์เข้าสมาธิตรวสอบในวันแรกได้พบท่านทั้งเจ็ดที่ลานพระธาตพนมนั้น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 พญานาคก็ตอบว่าธรรมดาผู้มีศีลสะอาดบริสุทธิ์รักษาปรมจันท ร, ร์ไม่มีด่างพร้อยขณะดำรงอยู่ในสมาธิฌานกำลังเข้าฌานอยู่ผู้ผีปีศาจมิจฉาทิฐิติดต่อด้วยได้แต่ไม่สามารถจะเข้าสิงบังคับให้สูญเสียสติสมัชัญญะได้ยกเว้นแต่ผู้เจริญสมาธิฌานในรูปแบบสายดาอันงมงายฝ่ายมิจฉาทิฐิอันนั้นก็ย่อมจะถูกพวกพูดผีปีศาจฝ่ายสายดา พวกเดียวกันเข้าสิงผ่านร่างให้เสียสติวิปลาดได้ในกรณีของสัมมเนีนทรัพย์เจริญชนันฝ่ายสัมมาธิฏิมีข้อยกเว้นอยู่ว่าวิญญาณชั้นสูงคือเทพบเจ้าและระดับพรหมสามารถเข้าสิงหรือเข้าผ่านร่างสัมเนีทรัพย์ได้ด้วยเหตุสองประการคือประการแรกเพราะว่าเทพเทวดาหรือพรหมเคยมีกรรมเก่าผูกพันกับสัมเนีทรัพย์มาก่อนในอดีตชาติ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 พวกท่านทั้งเ็ดนี้จะสงเคราะห์ประชาชนแบบไหนอะพญาสัตว์โทนาคราชก็ตอบผ่านร่างสามเณรซับบอกว่าพวกหม่อมชั้นจะขอยืมร่างสามเณรหรือว่าแม่ชีเป็นร่างผ่านร่างคารวัตไม่เอาเพราะคารัตถึงแม่จะรักษาศีลห้าหรือว่าศีลแปดได้แต่ก็ยังมีชีวิตคลุกคลีอยู่กับลูกเมียลูกหลานถือว่าไม่สะอาดบริสุทธิ์พอประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือจากพวกหม่อมชั้นนั้น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 เพราะว่าท่านเจ้าคุณพระธรรมราชา누วัฒน์ท่านมีภาระหนักในการเป็นประธานในการก่อสร้างองค์พระธาตุพนมใหม่ก่อนที่พระธาตุพนมจะโค่นล้มลงในเดือนสิงหาคมปีพศ2518นั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมคือก่อนหน้านั้นสามเดือนพยานนาคทั้งเจ็ดได้เตือนให้รู้ล่วงหน้าว่าองค์พระธาตุพนมสุดโทมแล้วขอให้รีบบุรณะปฏิสังขรณ์เสียโดยเร็ว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 นั่นก็เป็นเรื่องของพญานาคที่เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพญานาคเป็นสิ่งมีชีวิตอันมหัศจรรย์ทานองเดียว ก, กันกับชาวลับแลบังบทซึ่งอาศัยอยู่คนละมิติกับมนุษย์ทางพระเขาเรียกว่าคนละพบคนละภูมิกันผู้รู้กล่าวว่าพญานาคมีหลายระดับชั้นจำแนกย่อย พอเป็นที่เข้าใจก็คือมีตั้งแต่ชั้นสูงชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างชั้นสูงเรียกว่าพญานาคราชอุบัติขึ้นเองเหมือนเทวดาด้วยอำนาจกรรมบันดาลและมีริษ ธ, ธานุภาพยิ่งใหญ่มหาศาลเรียกว่าวิปากชาริตหมายถึงฤทธิ์ที่เกิดเองด้วยการบันดาลของกรรมอันมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง ชั้นกลางได้แก่พยานนากระดับบริวารเอกมีฤทธิ์มากเช่นกันส่วนชั้นล่างเรียกนาคเฉยๆฤทธ์ก็คือพิษร้ายที่มีประจำตัวเหมือนพวกอสรัรพิษทั้งหลายสำหรับบ้างไฟายพยานาคนั้นมีลักษณะคล้ายลูกไยดวงกลมสีแดงส้มๆส่วนใหญ่มีขนาดประมาณมะพร้าวลูกย่อมๆผุดขึ้นเหนือผิวน้ำในลาแม่น้าโขง พุ่งสู่ท้องฟ้าสูงประมาณ 20-30 เมตรแล้วดับวูบไปเองเป็นปรากฏการณ์ในแถบถิ่นลำน้ำขงซึ่งชาวบ้านทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเชื่อกันว่าเป็นการกระทาของพญานาะคเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาฝายนักวิทยาศาสตร์กลับระบุว่าเกิดจากการรวมตัวของก๊าซชนิดหนึ่งที่ใต้ลำขง แต่นักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้ว่าเหตุใดกา๊าซจำเพาะเจาะจงรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนในวันออกพรรษาเพียงคืนเดียวเวลาที่เหลือทั้งปีไม่เคยปรากฏบัางไฟพญานาคให้เห็นอีกเลยนักนั่งทางในบางคนฟันธงว่าบัางไฟพญานาคเกิดจากฤทธิอำนาจของเทพเจ้าที่ลงมาบำเพ็ญบารมีในเมืองบาดาลตลอดช่วงเข้าวรรษาสามเดือน ถึงวันออกพรรษาก่อนจะกลับสู่เมืองสวรรค์จึงสำแดงฤทธิ์เป็นพุทธบูชาส่วนตำนานเก่าแก่โบราณของเมืองหนองคายซึ่งมีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเส้นนี้เล่าสืบสืบกันมาว่าลำโขงทั้งสายรุบัติขึ้นจากอิทธิฤทธิ์ของพญานาคราชที่เคยรอรับสเสด็จพระบรมศาสดา หลังจากเทศโปรดพุทธมารดาและทวยเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะเสด็จคืนสู่ชมพูทวีปที่เมืองสังกัตสะทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีจารึกอยู่ในพุทธประวัติกล่าวคือทรงเปิดสามโลกให้มองเห็นซึ่งกันและกันประหนึ่งอยู่ตรงหน้าสามโลกที่ว่าได้แก่เทวโลกคือโลกสวรรค์โลกมนุษย์และยมโลก สร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้แก่พญานาคราชอย่างสุดซึ้งประกอบกับการเสด็จลงจากเทวโลกเมืองสวรรค์ตรงกับเทศกาลวันออกพรรษาพญานาคราชทั้งหลายจึงสั่งให้นาคบริวารจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาดวงประทีปของพญานาคจากใต้ลำูงก็คือดวงไฟที่ผุดขึ้นเหนือผิวน้าซึ่งสาธุชนไทยลาว เรียกว่าบั้งไฟพญานาคนั่นเองแต่ด้วยความที่พญานาคราชและพญานาคบริวารมีฤทธิ์มีเดชประหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ในสภาพกายทิพย์ก็ได้หรือกายหยาบอันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ได้หรืออยู่ในสภาพของงูใหญ่จะให้มีขนาดใหญ่มหึมาขนาดไหนก็ได้ อาทิเช่นพญานันโทปนันทนาคราชสมัยพุทธกาลซึ่งสามารถจำแรงร่างใหญ่กว่าเขาพระสุเมนม้วนขนดขวดร่างได้ถึงเจ็ดรอบภูเขาหรือจะจำแรงเป็นมนุษย์ก็ได้ดังเช่นเรื่องนาคคมานพที่พระอริยสงฆ์องค์อรหันต์่ายพระป่าทุดงกรรมฐานศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งได้แก่หลวงปู่ชอบฐานะสโม ท่านเมตตาเล่าไว้เมื่อครั้งที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดห้วยน้ำรินอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมที่เลื่อมใสปฏิปทาของหลวงปู่พากันมาตักบาตรทาบุญกับท่านเต็มสาวัตเช่นเคยซึ่งส่วนใหญ่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดียกเว้นอาคันตุกะแปลกหน้าเป็นบุรุษหนุ่มลักษณะองอาจภูมิฐานมีสงาราศีผิดธรรมดา แต่สวมใส่เสื้อผ้าเหมือนชาวบ้านทั่วไปจึงไม่มีใครผิดสังเกตเพราะการทำบุญใส่บาตรอริยสงฆ์เราก็ต้องการทำบุญกับท่านทั้งนั้นหลังจากพระสงฆ์องค์เนรขบฉันเสร็จแล้วอาหารที่เหลือก็เจอจานกับถือญาติโยมตั้งวงรับประทานกันเป็นกลุ่มแปดคนบ้างสิบคนบ้างแต่บุรุษลึกลับผู้นี้ไม่ร่วมวงอาหารกับใคร กลับแยกตัวไปนั่งสงบสำรวมเพียงลำพังผู้เดียวรอจนพระท่านให้ศีลให้พรแล้วก็ลากลับไปเงียบๆไม่เห็นว่ามีใครร่วมทางไปด้วยการเป็นอย่างนี้ติดต่อกันหลายวันสาหรับอาหารที่บุรุษภูมิฐานผู้ลึกลับนามาถวายพระบรรดาชาวบ้านที่ได้อาหารเจือจานไปตั้งวงสู่กันรับประทานบอกว่าดูเผินๆ เ, เหมือนอาหารพื้นบ้านเมืองเหนือทั่วไป แต่รสชาติพิเศษโอชะกว่าอาหารอื่นที่แต่ละคนเคยกินจนคุ้นชินรสชาติหลวงปู่เป็นพระนักปฏิบัติไม่ได้ใส่ใจในรสอาหารท่านคบฉันเพื่อดำรงทั้งขารไว้เพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปเท่านั้นจึงบอกไม่ได้ว่าอาหารของบุรุษลึกลับนะมีรสชาติแบบไหนและว่าจานไหนเป็นอาหารของบุรุษผู้นั้นแม้แต่สมมติส่์ถ้าเกิดติดใจในรสอาหาร จนถามถึงคนที่นำมาถวายย่อมเข้าข่ายโลกะวัชชะคือโลกตำหนิติเตียนโลกในความหมายนี้ก็ได้แก่ชาวบ้านนั่นเองส่วนญาติที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาความสงสัยย่อมเกิดขึ้นได้ต่างคนต่างก็หันหน้าไปไต่ถามคนที่อยู่ในวงอาหารแต่ก็ไม่มีใครรับหรือว่าเป็นญาติหรือว่ารู้จักมักจีกับบุรุษภูมิฐานคนนั้นสักคนเดียว ทิ้งให้เป็นปริศนาคาใจของศรัทธาญาติโยมให้คบคิดกันต่อไปกระทั่งวันสุดท้ายเมื่อบุรุษนิรนามปรากฏตัวมาถวายอาหารพร้อมดอกไม้ตามปกติหลวงปู่ชอบฐานะสโมซึ่งสำเร็จอภิญญาญาณว่าด้วยการรู้วารจิตของทุกสรรพสัตว์ในโลกที่เรียกว่าเจโตปริยญาณทราบความสงสัยของสาธุชนเป็นอย่างดี ท่านจึงเมตตาช่วยแก้สงสัยให้โดยไต่ถามบุรุษภูมิฐานนิรนามถึงที่อยู่อาศัยแต่บุรุษลึกลับให้คำตอบคุมเครือไม่ชัดเจนทำนองว่ากระผมบ้านอยู่แถวนี้เองขอรับแล้วก็นั่งสงบสํารวมตามเดิมรอจนท่านขบฉันเสร็จให้ศีลให้พรตามธรรมเนียมเมื่อบุรุษลึกลับกราบไหว้รับพรแล้วก็พละจากไป ท่านกำหนดจิตดูก็เห็นบุรุษผู้นั้นลงจากศาลาการประเรียนพอไปถึงสระน้ำของวัดก็อันตรฐานหายวับไปทันทีแสดงว่าเป็นพญานาะคจำแรงร่างมาเป็นมนุษย์เพื่อทำบุญใส่บาตรแก่พระอาริยสงฆ์เพื่อเสริมวาสนาบารมีของตน เมื่อพ้นจากสภาวะการเป็นพญานาคแล้วจะได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระศาสนาสามารถสำเร็จธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่ตั้งปณิธานเอาไว้พระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานนสโมครั้งยังเป็นพระป่าจาริกทุดงอยู่ตามปากเขาเถื่อนถ้าเนิ่นนานหลายสิบปีท่านได้เมตตาบอกเล่า ให้สิ์ก้นกุฏิรับฟังถึงประสบการณ์เจอพญานาคหลายครั้งหลายหนแบบต่างกรรมต่างวาระมีทั้งจำแรงร่างเป็นมนุษย์และมาในสภาวะพญานาคตัวจริงเพื่อขอโอกาสฟังธรรมจากท่านท่านกล่าวว่าพญานาคบางตนครั้งอดีตชาติก็เคยเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีชื่นชอบคารวะธรรมคือบริจาคทานรักษาศีลห้า แล้วก็เจริญภาวนาให้จิตสงบสงัดจากกิเลสเป็นครั้งเป็นคราวถึงวันธรรมสวนะคือวันพระก็เข้าวัดฟังเทศบรรณิบัติวัดถากพระสงฆ์องค์เนนตามสมครวรครั้นอยู่ไปจนสนิทกันจึงถือวิสาสะหยิบฉวยของใช้ภิกษสุสงแม้เพียงเล็กน้อยไปใช้ส่วนตัวด้วยอำนาจกรรมเพียงเท่านี้ก็บันดานให้หลังจากถึงแก่กรรมไปบังเกิดในภพภูมิของหน้า เรื่องอิทธิฤทธิ้นั้นพญานาคบางตนเคยแสดงให้ท่านดูกล่าวคือสามารถจำแรงร่างได้สารพัดอย่างนึกต้องการให้มีรูปร่างลักษณะอย่างใดก็เบือนบิดแปรเปลี่ยนสังขารได้ดังใจนึกดังคำพระที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประทานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจไม่ว่าจะแปลงเป็นมนุษย์เพศชายหรือเพศหญิงเด็กเล็ก คนเฒ่าคนแก่สัตว์ใหญ่น้อยทั้งดูร้ายและไม่ดูร้ายแม้แต่เป็นนายขมังธนูผู้ล่าสัตว์เป็นภักษาหารรูปรักษณ์ต่างๆที่ว่านี้จำแลงร่างได้ไม่มีสิ้นสุดตามแต่จะตั้งจิตปรารถนาให้เป็นอย่างไรแต่ทุกตนต่างให้ความศรัทธาเลื่อมใสในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านอย่างสูงสุดเนื่องจากท่านเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศในทางมีฤทธ เป็นที่ยอมรับของพระอาริยบุคคลทุกท่านในฝ่ายพระป่าธุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสาธุชนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าพญา น, นาคเป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิรู้บาปบุญคุณโทษและให้ความเคารพเลื่อมใสภิกษุสงฆ์ที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงพูดได้ว่ามีคุณพระรัตนตรัยเป็นสราะที่พึ่ง แต่ความจริงใช่ว่าพญานาคจะเป็นเช่นนั้นทั้งหมดบางตนก็เป็นฝวายมิจฉาทิฐิก็เคยปรากฏให้เห็นแม้สมัยพุทธกาลก็เคยแสดงความเป็นมิจฉาทิฐิมาแล้วอาทิเช่นพญานันโทปนันทะนาคราเป็นต้นสำหรับพระป่าทุดงกรรมฐานอย่างหลวงปู่หลุยจันทสาโรเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นภิกษุพรรษาไม่สูงบำเพ็ญเพียรแผดเผากิเลสอย่างอุเกรตที่ภูบักบิด จังหวัดเลยยังไม่บรรลุธรรมพิเศษเป็นพระอริยบุคคลองค์อรหันต์ก็เคยเผชิญพญานาคฝ่ายมิจฉาทิฐิมาแล้วเช่นเดียวกันเรื่องมีอยู่ว่าในปีนั้นหลวงปู่หลุยจันทสาโรยังมีสังขารร่างกายกล้าแกร่งบุกบันปลายปีนขึ้นสู่ยอดภูผ่านป่าดงพงรกชัด กเกาะเหนียวหูลทวันจากพื้นราบเชิงเขากว่าจะถึงยอดภูบักบิดยนระยะทางถึงสมกิโลเมตรเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมขั้นอุกฤติอย่างถวายชีวิตเป็นพุทธบูชารุ่งเช้าก็ต้องตายลงตามความลาดชันเพื่อบินทาศาดที่หมู่บ้านเชิงเขาขบชันแล้วก็ปีนไปกลับขึ้นที่เดิมบนยอดภูระยะทางไปกลับรวม6กิโลเมตรซึ่งลำบากยากแค้นแสนขิน กว่าระยะทางทเท่าเท่ากันบนพื้นราบหลายสิบเท่าแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุ้มค่าสมความอุตสาหะมานะพยายามก็คือการบำเพ็ญเพียรบนยอดภูแห่งนี้เกิดความเจริญรุดหน้าในทางธรรมดีเยี่ยมแต่ว่าสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ก็แห่มาทดสอบตบะสมาธิของท่านตั้งแต่คืนแรกเช่นเดียวกันเริ่มจากเปรตไพร ลักษณะพิลึกพิลั่นหน้าเสียวสยองที่มาขอส่วนบุญหากเป็นบิกษุบวชใหม่พรรษาน้อยมีสิทธริรมแตกรบคุมสติไม่อยู่วาดผวาในความน่าเกลียดน่ากลัวจะเพ่นจีวปรปลิวลงจากยอดภูตอนกลางดึกแน่นอนเพราะองค์ปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐานห้ามไม่ให้สิทธิ์ในสายคนท่านใช้วิชาอาคมเข้าสู้กับอาถรรพ์ป่า ต้องกระทําจิตให้สงบแผ่เมตตาอย่างเดียวถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมรับกระแสเมตตาอันชุ่มเย็นดุดน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จงอย่าได้อะไรในชีวิตเป็นอันขาดเปรตไพรับส่วนบุญและกระแสเมตตาจากไปแล้วเผลออีกไม่นานพญานาคฝ่ า, ายมิจฉาทิฐิก็สำแดงเดช จ, จูโจมหลวงปู่หลุยอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวพรวดพลาดมาด้วยความเร็วปานพายุ ส่วนท่านกำลังเจริญภาวนาไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีภัยมาถึงกว่าจะถอนจิตจากสมาธิเป็นจิตปกติร่างกายก็ถูกพญา น, นาคหมวนขนดขดร่างพันธนาการไว้แน่นเอียดหลายรอบพลังการบีบรัดมากมายมหาศาลยิ่งกว่าปลอกเหล็กรู้สึกเหมือนกระดูกทั่วร่างจะหักออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลมหายใจอึดอัดขัดข้องไปหมด ขณะนั้นท่านบริกรรมภาวนาพุทธลมหายใจเข้าโทลมออกจึงรวบรวมสติกำหนดคำว่าพุทธโธแล้วเป่าพวงไปที่กลางลำตัวพญานาคก็บังเกิดความมหัศจรรย์พญานาครู้สึกประหนึ่งบีบรัดอยู่กับก้อนเหล็กเผาลุกแดงรีบคลายพันธนาการพละจากท่านอย่างขยาดขาดเกรงท่านกำหนดจิตอธิษฐานแผ่เมตตาไปให้รเทศโปรดอีกพัใหญ่ จนพญานาคฝ่ายมิจฉาทิฐิละพยศร้ายถวายตัวเป็นกาลยานามิตรกับท่านในท้ายที่สุดหลายปีต่อมาเคยมีายาศรัทธาญาติโยมนมัสการถามท่านว่าพญานาคมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรท่านยิ้มอารมณ์ดีชี้มือให้ดูตัวอย่างจากบันไดาทางขึ้นโบสถ์ซึ่งนิยมทําปูนปั้นเป็นรูปพญานาคเลือ้อยลดคดเคี้ยวเหมือนกํลาลังโต้คลื่น หรือว่าใกล้ตัวหน่อยก็ให้ดูบนกล่องไม่ขีดไพลก็ได้ที่ชาว บ, บ้านเขานิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นแหละรูปร่างใกล้เคียงกับพญานาคตัวจริงท่านว่าอย่างนั้นนอกจากผู้ทรงศักดิ์ใหญ่แห่งพิภพใต้บาดาลระดับพญานาคราชและพญานาคแล้วก็ยังมีพวกนากระดับบ้านๆจำพวกพลเมืองนครบาดาลซึ่งมีฤทธิ์น้อย แต่นิยมยินดีจะได้ใกล้ชิดพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระศาสนาก็เคยมาปรากฏตามวัดวาอารามเช่นเดียวกันอาทิเช่นวัดป่าอารัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีนั้นหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏีโปมีอายุได้63าปีได้จัดพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์เนื่องในวันวิสาขาบูชาระหว่างนั้นมีสาธุชนถ่ายรูปนาคได้โดยบังเอิญ มีขนาดลำตัวเล็กมากแต่หลวงปู่ท่านตรวจดูจากภาพถ่ายแล้วระบุว่าเป็นพวกเราเดียวกับพญานาะคแล้วก็เมตตาเล่าให้ฟังว่าบางทีเขาก็มานอนขวางประตูกุฏิเหมือนกับคอยรักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ขโมยเข้าไปได้เพราะท่านกลับจากฉันอาหารที่ศาลากวานป ร, รียนบอกเขาไปว่ามาแล้วเขาก็เลื้อยพะละไปอย่างว่าง่าย แล้วก็หายวับไปเหมือนควันบุรี่เขาหายตัวให้เห็นต่อหน้าต่อตาเพื่อให้ท่านเห็นว่าเป็นเขาจริงๆอีกคราวหนึ่งท่านลงบันไดกุฏิประมาณตีสี่เพื่อทําวัดเช้าก็พบเขานอนขดอยู่ใต้บันไดท่านจึงร้องทักขึ้นว่าอา้าวมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเขาก็เลื้อยออกจากใต้บันไดแล้วหายวับไปเลยต่อมามีภิกษุรูปหนึ่งมาจากอุดรธานีบวชได้ประมาณเจ็ดพรรษา อยู่ปรนิบัติวัดถากหลวงปู่เปลี่ยนโดยปรวรนาตัวเป็นสิทธิ์ขอโอกาส ศ, ศึกษาเรียนรู้ในทางธรรมไปเห็นนาคอยู่บนกุฏิของท่านจึงเอาไม้กวาดเขียออกไปท่านกลับมาเห็นเขา้าก็ห้ามไว้ไม่ให้เขาทำล่วงเกินเขาอย่างนั้นส่วนเขายังโกรธอยู่รุ่งขึ้นภิกษุจากอุดรตาบวมลืมไม่ขึ้นทั้งสองข้างออกบินทบาทกับหมู่คณะไม่ได้ การขบฉันต้องให้หมู่พวกจัดเตรียมอาหารไปให้ขวานตาจะหายบวมก็เกือบเกือบสามโมงเย็นเหตุที่บวมก็เพราะโดนพ่นพิษใส่ในตาแบบสั่งสอนไม่ถึงกับตาบอดหรือมรณะภาพภิกษุรูปนั้นอยู่กับท่านไม่ถึงสิบวันก็เปิดหนีกลับเมืองอุดรไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้ามีภิกษุมาอยู่ใหม่ท่านจะกำชับไว้ทุกรูปถ้าเห็นเขาอยู่บนกุฏิท่านอย่าไปยุ่มย่ามกับเขา เขาในที่นี้ก็คือนาคนั่นเองแต่อาจจะเป็นนาคบริวารรับบัญชาจากพญานาคมาทำหน้าที่องครักษ์ดูแลความปลอดภัยให้หลวงปู่สำหรับพระป่าทุดงกรรมฐานนับแต่องค์ปรมาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตลอดถึงบรรดาอักครสิตรุ่นแรกและรุ่นต่อๆมาซึ่งส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดได้บรรลุธรรมวิเศษเป็นพระอริยบุคคล การพบเจอพญานาคถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากพญานาคมักจะจำแลงร่างเป็นมนุษย์มาขอโอกาสพังเทศอยู่เสมอบางครั้งก็มาในร่างพญานาคตัวจริงเพราะมีฤทธิ์มากสามารถผนึกมวลสารในอากาศให้ปรากฏเป็นกายหยาบได้แต่กับปุตุชนคนธรรมดาทั่วไปโอกาสพบเห็นพญานาคแทบเป็นไปไม่ได้เลยจึงเกิดความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งปะเหมาะ ยังกล่าวหาว่าเป็นนิทานจักจักว ง, วงวงไปโน้นนะครับท่านเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ชูวัดนาคปรกบางขุนเทียนกรุงเทพไหมครับหลวงปู่ชูนี่เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งเป็นคารวะได้เดินทางมาสแสวงโชคจนถึงบางขุนเทียนกรุงเทพรับจ้างทําสวนด้วยความขยันขันแข็งที่สุดก็ได้แต่งงานอยู่กินกับลูกสาวเจ้าของสวนจนมีพยานรักสามคนหลวงปู่ชูเมื่อครั้งเป็นคารวะนั้นชอบศึกษาวิชาอาคมแล้วก็มักจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยว่าจะต้องเดินทางไปศึกษาคาถาอาคมจากอาจารย์ต่างถิ่นอยู่เสมอ ที่สุดทางพ่อตาก็เลยให้เลือกระหว่างการทํามาหากินกับการศึกษาคาถาอาคมหลวงปู่ชูก็เลยแยกทางกับภรรยาตั้งแต่บัดนั้นเมื่อเห็นว่าชีวิตไม่มีแก่นสารอะไรญาติพี่น้องก็ไม่มีก็เลยทําการอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระหรือว่าท่านเจ้าคุณเท่าวัดหนังเป็นพระอุปชา แล้วท่านก็มีนามฉายาว่าคังคะนามะได้ขึ้นธุดงควัดกับท่านเจ้าคุณเท่าเสร็จแล้วก็ออกเดินทุดงไปศึกษาวิชาตามป่าตามเขาจนมีพลังจิตแก่กล้าได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากท่านเจ้าคุณเท่าไว้มากเมื่อวัดนางชีชำรุดสุดสมท่านเจ้าคุณเท่าได้มอบหมายให้หลวงปู่ชูที่เป็นพระลูกวัดวัดหนัง ไปเป็นแม่กองบุรณะปฏิสังขรณ์หลวงปู่ชูก็อาราธนาท่านเจ้าคุณเท่าสร้างวัตถุมงคลพระปิดตาเนื้อตะกัวจากนั้นหลวงปู่ชูก็ได้นําไปแจกเพื่อหาอไรายได้มาบุรณะวัดหนังชีแล้วก็สร้างพระ เ, เจดีย์ใหญ่ไว้เป็นสำคัญในงานฉลองเจดีย์มีท่านเจ้าคุณเท่าวัดหนังมาเป็นประธานก็ได้นําพระปิดตามาบรรจุไว้ พร้อมกับของมีค่าที่ชาบ้านร่วมบรรจุมากมายเมื่อจเจ้าอาวาสวัดนาคปลกว่างลงท่านจุคุณเท่าก็บัญชายหลวงปู่ชูไปดํารงตําแหน่งจเจ้าอาวาสครั้นเมื่อถึงเวลาพระราชทานเพลิงศพท่านจุคุณเท่าหลวงปู่ชูไปร่วมงานแล้วก็ยืนน้ําตาไหลพร่าเมื่อไฟเผาสรีระท่านจุคุณเท่าผู้เป็นพระอุปชาจนมอดไหม้ด้วยความอาลัยรัก แล้วก็ในงานทําบุญระลึกถึงท่านจุกุลเท่าวัดหนังทุกครั้งหลวงปู่ชูนี่จะมาร่วมไม่เคยขาดหลวงปู่ชูท่านเป็นเจ้าตํำรับยาดองมะกรูดอันว่ายาดองมะกรูดของสำนักอื่นเนี่มีคุณสมบัติไม่ครอบจักรวาลแต่ของหลวงปู่ชูนี่ครอบจักรวาลเพราะท่านปลุกเสกด้วยาคาถาขุมจึงทําให้มีอนุภาพสูงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บท่านให้เป็นทาน ใครอยากได้ก็มาตักเอาไปไม่มีการเรียกร้องเงินทองแม้แต่บาทเดียวและเมื่อคนนํายาไปกินแล้วหายจากโรคก็จะพากันมาบริจาคเงินยาดองมะกรูดของหลวงปู่ชูก็เลยนำไรายได้เข้าวัดจนสามารถนํามาใช้ในการบูรณะวัดนางชีจนสมบูรณ์ในที่สุดในานามนี้เล่าให้ลูกหลานฟังถึงความแก่กล้าทางคาถาอาคมของหลวงปูช่ชูหลายครั้ง ที่ในนามเข้าไปในกุฏิหลวงปูช่ชูเมื่อท่านเรียกใช้พอเข้าไปก็ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวหลวงปู่ทั้งที่กุฏิก็โลง่ลงงก็เที่ยวเดินตามหาก็ไม่เจอหนักข้าก็จะกลับออกไปก็ได้ยินเสียงหลวงปู่พูดไอ้เซอ่อเอ้ยข้าก็นั่งอยู่ที่อาสนะนี่แหละเอ็งเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตั้งนานนดีว่ามาเหยียบกราเขาไ พอในนามหันกลับไปมองก็เห็นหลวงปู่ชูนั่งยิ้มอยู่บนอาสนะก่อนหน้านี้ในนามบอกว่าไม่เห็นจริงๆแสดงว่าปู่ชูนี่ทั้งแกล้งล้อเล่นด้วยวิชามาหากรรบังทําให้มองไม่เห็นจนในที่สุดในนามก็คุ้นเคยก็ไม่ได้ใส่ใจอีกครั้งหนึ่งในนามเข้าไปเก็บกวาดกุฏิขณะหลวงปู่ชูกําลังนั่งพักผ่อนพอเก็บกวาดทําความสะอาดเสร็จแล้วหลวงปู่ก็พูดขึ้นว่า เ อ, อ้ยน้ำเองนะ็งเนี่ยมันขยันนะเ อ, อหนักเอาเบาสู้เป็นคนดีนี่เอ็งไปเก็บจีวรที่กระแขวนไว้ที่สายระเดียงคําว่าสายระเดียงหมายถึงราวตากผ้าจีวรในกุฏิพระที่ทําจากเส้นหวายแทนที่จะใช้เส้นเชือกหรือว่าเส้นลวดเอ็งเอาจีวรไปตากแล้วกลับมาหาข้านะข้าจะทําอะไรให้ดูพอในน้ำตกักจีวรเสร็จก็เดินกลับมาหาหลวงปู่ชู หลวงปู่ก็บอกว่าเอ็งเคยเห็นนักเล่นกลไหมล่ะเดี๋ยววันนี้ข้าจะแสดงกลให้เอ็งดูในนามกนมมรส ก, การถามว่าหลวงปู่ไปหัดเล่นกลมาจากไหนล่ะครับจะเล่นอะไรผมดูครับเอ็งดูสายระเดียงนะ่ะมันเก่าแล้วก็หวายแตกเป็นริ้วๆเดี๋ยวข้าจะเอาปากกัดมาให้ขาดจะได้เปลี่ยนเส้นใหม่โห้ไหวนะหลวลงปู่วันฟางคลอนหมดแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปกัดไหวระเดียงให้ขาดนะครับ ไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้ใช้ปากกัดแต่ใช้ปากเป่าลมไปตัดให้มันขาดย่างหากเราหลวงปู่ขนาดเอามีดโต้ตัดยังองอกันทั้งหลายทีถึงจะขาดนะไหวมันเหนียวนะครับเออหนะ้าเอ็งไปดูสิว่าสายระเดียงไหวมันมีรอยขาดรอยมีดตัดบ้างหรือเปล่าดูให้ดีแล้วกลับมาบอกข้าหลังจากในนามเข้าไปดูทั่วแล้วไม่พบพิรุษก็กลับมาบอกหลวงปู่จู ยังยังไม่ต้องเปลยนหรอกครับมันยังเหนียวแน่นอยู่เลยเองเข้ามานั่งใกล้ๆคานี่มองดูสายระเดียงไหวยอย่ากระพริบตาไว้ก่แล้วกันในานามเล่าว่าเมื่อตนเข้าไปนั่งใกล้ๆหลวงปู่แล้วก็มองไปทางสายระเดียงไหวายส่วนหลวงปูช่ชูท่านนั่งผนมมือปากขมบขมิบสายตาก็เพ่งไปที่สายระเดียงไหวายไม่กรบพริบตาสักครู่ก็เป่าลมออกมาจากปากเสียงดังพ่วง ในนามบอกว่าหากไม่ได้เห็นด้วยตาใครมาเล่าก็จะไม่เชื่อเด็ดขาดสายระเดียงหวายห่วยย่บสั่นไปมาแล้วขาดกลางดังปึง้งในนามถึงก็นั่งตกตะลึงหลวงปู่ชูต้องบอกให้ลุกขึ้นไปดูก็เลยลุกไปดูที่สายระเดียงหวายในนามเล่าบอกว่าสายระเดียงหวายขาดกลางเลยครับเหมือนจะมีใครเอามีดคมๆมมาตัดไม่มีรอยฉีกหรือรอยเนื้อปริด น่าสัจ์ใจเหลือเกินที่ลมปากหลวงปู่ท่านมีพลังคมยังมามีดนี่ละมั้งที่เรียกว่ากำลังภายในเมื่อหลวงปู่ชูพาดหนักในปีพศ .2475 ในเหลี่ยมลูกชายคนรองของท่านได้มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่ออุปถักหลวงปู่ชูผู้เป็นโยมบิดาได้กราบเรียนหลวงปูช่ชูว่าโยมพ่อบอกตัวยามาที่กระผมจะไปเจียดมาต้มให้ฉัน พอดูอาการแล้วยมพ่ออาภาษหนักมากๆขอบใจมากนะไม่ต้องเป็นภาระอะไรรักปุ่งนี้กูจะหมดเรื่องหมดกังวลหมดภาระแล้วพอพระทิตตกดินหลงปู่ชูก็เรียกพระเหลี่ยมมหาในกุฏิให้ช่วยประคองในะท่านคล้องผ้าผ้าสังกติรัดประคด อ, อกเรียบร้อยเสร็จแล้วก็สั่งพระเหลี่ยมเป็นคำสุดท้ายว่าข้าจะนั่งสมาธิจนถึงรุ่งเช้า เจ้าเฝ้าหน้ากุฏิให้ดีอย่าให้ใครเข้าไปรบกวนค่ะพรุ่งนี้ฟ้าสางถ้าหากข้าไม่เปิดกุฏิออกมาเจ้าก็เข้าไปดูแล้วเขาจะรู้กันตรงนั้นแหละพระเหลี่ยมออกมานั่งร้องไห้นอกกุฏิเพราะรู้ว่านั่นคือการบอกลาเป็นคําสุดท้ายของโยมพ่อพอ ร, รุ่ง s างพระออกบินธบดีแล้วพระเหลี่ยมเขาเปิดกุฏิเข้าไปดูก็เห็นหลวงปู่ชูนั่งสมาธิก็คิดว่าคงจะนั่งสมาธิรักษาอาการป่วย ก็เลยเข้าไปจับตัวปรากฏว่าตัวเย็นเจ็บเอามือรอที่จมูกก็ไม่มีลมหายใจพอขยับตัวร่างของหลวงปู่ก็เอ็นลงด้านข้างท่านมรณาภาพในท่านั่งสมาธิมาตั้งแต่ตอนใกล้รุ่งแล้วพระเลี่ยมก็ไปตีกลองเาคาะระฆังบอกเหตุว่าหลวงปู่ชูมรณาภาพแล้วพระเนรย่าโยมก็ร้องไห้กันระงมเพราะว่าอะไรในคุณงามความดีของท่าน ทุกวันนี้รูปหล่อของท่านที่วัดนาคปรกมีแผ่นทองปิดหนาจนมองไม่เห็นเนื้อโลหะเลยทีเดียวหละครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับครูบาลุ่มสันตจิตโตแห่งวัดปากดกอำเภอลมศัก์กจังหวัดเพชรบุรีเป็นอีกท่านหนึ่งที่ออกธุ ด, ดงตั้งแต่ยังเป็นสา ม, มนเณรน้อย เพราะว่าท่านเป็นโรคปวดศีรษะตั้งแต่ยังเป็นเนนก็เลยฝึกนั่งกรรมฐานแก้โรคปวดศีรษะและในที่สุดก็ตัดสินใจออกทุดงเดี่ยวเพียงลำพังได้บริขารทั้งบาททั้งกรดจากญาติโยมที่ประวรณาไว้แล้วก็รอนแรมไปวัดพระพุทธบาทสระบุรีด้วยรู้ข่าวว่ามีพระอาจารย์เก่งๆมาจุนุมอยู่มากก็ใครจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ขลังๆสักท่านหนึ่ง ด้วยวาสนาบารมีที่สร้างไว้จต่ปางก่อนก็ช่วยให้ท่านได้พบหลวงพ่อกิมแมงซึ่งเป็นพระป่าทุดดงกรรมฐานอายุแก่เท่าเกือบร้อยปีแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ท่านก็อนุโลมรับเป็นศิษย์พาติดตามทุดดงไปทุกป่าเขาเถื่อนธรรมทั้งป่าเมืองไทยเมืองลาวจนถึงที่เบตดินแดนหลังคาโลกอันหนาวเน็บตอนอยู่เมืองลาวเนี่ยยังมีโอกาสได้พบศิษย์เอกของหลวงพ่อซึ่งเป็นบุคคลน้องชาวลาว นั่นก็คือในพลกองแลผู้มียุทธวิธีในการสู้รบยอดเยี่ยมประวัติการรบเคยนำทหารลาวใช้อาวุธล้าสมัยเข้าสู่สมรภูมิรบกับทหารฝรั่งเศสสามารถโจมตีจนกองทหารฝรั่งเศสแตกพ่ายยับเยินทิ้งอาวุธยุทธโธปกรณ์ทันสมัยให้ในายพลกองแหล่านำไปติดเขี้ยวเล็บให้แก่ทหารลาวหลังจากติดตามหลวงพ่อผู้เท่าชรา ทุดงอยู่ตามป่าฝั่งลาวและที่เบตหลายปีจนล่วงวเป็นสมณเณรวัยรุ่นคราวหนึ่งได้ข้ามโขงกลับมายังป่าฝั่งไทยที่บ้านนาตะเชงรอนแรมมาถึงอำเภอท่าลี่มาถึงก็ตอนโผลเพก็เลยอธิษฐานปักกรดพักแรมใต้ต้นมะม่วงป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณสักสามสี่กิโลเมตรท่านก็ไม่นึกไม่ฝันว่าไปรอนแรมไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้า จะกลับมาเจอดีเข้าให้ที่ป่าเมืองไทยเนื่องจากต้นมะม่วงที่อาจารย์กับสิทธิ์มาปักปลดอยู่ใกล้กันนั้นน่ะมีสิ่งลี้ลับสิงสู่อยู่มันเริ่มสันแดงเด็ดหลังจากอาจารย์กับสิทธิ์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่เหตุกำลังจะเอ็นร่างลงนอนพักผ่อนทังขานโดยเฉพาะพระอาจารย์คือหลวงพ่อกิมแมงตอนนั้นท่านชราภาพมากแล้วอายุร้อยปีเสร็จแล้ว แต่วเดชบุญที่ท่านยังแข็งแรงแก่งกล้าอยู่จาริกตุดงได้ถึงไหนถึงกันผีร้ายเห็นพระเนนอ่อนแรงกำลังจิตก็อ่อนลงเป็นอัตโนมัติมันก็อาละวาดหลอกหลอนเริ่มขยาวขวัญโดยปรากฏร่างใหเห็นถึงความสยองความน่าเกลียดน่ากลัวท่านเพิ่งเจอผีเป็นครั้งแรกอย่างไม่นึกไม่หวั่นถึงก็นั่งแข็งทื่อตัวเย็นเจี๊ยบอยู่ในกรดได้แต่จ้องมอง มันแสดงการหลอกหลอนด้วยการทำเป็นกระโจนขึ้นตนมะม่วงแล้วพลัดตกลงมาอย่างแรงร่างกระแทกพื้นดังครูมใหญ่ได้ยินไปไกลในความเงียบสงัดเท่านั้นยังไม่พอผีเฮี้ยนยังกระโจนอีกเป็นคำรบสองแล้วก็พลัดหล่นลงมาเอาหลังฟาดดินดังสนั่นตามเคยมันทำแบบเดียวกันนี้ติดต่อกันถึงห้าหกครั้งแต่ละครั้งก็จะร้องเหมือนเจ็บปวดสเสต็มประดา ได้ยินเสียงโอยโอยยาวเ ย, ยือกหน้าขนลุกขนพองท่านได้แต่นั่งมองมันหลอกหลอนเหมือนกระถูกมวนสะกดหายใจไม่ตัวทองกระดิกกระเดียไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วมือและทันใดท่านก็ได้เห็นหลวงพ่อกิมแมงพระอาจารย์ท่านเอาแส่ที่ผูกติดมักรกลดเดินขวาความมืดไปยังต้นมะม่วงผีสิงใช้แส่เคียนต้นมะม่วงแรงๆสองสาครั้งแล้วก็พูดจะมัน เอานี้นะนี่นะแผ่ส่วนกุศลให้กว่าดื้อด้านไม่ยอมรับเจ้าผีเปรตหาทิพผุดที่เกิดไม่ได้สิ้นเสียงตะวาดของหลวงพ่อซึ่งเป็นพระดีพระขลังพลังจิตแก่งกล้าพลันก็มีเสียงวัตถุลึกลับล่นละลิ้วลงจากต้นมะม่วงกระแทกดินดังตบใหญ่ก่อนที่จะกลิ้งหลุ น, ลนไปตามความลาชันของไหล่เขาพร้อมกับส่งเสียงครวญครางโอยๆไกลออกไปจนไม่ได้ยินอีก เป็นอันว่าคืนนั้นตื่นเต้นตกใจจนไม่เป็นอันหลับอันนอนยกเว้นหลวงพ่อกิมเมงเมื่อขับไล่เจ้าผีร้ายจากไปแล้วท่านก็กลับเข้าไปจำวัดในกรดได้เป็นปกติต่อมาพระอาจารย์พาไปทุดงยังป่าเมืองพม่าซึ่งยังเป็นป่าดึกดำบันส่วนใหญ่เป็นพยาไม้ขนาดหลายคนโอบคณะชุดงคราวนั้นมีด้วยกันหรูปเป็นแนนเซียสองรูป วันหนึ่งแวะบินธบาฉันอาหารที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ออกทุดงลัดเลาะไปตามป่าบนภูเขาเตี้ยๆจนกระทั่งบา่าย ก, กว่าก็ยังหาแหล่งน้ำที่จะฉันไม่ได้จนพากันมาถึงป่าไผ่มีลักษณะเขียวขจีกว่าแห่งอื่นท่านกับเพื่อนเนนก็รับบัญชาจากหลวงพ่อให้ไต่ลงจากเนินเขาไปดูก็พบแอ่งน้าเล็กๆเข้าแอ่งหนึ่งอยู่ใกล้กระจมปลวกขนาดมหือมาสูงท่วมหัว ก็เลยเอากรดกระบาดวางพิงจอมปลวกไว้เอาเครื่องกรองมากรองน้ําใส่กระติกเพราะว่าหิวน้ําจนตาลายแบ่งน้ํากันดื่มจนหมดกระติกสมหย่ักจากนั้นก็กรองน้ําใส่กระติกจนเต็มปรีเพื่อเอาไปถวายหลวงพ่อกับหลวง พ, วงพี่เสร็จแล้วก็ย้อนไปเอากรดกระบาดซะก่อนตอนนี้หายตาลายนะสายตาเริ่มเห็นชัดตามเดิมก็เลยเห็นสิ่งที่นึกว่าเป็นจอมปลวกขนาดมหฮือมา ความจริงเป็นงูยักษ์นอนขดเป็นกองสูงเท่าภูเขาย่อมย่อมอยู่ข้างหนองน้ำลำตัวเขามันใหญ่ยังกระเสาเรือนกำลังพองหัวขึ้นสูงแลบลิ้นแปรแปๆอยู่ไปมาลูกตาของมันโปนโตยังก็ลูกมะเขือมีอำนาจขยาวขวัญอย่างใหญ่หลวงเพื่อนเน้นที่ลงมาเอาน้ำด้วยกันตะ ก, กายวิ่งขึ้นเนินเขาแบบไม่คิดชีวิตปาก็ร้องล่นงูงูอยู่คาเดียว ส่วนท่านน่ะเดินถอยหลังขึ้นเนินจนหลวงพ่อถามขึ้นข้างหน้าก็มีทาไมไม่เดินเอาแต่เดินถอยหลังฮะผมผมกลัวงูครับโปรดกระบาดก็อยู่ที่งูครับหลวงพ่อท่านก็ย้อนถามงูมันแย่งโปรดแย่งบาทไปหรอืองูมันยังอยากจะบินทะบาดเองละมัง่งปล่าครับผมเอาไปวางพิงมันไว้ครับ ปรากฏว่าพระอาจารย์ก้าวเดินลงจากเนินเขาไปหยิบทั้งกรดทั้งบาดจากข้างๆ ง, งูยักษ์กลับขึ้นมาบนเนินเขาได้อย่างหน้าตาเฉยแล้วท่านก็บอกว่ารั้งวันน่ะไอ้เหลือมมันตาฟ้าฟางไม่ดุรรอกตาฟางเหมือนกับพวกแกตอนหิวน้ํามาแล้วจากป่าเมืองรม่าบุกบันกันไปถึงดินแดนหลังคาโลกคือทิเบตตอนใต้หลวงพ่อมีพระเพื่อนเป็นลามะชาวทิเบต พบป่าสนทนาในทางธรรมกับลามาธิเบตหลายแห่งตลอดรลายทางทุดงคราวนั้นนับเป็นการเปิดหูเปิดตาครั้งสําคัญของครูบาลุ่มสมัยเป็นสมณีนวัยรุ่นทีเดียวกลับจากทิเบตแล้วก็ติดตามพระอาจารย์ไปทุดงในเขตภูเขาสามหมื่นโปรดชาวบ้านป่ามาเรื่อยๆจนถึงกลางดงดิบแห่งหนึ่งมีลําห้วยน้ําใสไหลผ่านก็อธิษฐานปักกดทําความเพียรที่ป่าแห่งนั้นพอตกดึก อาถรรพ์ป่าก็เริ่มสังเด็ดเกิดเสียงพายุใหญ่พัดฮือโหมมาจากทางตะวันออกจากป่าไม้ไร่โดนแรงลมมาหาศาลหักผงผางยังกับป่าแตกพอทะลุจากราวป่าก็พัดหมุนวนเหมือนพายุหมุนแต่ว่ารอบปริมณฑลที่ปักกลดเหมือนกับมีกำแพงแก้วที่มองไม่เห็นป้องกันอยู่ส่วนรอบนอกกำแพงนั้นเศษกิ่งไม้ใบหญ้าผงคลีก็ถูกพายุออบขึ้น อากาศนี้คระกรุงยังกะเกิดกะลิยุกเออดูท่าไม่ใช่ลมธรรมดาเสียแล้วแต่ยังอุ่นใจว่าถ้ามีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นก็ยังมีพระอาจารย์ผู้เท่ารับหน้าอยู่พายุที่เกิดโดยไม่มีปีมีคลุยสำแดงความบ้าคลั่งอยู่ประมาณสิบนาทีก็หยุดพักกลายเป็นความสงบสงัดชนิดเงียบในความเงียบเงียบจนหูอื้อทีเดียว ท่านจงโกมองไปยังกรดของหลวงพ่อก็เห็นท่านนั่งขัดสมาธิสงบนิ่งไม่รู้ไม่ซีไม่ร้อนไม่หนาวกําลังใจก็เลยดีขึ้นแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นอยู่ๆท่ามกลางความมืดอันสงัดเงียบก็ได้ยินคล้ายๆเสียงก้อนหินขนาดยักษ์ลนจากที่สูงดังสนั่นลั่นไปทั้งป่าแล้วกลิ้งโครมครามลงมายังจุดที่มีกรดอยู่คะเนจจากเสียงอันอึกกระทึกครึอโครมเวลาก้อนหินยักษ์กลิ้ง ทั้งโกรธทั้งพระเนรในกรดมีหวังแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีแน่นอนแต่ชงโงกมองดูหลวงพ่อที่นั่งเป็นเงาดำตะคุ่มในกรดก็เห็นอย่างใจเย็นเป็นปกติไม่รู้ร้อนรู้หนาวสิทธิ์อย่างท่านก็เลยแข็งใจนั่งนิ่งๆไปด้วยทั้งที่อกสันผัอนแผนอยากจะเพ่นให้จีวรปลิวเสเดี๋ยวนั้นแต่แล้วก็เกิดอัศจรรย์ว่าก้นหินยักษ์ซึ่งกลิ้งมาเร็วยังกับพายุมาชงงะงักกึกอยู่หน้าเขตบริมนทนโดยรอบกรด เสร็จแล้วก็หายวับไปเหมือนกับภาพในฝันร้ายความตกใจยังไม่จางหายไปจากท่านเสียงก้อนหินยักษ์ก็ดังขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็กลิ้งหลุนหลุนลงจากที่สูงเป็นซ้ำสองผิดกันก็ตรงคราวนี้มันดังกว่าเก่าจนแผ่นดินสะเทือนลั่นเลื่อนไปหมดแต่ก็เหมือนครั้งแรกคือมีอันเป็นไปต้องหยุดอยู่กับที่แล้วหายวับไปเป็นอย่างนี้ซ้ํำสามซ้ำสี่พระอาจารย์นั่งอยู่ในกรดก็พูดขึ้นดังๆบอก เอ้ยหยุดเถอะท่านพูดพูดเจริญเสียงก็ดีพายุก็ดีเป็นอำนาจของท่านทำไม่เกิดขึ้นขอให้หยุดเสียถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอาตมานี่แหละจะทำให้ท่านหยุดเองสิ้นเสียงคําประกาศของหลวงพ่อก็มีเสียงนกแสกแผดขึ้นดังจนแสบแก้วหูตามมาด้วยเสียงเหมือนกับคนปวน ค, วนครวนครางหููหทอดยาวแย่เยือกฟังแล้วเสียววาไปทั้งไขสัหลัง สิ้นเสียงครางขยาวขวัญ น, นั้นก็มีเสียงพูดว่าพวกเรามาขอส่วนบุญจากท่านผู้มีศีลพวกเราสิงอยู่ในป่าแห่งนี้มานานนักหนาแล้วหาที่ไปผุดไปเกิดไม่ได้อยากจะขอให้ท่านเป็นที่พึ่งหลวงพ่อกิมแมงท่านผ่านการปฏิบัติจิตบรรลุธรรมชั้นสูงแต่ท่านไม่ทราบว่าพอาจารย์เป็นอริยะบุคคลระดับไหนแล้ว รู้แต่คืนนั้นหลวงพ่อกิมแมงท่านเทศภาษากุโบสหรือว่าโกบาสซึ่งเป็นภาษาเทพเทศเรื่องกฎแห่งกรรมเนื่องจากพูดเหล่านั้นเป็นพวกครึ่งเทพครึ่งพูดกว่าจะหมดทุระโปรดพูดเทพเจ้าเหล่านั้นไก่ป่าก็ขันดังมาแต่ไกลแสดงว่าจวนรุ่งสางแล้วตกลงก็ไม่ได้หลับได้นอนแต่การได้เห็นประจักษ์ถึงสังขานุภาพของหลวงพ่อกิมแมง ก็ทำไม่อุ่นใจว่าฝากตัวเป็นสิทธิ์ได้โดยไม่ผิดพระอาจารย์แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานพระอาจารย์กิมแมงท่านยังรู้วาระของการเป็นอาจารย์กับสิทธิ์ว่าจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าก็เพราะสังขารของลวงพ่อถึงแม้จะกล้าแกร่งแค่ไหนก็ตกอยู่ในอํานาจของพระต่อยลักคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนควบคุมให้อยู่ในอำนาจของเราไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องละสังขารอันไม่เที่ยงนี้ไปหลวงพ่อก็บอกกับศิษย์ซึ่งเป็นเนนสี่รูปขณะอยู่ในถ้ากลางป่าแห่งหนึ่งเ อ, อหลวงพ่อคงจะอยู่กับพวกเจ้าได้อีกไม่นานแล้วนะต่อจากนี้ต้องไปอยู่กับอาจารย์ของหลวงพ่อจะได้เป็นกำลังของพระาศาสนาในอนาคต พระอาจารย์ของหลวงพ่อยังมีอีกเหรอครับสามเณรครูบาลุ่มก็ถามอย่างสงสัยเพราะว่าตอนนั้นหลวงพอจินเม้งอายุร้อยกว่าปีไปนานแล้วพระอาจารย์ถ้ายังอยู่จะอายุกี่ร้อยปีก็ไม่รู้หลวงพ่อก็ตอบสั้นๆบอกมีหลังจากนั้นก็พาสี่เณรข้ามโขงจากฝั่งลาวคืนสู่เมืองไทยมุ่งสู่ถ้ำบัวแดงอันลีรับอาถรรพ์ซึ่งร่าลือในหมู่นักปฏิบัติธรรมว่า เป็นสำนักของหลวงปู่เทพโลกอุดรผู้มีอายุยั่งยืนเป็นอัศจรรย์สีเนนเรียกพระอาจารย์องค์ใหม่ว่าหลวงปู่ใหญ่ส่วนหลวงพ่อกิมแมงพาสีเนนมาฝากไว้มีที่พึ่งแล้วก็กราบนมัสการลาหลวงปู่พระอาจารย์ครูจรไปมรณภาพยังสถานที่หนึ่งซึ่งท่านกําหนดเอาไว้เองหลายปีผ่านไปสามเณรลุ่มได้รับการอบรมหลักธรรมจากหลวงปู่ใหญ่ พอคุ้มตัวเองได้แล้วก็กราบนมัส ก, การลาพระอาจารย์กลับมาช่วยโยมแม่ซึ่งชรามากโดยศึกจักเนนทำมาหากินจนทุกอย่างที่เคยยากจนคนแขนเริ่มดีขึ้นก็พอดีอายุครบบวชก็เลยเข้ารับการอุปสมบทที่วัดสักหลงมีฉายาในทางธรรมว่าสันตะจิตโตพิคุกระทั่งอีกหลายปีต่อมาท่านบวชมานานมีภรษาแก่กล้าขึ้นภูมิจิตภูมิธรรมเป็นที่น่ายกย่อง จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดปากดุกอบรมสั่งสอนพระเนนให้เจริญก้าวหน้าในฝ่ายธรรมปฏิบัติมีโอกาสเมื่อไหร่ก็นำลูกวัดออกท่องทุดงไปตามป่าเขาดงดิบเจริญรอยตามพระอาจารย์ท่านแรกก็คือหลวงพ่อกิมเมง้งซึ่งท่องทุดงอยู่แต่ในป่าเขาจนถึงวันละสังขารสมควรยิ่งที่พระเนนสายปฏิบัติพึงจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง คราวหนึ่งครูบาลุ่มนำภิกษุนวกะคือพระบวชใหม่กับอุบาสกรวมสิบห้าคนไปฝึกท่องทุดงเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่อย่างพระป่าซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครนึกอยากจะออกทุดงก็ทำได้ทันทีเลยเช่นคิดจะปักหลดพักแรมตรงนี้เพราะเป็นป่าที่สงัดวิเวกดีแต่ปรากฏว่าไม่มีแหล่งน้ำก็ต้องไปหาที่ใหม่ซึ่งมีลาห้วยหรือว่าหนองน้าพออาศัยเป็นน้าดื่มน้าใช้ แต่ปักกรดใกล้ลำห้วยขนาดใหญ่เท่าคลองก็ต้องดูให้ดีว่าเคยมีน้ําท่วมหรือว่าน้ําป่าไหลบ่าอย่างกระทันหันจนหนีขึ้นที่สูงไม่ทันหรือเปล่าเพราะว่าน้ําป่านั่นนะอันตรายมากปักกรดตามคนไม้ก็ต้องดูให้ดีว่ามีกิ่งขนาดใหญ่หักเปราะหรือเปล่าหากเกิดมีลมพัดแรงตอนกลางคืนหักโค่นล่นลงมาทับบนกรดพอดีอาจจะบาดเจ็บหรือทุบพลภาพได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งการบาเพ็ญตนเป็นพระป่ามีโอกาสได้พบเจอสิ่งลีลับไม่น่าเป็นไปได้ในเมืองแต่มันเป็นไปได้ในป่าเขาดงดิบเช่นผีไพรผีดงผีป่าหรือว่าเสือสมิงเป็นต้นเสือลายพาดกรอนที่สามารถร้องออกมาเป็นเสียงคนได้นั้นแสดงว่าเคยกัดกินทั้งมดุดและสัตว์มามากต่ อ, อกมาจนวิญญาณขนองพูดที่ถูกมันกินเข้าสิงอย่างในร่างเสือ เสือก็กลายเป็นเสือสมิงส่วนวิญญาณที่เข้าสิงเขาเรียกว่าสางเสือสมิงหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสางสางกับเสือสมิงไปไหนไปด้วยกันเวลาเจอเหยื่อที่จับกินยากเช่นพวกพรานป่าอยู่บนห้างตามคาคบไม้สูงๆ ส, สางจะแยกจากร่างเสือสําแดงร่างเป็นคนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงแล้วร้องขอความช่วยเหลือทํานองว่าหลงป่าหาทางกลับบ้านไม่ถูก เคยมีพรานมือใหม่ชากรุงหลงกลถูกล่อให้ลงจากห้างโดนเสือตะบบขคาบไปกินมาแล้วนับไม่ถ้วนบรรยากาศป่าลึกที่กล่าวมาในสำหรับพระทุดงที่มีเพียงกรดบาทแล้วก็เครื่องอัฐิบริขารพรุงพรังถ้าไม่รู้วิธีแก้ไขล่วงหน้านะเป็นเสร็จทุกรูปโดยเฉพาะพระบวชใหม่ศีลยังไม่ครบถ้วน221ข้อหรือแม้แต่ศีลห้าอย่างชาวบ้านก็ยังไม่ครบเลย อันนี้ไม่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของศีลมาครุ่มครองตัวเองทางที่ดีก่อนตัดสินใจทุดงเดี่ยวนี่ต้องฝึกภาคสนามติดตามพระอาจารย์ไปเรียนรู้วิธีอยู่ป่าอย่างปลอดภัยเสียก่อนการเป็นพระอาจารย์นำคณะพระบวชใหม่และก็อุบาสกรวมสิบห้าชีวิตท่องทุดงคราวนั้นได้บุกบันพานป่ามาหลายแห่งหลายดงจนไปถึงช่องเขาแห่งหนึ่งกลางป่าลึกลักษณะเป็นเขาสองลูกมาชนกัน เว้นช่องว่างเป็นทางเดินไว้ตรงตีนเขาถ้าเดินข้ามช่องเขาไปจะพบเนินเขาอีกลูกหนึ่งขวางทางอยู่ซึ่งไม่มีทางอื่นให้เลือกมีทั้งต้นไม้ขนาดมะขมาล้มขวางทางไว้อีกด้วยต้องพากันปีนป่ายข้ามต้นไม้ถึงจะขึ้นไปบนเนินเขาข้างหน้าได้ท่านก็ปีนขอนไม้เป็นคนแรกพอขึ้นไปยืนบนขอนไม้ได้อยู่ๆก็มีหมีควายร่างใหญ่ปีนสวนทางมาพอดี ท่านต้องรีบกระโดดล่าถอยลงมาชนผู้ติดตามล้มระเนระนาส่วนหมีกวายก็ตกใจเสียงคนร้องเ อ, อะก็เพ่นตะบึงหนีหายเข้าป่าไปตกลงก็ปลอดภัยทั้งพระทั้งหมีต่อมาท่านนำคณะทุดงไปปักรลอดอยู่กลางทุ่งหญ้าบนยอดเขาใหญ่จังหวัดเพชรบุญลังจากปฏิบัติกิจสวดมนต์เย็นไหวพระเรียบร้อยต่างก็เข้าโกรธนั่งสมาธิแผ่เมตตาแก่เพื่อนร่วมทุกข์ทั้งคนทั้งสัตว์ ทั้งมนุษย์และวิญญาณต่างๆผีสางเทวดาอินพรมยมยักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาเสร็จแล้วก็ทำความเพียรกันต่อไปพอตกดึกท่ามกลางความเงียบสงัดชนิดได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองดังอย่งอางกอะหูรถไฟคณะทุดงตั้งแต่พระอาจารย์ผู้นำทางไปถึงอุบาสกที่ติดตามมาด้วยต่างก็แววเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากทางตะวันตกของกรดที่พักแรมอยู่ ซึ่งมองไปก็ไม่เห็นอะไรเพราะมืดมากคณะทุดงไม่มีใครพกไฟสายติดตัวมีดมีดแต่ไม่ขีดไฟเอาไว้สำหรับก่อกองไฟเสียงที่ได้ยินพูดซ้ำๆกันบอกท่านเจ้าขาช่วยด้วยท่านเจ้าขาช่วยด้วยเป็นการขอความช่วยเหลือที่หวยหุนววงเวงใจเหลือเกินท้ายเสียงนี้ทอดยาวเยื้อ ความเสยดสยองที่เจือปนมาในน้ำเสียงใครไม่เคยผ่านการปฏิบัติจิตมาอย่างหนักเข้าถึงสมาธิก็จะเสียปลาบลึกไปถึงขั้วหัวใจทีเดียวเดชบุญที่พระอาจารย์หัวหน้าคณะทุดงยังสงบนิ่งไม่หวั่นไหวอ ย, อยู่ในกรดคณะผู้ติดตามทั้งพระและอุบาสกก็นั่งตัวแข็งอยู่กับที่ได้ตามเดิมแต่ว่าหัวใจเต้นเป็นรวกลองเนื่องจากเสียงอันหย่ยหวน้องหญิงลึกลับ เดี๋ยวก็ดังขึ้นทางตะวันตกเผลอพริบตาก็ย้ายไปดังอยู่ทางตะวันออกบางครั้งก็ย้อนกลับมาร้องอยู่ที่เดิมสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เรื่อยเรื่อยแล้วที่ร้ายกว่า น, นั้นก็คือเสียงอันหวยหวนดังใกล้ปริมณฑลที่ปักหลอดเข้ามาทุกขณะจิตจนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้ชัดเจนขึ้นครูบาลลุ่มเห็นท่าไม่ไดการคาดว่าน่าจะเป็นสางของเสือสมิง ที่พรานรุ่นเก่าเขาร่ำลือกันวิธีแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้มั น, นไม่สำลิจผลซะแล้วท่านก็เลยเอาบาทเปล่ามาวางไว้ตรงหน้าอีกมือหนึ่งก็หยิบช้อนซ่อมขึ้นมาเคาะปากบาทด้วยการกำนดจิตไปที่การเคาะปรากฏเสียงเคาะบาทดังกังวานก้องไปทั่วหุบเขากรบเสียงผู้หญิงร้องได้อย่างสนิทพักใหญ่เสียงลึกลับนั้นก็สงบลงพร้อมกับเสียงเคาะบาด ปล่อยให้ความเงียบย้อนกลับมาปกคลุมทุ่งหญ้าบนขุนเขานั่นอีกวาระหนึ่งรุ่งขึ้นคณะอุบาสกหุงหาอาหารเลี้ยงพาเชา้าท่านก็นำผ้าบวชใหม่ไปตรวจ ด, ดูจุดที่มีเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่พบเห็นมนุษย์ตัวเป็นๆไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมีแต่รอยตีนเสือครุง่งขนาดเมือมาใหญ่เกือบเท่าชามก๋วยเตี๋ยวทั้งตะกุยต้นหญ้ากระจาย ทั้งเยียบย่ำตามพื้นดินอันชื้นแฉะเห็นรอยตีนใหญ่ขนาดมื่อคืมาชัดเจนคาดว่าลำตัวของมันเกือบเท่าควายป่าทีเดียวไม่ต้องสงสัยกันแล้วว่าจะไม่ใช่เสือสมิงเสียงผู้หญิงเมื่อคืนก็ต้องเป็นสางของเสือสมิงสัตว์ป่าอาถรรพ์ครึ่งสัตว์ครึ่งผีแรงเฮี้ยนมันเกิดจากความดุร้ายตามสัญชาตญาณของความเป็นเสือโคร่ง พนวกกับวิญญาณร้ายของคนที่ถูกมันตะปบคาบตัวไปกัดกินวิญญาณออกจากร่างได้ก็เข้าสิงกลายเป็นเสือวิญญาณปีศาจซึ่งเป็นคนละอย่างกับเสือเย็นที่อุบัติขึ้นจากผู้มีอาคมขลังร่ำเรียนมนต์ดำวาด้วยการปลุกหัวใจเสือสมิงถ้านักคาถาผู้นั้นมีจิตแก่กล้าได้ที่ จะสามารถปลุกเราอาถรรพ์ที่ประจุอยู่ในอักขระมนดำมีอำนาจเปลี่ยนจากร่างมนุษย์เป็นเสือเย็นแต่เป็นเสือที่เป็นวิญญาณมนุษย์คนละอย่างกับเสือสมิงจากประสบการณ์ท่องทุดงคราวนั้นทั้งพระบวชใหม่และอุบาสกก็ได้รับประโยชน์กันทั่วหน้าส่วนใหญ่จะถอดใจล้มเลิกความคิดที่จะออกท่องทุดงเดียวโคจรไปตามป่าเขาเพียงลําพังผู้เดียว แล้วก็หันมาศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่กับวัดดีกว่ามีไม่กี่รูปและไม่กี่คนที่กล้าออกทุดงอีกสำหรับประวัติการจาริกทุดงเท่าที่ค้นหานำมาเล่าสู่กันฟังก็มีแค่นี้ละครับขอบุญบารมีของครูบาลุ่มสันตะจิตโตจงอํานวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญครับ วันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงปู่เจียมอติสโรวัดอินทราสุภารามตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับหลวงปู่เจียมมีนามเดิมว่าเจียมนามสกุลนวนสวัสด์เกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2454ห้าตรงกับวันจันทร์ขึ้นสิบสามค่ำเดือนสองปีกุลสายเลือดกำพูชาภูมีลำนาวเดิมอยู่ที่บ้านดองรุน ตำบลประเทียเนียงอําเภอมงคลบุรีจังหวัดพัตตบองประเทศกัมพูชาครับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลอําเภอมงคลบุรีจังหวัดพัตตบองศึกษาภาษาเขมรและภาษาฝรั่งเศสตามหลักสูตรที่รัฐบาลกัมพูชากำหนดไว้เมื่อเรียนจบในระดับชั้นประถมศึกษาได้สอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนในจังหวัดพัตตบองแต่เรียนได้เพียงสามเดือนเท่านั้นก็มีเหตุให้ต้องลาออกจากโรงเรียน เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสภาวะสงครามภายในประเทศเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วได้ประกอบอาชีพทำนาและค้าขายรวมทั้งเป็นช่างไม้ทําให้ฐานะทางครอบครัวท่านดีขึ้นแต่เนื่องจากประเทศกัมพูชาในขณะนั้นตกอยู่ภายใต้การยึดครองของประเทศฝรั่งเศสท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความรักชาติรักแผ่นดินต้องการให้ประเทศชาติเป็นเอกราช จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มชาวเขมรที่รักชาติจัดตั้งกองกําลังเขมรเสรีเพื่อ ก, อกอบกู้ประเทศชาติโดยสู้รบกับทหารฝรั่งเศสอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและต่อมาถูกปราบปรามอย่างหนักจนต้องหลบหนีเข้ามายัางเขตประเทศไทยโดยหวังว่าจะรวมตัวกันกลับเข้าไปต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชอีกครั้งหนึ่งจนถึงพศ .2485 ท่านจึงตัดสินใจอบพยพครอบครัวมุ่งหน้าเข้าสู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินโดยเดินทางมากับพระสงฆ์ชาวขเขมรชื่อพระครูดีใช้วิธีเดินทางรอนแรมมาเรื่อยๆค่ำไหนก็พักนอนที่นั่นแล้วก็ออกตระเวนรับจ้างชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสังขะเพื่อหาเลี้ยงชีพไปตามอัตภาพในที่สุดก็ได้แวะพักที่วัดทักษินวารีบ้านลำดวนตําบลลำดวนจังหวัดสุริน พร้อมทั้งได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวางาธรรมโชโตที่วัดแห่งนี้ท่านได้ประพฤติป ฏ, ป, ฏปฏิบัติตนรับใช้หลวงพ่อวางอย่างดียิ่งจนได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อวางให้เป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดและได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทสีมาวัดทักษิณวารีอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2501โดยมีหลวงพ่อวางธรรมโชโต เจจิดังเรืองวิทยาคมเป็นอุปชาได้รับฉายานามว่าอติสย ο. หลังจากอุปสมบทแล้วท่านสมัครใจอยู่จำมันสาณวัดทักษิณวารีเพื่อศึกษาพระธรรมวินยัยฝึกวิปัสสนากรรมฐานเรียนภาษาไทยและปรนิบัติรับใช้หลวงพ่อวางจนเป็นที่ยอมรับพร้อมกับฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอรับการถ่ายทอดวิทยาคมต่างๆอาทิเช่นการเสกน้ำมนต์เขียนแผ่นทองเป็นต้น รวมทั้งในแต่ละรรษาหลวงปู่เจียมได้มีโอกาสแวดเวียนไปนมัสการหลวงพ่อเปราะพุทธชโชติวัดสวุวรรณรัตนภูวนารามอำเภอลำดวนพระเกจิชื่อดังเพื่อปรนิบัติรับใช้แล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอรับถ่ายทอดวิทยาคมอาทิเช่นการเขียนอาาักษรลงแผ่นทองทำตะกรุดวิชาเสริมสิริมงคลให้อย่างครบถ้วน เพื่อคอยปัดเป่าทุกภัยให้ชาวบ้านในถิ่นจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีผู้เจ็บป่วยด้วยวิชาไสายศาสตร์มนต์ดำกันเป็นจํานวนมากนอกจากนี้แล้วท่านยังออกทุดงไปตามถ้ำและป่าเขาอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ไทยลาวและกัมพูชาโดยยึดป่าเขาเป็นสถานศึกษาได้พบกับพระอาจารย์หลายท่านในระหว่างเดินทุดงได้สนทนาธรรมแล้วก็เรียนรู้วิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาจากพระอาจารย์เหล่านั้นเป็นเวลานานถึงสิบสามปี ภายหลังกลับจากทุดงแล้วเมื่อวันที่28เมษายนพศ2513กลุ่มชาวบ้านหนองยางได้นิมนต์หลวงปู่เจียมให้ไปสร้างวัดในพื้นที่บ้านหนองยางถนนโชคชัยเดชอุดมตำบลกระเทียมเป็นสำนักสงฆ์ด้วยการสร้างกุฏิเล็กๆสำหรับการปฏิบัติธรรมโดยหลวงปู่เจียมได้อยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ตลอดมา ต่อมาสนักสงฆ์แห่งนี้ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดอินทราสุปราลามขณะเดียวกันท่านก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาคอยเทศอบรมบรรยายธรรมให้แก่ชาวบ้านให้หมั่นรักษาศีลและปฏิบัติธรรมมาตลอดจนกระทั่งปีพศ .2527 หลวงปู่เจียมก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชตินามที่พระครูอุดมวรวช เพราะว่านอกจากท่านจะมีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมท่านยังเป็นพระนักพัฒนาได้ช่วยสร้างวัดที่อำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์สองแห่งสร้างสถานีอนามัยที่บ้านหนองยาวมอบครุภัณฑ์ให้โรงพยาบาลสุรินทร์สร้างศาลาประชาคมยี่สิบเอ็ดแห่งรวมทั้งสาธารณประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย ย่างเข้าสู่วยชาราหลวงปู่เจียมก็เริ่มมีอาการเหน็ดเหนื่อยสายตาพร่ามัวประสาทหูฝังไม่ค่อยชัดคณะศิษยานุสิ์ได้นําตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่เป็นประจําครั้นเมื่อออกจากโรงพยาบาลหลวงปู่เจียมยังต้องรับกิจนิมนต์จากชาวบ้านที่เขาเลื่อมใสศรัทธาเพื่อคอยปัดเป่าทุกบํารุงสุขไม่เว้นแต่ละวันบางทีก็ต้องไปนั่งประพรมน้ำมนต์เป่ากระหม่อมให้เสร็์อยู่สม่ําเสมอ จนกระทั่งเมื่อเวลา16นาฬิกา59นาทีของวันศุกร์ที่1กันยายนพศ2549คณะสิทธิวัดอินทราสุการามได้ตีระฆังรัวกรองเป็นชุดเพื่อแจ้งเหตุว่าบัดนี้ชาวเมืองสุรินทร์ได้สูญเสียปูชเียสงรูปสำคัญคือหลวงปู่เจียมได้มรณาภาพลงอย่างสงบด้วยโรคตาตวายภายในกุฏิวัดอินทราสุการามหลัง เข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการอาภพาตจากโรคไตามาเป็นเวลานานสิริอายุรวม96ปีบวชได้47พรรษาท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านที่เคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งคณะสงฆ์และคณะศิษยานุสิร์รวมไปถึงชาวบ้านได้นำรังหลวงปูบ่บรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ผู้ที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านได้มากราบไหว้บูชากันโดยทั่วนหน้า นี่เป็นอัตชีวประวัติคร่าวๆ ข, าของหลวงปู่เจียมที่นำมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันส่วนภาคปาฏิหารินั้นพระอาจารย์สุภฤกศิริวันโนเล่าถึงการออกธุดงไปยังป่าเขาพนมดงรักที่จังหวัดศรีสะเกดจุดหมายปลายทางอยู่ที่ป่านครวัดแล้วก็เข้าพักกันในป่าบนเขาในวันนั้นว่าตอนนั้นอาตมาออกธุดงไปกับหลวงปู่เพี้ยนแห่งวัดป่าอารัญญิการามจังหวัดอุบล ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานให้อัตมาเป็นครั้งแรกโดยไปด้วยกันทั้งหมดสามรูปบ่ายนั้นไปเห็นใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งริมริมานน้ำเล็กๆซึ่งดูเหมาะแก่การที่จะพักกลางกรดเจริญศีนภาวนาลวงปู่เพี้ยนจึงบอกให้อัตมาและศิษย์ผู้ติดตามอีกรูปหนึ่งกลางกรดพักกันที่ใต้ร่มไม้ริมทา น, น้าแห่งนั้นตอนเย็นก็มีพระวัยกลางคนรูปหนึ่งทุดงมาแต่เพียงลาพัง มองลักษณะท่าทางท่านแล้วรู้ได้ทันทีเลยว่าท่านเป็นพระภิกษุที่มีบุญวาสนามากและวิชาอาคมก็คงจะกล้าแข็งไม่เส้น้อยไม่เช่นนั้นคงจะไม่กล้าที่จะทุดงเดี่ยวมาเพียงลําพังอย่างนี้พระภิกษุรูปนั้นตรงมายังปลดของพวกอาตมาสนทนากับหลวงปู่เพี้ยนจึงรู้ว่าท่านชื่อพระเจีกมอยู่จังหวัดสุรินทร์แต่ว่าตอนนั้นอาตมาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าพระเีกมนั้นเป็นใคร ท่านกลางกรดอยู่ร่วมด้วยกับพวกอัตมาส่งน้ําเดินจงกรมมิปัสนาแล้วก็เข้าโกรดนั่งกรรมาฐานขําลงอัตมาก็ให้แปลกใจว่าทาไมต้นไม้รอบๆ บ, บริเวณที่พักถึงได้เงียบสงัดไม่มีมแมลงกลางคืนส่งเสียงรบกวนอะไรเลยก็เรียนถามถึงความผิดปกติเรื่องนี้แกหลวงปู่เพี้ยนที่กลางกรดอยู่ติดกันท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติ ความปกติหรือไม่ปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าได้ใส่ใจเลยบำเพ็ญศีลภาวนาก็เราไปก็แล้วกันได้ยินเสียงอะไรก็อย่าไปสนใจมันทั้งนั้นแล้วก็อย่าออกนอกกรดในยามดึกดื่นถ้าหากไม่จาเป็นอาตมาก็รับคำท่านไม่สอบถามอะไรอีกต่อไปนั่งหลับตาจำศีลภาวนาตามที่ได้ร่ำเรียนมาตลอดทักใหญ่ก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังแว่วมาจากไกล มันเป็นเสียงลูกบัวร้องแงแงและใกล้เข้ามาทุกขณะแม้หลวงปู่เพียนจะบอกว่าไม่ให้สนใจแต่ว่าจิตใจตอนนั้นมันไม่สงบเสซะแล้วทำสมาธิยังไงก็ไม่เป็นผลพอได้ยินเสียงลูกบัวตัวนั้นมายืนร้องแงแงอยู่หน้ารถอาตมาก็ต้องลืมตาขึ้นมองดูเพราะไม่รู้ว่าลูกวัวตัวนั้นมาจากไหนทำไมมันไม่อยู่กับแม่ของมันหรือว่าแม่มันจะมีอันตรายถูกเสือร้ายที่มีอยู่มากมายในแถบนั้นคาบเอาไปกินซะแล้ว อตาตมาจะลุกขึ้นออกไปหาลูกวัวตัวนั้นอยู่แล้วเพราะสงสารมันที่พลัดหลงมาก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อเจียมดังอยู่ในโสตว่าทุกรูปอย่าออกนอกปรดนะอย่าไปสนใจสิ่งตรงหน้ามีอันตรายอตาตมาถึงกับงุนงงที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเจียมเพราะไม่เคยร่ำเรียนวิชารับเสียงในโสสัมผัสมาก่อนแต่ทําไมหลวงพ่อเจียมถึงส่งเสียงมาให้ได้ยินได้แสดงว่าหลวงพ่อเจียมนั้นไม่ใช่พระธรรมดาแบบอตาตมา แต่ต้องมีวิชาอาคมอยู่ในขั้นสูงเป็นแน่อาตมาก็เลยต้องนั่งดูลูกวัวอยู่อย่างนั้นแล้วก็เห็นกับตาว่ามันมองพระรูปนั้นรูปนี้ด้วยสายตาแวววาวเห็นเพียงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ลูกวัวธรรมดาแต่จะต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างแน่นอนและต้องมีอันตรายด้วยทำไมอย่างนั้นหลวงพ่อเจียมคงไม่ส่งเสียงทางโสดให้พระทุกรูปรู้แม้กระทั่งหลวงปู่เพียนก็ยังต้องทําตาม เมื่อเห็นพระทุกรูปนั่งนิ่งอยู่กับที่ลูกวัวตัวนั้นก็ยิ่งส่งเสียงร้องรบกวนดังขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อเจียมก็พูดออกไปว่าเอ้ยไปเถะเถอะที่นี่ไม่มีอาหารสำหรับเองหรอกอย่ามาอยู่ร้องรบกวนในเสียสมาธิเลยนอกจากจะหิวแล้วจะเป็นบาปติดตัวไปด้วยนะเท่านั้นเองลูกวัวตัวนั้นก็คารามลั่นแล้วกลายเป็นเสือร้ายตัวใหญ่ยาวหลายวาโดนย้องยงั่งเขามายังโกรธของกลุ่มพระ อย่าลุกขึ้นอย่าลุกขึ้นไม่ต้องกลัวเสียงหลวงพ่อเจียมดังขึ้นในโสตอีกอาตมาก็เลยต้องนั่งตัวสั่นอยู่อย่างนั้นพอเสือร้ายเดินใกล้เข้ามาแล้วกระโจนเข้าใส่ก็มีลมกลุ่มหนึ่งกระโชกแรงมากพุ่งเข้าปะทะเจ้าเสือร้ายตัวนั้นจนมันล้มกลิ้งลงไป ก, งงไปกับพื้นพอจะลุกขึ้นก็มีลมกระโชกเข้าใส่ร่างมันเป็นระลอกจนกระทั่งมันกลิ้งไปไกลหมดฤทธิห์หมดแรงที่จะลุกขึ้นเข้ามาหา มันก็จะลุกขึ้นจะหนีกลับเข้าป่าไปก็มีลมแรงประทะดักหน้ามันไว้อีกหมดหนทางที่จะหนีไปไหนได้หลวงพ่อเจียมท่านก็บอกว่าอย่าพยายามลุกเลยมิจะเหนื่อยเปล่านอนอยู่ตรงนั้นแหละเสือร้ายก็เลยต้องยอมสยบให้ท่านนอนหมอบอยู่ตรงนั้นเพอะไม่อย่างนั้นจะลุกไปไหนก็ไม่ได้เลยพอลงทโทษสมควรแก่ความผิดแล้วหลวงพ่อเจียมก็บอกให้เสือสมิงตัวนั้นกลับไปยังที่พักของมัน อย่ามารบกวนพระธุดงอีกต่อไปมันจึงลุกขึ้นเข้าป่าไปได้นี่เป็นเรื่องหนึ่งในหลายเรื่องในอิทธิฤทธิเสวเวชของหลวงพ่อเจียมที่สยบวิ ญ, ญญาณเสือสมิงด้วยวิชากะสินลมถ้าหากมีโอกาสเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอีกครับนัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี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 ย้อนกลับไปยังสถานที่สยดสยองซึ่งยังฝังแน่นตราตรึงอยู่ในความทรงจำนั่นก็คือถ้ำสะบัวบนภูเขาควายแต่การมาเยือนคราวนี้เหล็กไหลมหาการเจอคู่ปรับสำคัญที่สามารถกำราบมันได้อยู่หมัดปิดตำนานเหล็กไหลเพชรฆาตบนภูเขาควายในถ้ำสะบัวลงแต่เพียงเท่านั้น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 ระหว่างบวชเป็นภิกษุสองในภาษาที่สองที่สามท่านไปเรียนคำภีร์มูลกระจายที่สำนักวัดบ้านหนองกุงกระต่ายการศึกษาคำภีร์ซึ่งทางพระศาสนาถือว่าอยู่สายปริยัตแต่ว่างเมื่อไหรท่านจะสแสวงที่สงบสงัดนั่งเจริญกรรมฐานอยู่เป็นประจำบริเวณบ้านหนองกุงกระต่ายมีดงใหญ่อยู่ดงหนึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันว่าดงตะกอวด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 เจ้าของเสียงเอะอะอะละวาดก็เปลี่ยนเป็นกองทัพม้าห้อตะบึงอยู่ในความมืดวนไปเวียนมาอยู่ในราวป่าอย่างประสงค์ร้ายทำท่าเหมือนจะยกขโยงทัพม้าออกมารุมเหยียบย่ำท่านพร้อมกับกรดนี่ให้แหลกละเอียดไปแหววเสียงม้ากระทืบกีบกับพื้นดินดังอึงอื้อไปทั้งสองหูใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแต่จิตที่ฝึกมาดีแล้วนย่อมมีกําลังแกลกล้า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 เกิดการรบราค้าพวันเงินเป็นขนานใหญ่ทั่วโลกท่านต้องหลบภัยสงครามท่องทุดงอยู่กลางป่าเพียงลําพังรูปเดียวมีอยู่คราวนึงทุดงไปทางถ้ําผาไหวายซึ่งตั้งอยู่กลางป่าเขาลําเนาไพรได้เกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์หลายอย่างท่านต้องผเผชิญกับผีป่ารุคเทวดาตลอดจนสัตว์ดุร้ายอันว่าถ้ำเผาไหวแห่งนี้อยู่บนภูกระดึงจังหวัดเลย ปากถ้ามีขนาดเล็กแต่ใหญ่กว่าประตูบ้านคนลอดเข้าไปได้มีแต่ทางเข้าไม่มีทางออกทะลุไปที่อื่นมองจากปากถ้มก็เห็นแต่ความมืดทมึนสมกับที่เขาพูดกันว่ามืดเหมือนเข้าถ้าก็เลยไม่รู้ว่าข้างในถ้ามีอะไรรู้เพียงเป็นที่อยู่ของผูงูสารพัดเช่นงูจงอางงูเหลือมแล้วก็งูอื่นๆที่เรียกไม่ถูก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 ฟังไปอีกหน่อยเสียงใสก็ดังขึ้นงองงองงงแสดงว่างูก็มีภาษาเป็นของมันเองมันส่งภาษาคุยกันคุยกับงูเหลือมรู้เรื่องหากไม่ใช่พระธุดงผู้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบแผ่เมตตาอยู่เป็นนิจนี่จะไม่มีวันได้พบเห็นเหตุหน้าอัศจรรย์เช่นนี้เป็นอันขาดส่วนเรื่องผีสางนี่ท่านเริ่มเจอตอนเป็นคารวะอายุประมาณหกขวบจําความได้แล้ว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 เวลาเดินกระโผูกรกะเพกพี่กนเดินเอามือกุมอกมาด้วยกันสามสี่ตัวมาหาหอยขมที่ลำห้วยใกล้บ้านกินกันผีกองกอยเอาหอยขมในลำห้วยมาวางซ้อนกันเหมือนเจดีย์สูงประมาณหนึ่งศอกไม่ล้มคนเรานี่ทำอย่างมันไม่ได้หรอกมันวางเรียงสูงเป็นศอกก่อนที่จะกินอ่ะท่านนั้ไม่เคยเห็นมันกินคนเห็นแต่มันเข้าสิงร่างผีกองกอ ย, ยมันร้องวันสัก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 หรือที่ชาบ้านก็เรียกกันว่านั่งทางในเห็นสิ่งต่างๆกันเช่นเทวดาหรือว่าเทพารักษ์ที่รักษาป่าแห่งนั้นอยู่คงเห็นท่านไม่มีความโลภโมโทสันก็เลยมาแสดงให้เห็นในนิมิสสมาธิเป็นห้องถงใหญ่เต็มไปด้วยทองคำแท่งบ้างพระพุทธรูปบ้างบางต่างๆทรงคุณค่ามากมายมหาศาลตีเป็นจานวนเงินไม่ถูก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 ทำอะไรอยู่อะเดินมาคราวนี้เสียงร้องถามสแสดงว่าเกิดความสงสัยจนเต็มกลั้นท่านก็เลยบอกไปว่าเดินเพื่อเอามรรคผลนิพพานมันจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านอธิบายหรือเปล่าไม่รู้แต่มันหายวับไปแล้วก็ไม่มาไม่มาเดินจงกรมล้อเลียนท่านอีกเลยตลอดคืนวันั้นส่วนท่านการเจอผีเข้าอย่างจังก็ทาเอาสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาวไปเหมือนกัน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 เป็นหมูป่าเขี้ยวงองเดิน ด, ดุ่มดุ่มตรงมาอย่างกลุ่มคนแล้วร้องถามเสียงดังๆว่าหลวงพ่อหลวงพ่อมีพวกมาหาเหรอเสียงถามนี่ดังสะท้อนกลับไปกลับมาก้องอยู่ในป่าเออเหมือนกับเสียงเซนเซอร์ราลในหนังท่านก็เลยตอบมันไปว่าถามทําไมอ่ะที่นี่เป็นวัดนไม่ใช่บ้านคนสิ้นเสียงตอบจากท่าน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 มาขอของดีบ้างให้ท่านใช้เท้าเหยียบหัวบ้างให้ท่านไล่ผีให้บ้างหลวงพ่อท่านเป็นพระมีเมตาก็ไม่ขัดใครแต่พอได้เวลาที่ท่านจะพักผ่อนทำสมาธิท่านก็จะยุติแล้วก็มาทำกิจของท่านคือนั่นปรากฏว่ามีคนไข้มาคนหนึ่งเขาถูกหามมาหาท่านเพราะว่าหมดสติหลวงพ่อเอาน้ำมนต์พรมพอน้ำมนต์ถูกตัวก็ลุกขึ้นนั่งหลับตา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 ใครเอาระฆังมาครอบโอยโอยตายแล้วไม่ไหวแล้วตายแล้วตายแล้วพอหลวงพ่อยก ข, ขันน้ำมนต์ขึ้นร่างนั้นก็ล้มหงายลงกับพื้นส่งเสียงครอกครอกแล้วแน่นิ่งไปพอรู้สึกตัวก็เป็นคนธรรมดามองดูคนที่มามุงหน้าตาเหลือระเหมือนกับไม่รู้สึกตัวกำนันบุญดีพาคนไข้มาก็ราปรารถนาหลวงพ่อจุนไปทีบ้านไผ่ขอดอนกำนันก็บอกว่า อหลวงพ่อช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเนะครับมีผีอยู่ห้าหกตัวเข้ามายึดปรชาช้าผีดิบเดิมที่ท้ายบ้านไทยขอดอนไม่ห่างจากวัดไทยขอดอนเท่าไหร่ครับแล้วก็เข้าสิงชาบ้านกินเครื่องเซนหลายรายที่หาหมอผีมาสู้ผีมันก็เล่นงานเอาจนตายคนที่พามาให้หลวงพ่อรักษาก็โดนเหมือนกันจนไม่มีใครกล้ามาช่วยมันก็กล้าท้าหลวงพ่อไปสู้กับพวกมัน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 เหยียบไปบนฝุ่นเห็นชัดเจนเป็นรอยวิ่งตามกันไปพอพ้นเขตประชา้ารอยเท้าก็หายไปเฉยๆยเมื่อกลับมารายงานหลวงพ่อท่านก็หัวเราะฮือฮืออมันไปแล้วท่านเท้าจจตุโลกบาลจะลงมาไล่พวกผีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นบริวาร น, นอกอ่านอกคอของท่านไปผลแล้วแล้วมันจะไม่กลับมาอีกแล้ว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 เมื่อไม่นานมานี้คุณประวิทย์มีงานบางอย่างต้องไปทําที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยก็เลยทําให้ต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ซึ่งค่อนข้างจะเป็นป่าพอสมควรแม้ว่าจะไม่ใช่ป่าลึกนักแต่ก็ได้บรรยากาศดีแล้วก็เป็นป่าบนเขาลูกเล็กๆตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปราวสักสามสิบกิโลเมตรคุณประวิตเดินทางไปที่นั่นก็พได้รับทราบข้อมูลมาว่าบนเขาลูกที่ว่านี่มีต้นยางขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง แล้วก็ต้นยางที่ว่าเนี่ยมีความแปลกประหลาดแตกต่างไปจากต้นยางอื่นๆเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจแกก็เลยเดินทางสืบเสาะไปค้นหาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต้นยางใหญ่ที่ว่าเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าต้นยางเสมาเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเนื่องจากบริเวณคนต้นยางใหญ่นี้หากมองเผินๆจะมีลักษณะคล้ายใบเสมาธรรมจักรแล้วก็เคยมีคนประสบเจอเหตุการณ์หลายอย่าง ที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เหนือบทพิสูจน์เขาบอกว่าเจ้าพ่อที่อยู่ในต้นยางเสมาเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับขนาดมีคนไม่เชื่อไปลองของนี่ยังเจอดีกันทั้งหลายคนบางคนอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เพราะนานๆจะได้พบเห็นต้นยางขนาดใหญ่อย่างนี้สักครั้งแต่ปรากฏว่าถ่ายไม่ติดอะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านเสก่อนอันนี้ก็เป็นคาพูดของคนขับรถเครื่องรับจ้างก็เล่าให้คุณประวิตรังนะ เกือบสองชั่วโมงจากตัวอำเภอศรีสัจจนาลัยมุ่งสู่พื้นที่ที่เป็นเนินเขาในที่สุดก็ได้พบต้นยางเสมาตั้งโรงงานอยู่ระหว่างเส้นทางบนเขาเพราะเห็นนี่ต้องยอมรับทันทีเลยว่ายางต้นนี้มีขนาดใหญ่โตมากขนาดลำต้นของอยางเสมามีความใหญ่โตโมโหลานประมาณสิบสองคนโอบตรงบริเวณใกล้กับคนต้นมีสารเล็กๆปลูกอยู่หลังหนึ่ง สอบถามสาเหตุการสร้างสารไว้ที่โคนต้นยางก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อให้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรุกขเทวดาประจำต้นยางเสมาต้นนี้เจ้าหน้าที่สวนป่าศรีสัชนาลัยท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเคยเข้ามาควบคุมการปลูกป่าในบริเวณนี้เมื่อประมาณห้าหกปีก่อนในการเดินทางเข้ามาทำหน้าที่ปลูกป่าตอนนั้น พวกเราต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าช่วงระยะเวลานึ่งทำให้ต้องปลูกบ้านพักชั่วคราวใช้เป็นที่พักอาศัยระหว่างทําหน้าที่ตรงบริเวณที่ปลูกบ้านพักชั่วคราวนี่ก็มีต้นยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตั้งประงกานแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วที่ใต้ต้นยางใหญ่นี่ก็มีสารอยู่สารหนึ่งซึ่งคนงานชุดเก่าก่อนที่ผมจะเดินทางไปทํางานเขาปลูกเอาไว้เพราะว่าคนงานที่นี่มักจะมากราบไหว้กันอยู่เสมอ ผมน่ะพักอยู่บ้านพักคนงานที่อยู่ค่อนข้างห่างต้นยางนี่ ม, มากพอสมควรแต่เวลาจะเดินไปหาเพื่อนจะต้องผ่านต้นเนี้ยเพราะว่าบ้านพักเพื่อนปลูกอยู่ใกล้กับต้นยางบางครัง้งบางวันหลังเลิกงานผมจะเดินไปคุยกับเพื่อนจนเพลินยันมืดยันค่ําประมาณสามสี่ทุ่มถึงจะเดินกลับที่พักพอเดินผ่านต้นยางทีไรมันก็จะรู้สึกเย็นยเยือกเข้าไปถึงขั่วหัวใจอย่างแปลกๆหนาวสั่นบอกไม่ถูกจะว่ากลัวก็ไม่เชิงกล้าก็ไม่ใช่ และบางครั้งนะลมไม่ได้พัดเลยแม้แต่นิดด้วยแต่ว่าพอผมเดินผ่านไปใต้ต้นยางใหญ่นะใบมันไหวไปไหวมาเหมือนกับถูกแรงลมแล้วเหมือนกับมีมีมือคนมาจับแขวนตกดึกบางคืนหมามันจะหอนรับกันเป็นช่วงช่วงเสียงดังมาจากใต้ต้นยางเสร็จแล้วก็อ้อมมาหลังบ้านผมมาหยุดตรงหน้าที่พักผมเนี่ยอมันหอนมันก็เห็นอะไรสักอย่างจึงกะตั้งพักใหญ่พอสิ่งนั้นผ่านไปไกลแล้วหมาก็จะหอนตามไป แล้วก็ดูมันจะไปสิ้นสุดลงที่ใต้ต้นยางใหญ่น่ะแหละอยู่มาคืนหนึ่งขณะที่ผมกาลังนอนหลับสบายก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าที่ข้างๆฝาห้องเนี่ยมันมีเสียงอะไรบางอย่างดังครืดคราดครืดคราดผมลืมตาขึ้นมาก็พบก็ร่างผู้ชายอายุมากยืนทำมืออยู่ผู้ชายแก่ๆคนนี้ตัดผมสั้นเกรียนแบบคนโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาวนุ่งโจงกระเบนขาว หน้าตาดูน่ากลัวมากจ้องมองมายังมุ่งที่ผมนอนอยู่เนี่ยที่แรกผมก็นึกว่าตัวเองตาวาดไปก็เพ่งตามองเพื่อให้แน่ชัดเสร็จแล้วก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเลยเพราะผู้ชายแก่คนนั้นค่อยๆก้าวเดินตรงมายังมุ่งที่ผมนอนอยู่แล้วก็ก้มมามองผมตรงข้างมุ้งนั่นแหละตอนนั้นผมแทบจะช็อกกลัวตกใจแทบสิ้นสติเลย แล้วก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้จะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากพี่ที่ค้นนอนอยู่ข้างๆว่าอ้าปากไม่ขึ้นจะคว้าเอาบระหมมาคลุมโปงก็ตัวแข็งไม่สามารถจะกระดิกตัวได้ความกลัวมันลัน่นเขาไปจับขั่วหัวใจความรู้สึกบอกให้รู้เลยว่าคนแก่คนนี้ต้องไม่ใช่คนแน่ๆผมก็พยายามรวบรวมสติใช้กำปั้นทุบพื้นอย่างแรงหลับตาปีไม่กล้ามองอะไรอีกแล้ว ก็ทั้งพักใหญ่ๆพอทุกสิ่งทุกอย่างเงียบก็ค่อยๆรวบรวมความกล้าประเยอยตาขึ้นมองก็ปรากฏว่าไม่เห็นคนแก่คนนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเป็นปกติผมมั่นใจเต็มร้อยว่าคนแก่ที่เข้ามาในห้องผมโดยไม่ได้รับคําเชื้อเชิญนี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้อะนอกจากวิญ ญ, ญาณอาถรรพ์ที่สถิตอยู่ในต้นยางเสมาเนี่ยแหละครับรุ่งเช้าพี่ที่เขานอนอยู่ด้วยกันกับผมก็ถามมาเกิดอะไรเมื่อกลางดึกผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง รวมทั้งคนงานบางคนเขาก็ฟังอยู่ด้วยเขาก็ทักขึ้นว่าตั้งแต่มาถึงเนะี่ยเคยกราบไปกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นยางเสมาบ้างหรือเปล่าผมก็บอกก็ไม่ได้ไปไม่รู้ด้วยซ้ําว่าต้นยางเสมาคือต้นไหนคนงานก็แนะนําว่าน่าจะไปกราบไหว้ที่ต้นยางใหญ่ะแหละเพราะว่าผู้คนในละแวกนี้ให้ความเคารพนับถือแล้วก็พากันเรียกต้นยางใหญ่นี้ว่าต้นยางเสมาอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา จากนั้นคนงานเขาก็เล่าบอกว่าเคยมีหลายคนที่คล้ายกับเจอคล้ายๆกับผมเจอนี่แหละเมื่อไปทำการกราบไหว้ที่ศาลใต้ตนยางเสมาก็อยู่ได้โดยไม่ถูกรบกวนอีกแถมยังได้โชคได้ลาบอีกด้วยพอฟังคำแนะนำอย่างนั้นผมก็เลยยอมทาตามคำแนะนำามื่อกิ้ว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแม้ว่าใจลึกๆจะยังไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ตาม แต่มันก็เป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ไปกราบไหว้ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกต้นยางเสมาแล้วเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์น่ากลัวต่างๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยดังนั้นนับตั้งแต่หลังจากที่ผมได้รับเงินเดือนแล้วเรามักจะเข้าไปในตัวอำเภอไปหาซื้อพวงมาลายัยรวมถึงอาหารข้าวหวานไปถวายที่ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือว่ายางเสมาแห่งนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อความสบายใจของตัวเองอ่ะครับครับนี่คือ หนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ของผู้ที่เคยประสบกับอาถรรพ์แห่งต้นยางเสมาหรือว่าต้นยางใหญ่ซึ่งซ่อนตัวอยู่กลางป่าของอำเภอศรีสัชนาลัยครับก่อนจากการวันนี้ครับท่านผู้ฟังนิสมะการนังเสยโยปแปล ว, ว่าใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทําจะดีกว่าทําสิ่งใดใคร่ครวนทบทวนซ้ำแล้วจึงทาดีกว่าอย่าสงสัยไม่ใคร่ครวนก่อนทาจะช้าใจ ทำสิ่งใดช้าช้าได้พรางามให้นับหนึ่งถึงสิบโบราณสั่งเหมือนยับยัง้งใจตนมีคนห้ามถ้าด่วนได้ใจเร็วจะเลวสามเพราะผุ้มผามเสียท่าน้ำตาคลอสวัสดีครับสีหลังรักเขยยะเมธาวีแปลว่านักปราดพึงรักษาศีล บรรดาปราดทั้งมวลทุกท่วนหน้าพึงรักษาศีลมั่นยอย่าวันไหวสำรวมกายอินทร์ว่าจีใจเป็นธงชัยชูเชิดเจิด จ, จำรูนถ้านักปราดขาดศีลสินส้นฉลาดคุณของปราดเสื่อมหายมาลายศูนย์กลับกลายเป็นพาลาแสนอากูลโศกาดูนเพราะสามสิ้นความดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ นี่คือรายการอาจารย์ยอดครับท่านผู้ฟังเมืองไทยเราเนี่ยครับนอกจากจะประกอบด้วยประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศแล้วยังรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยที่มารวมกันชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ถึงแม้จะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาแตกต่างกันบ้างแต่เขาเหล่านั้นก็ภาคภูมิใจในการได้เป็นประชากรของประเทศได้อยู่ภายใต้เบื้องพระยุคลบาท แล้วก็อยู่ในระบบการปกครองอันมั่นคงมีอิสระเสรีมีความยุติธรรมอีกทั้งความเมตตาปราณีที่คนไทยส่วนใหญ่เพื่อแร่ให้อย่างท่วมทน้นชาวภูไทยนี่เป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยของประเทศจากคำบอกเล่าของชาวภูไทยเองพวกเขาเชื่อว่าเขามีถิ่นกำเนิดมาจากบริเวณภูเขาควายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศลาวปัจจุบันและต่อมาก็ถูกรุกรานโดยพวกข่ากลุ่มหนึ่งซึ่งปัจจุบัน เรียกว่ายวนด้วยกำลังที่น้อยกว่าและพื้นนิสัยอันรักสงบไม่คิดจะต่อสู้หรือว่ารุกรานใครพวกภูไทยก็พากันอบพยพหลบหนีภัยสงครามอุ้มลูกจุงหลานหอบข้าวของเครื่องใช้ตามมีตามเกิดบากบั่นมุ่งหน้าข้ามแม่น้ำโของอันกว้างใหญ่และเป็นเส้นกั้นเขตแดนทางธรรมชาติเข้ามาพึ่งพาอาศัยความเมตตาปราณีจากประชาชนชาวไทย โดยแยกย้ายแบ่งสายออกเป็นสี่เหล่าหรือว่าสี่ก๊กด้วยกันมาตั้งถิ่นฐานโดยประมาณการอยู่แถบสองจังหวัดทางภาคอีสานได้แก่นครพนมและสกล น, นครเหล่าที่หนึ่งอาศัยอยู่อำเภอรพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมเหล่าที่สองอาศัยอยู่แถบอำเภอคำชะอีและอำเภอรเรนูนครจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกันส่วนเหล่าที่สามอยู่รอบๆอบหนองหาน ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ดินแดนของผาแดงนางไออันเป็นตำนานรักที่เลื่องลือของจังหวัดสกลนครเล่าที่สี่อยู่ที่อำเภอรพรรณานิคมจังหวัดสกลนครชาวภูไทยเหล่านี้มีอาชีพหลักทำการเกษตรกรรมซึ่งใช้แรงกายและก็เลี้ยงสัตว์มีความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธและบางส่วนก็ยังนับถือผี มีการบวงสรวงบูชาตามบรรพบุรุษ ส, สืบต่อกันมาทุกๆปีในราวเดือนกุมภาพันธ์ชาวจังหวัดนครพนมได้จัดให้มีงานฉลองและนำ้ำมัสการพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พระาธาตุพนมอันเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากของภาคอีสานเพราะประชาชนชาวไทยพุทธทั่วภาคพื้นอีสาน ร, รวมทั้งภาคอื่นๆด้วยต่างพากันหลั่งไหลมากราบนมาส ก, การพระาธาตุอย่างมืดฟ้ามัวดิน ซึ่งชาวภูไทยพุทธทั้งคนเท่าคนแก่เด็กแล็กผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไม่มีว่างเว้นเลยเมื่อพูดถึงความนอบน้อมแล้วจากสายตาและคําบอกเล่าชาวภูไทยเหล่านี้แม้จะยังเดินไม่ถึงเขตวัดแต่ถ้าสายตาเหลือเห็นยอดพระาธาตุเขาจะพากันนั่งลงกราบไหว้และแสดงกิริยานอบน้อมอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวผู้มีประเทศแถบจังหวัดนครพนมและสกล น, นคร น, นั้นเป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาภูพานทอดผ่านโดยเริ่มจากกว่างขวาของแม่น้ำโของอันยาวเหยียดผ่านมาทางจังหวัดมุกดาหาร อ, อรําเภอนาแก่จังหวัดนครพนม อ, อําเภอเมืองสกลนครพ้นเขต อ, อําเภอเมืองก็เข้าสู่ อ, อําเภอพรรณานิคมซึ่งบริเวณนั้นเป็นสังคสถานวัดถ้ำขามเป็นที่เคยจำพรรษาของพระสุปฏิปันโนพระอาจารย์ฟัน่นอาจารอาริยสงสาวกซึ่ง จริยาวัดของท่านสร้างศรัทธาชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วประเทศแม้จะมรณภาพไปแล้วก็ตามจากอำเภอรพรรณนานิคมก็ขึ้นไปทางเขื่อนน้ำอูนเข้าอำเภอวาริสภูมิแล้วก็หักเหมาทางเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทือกเขาภูพานเป็นภูเขาสูงยาวและกว้างใหญ่ป่าไม้ดงดิบมีไม้นาน า, นาชนิดแย่งกันขึ้นอย่างหนาทึบมีสิงสารสาัตว์มากมายนับประเภทไม่ท่วนนับจำนวนไม่ท้วน ทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ดุร้ายรุนแรงจากถนนสายเอสห้าที่เชื่อมต่อระหว่างสกรรลนครกับอุดรธานีจะเห็นทางเข้าสู่เชิงเขาภูผานประมาณหกิโลเมตรที่นั่นเองเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหนองปลาดุกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวอันลี้ลับมหัศจรรย์และก่อเกิดคดีอาญกรรมอันแฝงเร้นไปด้วยพลังกรรมหรือวิทยศาสตร์อย่างลึกลับจนเป็นที่โจทย์ขานเล่าลือไปทั่วของชาวภูไท และผู้ที่ได้รับฟังต่อๆกันมายากที่จะลืมเลือนบ้านหนองประดุกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครตั้งอยู่บนเชิงเขาผูพานมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารมากมายความเป็นอยู่ดั้งเดิมอยู่กันอย่างอิสระเสรีแบบชาวบ้านป่ายังไม่มีไฟฟ้าไม่มีบัตรประชาชนแล้วทางการก็ยังไม่ได้ยื่นมือเข้ามาพัฒนาแต่อย่างใดจนกระทั่งครั้งหลัง พันธมิตรของไทยคือสหรัฐได้ร่วมกันถากถางเข้าสู่หมู่บ้านและสร้างโรงโม้หินขุดเจาะระเบิดหินเพื่อ น, นำมาสร้างถนนสายเ1 5ห้านั่นแหละในขณะที่ดำเนินการอยู่นั้นได้เกิดอาเพศหนักมีอุบัติเหตุหลายอย่างกลืนกินชีวิตมนุษย์ทั้งพันธมิตรและชาวไทยต่างถิ่นที่เข้ามารับจ้างเช่นหินที่ระเบิดแตกรกระจายทับคนงานตายอย่างอาเนกอนาต ช่างเจาะบางคนตต่ขึ้นไปบนผาหินแล้วก็ตกลงมาตายคนขับรถดำนั่งฟุบตายคาพวงมาลายัยรถโดยไม่ทราบสาเหตุและที่รุนแรงถึงขั้นปิดสำประทานก็เพราะมีเหตุคือนายช่างใหญ่ชื่อนายแสวงมณีจักรซึ่งเป็นคนในถิ่นนั้นเองแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านธรณีวิทยาแกต้องมาตายอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหตุเกิดวันหนึ่งตอนบ่ายแกสั่งให้ลูกน้องนาขอนไม้ใหญ่ไปรองรับรถกระบะ กระบะของรถดำซึ่งใช้งานไม่ได้แล้วแกก็เข้าไปนอนซ่อมรถอยู่ข้างในเสร็จแล้วขอนไม้นั้นเลื่อนถลย์ออกไปเองทำให้กระบารถดำทับตัวแกตายอย่างสยดสยองต่อหน้าสายตาลูกน้องนับสิบทำให้ขวัญและกำลังใจในการทำงานแตกกระเจิงคนงานไม่กล้าทำงานอีกต่อไปโรงโม่ก็เลยต้องปิดลงแต่เพียงแค่นั้นจากการตายของบุคคลต่าง ชาวบ้านในแถบนั้นส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าเกิดจากอำนาจเปรนลับของเจ้าแม่แก้วซึ่งเป็นหญิงชาวภูไทโบราณมีความพิโรธมากจึงบันดาลโทษะปลิดชีวิตเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ชายทั้งฝรั่งทั้งไทยแม่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะรุนแรงและออกจากพิศดารแต่ก็ไม่ได้ทําให้พรานไัยคนหนึ่งหวั่นสะท้านแต่ประการใดเพราะว่นนายนพรานผู้นี้ตั้งแต่เล็กจนโตเป็นคนห้าวหาญดื้อดึงไม่มีความเชื่อในอำนาจเร้นลับ แล้วก็ไม่หวั่นภัยอันจะเกิดจากการกระทาที่เรียกว่ากรรมเลยเขาแหวกวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทยซึ่งรักสงบกลับมายึดอาชีพพรานปา่าท่องเที่ยวล่าชีวิตสัตว์เล็กสัตว NPC, ์ตวน้อยอย่างไร้ความปราณีคนคนนี้ชาวบ้านเรียกชื่อพรานกาสีพรานกาสีเป็นชาวภูไทยยุคปัจจุบันมีกาเนิดที่หนองประดุกได้รับการฝึกฝนอาชีพพราน ล่าสัตว์จากพรานทิ่นอื่นแล้วก็โตขึ้นเป็นหนุ่มมีครอบครัวตามวิถีชีวิตทั่วไปมีลูกชายสองคนผู้หญิงคนหนึ่งทั้งลูกชายลูกหญิงต่างไม่สนใจอาชีพพรานป่าเหมือนกับพ่อของเขาจะมีก็เพียงหลานชายสองคนชื่อเจ้ากงกับเจ้ารังซึ่งเป็นลูกของน้องชายเท่านั้นซึ่งมีนิสัยเป็นไปตามลุงแม้ว่าชาวบ้านแถบนั้นจะคัดค้านในอาชีพของพรานกาสีเพราะชาวภูไทยส่วนใหญ่ ล้วนเลื่อมสายในพระพุทธศาสนาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความเชื่อมั่นว่าคนวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลอย่างนั้นคนทำดีย่อมได้รับผลดีคนทำชั่วย่อมได้รับกรรมชั่วการฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตนั้นเป็นกรรมชั่วที่จะส่งผลให้ได้รับความทุกข์ทรมานถึงยังไม่ตายก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนมากมายแล้วถ้าสิ้นชีพตายไปก็มักตายก่อนอายุไข ด้วยอาการอันหน้าสมเพชแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งว่ายิ่งยุพรานกาสีกลับเข้าป่าหนักหนักกว่าเก่าทุกครั้งที่กลับมาจะนำร่างอันไร้วิญญาณน้องสัตว์ป่า น, านานาชนิดมาอวดเช่นหมูเสือเหลืองหมีอีเห็นงูหลังงูจงอางงูหลามนกเหยี่ยวบางอะไรพวกนี้เป็นต้นมีครั้งหนึ่งผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อในสินเข้าป่า เพื่อไปเก็บสมุนไพรพร้อมกับสุนัขคู่ใจแล้วก็ได้ไปพบหมูป่าที่ดุร้ายมากตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาเพื่อทําร้ายแก่แต่ว่าสุนัขของผู้ใหญ่ใช้ลีลาล่อหลอกทําให้หมูป่านะเกิดภาวะผวัาเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้ใหญ่บ้านรีบปีนต้นไม้หนีภัยหมูป่าตัวนั้นก็เลยละทิ้งใบมุ่งหน้าเข้าป่าใหญ่ไปข่าวนี้ได้ยินไปถึงพรานกาสีสร้างความสนใจท้าทายฝีไม้ลายมือก็เลยเข้าไปรับอาสาตามหมูป่าเขี่ยวยาวตัวนั้น ต่อมาไม่นานก็สามารถฆ่าหมูเคราะร้ายได้ทําให้ชาวบ้านเริ่มเกรงใจแล้วก็เลิกทัดทานการเป็นพรานของนายกาสีจากนั้นยังไม่พอลูกหลานชาวภูไทยที่อยู่ในวัยรุ่นเริ่มหันมาสนใจในอาชีพพรานป่าตามพรานกาสีแม้กระทั่งเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันเกิดอัตคัดขัดสนในความเป็นอยู่เพราะการกษตรกรรมปลูกผักตัดไม้เผาถ่านขายรายได้มันน้อยไม่เหมือนการออกป่าล่าสัตว์ซึ่งสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นตามกิเลส เมื่อมีผู้เห็นดีเห็นชอบประการเป็นพรานมีจำนวนมากขึ้นเส้นทางในการออกล่าเหยื่อของเหล่าพรานทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ถูกกาหนดขึ้นเป็นหนทางที่ยากลำบากต่อการเดินของชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าง่ายสาหรับพรานผู้ชนานาญทางเพราะว่ามุ่งหน้าไปสู่เขาใหญ่ภูพานอันลึกลับจุดแรกที่ผ่านก็คือด่านหังซึ่งเป็นที่ตั้งของสานักสงดอยอ่านหัง แล้วก็ดูเหมือนทุกครั้งจะเป็นการท้าทายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่าจะเป็นการไปล่าสัตว์แล้วก็เดินผ่านสำนักสงฆ์ไปก่อนเป็นระดับแรกเลยจากด่านหังจะลงหุบแล้วก็เดินไต่ขึ้นสันเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงบริเวณที่ราบแถบนี้ชาวบ้านทั่วไปจะไม่นิยมมาเพราะว่ามีความกันดานยากต่อการเดินทางแล้วก็ประกอบการกสิกรรมชาวพรานเขาเรียกสถานที่เขตนี้ว่าด่านใหญ่ ดานใหญ่แม้จะเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดของเทือกเขาภูพานแถบนี้แต่ก็มีความสูงมากกว่าภูเขาลูกอื่นตามปกติมีศาลเจ้าพ่อดานใหญ่ซึ่งพวกพรานสร้างไว้เป็นลักษณะของหินก้อนใหญ่ที่สุดตามธรรมชาติคล้ายๆแท่นสำหรับนั่งแล้วก็นำหินก้อนเล็กๆอื่นๆมาตั้งเรียงรายตกแต่งให้แปลกตาทุกครั้งก่อนจะข้ามไปดานอื่นก็จะต้องมีการเส้นสวงบูชาเจ้าพ่อด้วยข้าวเปล่าและน้า แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการทักทายวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาแถบนั้นเสร็จแล้วก็จะบนบานสารกล่าวต่อเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตในการปลิดชีวิตสัตว์หากว่าขอล่าหมูป่าหรือว่าสัตว์ใหญ่ชนิดไหนก็จะยิงแต่ชนิดนั้นจะไม่ล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกไก่ป่านกเหยี่ยวในเวลาเดียวกันและเมื่อได้สัตว์ที่ว่านั้นมาแล้วครั้นพอเดินทางกลับมาผ่านทางด่านใหญ่อีก ก็จะนำอวัยวะที่สำคัญของสัตว์นั้นมาเส้นไหวเป็นการตอบแทนเช่นตัดเอาจมูกหมูป่าวางไว้บนท่านหินแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอำลาจากเจ้าพ่อไปพ้นเขตด่านใหญ่จะเป็นทางชันขึ้นถ้ำเรียกว่าถ้ำสูงใช้สำหรับเป็นที่หลบภัยธรรมชาติยามฝนตกน้ำป่าท่วมฉับพลันก็จะสามารถหลบได้ตรงนั้นแต่โดยปกติแล้วจะไม่พักในถ้ากัน เพราะว่าแถบนั้นไม่ห่างจากด่านใหญ่มากนักแล้วก็ไม่มีสัตว์ที่จะให้ล่าด้วยเลยท้าสูงไปประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นหน้าผาสูงชันมีรังของนกเหยี่ยวมากชาวพรานเขาเรียกที่นี่ว่าบากหังเหลวบากก็คือหน้าผาที่หน้าผาที่สูงชันหังก็คือรังอ่าภาษาไทยเรียกก็คือรังรังนกรังปลวกนี่แหละส่วนเหลวหมายถึงนกเหยี่ยวนั่นเองเขาเรียกบากหังเหลว ข้างๆหน้าผานี้จะมีทางน้ําไหลลงมาพรานทั้งหลายอาศัยเดินเลียบทางน้นํานี้ขึ้นสู่ดงดอกจานดอกมะเฟืองมาไฟดงมะม่วงป่าป่ากอแล้วก็พืชพันธุ์อีกมากมายเป็นที่ราบสูงที่สุดของเทือกเขาภูพานแถบนั้นและที่นี่เองเป็นที่ที่พรานจะใช้ล่าสัตว์เพราะเป็นแหล่งทัญญาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สัตว์ป่าทั้งหลายใช้หากินอีกทั้งมีแหล่งน้ําที่ใสยเย็นตามธรรมชาติหลายแห่ง บนนี้เมื่อเดินเลียบมาทางหน้าผาด้านทิศตะวันออกจะสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามเบื้องล่างเช่นท้ำสูงด่านใหญ่ด่านหังบริเวณบ้านหนองประดุกและถนนสายเอสิบห้าเห็นตัวเมืองสกลนครหนองหานและที่สุดของสายตาก็คือทิวเขาฝั่งประเทศลาวอันยาวเหยียดเขียวขจีในจำนวนพรานเหล่านี้โดยทั่วไปถ้าเป็นกลุ่มพรานที่มีฝีมือแล้วจะไม่เกินห้าคนอาจจะเป็นสี่คนสามคน น้อยนักที่พรานจะไปคนเดียวเพราะเป็นการเสี่ยงอันตรายมากครั้งหนึ่งพรานกาสีได้นําหมู่คณะมาด้วยกัน ร, รวมเป็นสี่คนมีจุดประสงค์จะล่าหมูป่าการล่าหมูป่าในแต่ละครั้งจะใช้เวลาอย่างน้อยก็สองวันเพราะว่าวันแรกในถือเป็นการเดินทางแล้วก็เตรียมดูสถานที่ทางไล่ล่าสังเกตโขดหินแหล่งน้ําที่พวกหมูป่าจะมากินแหล่งน้ํานี้ถือเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะว่าพรานจะปักหลักที่นี่เสร็จแล้วสร้างหิ่งหรือว่าห้างเหนือแหล่งน้ําเล็กน้อยซึ่งอยู่ในระดับเหนือลมที่พัดยอดหย่าแต่ละหิ่งจะอยู่ห่างกันไม่มากแล้วก็กําหนดอาณาเขตของแต่ละคนไว้เมื่อเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพรานกาสีพร้อมพักพวกก็ออกจากสถานที่นั้นมุ่งไปพักผ่อนที่อื่นซึ่งห่างกันพอสมควรครั้นแล้วก็จะเตรียมอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้เช่นปืนแก๊ปดินปืนมีดยาวโคง้งแหลมตะเกียงแก๊ะ จนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กินอาหารที่นำติดตัวมาหลังพระอาทิตย์ตกดินไปไม่นานความมืดเริ่มครอบคลุมป่าทั้งป่าอย่างรวดเร็วนกน้อยนานาชนิดสีสันสวยงามก็บินกลับรังเป็นกลุ่มๆส่งเสียงไพเราะเหมือนกระโดนตรีประดับป่าของเหล่าสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันก็เริ่มลดลงลดลงเสียงก็ค่อยๆเบาลงเบาลงทุกขณะจนเงียบไปเหลือแต่เพียงเสียงกระแสลมพัด ทิวไม้สูงพรานสี่คนเดินมุ่งหน้าไปสู่หิ่งของตัวนจนถึงจุดหมายในเวลาหัวค่ําในขณะที่นั่งรอเหยื่ออยู่บนหิ่งพวกพรานจะไม่ทิ้งรอยหรือว่าสิ่งของสัมภาระที่มีกลิ่นลงพื้นแม้กระทั่งการปัสสาวะก็จะต้องปัสสาวะใส่กระบอกไม้ไผ่แขวนไว้บนหิ่งของตัวนั่นเองแล้วก็จะไม่ทําให้เกิดแสงสว่างใดๆแม้แต่เกียงแก๊สที่นํามาก็ไม่จุดอาศัยเพียงแสงจันทร์ในยามค่ําคืนวันเพลินเท่านั้นยกเว้นแต่บุรี สามารถจู่สูบได้แต่ก็ต้องคอยเอามือป้องแสงไฟวูบ ว, ว่าไว้ซุ้มเสียงอะไรอันผิดไปจากธรรมชาติที่มีมาแต่เดิมก็จะไม่ให้เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณของหมูป่านั้นในตอนกลางวันจะนอนพักหลบภัยแล้วก็มาตื่นแล้วตอนหัวค่ำก็เริ่มต้นออกหากินมีรากไม้หน่อไม้ลูกผลไม้ต่างๆที่หล่นจากต้นเช่นมะม่วงป่าพอกินอิ่มหนำสาราญแล้วก็พากันเดินทางมากินน้าที่แหล่งน้าอีกทีหนึง่ง เวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ใกล้สว่างอีกครั้งหนึ่งการเดินทางมุ่งหน้ามานี้พวกหมูป่าส่วนใหญ่จะหยุดอยู่บริเวณรอบๆก่อนแล้วมักจะมีหมูเขี่ยวจ่าฝูงตัวหนึ่งลงไปสำรวจแหล่งน้ำดูร่องรอยหาสิ่งผิดปกติทุกครั้งไปเมื่อเห็นว่าเป็นปกติดีอยู่ก็จะวิ่งขว่าต้อนลูกฝูงทั้งหลายให้ลงไปกินน้าทันทีในขณะที่หมูป่ากาลังเพลิดเพลินกับน้าอันใสยเย็นอ่า สนุกสนานกันอยู่นี่เหยื่อผู้เคราะร้ายตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่หมายตาของพรานกาสีเพราะว่ามันอ้วนพีสมบูรณ์แบบก็เดินเข้ามาใกล้หิ่งด้วยความรู้ไม่เท่าถึงกันในระยะห่างเพียงสิบวานี่พรานกาสีค่อยๆบรรจงยกปืนกระชับที่ไหลขวาพอได้จังหวะลั่นไกลปล่อยกระสุนเข้าสู่ต้นขาข้างหนึ่งทันทีนะ เสียงเปรเียงสิ้นเสียงปืนสัตว์เหล่านั้นแตกตื่นตกใจส่งเสียงร้องอึกระทึกคระโกรมพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดอยังไม่คิดชีวิตไปคนละทิศคนละทางแต่ช่วงเหตุการณ์นั้นพรานทั้งหลายได้มุ่งจุดสนใจเฉพาะหมูลำบากตัวนั้นพร้อมกับจุดตะเกียงแก๊สขึ้นเสร็จแล้วก็ลงจากหิ่งติดตามไปห่างๆโดยสังเกตจากรอยเลือดที่หยดตามทางเป็นระยะระยะอรุณรุ่งวันใหม่ในป่าละเมาะไม่ห่างนักแสงเงินแสงทองสาดส่องทั่วฟ้า แต่ว่าหัวใจน้อยๆของสมาชิกป่าดงพงไพรผู้หนึ่งกำลังโศกเศร้าหหยหวนร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดทุกทรมานท่ามกลางกองเลือดเปียกแฉะแล้วก็ร่องรอยเป็นทางมาโดยตลอดพรานกาสีก็สั่งให้เพื่อนอีกสามคนตีวงล้อมจุดที่เชื่อว่าหมูตัวนั้นจะหลบอยู่เขาเดินเข้าไปอย่างเชื่องช้าระมัดระวังหมูป่าลาบากเกิดความตกใจในกลิ่นมนุษย์ก็พยายามวิ่งกระเสือกกระสนดิ้นรนหนีอีกครั้งหนึ่ง ประยยงเสียงนัดซ้ำจากปลายกระบอกปืนแก๊ปของพรานอีกคนหนึ่งดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วป่าในไม่ช้าร่างอันอ้วนของหมูป่าก็ถูกแกล่เป็นชิ้นๆแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกาันโดยมีดปลายโค้งของเหล่าพรานเพชะฆาตอย่างชำนิชำนาญเพราะตามประเพณีพรานในถือว่าถ้าหากมีใครอื่นอีกจะกี่คนก็แล้วแต่ถึงจะไม่ได้ร่วมมือล่าแต่ถ้ามาเจอเขาก็ต้องแบ่งให้เขาอีก นี่เป็นการถือเคล็บต่อๆกันมาเป็นเวลาช้านานเพื่อความสําเร็จในการล่าครั้งต่อๆไปนับจากการล่าสัตว์ป่าของพรานกาสีครั้งนี้ได้ดาเนินติดต่อกันมาโดยตลอดชั่วชีวิตหนุ่มและเที่ยวเปิดชีวิตสัตว์อย่างโหดร้ายมากมายสุดจะจดจําจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นเวลาปลายฤดูฝนเดือนสิบเอ็ดพรานกาสีไปพบร่องรอยของหมีควายคู่หนึ่งซึ่งเข้าใจว่าจะนําอาหารไปเลี้ยงลูกอ่อนของมัน โดยสังเกตจากการกินอาหารหากว่าไม่มีลูกอ่อนแล้วเนี่ยอ่าก็จะกินไปทิ้งไปทั้งเปลือกแล้วก็เศษอาหารเต็มบริเวณนั้นแต่ว่าครั้งนี้ทานกาสีไม่เห็นสิ่งที่ว่าเนี่ยก็เลยเฝ้าติดตามไปจนใกล้ถึงภูถ้ำพระซึ่งอยู่ห่างจากดงดอกจันไม่มากบริเวณนี้เป็นเนินสูงมีโขดหินใหญ่และถ้ำตื้นๆปากถ้ำเตียนเป็นที่อยู่อาศัยของหมีไวคู่นี้ หลังจากเฝ้าดูอยู่หลายวันจงกระทั่งรู้ซึงถึงเวลาการเข้าออกของหมีแล้ววันหนึ่งเวลาประมาณสามโมงเช้าฝนกำลังตกพรมพร ม, พรมท้องฟ้ามืดครึมมีป่าทั้งสองตัวก็หักกิ่งไม้มีใบหนาขึ้นมาบางังฝนแล้วก็เดินสองขาเหมือนคนออกจากถ้ำเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงลูกอ่อนตามปกติจังหวะเดียวกับที่พรานกาสีได้รอทีหลบเข้าไปในถ้นลูกหมีขนาดเท่าแมวตัวใหญ่ซึ่งมีอยู่ตัวเดียว ส่ย่ามที่เตรียมไว้แล้วก็กุลีกุจอออกจากถ้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนฟ้าหรือว่ากรมลิกขิดแม่หมีเกิดสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้ปลีกตัวจากคู่อันเป็นที่รักกลับมายังถ้าอีกเสร็จแล้วทั้งคนทั้งหมีก็มาเผชิญหน้ากันอย่างไม่ทันคาดคิดห่างจากปากถ้าไม่มากนักแม่หมีมันก็ทิ้งกิ่งไม้ลงยืนสีขาตามวิสัยแล้วก็พุ่งทะยานเข้าใส่พรานกาสีด้วยความโกรธแค้นทันที โดยสัญชาตญาณของพรานผู้ชำนาญป่าประกอบกับประสบการณ์และการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวพรานกาสีก้นเหนียวไก่ปล่อยกระสุนจึงทำจากดินปืนและลูกหมักแห้งเข้าสู่แสกหน้าแม่หมีระยะห่างกันเพียงห้าหวาเท่านั้นเสียงปูมเสียงยมมาทูดกลางป่าดังสนั่นวันไหวหมีแม่ลูกอ่อนสุดตัวลงดินพลาดพลาดเลือดสดสีแดงฉานทลักเต็มหน้าแล้วก็ตามตัวชั่วอึดใจร่างหมีใหญ่ก็แน่นิ่งไป เหลือไว้เพียงสายตาที่ยังจดจ้องในพรานมัจยุราชเหมือนกะจะประกาศว่าจะขอจารึก่าในความทรงจำว่าไปยิงมันหลังจากพรานกาสีฆ่าแม่หมีตัวนี้แล้วด้วยความรอบรู้จากการเป็นพรานป่ามานานว่าหมีตัวผู้มันจะต้องรีบกลับมาตามเสียงปืนเป็นแน่และโดยทั่วๆไปหมีเมื่อรู้ถึงภัยและจิตใจอันผิดปกติเมื่อพบคนเดินป่าหรือว่าพรานผู้มีอาวุธมันจะพุ่งเข้าทำร้ายไม่เลือกหน้าอย่างบ้าคลั่งทันที พรานกาสีก็รีบหนีไปอย่างฉับพลันล่วงเหตุการณ์นี้มาประมาณหกเดือนพรานกาสีก็ขายลูกหมีกัมพาราตัวนั้นให้กับพ่อค้าของป่าจากจังหวัดอุดรธานีไปจากวันนั้นเป็นต้นมาจิตใจของพรานกาสีผู้นี้ก็เริ่มผิดปกติไปจากเดิมจากสติสัมปชัญญะที่เคยว่องไวกลับกลายเป็นความเชื่องช้าครับเกิดอะไรขึ้นกับพานกาสีครับ เดี๋ยวพักสักครู่ครับวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปหกปีผมที่เคยสีดำสนิทก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีเทาและขาวขึ้นมาตามลำดับ นั่นหมายถึงความแก่ชราเริ่มครอบงำพรานกาสีตามธรรมชาติแล้วในช่วงนี้พรานกาสีได้มีโอกาสฝึกขนหลานชายทั้งสองชื่อกงกับรังซึ่งเป็นลูกของน้องชายที่เขาฝากฝังให้อยู่ด้วยความคึกขนองในวัยรุ่นประกอบไปดความรักความพอใจในการเป็นพรานป่าก็ทำให้หลานชายทั้งสองเรียนรู้วิธีล่าสัตว์อย่างรวดเร็ว ด้วยการเริ่มต้นจากการจับหนูป่ากระรอกพังพรตะกวดงูเหา่าอีกาและเหยี่ยวตามฤดูการออกหากินของสัตว์ต่างๆรวมถึงการหลบหลีกวิธีซ่อนตัวอำพรางภัยในป่ารอบๆหมู่บ้านแต่กระนั้นก็ยังไม่กล้าพาหลานชายมาถึงดงดอกจานดินแดนแห่งความหลังฝังใจที่แกเคยข้าหมีไว้โบราณกล่าวไว้ว่าจิตใจของคนเรานั้นไม่มีวันเต็มไปด้วย ความทะยานอยากมีคืบก็อยากได้สอกมีสอกก็อยากจะได้วามีห้า ก, ก็จะเอาหกเมื่อลองอยากได้อยากรู้มันก็จะทวีความอยากมากขึ้นไปอีกวิสัยพวกพรานหนุ่มก็เป็นอย่างนั้นอยากจะเรียนรู้วิธีแล้วก็มีชื่อเสียงในการเดินป่าลึกๆ ก, ก็อ้อนวอนขอร้องให้ลุงกาสีพาไปล่าสัตว์ในดงดอกจานบ้าง ครั้งแล้วครั้งเล่าทีลุงกาสีผัดพ่อนต่อคำรบเร้าของหลานรักแล้วก็ต้องประจักษ์ในสีหน้าแววตาที่ผิดหวังไม่พอใจผสมการดูหมิ่นต่อวไมายลายมือของลุงอยู่ในทีในที่สุดเหมือนกรรมบันดานลได้อย่างไรก็สุดจะคิดลุงกาสีตกปากรับคำหลานก็กําหนดการล่าบางังแล้วก็เริ่มเตรียมการเพื่อจะไปดงดอกจันทันทีเริ่มโดยการทาดินปืน โดยนําเอาต้นพริกแห้งมาเผาเป็นฐานดําแล้วก็นําฟอสฟอรัสละลายน้ําให้ได้ส่วนจากนั้นก็บดกรรมถันตามสูตรเฉพาะของตัวลุงกาสีแก่เองแล้วก็นําส่วนผสมเหล่านี้มาคั่วบนไอน้ําร้อนจนกรรมถันและฟอสฟอรัสละลายซึมเข้าไปในเนื้อฐานเสร็จแล้วก็นําออกมาตําไม่เข้ากันโดยใช้เวลาตำหนึ่งชั่วโมงจึงละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันก็นํามาร่อนที่ตะแกรงที่เตรียมไว้ จากนั้นก็นําไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วก็นําบางส่วนเล็กน้อยมาทดสอบด้วยการจุดไฟดูจะเกิดเสียงดังฟุบเมื่อเห็นว่าไม่มีเศษผงของดินปืนหลงเหลืออยู่เลยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วก็นําไปบรรจุขวดเปล่าที่แห้งสนิท ต, ต่อไปสำหรับอาหารการกินก็มีข้าวสารมีเกลือพริกปลาราแล้วก็ที่พิเศษก็คือข้าวสุกตากแห้งแล้วก็คลุกกับน้าอ้อยสดเสร็จแล้วก็ตากแห้งอีกทีนึง อย่างนั้นก็เตรียมตะเกียงแก๊ส ป, ปืนแก๊ปมีดปลายโค้งแหลมถุงทะเลและด้วยความไม่ประมาทลุงกาสีก็ให้หลานชายใส่ปลอกคอสารได้หวทีเพื่อป้องกันสัตว์กัดเช่นงูจงอางลิงป่าหม้าในเป็นต้นจนเป็นที่เรียบร้อยวันที่สิบสี่กุมภาพัพนธ์พุทธศกราชพห้ายสิบปดยามสายปลายฤดูหนาว พื้นฟ้าโปร่งสีครามสดใสอากาศเย็นต้นไม้ไผ่นี่ไหวพริว้วลุงกาสีพร้อมหลานรักทั้งสองก็เริ่มออกเดินทางจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปสู่เทือกเขาภูพัน์ผ่านสำนักสงอยอ่านหังทั้งสามก็เหลียวมองนิดหนึ่งเหมือนกัะถูกสกิจใจจากอะไรบางอย่างแต่ด้วยความรีบร้อนก็เร่งเดินออกห่างตามทางป่าวาถึงด่านใหญ่ก็ไปทำพิธีบวงสวงแบบพราน ต่อสารเจ้าพ่อด่านใหญ่เสร็จแล้วก็เดินทางขึ้นเขาต่อไประหว่างทางนั้นก็ได้พบกับกระรอกฝูงหนึ่งซึ่งตามปกติมันจะวิ่งหนีหลบพรานกันจ้าละวันแต่วันนี้เหล่ากระรอกกลับหยุดจ้องมองลุงกาสีเหมือนหนึ่งไม่มีอะไรสะทกสะท้านทำให้ลุงกาสีแปลกใจมากถึงกระรมพึงรำพันในใจเออกูนี่สงสัยจะหมดฤทธิ์หมดเดชเส้วว้เฮ้ยพวกสัตว์ทั้งหลายมันถึงไม่มีความเกรงกลัวกูอีกเลย ทั้งๆ ท, ที่เมื่อก่อนจะไหนจะอะไรมาสัตว์ป่าเหล่านี้พอเห็นกูเข้าป่านี่มันหนีจันทันทีเลยแกคิดในใจแล้วก็ก้มหน้าเดินทางต่อผ่านถ้าสูงไปถึงบากหังแลว้วเดินเยื่องไปทางทิศตะวันตกมีน้ำทานไหลเอื่อยเวลานั้นก็ได้ยินเสียงนกกวากจำนวนนับร้อยลงกินน้ำกันอื้ออึง ลุงกาสีสะดุ้งตกใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าตามปกติวิสัยฝูงนกลงกินน้ำนั้นจะไม่ส่งเสียงร้องเลยแต่คราวนี้การกลับตรงกันข้ามคล้ายๆกับว่าพวกนกจะร้องทักทายบ่งบอกลางอันตรายแก่พรานกลุ่มนี้แล้วก็ช่วงเวลาเดินทางเพียงแค่นี้ลุงกาสีก็รู้สึกอ่อนเพลียเมื่อยล้ากว่าที่เคยเป็นมาแต่แกก็ไม่ได้สนใจต่ออาการแล้วก็เหตุการณ์อะไรพยายามตัดใจรีบพาหลานชายมุ่งหน้าไปสู่ดงดอกจานต่อไป ในระหว่างทางหลานชายชื่อกงนี่สังเกตเห็นสีหน้าลุงเศร้าสลดก็เอ่ยถามไปลุงลุงกลัวเปล่าวลุงกลัวอะไรข้าไม่ได้กลัวอะไรเส้นทางเหล่านี้ล้วนแล้วจะมีรอยเท้าของข้านเหยียบเข้าเหยียบออกแทบทั้งนั้นก็จะไปกลัวอะไรทําไมเออถ้าลุงเจอเสือลุงจะกลัวเปล่าเอเอ็งรู้หรือเปล่าพวกเสือต่างหากล่ะที่มันจะต้องกลัวข้าฮะ แล้วหมีอ่ะลุงทันทีที่ได้ยินคําว่าหมีลุงกาสีถึงจะมีสีหน้าสลรถลงแล้วก็นิ่งอึ่งไปพักหนึ่งแล้วก็นึกถึงภาพอดีตย้อนหลังไปเมื่อสิบปีก่อนทำไมเอ็งจะต้องถามเรื่องนี้ไว้เอ็งคอดูก็แล้วกันถ้าเจอมันเข้าจริงๆก็เมื่อถึงตรงดอกจานในช่วงเย็นทั้งหมดก็ตระเตรียมสถานที่ลุงกาสีก็แยกตัวไปตรวจ ด, ดูร่องรอยการกินอาหารของบางซึ่งอยู่บริเวณดงป่า ก, ก่อใกล้ๆกัน เนื่องจากบางเนี่ยมันชอบมากินลูกก่อลูกก่อนี่รสมันเหมือนแห้วข้างนอกเป็นเปลือกแข็งข้างในนิ่มสีน้ําตาลเข้มเมื่อเจอต้นที่คิดว่าบางจะมาลงกินแน่แล้วก็พากันถากถางบริเวณใต้ต้นก่อนัน้นให้เตียนโล่งแล้วก็ย้อนกลับมายัางลําธารน้ําอีกครั้งเพื่อพักผ่อนล้างหน้าล้างต า, าเตรียมอุปกรณ์การล่าเสร็จแล้วก็พักกินอาหารที่ได้นําติดตัวมาพบค่ําตะวันรับเหลี่ยมเขาแล้ว ทั้งสามก็เดินทางขึ้นไปยังจุดหมายนั่งเฝ้ารอเหยื่ออยู่บางนี่มันมีลักษณะเหมือนหนูแต่ว่าหางมีขนยาวเหมือนกระรอกจากขาหน้ามายังขาหลังทั้งสองข้างมีพังผืดหนาสามารถกางขาร่อนทลาจากที่สูงลงต่ำได้ไม่กลัวแสงไฟและเวลากินอาหารมันจะไม่สนใจสิ่งอื่นแม้กระทั่งมนุษย์ ทั้งสามนั่งยิงบางเคราะไรซึ่งวิ่งอยู่บนกิ่งก่อสูงอย่างสะดวกสบายจนเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนน้ำที่ใช้ดื่มและใช้เติมตะเกียงแก๊สของทั้งสามก็หมดลุงกาสีก็ใช้ให้หลานกลับไปตักน้ำที่ลาําธารถ้าเองกลับมาเองอย่าเอาตะเกียงออกจากหัวเด็ดขาดนะเออแล้วเมื่อจะถึงให้เรียกชื่อข้าก่อน โดยปกติพรานป่าเมื่อออกล่าสัตว์ในเวลากลางคืนจะไม่นำตะเกียงออกจากหัวเลยเพราะถือว่าเมื่อเกิดจ้องหน้ากระสัตทั้งหลายแล้วสัตว์จะมองไม่เห็นตัวคนโดยเฉพาะดวงตาจึงไม่สามารถใช้ตะบะคมจิตคนได้แต่คนกลับสามารถมองเห็นสัตว์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะแววสะท้อนจากดวงตาแล้วก็ยังอาศัยแสงไฟความสว่างนำทางได้ด้วย หลานชายทั้งสองก็ปลีกตัวจากลุงเดินมุ่งกลับไปยังลำทานด้วยความเบิกบานใจครั้นได้น้ำเป็นที่พอใจแล้วก็เดินทางกลับไปหาลุงเมื่อทั้งสองเข้ามาเกือบถึงจุดหมายโดยห่างประมาณสักห้าสิบวาประสาทหูของในกงผู้พี่ซึ่งดีก ว, ว่าน้องแววได้ยินเสียงครางของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งเหมือนกับว่าสัตว์นั้นกำลังกินอะไรอยู่ใต้ต้นกอที่ตัวกําลังจะไปก็กระซิบบอกกับน้องบอกว่าได้ยินเสียงอะไรให้เปล่าะ จะรังพยักหน้าแทนคําตอบทั้งคู่ก็วางสัมภาระที่หนักพร้อมกระชับปืนเข้าไหลอย่างเร็วเลยแล้วก็เดินย่างสามขุมเข้าไปหาต้นกําเนิดเสียงระยะห่างกันประมาณสิบวาเจ้ากงก็แปลงเสียงดังเรียกหาลุงเรียกครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับได้ยินแต่เสียงคลางพึมพำพุ่มพำเหมือนกับอยู่ในคอข้างหน้าทั้งคู่ก็ขยับตัวใกล้เข้าไปอีกจากแสงจันทร์แรมสีข่ายามราตรี ศาตร์ประกายจ้าอยู่ทั่วบริเวณประสานเสียงกระแสงตะเกียงแกตบนศีรษะของเจ้าหนุ่มทั้งสองก็ทำให้ทั้งคู่มองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ต้นก่อป่านั้นอย่างชัดเจนภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเป็นหมีควายตัวใหญ่กว่าคนกำลังก้มลงฉีกเนื้อบางสดๆที่เพิ่งตายเกลื่อนกราดอย่างอร็สอร่อยทั้งคู่แทบไม่เชื่อสายตาสะกดความกลัวร้องเรียกชื่อลุงสุดเสียง เสร็จแล้วหมีป่าตัวนั้นคอ่คอยยืนขึ้นหันหน้าไปยังคนทั้งสองในปากเต็มปไปด้วยหัวบางและสีแดงฉานของเลือด ส, สดๆมือทั้งสองกางออกมีร่างของบางเต็มอุ้งมือแต่คุณพระช่วยเถอะไอ้ เ, อเจ้าหมียักษ์นี่มันใส่เสื้อและกางเกงลุงกาสีได้ยังไงกันทันใดนั้นมันก็ขยับตัวเดินเข้ามาแล้วส่งเสียงร้องคำรามกึกก้องไปทั่วป่ายามรัติการเจ้ากงเจ้ารางังลั่นกระสุนเข้าแสงหน้าและบริเวณอกทันที ร่างหมีร้ายสุดหวบแล้วก็ดิ้นรนจะลุกขึ้นมาอีกทั้งสองก็ไม่รอช้ารีบชักมีดปลายแหลมออกมาวิ่งเข้ารุมกระนำฟันแทงอย่างไม่นับเจ้าหมีควายก็แน่นิ่งไปเพราะทั้งคู่หายเหน็ดเหนื่อยและคลาย ค, ายความตกใจสติสัมปชัญญะตื่นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรกันนะร่างหมีที่ตัวกระนำแทงบัดนี้กลับกลายเป็นร่างของลุงกาสีนอนแน่นิ่งขาดใจตายจมกองเลือดซะแล้ว ทั้งสองร้องไห้ดังลั่นเลยพักใหญ่เสร็จแล้วก็รวบรวมกําลังใจหามร่างไร้วิญญาณของลุงผูกเราะไรอ่าลงจากดงดอกจันคืนนั่นแหละตีสี่กว่ากว่าบริเวณบ้านพรานกาสีทั้งญาติพี่น้องลูกๆรวมทั้งชาวบ้านหนองประดุกก็พากันมามุงดูศพกันอย่างหนาหนาแน่นพร้อมกับวิภาควิจารณ์กันไปต่างๆนาน า, นาแล้วส่วนใหญ่ก็เชื่อตามคาบอกเล่าของในกรุงกับในรงัง รวมทั้งผู้ใหญ่ศิลนด้วยแต่ว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎที่ใช้บังคับไม่ว่างเว้นทางเจ้าหน้าที่พร้อมกำนันก็ได้เดินทางมารับตัวผู้กระทำผิดทั้งสองแต่ว่าทนอ้อนวอนแกมขอร้องของญาติผู้ตายและความตั้งใจจริงของหลานชายเพื่ออยู่ร่วมงานศพของลุงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปรับกรรมตามคันลองของกฎหมายต่อไป ปัจจุบันนี้ทั้งในกงในรังก็ยังคงอยู่รับใช้กรรมในคดีอาญากรรมอันเร้นลับนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นถึงผลบุญผลบาปอย่างชัดเจนครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าปุญญสุขังชีวิสังขยมหิแปลว่าบุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตมีบุญอยู่ชูใจก็ไรทุกให้เกิดสุข ยามตายวายสังขารบุญประคองรองรับเมื่อหลับตาสิ้นชีวานำส่งตรงวิมานถ้าไม่มีบุญอยู่ชูชีวิตเมื่อดับจิตแตกตายวายสังขารทุกจะรุมหุ้มหอ่ทอทรมานพอสิ้นปราณบาปส่งลงอบายสวัสดีครับจากอดีตถึงปัจจุบัน คนหัวใหม่กับคนหัวเก่าเนี่ยมีความเป็นปฏิปัติต่อกันอยู่เสมอในความคิดของคนหัวเก่าซึ่งได้แก่คนรุ่นพ่อขึ้นไปก็มองคนหัวใหม่ในแง่ไก่อ่อนเพิ่งจะสอนขันลืมตาดูโลกไม่กี่หรือดูผลภูมิรู้ยังน้อยนิดเหมือนกบอยู่ในกะลาครอบมันจะไปมีน้ำยาอะไรลำพังตัวเองจะเอาชีวิตให้รอดกว่าทั้งย่า ดีจะจดจําคิดปากพร่งมาอวดโอคุยโวทํานองรู้มากเห็นมากต้องการเป็นเครื่องลูกใหม่เพื่อจะขับไล่เครื่องลูกเก่าให้พ้นหูพ้นตาไปไฟคนหัวใหม่ก็เป็นพวกไฟแรงอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชนิดทันอกทันใจไอ้นุ่นเก่าไปไมด่ดีไอ้นี่ล้าหลังไม่ทันจะความจเจริญของโลกยุคดิจิตอลคนหัวเก่านั้นก็ล้วนแต่พวกหลังเขาเต่าล้านปีจะจับ จะทำอะไรสักอย่างก็ชักช้าเหมือนเต่าคลานอยู่นานไม่ก็หนักโรคเปล่าเสวนากันคราวไหนจะโต้คารมกันอย่างไม่ลดละขัดขานแนวอนุรักษ์นิยมแบบชนิดหัวชนขวายิ่งเป็นเรื่องลี้ลับอาถรรพ์หรือว่าผีสางแม่นางโกงคนหัวใหม่จะหัวเราะเยาะคนหัวเก่าอย่างสิ้นความยำเกรงทํานองไวย่างฝังหัวอยู่แต่เรื่องโบ ร, โบราณจากัจกจักวงบง ฝรั่งเขาสร้างยานอาวกาศจะส่งคนไปสำรวจดาวอังคารอยู่แล้วยังมัวเชื่อเรื่องผีสางเทวดาอยู่ได้จากเหตุผลที่ว่าเนี่ยก็ทำให้คนหัวเก่ากับคนหัวใหม่เป็นผ่ายค้านของกันและกันอย่างเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนี้ครับย้อนเวลาไปประมาณสามสิบปีมีการค้นพบวัดร้างกลางป่าแห่งหนึ่งอายุเก่าแก่โบราณ น, นานเป็นร้อยปี แต่จะเป็นด้วยเหตุผลกลใดก็เหลือที่จะคาดเดาถึงได้ถูกปล่อยให้รกร้างมีใบไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมร่มครึ้มเผอิญมีคมะมณะนักล่องไพรเขาบุกป่าฝ่าดงไปเจอเข้ากรับจากป่าแล้วก็บอกให้ทางการส่งคนไปตรวจสอบเพื่อป้องกันบรรดามิจฉาชีพไปขุดหาสมบัติโบราณที่วัดร้างทางการก็เห็นสมควรต้องจัดส่งนักโบราณคดีคณะหนึ่งไปทาการสารวจ ประกอบด้วยนักโบราณคดีระดับอาวุโสเป็นถึงศาสตราจารย์สองท่านและก็นักโบราณคดีรุ่นใหม่เรียนจบมาได้ไม่กี่ปีอีกสองคนชื่อนายดันไนกับนายดีเรกคนที่นําเรื่องนี้มาเปิดเผยเขาขอสงวนนามสถานที่ตั้งของวัดร้างและตำบนที่อยู่ของวัดนี้ก็เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีไปจับจ้วงล่วงเกินโบราณสถานทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา บอกแต่ว่าตั้งอยู่ทางภาคเหนือแทบถิ่นที่ยังมีป่าเขาอุดมสมบูรณ์นักทำลายทรัพยากรของชาตินี่ยังบุกไปไม่ถึงคณะนักสำรวจคณะนี้โดยสารรถไปถึงป่าปโปรงก็เจะรถทิ้งไว้ติดตามมคัคุเทศคือพรานพื้นบ้านนำทางเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งยังเป็นดงดิบเต็มไปด้วยพญาไม้สูงเสียดฟ้าขนาดหลายคนโอบแต่ว่ากิ่งใบประสานกันเหมือนกับร่มยักษ์ แสงแดดสาดส่องไม่กระทบพื้นดินคงความเป็นป่าดึกดำบรรพ์หลงสำรวจทุกตารางนิ้วถ้าถันป่านี่เป็นสิ่งที่นักล่องไพรเคยบุกป่าว่าดงอย่างนักโบราณคดีอวุโสรู้ว่าเป็นเรื่องจริงเคยเจอกับตัวเองจนซึมทราบดีว่าใครก็ตามที่ทำผิดกฎของป่าไม่เพียงทำให้ตัวเองฝันหนีดีฟอแม้เพื่อนร่วมทางก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย พรานพื้นเมืองก็เลยถือสานักในเรื่องรักษากฎของป่าอย่างเคร่งครัดโดยไม่ละเมิดโดยเจตนาเป็นอันขาดบรรดานักล่องไพรุ่นเก่าถือเป็นมติประจำใจว่าเข้าป่าอย่าฝืนพรานการขวาฝืนเรื่องที่เป็นของต้องห้ามเนี่ยจะทำให้อาเพศป่าเกิดขึ้นแล้วกว่าจะสิ้นสุดยุติสงบลงได้ก็แทบจะเอาชีวิตมาทิ้งทีเดียว เป็นบทเรียนแห่งความสูญเสียของคนที่ปฏิเสธความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรป่าต้องเก็บไว้ในส่วนลึกของความทรงจำไปชั่วชีวิตทีเดียวคณะนักสำรวจคณะนี้เลือกเดินทางในช่วงฤดูแล้งประมาณต้นปีไม่เกินเดือนมีนาคมเพราะว่าจากประสบาการณ์ล่องไพรบอกให้รู้ว่าวาสันตฤดูหรือว่าหน้าฝนนี่ฝนตกชุกพื้นป่าเป็นน้าฉ่าเชอะแฉะเป็นโคลนเลน การล่องไพรพร้อมหีพอสัมภาระมันหนักหนาสาหาสัสสาหรับลูกหับทําให้การบุกป่าหรือดูฝนเต็มไปด้วยความลําบากการตั้งแคมป์ที่พักก็กลุกคลักด้วยความรกทึบของป่าการถ่ายทุกก็ต้องป่ายปีนขึ้นไปปลดทุกบนคาคบไม้เสี่ยงต่อการถูกทากป่าตัวยาวเกือบคืบแอบดูดกินเลือดแต่ความหนาวเหน็บของฤดูหนาวช่วงต้นปี สภาพป่าเย็นยเยียบทรมานอย่างยิ่งโดยเฉพาะหยาดน้ำค้างที่แตะแต้มกิ่งไม้ใบหญ้าในยามค่ำคืนแม้แต่กางเกงเดินป่าหนาหนักก็ยังเปียกชื้นก่อนนอนถ้าไม่ผลัดเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายซะก่อนความเยียบเย็นจากเสื้อผ้าที่เปียกชื้นจะเป็นประหนึ่งเหมือนใบมีดโกนเฉือนเชือดผิวหนังถึงขั้นติ้งตัวนอนไม่ได้ โผลเพลงคืนแรกในดงดิบทานอินซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่อายุประมาณสักห้าสิบปีให้ลูกหาบกางเต็นสํสำหรับคณะนายจ้างบนลานดินธรรมชาติแล้วก็ก่อกองไฟโดยมีเต็นท์ขนาดใหญ่กําบังลมป้องกันสะเก็ดไฟปลิวตามลมการเดินทางมาสำรวจโบราณสถานร้างแห่งนี้ตกลงกันแต่แรกแล้วว่าไม่มีการยิงสัตว์ทุกชนิดโดยไม่จาเป็น ข้าวสารอาหารแห้งก็เตรียมมาพรักพร้อมแล้วเสียงปืนจะคำรามก็ต่อเมื่อเผชิญกับสัตว์ดุร้ายที่จู่โจมเราก่อนทั้งนี้ก็เพราะนักโบราณคดีอาวุโสทั้งสองและพรานอินรู้อยู่แก่ใจว่าการสำรวจครั้งนี้อาถรรพ์ป่าจะเคลื่อนไหวในเชิงปรปักคือไม่อนุญาตให้สำรวจวัดร้างกลางดงดิบอย่างง่ายดายเป็นแน่ลูกหาบทั้งสองคนเป็นชาวพื้นเมือง พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านชายป่าเช่นเดียวกับพรานอินทําหน้าที่ของตัวอย่างแข่งกับเวลาเสร็จแล้วเต็นก็ถูกขึงจนเสร็จต่อด้วยกองไฟที่ลุกพลงุงอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถัดมาข้าวที่หุงสุกใหม่กวนร้อนกรุ่นพร้อมอยู่ในหม้อสนามอ่เช่นเดียวกับข้าวเหนียวนึงสําหรับตัวเองเนื้อเค็มหมวกเค็มตลอดจนเครื่องกระป๋องอยู่ในจานเหล้าปรังไวจัดวางรอท่าไว้ คณะในจ้างก็เอนหลังในเต็นท์หายเมื่อขบก็ออกมานั่งล้อมรอบกองไฟแล้วอุ่นเครื่องด้วยเหล้าฝรัง่งสองนักสํารวจหนุ่มคือนายดีเรกกับ น, นายดานายเปิดเหล้ารินแจกตั้งแต่ตะวันยังไม่ชิพ้พรบแต่ว่านักโบราณคดีอวุโสมีเหล้าหมักจะากเข้าโพดดื่มเป็นผลผลิตของลูกหาบที่ท่านนําติดมาในหีพอสัมภาระท่านปฏิเสธเหล้าฝรั่งที่สองหนุ่มหอผิวจากห้างในกรุง ท่านพูดให้ฟังอย่างสุขุมใจเย็นประมาณว่าการผจญภัยกลางป่าลึกควรจะปลูกมิตรกับพรานพื้นเมืองให้มากกว่าอย่าโอ้อวดความรวยหรือว่าแสดงตนว่าเหนือกว่าในแบบยกตนข่มท่านเล่าฝรั่งนี่มันเหมาะกับสังคมคนเมืองเท่านั้นการยกหลังมาดื่มประชันกับเล่าต้มเองนี่ไม่ควรทําเสียงในดีเรกพูดขึ้นบอกว่าเออดูเหมือนการมาสํารวจเที่ยวนี้มีกฎแปลกๆเยอะจังนะครับ ผมว่าเราจะย้อนสู่ความเป็นมนุษย์ยุคหินนะถ้ายังงมงายอยู่กับเรื่องไร้สาระนักโบราณคดีนะไม่จำเป็นต้องเก่าแก่ตามศิละปะวัตถุรอกหน้าที่เรามีเพียงนำภูมิรู้ในอดีตมาเปิดเผยให้โลกรู้ไม่ใช่หลงยุคไปยึดติดกับอดีตนายดีเรกพูดเหมือนกับคนสิ้นยำเกรงอันเป็นวิสัยของคนรุ่นใหม่ปากไวใจตรง ที่เธอพูดก็มีส่วนถูกกับหลานชายแต่กฎป่าบางข้อเขามีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมันเองนะ่ะเช่นห้ามยิงปืนตอนกลางคืนขณะหมอกลงจัดเพราะความเหน็บหนาวของป่าสูงในหน้าหนาวนี่ทําให้เราต้องสวมถุงมือป้องกันนิ้วหงิกเกรงการยิงปืนขณะสวมถุงมือมีบ่อยครั้งที่มือยังหนาวจนชาดิกปืนลั่นเปรลยงออกไปแล้วเจ้าตัวยังไม่รู้เลย ว, ว่านิ้วใ น, นกระดิกลั่นไกลหรือเปล่า ปะเหมาะเหยื่อกระสุนนี่อาจจะเป็นพวกเดียวกันบาดเจ็บล้มตายไปคนทำปืนลั่นกว่าจะกลายเป็นฆาตกรไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวอืมกดข้อนั้นก็ยังพอฟังขึ้นนะครับแต่เมื่อตอนเย็นผมเอาช้อนไปล้างที่ลำห้วยป้องกันเชื้อโรคลูกหาบคนหนึ่งเห็นข้าวนึกว่าผมจะเอาช้อนตักน้ำสดโอกโหกเหมือนสดน้ำแกง แกร้องห้ามเป็นการใหญ่ยืนยันว่าเป็นอาถรรพ์ป่าทุกคนจะเดือดร้อนกันหมดแม่เรื่องแค่นี้ไม่น่าจะผิดกฎป่าถึงขั้นป่ามีปฏิกิริยาตอบโต้ใช่นะครับอเออถ้าผมปล่อยขี่ลงน้ำมันยังจะน่าสะอิดสะเอียนมีโทษผิดมากกว่าคืออาถรรพ์บางอย่างเนี่ยนะมีประวัติเก่าแก่สาวไปถึงได้ยากเอาเป็นว่าตอนนี้ เหมือนหนึ่งเรามาเยือนบ้านคนอื่นอยู่เจ้าของบ้านเขามีกฎข้อห้ามอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับเจ้าของบ้านโดยไม่จําเป็นเธอว่าถูกไหมล่ะเออขอโทษนะครับตอนที่เป็นนักศึกษาปีแรกๆนะผมมาเคารพเลื่อมใสท่านในฐานะนักวิชาการระดับโลกที่พระดังยัง ย, งยกย่องให้อยู่ในธรรมเนียบสุดยอดนักโบราณคดี แต่ว่าร่วมทางกันคราวนี้เรียนตามตรงว่าผิดหวังจะให้ผมพูดยังไงดีครับเอาเป็นว่าท่านหัวโบราณคร้ำเครึคกเกินคาดก็แล้วกันนะครับเอองั้นเราก็เปลี่ยนมาคุยกันเรื่องโบราณวัตถุที่วัดร้างดีกว่าเธอสองคนว่าดีไหมอ่ะโอเคครับขืนถกกันเรื่องกฎป่าจะกลายเป็นว่าเด็กกรลังแกผู้ใหญ่นะครับท่านศาสตราจารย์ทั้งสองคนก็ยิ้มอย่างใจดี สดเหล้าเขาโพดให้เลือดลมฉีดแรงแก้หนาวส่วนนักสำรวจรุ่นใหม่ไฟแรงในกระดกเหล้ากรังอีกหลายอึกโชว์ความเป็นคอทองแดงฉีกเนื้อเค็มใส่ปากเกี้ยวกล่มกลุ่มเป็นกรับแกร้มผิดกับนักสำรวจอวุโสที่เคี้ยวบทเอื้องช้าๆอย่างใจเย็นเท่าที่นักล่องไทยซึ่งค้นพบวั้างกลางป่านี้เป็นคณะแรกคนนําชิ้นส่วนวัตถุมาให้ตรวจดูก็พบว่า เนื้อหินนะํามีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าศิลปวัตถุที่เคยมีการค้นพบในแถบถินพนมดาปากแม่น้ำขงซึ่งเป็นปฏิมากรรมเก่าสุดของพวกขอมซึ่งมีอายุในราวราหนึ่งพันเก้าสิบปีนะยุคก่อนสร้างนครวัดที่เขมนเรียกกันว่าศิลปขอมแบบพนมดา แต่ว่าศิลปะการสลักหินที่วัดร้างนี่ยังเก่าแก่โบราณกว่านั้นถึงกว่าหนึ่งพันปีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเพราะต้นกำเนิดของศิลปะคือพรามชื่อโกลนธัญะญล่องเรือจากชมพูทวีปมาเป็นกษัตริย์องค์แรกของขอมเมื่อประมาณสองพันปีก่อนแต่เป็นคนละท่านกับพระอัญญากรนัญะสาวกองแรกของพระพุทธเจ้านะ จึงมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าวัดร้างที่เรากำลังจะไปสำรวจเนี่ยน่าจะถูกสร้างขึ้นในอาณาจักรภูนันซึ่งเป็นต้นกำเนิดของขอมแม่แค่เศษหินชิ้นเล็กๆสองสาชิ้นนี่อาจารย์สามารถอ่านได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับโอเคจากสายตาอันเฉียบคมถ้าบอกว่าใช่มันก็ต้องใช่แต่ว่าค้างใจครับเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมก่อนเข้าป่าเนี่ย เรามาสำรวจสิ่งปรักหักพังเป็นเศษเป็นซากไปแล้วทำไมต้องตั้งศาลเพียงตาบอกกล่าวขออนุญาตอาถรรพ์อะไรก็ไม่รู้ถ้าเศษอิฐเศษหินมันวิเศษจริงๆก็คงไม่ล่มสลายจนกระทั่งเราต้องมาสำรวจมานะครับในฐานะวัตถุโบราณ น, นี่ถ้าฝรั่งต่างชาติรู้เข้าก็คงหัวเราะยอะความคล้ำคลือ ข, ของเราจนพันร่วงหมดปากนะมีหน้าล่ะที่เขาบอกว่าเชื่อโบราณจะบานบุรีนี่ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ เธอพูดสมเป็นนักเรียนนอกหัวสมัยใหม่อันนี้พูดในเมืองยังพอทำานาวนะแต่ถ้าพูดในป่านี่อันตรายมากถ้าเธอเห็นว่าฉันสองคนครั่ครือเหลือรับเธอสองคนก็ลองหาอะไรที่มันสนุกสนุกมาเป็นหัวข้อเสวนาดีไหมละ่ะเอ้ยคุยเรื่องคนอายุสามสี่สิบคนอายุหกเจ็ดสิบจะรู้เรื่องนะครับ คนหัวเก่ากับคนหัวใหม่นี่มีแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเสมอยิ่งมีน้ำเปลี่ยนนิสยัยยอมจิตใจให้วิปราสขกว่าตอนยังไม่ดื่มก็ดูเหมือนจะเปิดการโต้วาทีกันทีเดียวคนหัวเก่านี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากยอมอ่อนข้อให้คนหัวใหม่ไฟแรงไฟคนหัวใหม่เมื่อได้ท่าก็ไม่ราข้อรุกไล่ด้วยคำพูดเสียสีเหน็บแนมแกมประชด ก่อนที่การดื่มกินมื้อค่ําจะสิ้นสุดลงอย่างไม่มีใครคาดฝันในดนายเพื่อนคู่หูของนายดีเรกซึ่งนั่งฟังมากกว่าที่จะออกความเห็นลุกพรวดได้ก็ไม่พูดพรามทําเพลงเสยกําปั้นไม่มีรูเต็มกระโดงคางเพื่อนส่งคู่หูพลัดล่นจากขอนไม้หลังฟาดดินดังสนั่นเนื้อเข็มกระเด็นจากปากไปไกลลิปทุกคนที่นั่งร่วมวงแตกหืออย่างตกใจ เท่านั้นยังไม่พอนายด้นนายกระโจนขึ้นครําแล้วรัวคำปั้นประเคนใส่หน้านายดิเรกอย่างไม่นับกระทั่งสลบแน่นิ่งอ่าสลบเหมือดคามือไปเลยทีเดียวกว่าพรานอินกับสองลูกหาบจะกรูกันมาระงับเพลินดานายดนายมีอาการงงเงนีนเหมือนกับคนเมาหมดสติร่วงพลอยลงไปนอนแผ่อยู่เคียงข้างเพื่อนเกลอแต่สงบนิ่งไม่กี่อดใจก็ลุกขึ้นนัง่งทําท่ามึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ร้องถามเสียงดังว่าใครทำร้ายเขานักโบราณคดีอาวุโสต้องช่วยกันอธิบายอยู่เป็นนานพรานอินกับลูกหาบก็ช่วยกันยืนยันนายดนายถึงยอมเชื่อว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนทำร้ายเพื่อนเออตอนนั้นอยู่ๆผมเกิดหน้ามืดไปวูบหนึ่งแล้วจำอะไรไม่ได้เลยครับส่วนนายดีเรกนี่ต้องช่วยกันประถมพยาบาลพักใหญ่กว่าจะฟื้นคืนสติลุกขึ้นได้แต่ก็ยังไม่ยอมรับ ว่าปากพาจนเป็นเหตุให้อาถันป่าเข้าสิงเพื่อนสั่งสอนเขาให้รู้จักกฎของป่าการพูดดูหมิ่นสิ่งที่อยู่อย่างสงบมานับพันปีเป็นส่วนหนึ่งของป่าสูงไพรกว้างก็คือความโอหังที่ผีดงผีป่าปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆไม่ได้แต่ว่าความเจ็บายต่อหน้านักโบราณคดีอาวุโสบวกกับพิษเหล้าที่ซ่านอยู่ในสายเลือด ก็สั่งให้ปากนายดิเรกโผล่ออกมาเพื่อรักษาหน้าตัวเองนี่ทุกคนคิดว่าดนานันในะถูกสิงลึกลับสิงใจให้ทำร้ายเพื่อนนะครับแต่ถ้าจะให้ผมยอมรับอย่างจริงใจว่าไม่ใช่ก เ, เกิดหมันไส้แทนสัตาจารย์นก็เลยสั่งสอนผมเนี่ยอัฐน์นปากก็ลองแผลงฤทธิ์ดูอีกทีก็ได้เอาให้เห็นเงินชัดๆเลยถ้าทำไม่เห็นได้ว่ามีจริงอะผมจะยอมเชื่อ ขอขมาลาโทษที่บังอาจผู้จาจับย่วงล่วงเกินไม่งั้นนะ่ะผมต้องเอาคืนกับเจ้าดันนยแน่ชกผมจะปากขอแตกไปหมดแบบเล่นที่เผลอนี่ครับพรานอินกับสองลูกหาบทำหน้าตาตื่นเหลือบมองนักํำรวจอาวุโสอย่างของความเห็นใจท่านผู้เป็นหัวหน้าคณะก็เหงื่อแตกรู้ว่าพรานพื้นเมืองตกใจกลัวได้เหตุใ ด, ดท่านเองก็ใจเต้นระทึกกับความปากเสียของเพื่อนร่วมคณะ นี่หลานชายเธอกำลังจะทำให้ทุกคนเดือดร้อนเพราะความรู้เท่าไม่ถึงกันเพื่อความปลอดภัยของเธอรีบขอขมาลาโทษอาถรรพ์ป่าซะเดี๋ยวนี้เลยนะอุ้ยอย่ามาขอร้องให้ยากเลยครับคนถูกชกนะผมไม่ใช่ท่านเนี่ยลองเป็นท่านโดนเขามานะั่อไงถ้าทำใจเย็นอยู่ได้ผมจะกราบแทบเท้าเลยแหละท่านก็หมดปัญญาจะเกลี้ยกล่อมคนหัวใหม่ไฟแรง ได้แต่พนมมือไหว้ท่วมหัวบอกกล่าวต่อผู้ทรงฤทธิ์ประจำผืนป่าขอขมาลาโทษแทนในดิเรศแต่ก็รู้ดีว่าเป็นความหวังลมลมแรงแรงเหมือนขึ้นสารสถิตยุติธรรมคนอื่นจะรับผิดแทนจำเลยไม่ได้นั่นเองท่ำกลางความตึงเครียดของคณะนายจ้างและพรานพื้นเมือง ซึ่งยืนอยู่รอบกองไฟกระแสลมอันสงบสงัดมาแต่แรกก็มีเสียงอื้ออึงมาแต่กลฟังผืนๆเหมือนขบวนม้าศึกมาเป็นกองทัพเลยตรงดิ่งมาอย่างจุดที่คณะนักสำรวจใช้พักแรมเสียงไม้ไร่ทานแรงลมไม่ไหวหักผงผางดังสนั่นป่ามันน่ากลัวเหมือนกับวันสิ้นโลกพรานอินผู้รอบรู้เรื่องอาถรรพ์ป่า พนมมือโอมอ่านคาถาสะกดลมพายุโดยด่วนแต่ไม่ว่าจะท่องบนกี่จบกี่คาบก็ป่วยการเปล่าประยุทธ์แสงจันทร์คืนเดือนเพ่นที่สองสว่างเมื่อตะกี้นี้ถูกเมฆผลดำทะมืนบดบังจนมืดมิดเสียงพายุปะทะไม้ใหญ่ในป่าลึกดังใกล้เข้ามาทุกทีเหมือนช่างสก้อยโขลงวิ่งตะลุยแหกป่าพร้อมกันนั้นผลหาใหญ่ก็เทกระนำอย่างไม่มีปีมีครุย กลายเป็นพายุฝนทว้าคนองมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี่ยงเปรี่ยงเปียคณะนักสารวจรู้สึกเหมือนจะแก้หูจะแตกดับแต่ไม่มีใครกล้าวิ่งหลบไปอยู่ใต้ร่มไม้เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ายิ่งกว่าเดิมท่านอินได้สติก่อนเพื่อนวิ่งนำหน้าลูกหาไปหลบพายุฝนในเต็นท์หลังใหญ่ที่กางไว้สองหลังหัวหน้าคณะนักสารวจก็นาชาวคณะไปหลบในเต็นท์ที่เหลืออยู่ ท่ามกลางความวิปริตผิดอาเพศลมพาอากาศปัน่นปวนแปรปรวนเหมือนพาถลม่มดินทลายป่าทั้งป่าเหมือนจะพังราพนาศูนเสียงคลึกโครมอย่างประหลาดเหมือนประหนึ่งมีช้างหรือเสือขนาดยักษ์จำนวนไม่ท้วนเหยียบย่ำอยู่บนลานดินมวล น, น้ําหนักอันมหาศาลไม่รู้กี่ตันต่อกี่ตันทําเอาเต้นพ์ผ้าใบทั้งสองหลังโครุงเคลงเหมือนจะเกิดแผ่นดินไหว แต่ละคนที่หลบอยู่ในเต้นก็สวนไปเซมายังกับคนเมาเหล้าไม่ว่าจะเป็นพรานพื้นเมืองหรือว่าคนกรุงต่างก็ตกใจแทบสิ้นสติรู้สึกคลา้ายฝันร้ายทั้งที่ยังลืมตาตื่นช่วงขณะหนึ่งแรงสั่นสะเทือนทำเอาสี่ชีวิตในเต้นของคณะนายจ้างเซถลาหัวที่หัวตำ่ำพลัดออกไปตากฝนอยู่บนลานดินอันมืดทามึน สายฟ้าที่แหลบแปรบแปเป็นระยะสาดส่องให้ทุกคนตกตะลึงอ้าปากกับสิ่งที่เห็นมันเป็นภาพของเสือโคร่งยักษ์หลายสิบตัววิ่งสลับทิศทางสวนกันอยู่ไปมาพยาเสือขนาดใหญ่ยักษ์ว่าใครเพื่อนใช่แต่มือึมายังกับผูขาวเคลื่อนที่บนหลังของมันยังมีบุรุษลึกลับนุ่งห่มหนังเสือผมเผาหนวดาวขาวขาวโพลนยังกะสำลีสูงใหญ่กำยำ นั่งเด่นเป็นสงา่าทั้งเสือทั้งผู้อยู่บนหลังเสือมีดวงตาเจิดจ้าเหมือนคบเพลิงที่กำลังลุกโกรธโฉดช่วงจับจ้องคณะนักสำรวจอย่างเครียยกปรามสี่นักโบราณคดีมีอาการเหมือนกันหมดคือนอนเค้เก้ตัวสั่นภาพภาบด้วยความหวาดกลัวอย่างชนิดไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนลำพังพญาเสือโคร่งยักษ์ไม่ต้องตะปบหรือขบกัดแค่คาบร่างเกี้ยวกลืนในคำเดียวก็ทำได้ สองนักโบราณคดีหัวใหม่ไฟแรงนอนตาค้างตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกผิดกับนักโบราณคดีอาวุโสอ่าที่ยังพอคุมสติได้หัวหน้าคณะปนมมือวันทาไหวท่วมหัวร้องบอกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ข้าแต่เจ้าป่าเจ้าขาวเจ้าทำผู้เป็นใหญ่แห่งไพรลึกลูกช้างผิดเองครับที่ควบคุมผู้ติดตามไม่ได้ เชื่อว่ามหิตริษของท่านย่อมทำให้ผู้เขารู้สํานึกผิดพร้อมจะขอขมาลาโทษต่อท่านแล้วพรุ่งนี้ลูกช้างจะตั้งศาลเพียงตาจัดเครื่องไหว้ด้วยเหล้าฝรั่งและอาหารแห้งถ้ารอดตายกลับสู่ตัวเมืองจะจัดเครื่องเส้นเป็นคํารบสองเป็นการแสดงความคารวะด้วยน้ำใสใจจริงขอท่านผู้เป็นใหญ่แห่งป่าเขาได้โปรดงดการลงโทษ ด, ด้วยเถอะเจ้าขา้า สิ้นกระแสเสียงขอลูกโทษจากศาสตราจารย์หัวหน้าคณะบุรุษลึกลับนุ่งห่มหนังเสือชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะเป็นทีรับการคารวะและขอขมาลาโทษและเมื่อบวกมืออีกครั้งเสือโครงยักษ์ทั้งขยงก็เพ่นหายลับไปยังราวป่าได้ยินเสียงไม้เสียงไรหักผงผางเหมือนป่าถลม่ม ไกลออกไปทุกขณะจิตจนเหลือเพียงเสียงของความปั่นป่วนของลมฟ้าอากาศเท่านั้นเองไม่กี่อึดใจลมฝนกระนําเป็นบ้าเป็นหลังก็ขาดเม็ดเสียงไม้ไร้ต้องลมพายุสลาตันหักโครมครลำสงบเงียบเป็นปลิดทิ้งป่าทั้งป่าคืนสู่ความวังเวงเหมือนเดิมราวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความผ่อนล้วน เหลือประจักษ์พยานว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงก็คือพื้นดินเฉอะแฉะบางแห่งที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำฝนขังล้นเออสมทุมพุ่มไม้อย่างเปียกโชกชุ่มจนได้ยินเสียงน้ำหยดจากกิ่งใบดังเปาะแปะอัน์ป่าสำแดงอนุภาพของมันอย่างเต็มพิกัดอัตราศึกขยาวขวัญได้แม้กระทั่งคนหัวสมัยใหม่แต่ไม่ยอมเชื่อเรื่องผีสางเทวดาอย่างใน d i r e c ซึ่งเผชิญอำนาจลี้ลับสองครั้งซ้อนหน้าตาปูดบวมได้พิษ ส, สงกำปั้นไม่มีรูของเพื่อนเกลอนาทีนี้เขาเชื่อสนิทใจในดานายถูกสิ่งลึกลับที่อาจจะเป็นผีดงผีป่าสิงใจจริงๆเขาก็หายโกรธแค้นเพื่อนเป็นปลิดทิ้งส่วนอาถรรพ์ป่าที่เพิ่งพละจากไปเมื่อตะกี้ยิ่งเชื่อเขาไปใหญ่เนื่องจากโบลานดินยังมีร่องรอยอุ้งตีนเสือขนาดเท่ากระมังผ้าเต็มไปหมด ไม่จำเป็นต้องสืบหาว่าเป็นเสือเผ่าพันใดถึงยักษ์ใหญ่ปานอสุรกายโลกล้านปีแค่รู้ว่ามันเคยมามแดงร่างให้เห็นก็เกินพอที่เขาจะให้ความยำเกรงต่ออาถรรพ์ป่าอย่างซีโรราห์หัวหน้าคณะนักสรบดมองคนรุ่นใหม่อย่างเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมที่เขาแสมาให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทางก็ขยับเข้าไปตบไหลเบาๆอย่างปลอบประโลม เอาละเอาละทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะทำใจให้สบายคนเรามีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ผิดพลาดได้ถือเส้อว่าผิดเป็นครูไปกลับเข้าเต็นเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่บรรยากาศบนป่าดอยในะยิ่งดึกมันก็ยิ่งหนาวน้ำค้างยอดหญ้าจับตัวเป็นแม่คันนิ่งความอบอุ่นร่างกายนี่สำคัญมากขอบคุณในความหวังดีครับท่านศาสตราจารย์ ความตึงเครียดชนิดภาษาทุกเส้นกำหมึกลียวผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดภัยมืดที่คุกคามคณะสำรวจผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจของนักสำรวจรุ่นใหม่ ย, ยังหลงเหลืออยู่ยังต้องใช้เวลาในการพื้นฟูอีกระยะหนึ่งซึ่งจะเนิ่นนานขนาดไหนก็สุดเดาแต่ที่แน่ๆการสำรวจโบราณสถานวัดร้างกลางดงดิบก็ต้องเป็นอันระ ง, งับไว้ก่อน เพราะไม่ว่าป่าแห่งไหนในโลกเรื่องอาถรรพ์ป่าการผิดกฎป่ายังดำรงอยู่อย่างลึกลับและที่สําคัญอาเพศป่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกําหนดกฎเกณฑ์ตายตัวได้มันลี้ลับเหนือคําอธิบายสิ่งที่มองไม่เห็นเหนือการพิสูจน์ยัยงรออยู่อีกเยอะแล้วก็มากาจนไม่รู้ว่าจะต้องทัาผัสกับมันอีกเมื่อไร่จากประสบการณ์ที่เคยล่องไพรจนซึมทราบกับอาถรรพ์ป่าเป็นอย่างดี ท่านศาสตราจารย์หัวหน้าคณะก็ตัดสินใจถอนตัวจากบางพักพร้อมชาวคณะทุกชีวิตในทันทีที่แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าปูงนกป่าก็พากันขยับปีกโผบินโบยบินจากรวงรังไปหากินตามประษาทิ้งความสียดสยองไว้เบื้องหลังอย่างไม่อะไรใหญ่ดีครับที่หมู่บ้านหลังตลาดชุกโดนมีหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาพิกล นั่นก็คือแก้มข้างซ้ายของเขานี่มันย้อยห้อยมาคนก็เรียกกันไอ้หน้าห้อยบงังไอ้แก้มห้อยบงังไอ้ห้อยบงังแต่ที่เรียกกันส่วนใหญ่ก็คือไอ้ห้อยนี่แหละเขาเป็นคนผิวคล้ำเกือบจะดำค่อนข้างจะผอมเนื้อตัวก็มักจะสกระปรกอยู่เสมอพูดก็พูดแตสติก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักแต่ก็ไม่ถึงกับปัญญาอ่อนมากมายอะไรเสื้อผ้าของเขาก็เก่าๆขาดๆอาหารการกินก็ไม่มีใครทําให้เพราะเขาอยู่คนเดียว เนื่องจากว่าแม่โดนหมาบ้ากัดแล้วก็เป็นบ้าจนตายจากโรคนี้ไปส่วนพ่อก็อายุสั้นไปหาปลาเรือเกิดล่มในหนองหน้าน้ําท่วมเนี่ยอืมน้ําล่มทุ่งเลยทั้งที่เขาก็ว่ายน้ําเป็นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทําไมเขาถึงตายได้ก็เลยลือกันว่าเขาคงจะโดนคนจับกดน้ําตายเพราะว่าพ่อของเขาบางทีก็ไปทํามาหากินทางรักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านเขาบ้างเรื่องนี้มีคนโกรธแค้นอยู่หลายคน การตายของเขาก็เลยไม่รู้ใครฆ่าแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครขุดคุย้ยเป็นอันว่าเขาก็จมน้ําตายธรรมดาธรรมดาทีนี้มาพูดถึงไอ้ห้อยเนี่ยพ่อแม่ตายหมดก็เลยต้องอยู่คนเดียวหากินเองขอเขาบ้างไปอาศัยข้าววัดกินบ้างคนใจบุญก็หยิบยื่นให้บ้างบางทีก็กินกล้วยอ้อยของชาวบ้านบ้างตามเรื่องตามราวแต่ส่วนใหญ่แล้วไอ้ห้อยจะไปที่วัดเพราะว่าพระเมตตาสงสารให้ข้าวกินเสมอๆขนมน ม, นมเนยท่านก็ให้ ไอ้หอยบางทีก็นอนที่วัดบางทีก็นอนที่บ้านบางทีก็นอนตามสลาข้างทางละ่ะยุงกัดเนื้อตัวเป็นผื่นเป็นแผลเต็มไปหมดพวกเด็กๆก็ชอบล้อเอาก้อนดินกว้างใส่บ้างบางทีก็หัวแตกเด็กก็สนุกสนานกันใหญ่เด็กพวกนี้มันแก่นแก่นทั้งนั้นพวกผู้ใหญ่ดูว่าก็หลบกันไปพอเผลอมีโอกาสก็เล่นงานไอ้ห้อยอีกไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเขาถึงได้เกิดมามีกรรมอย่างนี้ชาวบ้านก็ได้แต่สลดหดหูใจ เวลาเขาโดนเด็กๆมันเล่นงานหนักๆเขาก็จะโกรธมากกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเขาพูดซ้ำแบบนี้บ่อยๆชี้มือแล้วก็ทำท่าจะวิ่งไล่เด็กๆแต่เด็กก็เปิดหน้าหนีไปก่อนอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านแตกตื่นตกใจเพราะว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งวิ่งมาบอกคนที่กำลังอยู่ที่ร้านค้าของชาในหมู่บ้านไอ้ห้อยตายแล้วไอ้ห้อยตายแล้ว ไอ้ห้อยตายแล้วนี่เป็นข่าวที่ออกมาจากปากของเด็กๆที่แรกก็นึกว่าเด็กมันพูดเล่นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความจริงวิ่งตามเด็กๆไปดูกันเข้าไปในสวนมะม่วงอ่าเป็นสวนผู้ใหญ่เสริมก่อนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ตอนหลังออกจากผู้ใหญ่แล้วแต่คนเขาก็ยังเรียกกันว่าผู้ใหญ่กันอยู่เพราะมันติดปากในสวนของผู้ใหญ่เสริมมีร่างของไอ้ห้อยตกลงมาจากต้นมะม่วงที่มีลูกดอกเต็มต้นเขาสิ้นลมซะแล้ว เขาตายเพราะว่าขึ้นไปเก็บมะม่วงคงจะหิวอยากกินมะม่วงแล้วคงจะเกิดพลาดตกลงมาสอบถามเด็กๆไม่มีใครรู้ว่าทําไมเขาตกเด็กกลุ่มนี้เข้าไปในสวนก็ะจะขโมยมะม่วงกินเหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะได้มะม่วงเดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงร่างไอ้ห้อยหล่นตกลงมาวิ่งไปดูก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรพลใจบุญในหมู่บ้านก็ช่วยกันจัดงานศพเผาศพให้ไอ้ห้อยจนสำเร็จเสร็จเรื่องกันไปก็ทําบุญให้ด้วย หลังจากไอห้อยตายแล้วหมาหอนเกือบทุกคืนนี่แหละที่ทำให้ชาวบ้านกลัวกันมากกลัวว่าจะโดนผีไอห้อยตามหลอกหลอนอ่แต่ก็ยังไม่มีใครเคยเจอคืนหนึ่งเด็กแกนนที่เคยแกล้งไอห้อยเอาไว้เนี่ยหลายคนโดยการเกิดฝันตรงกันว่าไอห้อยเนี่ยมันจะมาเอาชีวิตก็เลยทำให้หวาดกลัวกันมากถึงก็รีบไปถวายสังฆทานที่วัดกันยกใหญ่พ่อแม่นั่นแหละที่จัดการเรื่องนี้ แม้ว่าจะทําบุญกรวดน้ําไปให้ไอ้อยแล้วเด็กบางคนก็ยังฝันซ้ําฝันซากอยู่ว่าไอ้ห้อยจะมาเอาชีวิตเด็กคนหนึ่งเคยกั้งไอ้ห้อยหัวแตกกั้งด้วยก่อนหินเด็กคนนี้เกิดล้มเจ็บเพ้ออย่างหวาดกลัวกลัวว่าไอ้ห้อยจะมาบีบคอร้องลั่นกลางดึกตัวร้อนจี๋เลยพ่อแม่ต้องไปตามหมอผีมาสัดเข่าสารเสกปัดรังควานเด็กชายคนนั้นถึงได้สงบลงได้ ผู้เป็นแม่ของเด็กเห็นร่างดำๆแก้มห้อยๆเหมือนกับไอห้อยนี่หายวูบไปตรงข้างต้นละมุดใกล้เรือนรีบยกมือไหว้ขอโท ษ, ขอ โ, ทษขอโพยแทนลูกอย่ามาจองเวรจองกรรมกันเลยพระคุณจะทำบุญกรวดน้ำไปให้เด็กคนนั้นเจ็บป่วยอยู่ร่วมเดือนถึงได้หายป่วยแม่ก็เลยให้โกนหัวบวชเนนอุทิศกุศลให้ดวงวิญญาณเขไอห้อยผีไอห้อยก็เลยสงบหายเงียบไปตั้งแต่บัดนั้น หมดเรื่องห้อยๆมาถึงเรื่องของผีหมาดำท่านดูฟังตอนเด็กๆ เ, เนี่ยคุณนิพนนอนกับแม่มีน้องสาวอีกคนหนึ่งมุ้งเดียวกันส่วนพ่อก็นอนอีกมุ้งที่เรือนหลังเล็กแม่ห่างกันนัก็มีนอกชานเชื่อมต่อวันนั้นคุณนิพน์ตื่นขึ้นมาด้วยความมุนงงสงสยัยมองพื้นกระดานเรือนข้างๆมุ้งมันมีเมล็ดข้าวสารเกลื่อนกราดแล้วในที่นอนก็มีแม่ข้าวอะไรเนี่ยข้าวสารอะไรเนี่ยเต็มที่นอนไปหมดเลยแม่ เมื่อคืนไม่ได้รู้เรื่องเลยเหรอเรื่องอะไรล่ะแม่เออใครเขาจะเป็นจะตายกันก็ไม่รู้เอาแต่นอนอย่างเดียวแล้วมันเรื่องอะไรกันล่ะแม่แม่ทําข้าวหกหรือไงอะไม่ใช่หรอกเมื่อคืนตอนดึกกับ น, น้องเองเพอผีมันมากวนคุณนิพน์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผีอะไรมากวนน้องสาวตัวเล็กๆอายุเพิ่งจะห้าขวบแก่แกว่าน้องห้าปีแกจําได้ดีในเช้าวันนั้นข้าวสารเต็มที่นอน แม่บอกว่าให้หมอผีมาไล่ผีไปไม่อย่างนั้นน้องก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเพลิดกลัวแต่ผีแม่เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่คุณนิพนหลับปุ๋ยอยู่นั้นกลางดึกสงัดน้องร้องขึ้นมาบอกหมาดําแม่หมาดํามาไปไอด้ดาไปไอด้ดาหมาดําอะไรแม่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดแต่ว่าถามน้องขย่าวตัวปลุกให้ตื่นน้องก็หลับตาพูดแต่หมาดําหมาดําพูดอยู่แค่นั้นแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายอย่างหวาดกลัว พ่อมาดูน้องว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แน่ชัดแต่ว่าพ่อบอกแม่ว่าเหมือนกับผีเข้าก็เลยลงเรือนไปกลางดึกไปที่บ้านหมอเปล่งไปรับตัวแกมาหมอเปล่งคนนี้แกเก่งทางปราบผีไล่ผีใครโดนของถูกคุณแกะกะ็แก้ได้คนแถวบ้านนี้นับถือแกมากแม่เล่าว่าแกมาที่บ้านน้องยังไม่เลิกเพอพูดถึงหมาดาน้องพูดว่ามันมาแล้วหมาดาไล่มันไป แม่ไล่มันไปทีพ่อไล่มันไปมันแยกเกี่ยวแล้วแม่น้องพูดเพ้อแต่ตาไม่ลืมเลยหมอเปล่งเห็นอย่างนั้นก็ถามพ่อว่าไปตกใจอะไรมาหรือเปล่าพ่อก็ไม่รู้ก็เลยถามแม่แม่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะไม่ได้อยู่บ้านไปทํางานกันอยู่ในนาไร่ทั้งวันน้องอยู่บ้านกับคุณนิพนธ์สองคนเท่านั้นเองเมื่อไม่มีใครรู้หมอเปล่งก็เสกข้าวสารซัตว์ไปทั่วระหว่างนั้นน้องก็ทุรนทุรายดิ้นแล้วก็ร้องอย่างน่ากลัว นนีออกจากมุง่งหมอเป่งก็เอาเข้าสารเสกสัดโดนตัวน้องพอน้องโดนเข้าสารเสกเข้าเท่านั้นก็ซุดลงคลานจะหนีหมอเป่งก็บริกรรมคาถาซั์เข้าสารใส่ร่างน้องอีกสามหนน้องก็ค่อยคอยนอนพังภาพลงไปเลยหมอเป่งเห็นอย่างนั้นก็บอกแม่ให้ดูน้องน้องนอนไม่รู้สึกตัวแน่นิ่งไปพักใหญ่พ่อกับแม่ก็ช่วยกันเอายามองมาให้ดมเอาพัดมาโบก ครู่เดียวเท่านั้นน้องก็รู้สึกตัวลืมตามองหน้าพ่อแม่พ่อแม่ก็ดีใจหมอเป๋งก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกน้องก็ถามว่าอะไรกันเนี่ยแม่แม่ก็บอกว่าเปล่าไม่มีอะไรนอนเถอะน้องบอกหิวน้ําแม่ก็ตักน้ํามาให้กินแล้วก็ให้น้องเข้านอนน้องก็นอนพักหนึ่งก็หลับไปหลับไปแล้วก็ไม่มีอาการเพอร้ออีกพ่อก็เลยไปส่งหมอเป๋งแม่ถามคุณนิพนว่าตอนกลางวันวานเนี่ยน้องตกใจอะไรหรือเปล่า คุณนิพนก็นึกถึงเรื่องหมาดาตัวใหญ่มันวิ่งแย่เกี้ยวเข้ามาในบ้านได้น้องตกใจร้องไห้จ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเล่นกับน้องอยู่ที่ลานบ้านอยู่ดีๆหมาดํามันวิ่งเข้ามาน้องก็ตกใจวิ่งหนีจนหกล้มร้องไห้ไอหมาดําตัวนั้นมันก็วิ่งไปทางหลังลองฟงังแล้วหายไปแถวแถวกอไผ่แม่ถามว่าเคยเห็นมันหรือเปล่าอ่าคุณนิพน์ก็บอกไม่เคยเห็นหมาตัวนี้เลยพ่อเริ่มสงสัยว่าคงเป็นหมาดําตัวหนึง่ง ที่บ้านเรานเคยเลี้ยงเอาไว้แต่ว่ามันตายไปแล้วพ่อฝังเอาไว้แถวแถวกอไผ่หลังลอมฟางผีหมาดำํำมาพ่อคงจะไม่ใช่ผีมันจะมากลางวันได้ไงแม่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นผีหมาดําที่พ่อฝังไว้หมาดําตัวนั้นมันโดนยาเบื่อของพวกขโมยที่จะมาลักควายมันปตาอยู่ข้างลอมวางแต่พวกขโมยก็เอาควายที่บ้านไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ดำมันร้องจนพ่อตื่นขึ้นมาซะก่อนแต่พ่อก็ช่วยชีวิตมันเอาไว้ไม่ทัน หมอเร่งบอกพ่อในตอนหลังว่าที่น้องเพลนนั้นเป็นไปได้ว่าคงโดนวิญญาณหมาดามนหลอกเอาผีบางทีก็ ม, มากลางวานันแสกได้เหมือนกันแกบอกว่าเด็กๆมักจะเห็นในสิ่งผู้ใหญ่มองไม่เห็นคุณนิพน์ก็เห็นหมาดาตัวนั้นแต่ก็จำไม่ได้แล้วว่าที่บ้านเคยเลี้ยงหมาดำพ่อบอกว่ามันตายตั้งแต่คุณนิพน์อายุได้สามสี่ขวบ วันต่อมาพ่อก็ขูดกระดูเขามาเอาไว้ฝังไว้ที่สวนหลังบ้านปพระกรัวมันจะมาหลอกหลอนให้น้องขวัญผวาอีกอ่ะเรื่องก็เลยจบไปตั้งแต่นั้นเรื่องน่ากลัวน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่คุณยุพดีเล่าให้ฟังบอกว่าตัวแกเองทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลที่ตัวจังหวัดไม่ใช่เป็นหมอหรือเป็นนางพยาบาลหรอกจริงๆแล้วเป็นเพียงคนงานคนหนึ่งเท่านั้นแต่คนแถวบ้านเพื่อนๆกันนะชอบเรียกคุณหมอ เป็นการหยอกยาวกระเซเอาแย่กันตามภาษาเพื่อนฝูงนะก็ไม่ได้ถือสาอะไรกันหรอกมีอยู่ช่วงปีหนึ่งก่อนโน้นคนแถวบ้านไปเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแกชื่อป้าน้อยแกมีลูกชายอ่าไม่เคยชอบพอกันมาก่อนเลยแต่ว่าช่วงที่แม่เขาเจ็บก็เลยได้คุ้นเคยกันมากลูกชายป้าน้อยเนี่ชื่อในหนึ่งเขาทํางานบริษัทเขาบอกว่าเงินเดือนดีเขาไม่ใช่คนรวยก็พอมีพอกินเหมือนกับครอบครัวของคุณยุพเดียแหละ ดูจากท่าทางแล้วพี่หนึ่งเนี่ยก็ชอบคุณยุพดีมากอ่าคุณยุพดีเองก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่จะช่วยได้เรื่องแม่ของเขาที่นอนป่วยอยู่นานเป็นเดือนเดือนวางก็ไปคอยดูแลให้แต่ว่าป้าน้อยแม่ของเขาเนี่ยสิไม่ชอบคุณยุพดีทั้งที่แกก็ไม่ได้ทําอะไรให้นะเอะ่ไปช่วยเหลือก็เฉยเฉยเมยเมบางทีก็พูดทํานองว่าอย่ามายุ่งกับลูกชายแก เรื่องนี้พี่หนึ่งเขคงจะรู้เพราะว่าเขาพูดออกมาในวันหนึ่งว่าอย่าถือสาหาความแม่เขานะเรื่องนี้มันอยู่ที่เขาคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเขาพูดอย่างเนี้ยยุพดีก็มีกําลังใจเพราะว่าจริงๆแล้วยุพดีก็ชอบเพราอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะเขาหน้าตาหล่อดีแถมพูดจ่าดีซะอีกผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายยุพดีพ่อแม่ยายต่างก็ไม่รังเกียจพี่หนึ่งสายๆวันหนึ่งคุณยุพดีก็ซื้อส้มให้ป้าน้อยปรากฏว่าแกไม่ยอมมองเลยอ่ะ หันหลังได้ยินเสียงแววๆไปให้พน้นแกไม่ชอบคุณยุพดีเรื่องอะไรแกก็ไม่รู้แต่คิดว่าคงจะเป็นเพราะเรื่องพี่หนึ่งเคยชอบอยู่กับลูกสาวลุงบุญเหลือคนบ้านเดียวกันครอบครัวนั้นเขารวยมากแกคงจะอยากได้สภายรวยๆแต่พอพี่หนึ่งมาใกล้คิดจะคุณยุพดีเขาก็เปลี่ยนใจจากลูกสาวลุงบุญเหลือมาชอบอ่าที่ยุพดีคิดอย่างนี้ก็เพราะป้าน้อยเคยพูดว่าแดกดันหน้าดาน ที่วันหน้าด้านนั้นก็คงเพราะแกหาว่าคุณยุพดีน่ยจะแย่งลูกชายแกมาจากลูกสาวลุงบุญเหลือแต่จริงๆแล้วยุพดีไม่ได้แย่งอ่ะแต่ว่าพี่หนึ่งน่ะมาชอบแกเองอ่าแกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าจะโทษก็ต้องโทษลูกชายแกเองอ่ะถึงจะถูกอาการป่วยของป้าน้อยมีแต่จะสุดลงทุกวันเพราะว่าเป็นโรคร้ายที่คุณยุพดีไม่อยากจะเอ่ยถึงอ่าชื่ อ, อมันทาให้กลัว บางคนถือกันว่าโรคนี้เป็นโรคเวรโรคกรรมเพราะรักษาไม่หายป้าน้อยเป็นโรคนี้ที่ปากหมดลูกต่อมาป้าน้อยก็สิ้นลมก่อนตายก็ไม่ญาติดีกับยุพเดีเลยเรียกว่าแกเกลียดจนวันตายเลยก็ว่าได้ญาติพี่น้องนำศพป้าน้อยไปตั้งสวดที่วัดใกล้บ้านงานนี้ยุพเดีก็ไปร่วมด้วยไม่ขาดแม้แต่คืนเดียวเขาสวดอยู่เจ็ดคืนแกก็ไปช่วยเขาต้อนรับคนทําอาหารเลี้ยง พี่หนึ่งก็เปิดเผยกับคนอื่นๆแสดงตนว่าเขาชอบยุพดีไม่ได้ปิดบังอะไรเขาจะอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ตลอดตั้งแต่คืนที่ป้าน้อยตายมาแล้วนี่อยุพดีมักจะนอนฝันแปลกๆนั่นก็คือมักจะฝันเห็นป้าน้อยมายืนอยู่ที่หน้าบ้านจะยืนมองเข้ามาในบ้านหน้าตาบึ้งตึงจะไม่พูดไม่จาชุดที่แกสวมเป็นชุดขาวของโรงพยาบาลก็คือชุดที่แกสวมตอนตายแหละ ผมเผายุ่งเหยิงยืนแข็งทื่อใบหน้าแกก็ออกจะเขียวอย่างที่คนตายแล้วนั่นแหละริมิีปากก็ซีสี่แทงแหง้งๆสองตาเบิกโพลงไม่กระพริบเลยฝันทีไรอยู่พอดีตกใจตื่นเหงือ่อท่วมตัวทุกทีไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแม้กระทั่งแม่เนี่ยกลัวแม่จะกลัวไปด้วยก็นึกในใจวันนี้ป้าน้อยคงจะเกลียดแกมากคืนสุดท้ายที่ตั้งศพสวดคืนนันแหละพระกาลังเข้าสวดอยู่ พี่หนึ่งก็ลืมเอาซองที่บรรจุเงินถวายพระมาจากบ้านเขาก็ชวนยุบดีไปเอาอก็นั่งสอนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่บ้านบ้านไม่มีใครเฝ้าปิดเอาไว้แต่เปิดไฟเอาไว้สว่างทั้งบ้านจะพอไปถึงบ้านเขาไฟในบ้านเกิดดับมืดขึ้นมาเฉยๆงั่นแหละพี่หนึ่งก็บอกสงสัยฟิวจะขาดแต่ไม่มีเวลาเปลี่ยนฟิวเพราะจะต้องรีบเอาซองเงินไปถวายพระตอนที่พระสวดจบเขาก็รีบขึ้นไปเอาซองเงิน ส่วนยุพดีก็ยืนรอเขาอยู่หน้าบันไดข้างๆมอเตอร์ไซค์ตอนที่เขาขึ้นเรือนไปแล้วแกก็ยืนอยู่คนเดียวก็เกิดเลือบไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่บันไดขั้นบนสุดห้อยตองแต่งลงมาเหมือนคนก็เพ่งมองเอ้คนจริงๆอะ่ะแหละแสงไฟจากบ้านใกล้ๆทําให้มองเห็นใบหน้านั้นห้อยหัวลงมาแลบลิ้นยาวเนี่ยตาถลนหน้านะ่ะเป็นหน้าปาน้อยจริงๆตาไม่ได้ฝาดอนะ่ะแกมองยุพดีเขม็งเลย อ่ยุพดีกรีดร้องสุดเสียงด้วยความตกใจสุดขีดสุดลงไปกองเลยจําอะไรไม่ได้ไปพักหนึ่งจนพี่หนึ่งมาประคองถึงได้รู้สึกตัวมีสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ถามยุพดีว่าเป็นอะไรอ่ะก็บอกเขาไปเขาก็ตกใจรีบพากลับไปที่วัดก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ให้จุดธูป บ, บอกเล่าดวงวิญญาณของแกอ่ายุพดีก็ทาแต่แกก็ไม่เลิกรังเกียจอ่ข้าฝันไม่เว้นแต่ละคืนจนกระทั่ง แกต้องตัดใจจากพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็เลยกลับไปชอบกับลูกสาวลุงบุญเหลืออีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมมาทันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับหลายสิบปีผ่านมาแล้วครับในเหลืองนยังเป็นเด็ก เขาได้ยินเขาเล่ากันว่าที่วัดโบสแดงน่ะมีเรือชะล่าสมบัติเต็มลำวันดีคืนดีมันจะลอยลำขึ้นมาเคยมีคนแต่ก่อนมองเห็นแก้วแหวนเงินทองส่องประกายวูบวาบไปหมดมีนักขุสมบัติอยากจะได้กันนักก็เพียนพยายามค้นหาแต่ไม่เคยเจอเลยนายเหลืองสนใจเรื่องนี้เขาอยากจะเห็นเป็นบุญปาสักครั้งในชีวิต และขณะเดียวกันเขาก็หวาดกลัวที่คนในหมู่บ้านเนี่ยล้มหายตายจากติดติดกันหลายคนในเหลืองนี่อยู่กับพ่อแม่ที่ยากจนกินข้าวกับน้ำพริกผักต้มเกือบทุกวันเขาเป็นเด็กชายที่อยากรู้อยากเห็นเวลานั้นและเขาอยากรู้ว่าทําไมคนในหมู่บ้านต้องล้มหายตายจากไปคนเดือนละคนสองคนเขาลือกันว่าโดนปอบกินแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นผีปอบตัว น, นั้น ที่มากินชาวบ้านเขาอยากจะรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงเขาเคยไปเล่นที่วัดเคยเห็นอาจารย์กสินที่แกทําตัวเหมือนตะรุสีปลูกกระท่อมอยู่ในป่าช้าเขาเคยได้ยินว่ามีคนย่องไปแอบดูแกก็เห็นแกไม่ได้ทําอะไรเอาแต่นั่งหลับตาอยู่นั้นๆ น, น, นานมากเลยจนเบื่อที่จะดูต่อเคยได้ยินเขาว่าแกถือศีลกินข้าวมื้อเดียว ก็เห็นทีจะจริงเพราะว่าแกผอมกระรองยังกระโครงกระดูกเดินได้ผมเผาหนวดคราวรุงรังแล้วก็หงอกขาวหมดนุ่งห่มเหมือนพระแต่ว่าผ้าที่แกใช้เนี่ยเป็นสีขาวหม่อมแแมมว่ากันว่านั้นเป็นผ้าห่อศพที่แกขอไปจากสับปะเลื้อวันหนึ่งเจ้าเหลืองเจอแกที่ลานวัดต้นไม้คลึ้มร่มรื่นเขาก็ถามแกว่าอาจารย์ครับใครเป็นผีปอบครับ แกหยุดชะงักจ้องมองหน้าเองจะทําไหมผมอยากจะรู้ครับมันกินคนตายไปหลายคนผมกลัวมันจะกินพ่อแม่ผมอยากรู้เองก็พุง่งโค้งมองลอดวางขาสิแล้วจะเห็นแกพูดแค่นั้นแหละแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้เจ้าเหลืองยืนมองตามแกขมวดคิ้วย้ำบอกตัวเองว่าต้องก้มมองลอดวางขาว่างั้นเจ้าเหลืองเอาไปเล่าให้พ่อแม่ฟัง ก็ถูกสั่งห้ามม่าอย่าไปทําอย่างนั้นเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าผีปอบตัวนั้นมันรู้ตัวไวแอ บ, บดูมันเนี่ยมันจะเล่นงานเอาถึงตายอ่าเขาก็กลัวนั่นแหละแต่เขาก็อยากรู้เขาเห็นใครก็มักจะแอบก้งโค้งดูพวกผู้ใหญ่เห็นก็นึกว่าไอเด็กเวนตะไลเนี่ยมันทําอะไรของมันเหลวไหลไม่ได้เรื่องได้ราวตอนนั้นสิบขวบได้แล้ววันวันนั่งเที่ยวโกงโค้งมองโน่นมองนี่ แต่เขาก็ไม่เคยพบเจอสิ่งที่แปลกประหลาดเลยวันหนึ่งเขาได้ยินว่าป้าจำปีเน่ยเป็นคนแปลกแก่อยู่คนเดียวญาติพี่น้องตายหมดเหลือแก่คนเดียวแกไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยกับใครเขาเลยแล้วแกทําตัวเป็นคนลึกลับไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนมาไหนวันๆก็เก็บซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านหลังเล็กหลังคามุงกระเบื้องเก่า หน้าตาผิวพรรณของแกซีดผมเผายาวสยายหงอกปนดําอยู่ปะปลายกลายเป็นสีเท า, เ, ทาเจ้าเหลืองเคยเห็นแกอยู่สองสามครั้งเท่านั้นเห็นแค่แวบๆดูแกรีบร้อนในการออกจากบ้านมาทําธุระป่าปังเหมือนกับแกไม่อยากให้ใครเห็นหน้าค่าตาแล้วแกก็มักจะมีผ้าคลุมหัวคลุมหน้าตัวแกผอมสูงไม่ได้อ้วนเหมือนกับคนรุ่นราวคราวเดียวกัน เจ้าเหลืองก็นึกอยากจะไปแอบดูแกที่บ้านแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปจริงๆบ้านแกอยู่ใกล้คลองส่งน้ำที่ระบายน้ำจากลาคลองหน้าบ้านไหลออกไปในท้องทุ่งยามน้าเหนือหลากไหลามาเขาจะต้องไปทางหลังหมู่บ้านแล้วก็ลัดเลาะตามชายคลองไปสู่บ้านของแกเขาไปซุ่มอยู่ในดงกล้วยข้างบ้านน้องแกมองไปที่บ้านหลังนั้นเงียบเชียบยังก็ไม่มีคนอยู่ทั้งที่เป็นเวลากลางวัน บายๆเท่านั้นเองเขาเฝ้าดูอยู่หลายอึดใจแต่ไม่เห็นเจ้าของบ้านเลยเอ๊ะแกอยู่หรือเปล่านะหรือว่าแกออกไปไหนซะแล้วจำเพาะต้องมาออกไปวันนี้ด้วยเหรอถ้ารู้ว่าแกออกจากบ้านก็ไม่ดอดก็ามาในเขตบ้านแกให้เมื่อยหรอกเขาเกือบจะหมดหวังก็พอดีได้ยินเสียงแผ่นกระดานบน บ, นบ้านมันลั่นเอียดอาดนั่นแสดงว่ามีคนก้าวเดินเหยียบย่าเขาก็หูพึงใจเต้นแรง เขาเตรียมก้มตัวโก้งโค้งมองออกมาสักทีสีออกมาที่หน้าบ้านในเห็นหน่อยเธอเขาก็ภาวนาเรียกร้องอยู่ในใจเสร็จแล้วป้าจําปีก็ก้าวออกมาที่ระเบียงหน้าบ้านมายืนอยู่คล้ายๆจะมองหาอะไรสักอย่างท่าทางแกกําลังสงสัยทําให้โจ้าเหลืองต้องระมัดระวังตัวแต่เขาก็ค่อยๆกลมตัวลงไปแต่เขาไม่ทันได้เห็นอะไร ป้าจำปีหันหลังเดินหายเข้าไปในบ้านซะก่อนทำให้เขาเกาหัวแกรกแกร ก, ก, รกโอ้แล้วกันทำไมเป็นอย่างนี้วะนี่ก็ไม่ละความพยายามเฝ้ารออยู่อีกนานเป็นชั่วโมงจนเมื่อยนั่งก็แล้วยืนก็นแล้วไม่เห็นแก่ผัวไม่อีกเลยสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านพร้อมกับความผิดหวังแต่แล้ววันหนึ่งไม่คิดไม่ฝันจะได้เจอป้าจำปี ก็ได้เห็นแกยืนเด็ดยอดกระถินอยู่ที่ข้างรัว้วแกไม่เห็นเขาหรอกจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะไอ้เหลืองเขาบอกตัวเองก้มมองเลยสิเขาก็รีบหันหลังให้ก้มลงมองลอดหว่างขาเขาเกือบจะร้องลั่นออกมาแต่โชคดีไม่มีเสียงมันดังอยู่ในใจเพราะว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยตรงนั้นมีแต่แนวต้นกระถินที่เป็นรั้วทอดยาวอ้าวแกหายไปไหนเร็วจัง เงยหน้าขึ้นแล้วก็เหลียวไปอ้าวแกก็ยืนเด็ดยอดกระถินอยู่ตรงนั้นแหละเอ๊แล้วตะกี้ทำไมไม่เห็นไหนลองก้มมองอีกทีสิก้มลงไปมองลอดวางขาไปใจหายว่าเกือบจะร้องออกมาอีกเพราะว่าเขาไม่เห็นใครยือนอยู่ตรงนั้นเลยครั้นเงยหน้าหันมองไปก็เห็นว่าแกยังยือนอยู่ตรงนั้นอ้าวนี่มันไม่ธรรมดาแล้วปาจปําปีแกจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ปกติ แกคงจะเป็นผีหวาดกลัวเสียวสันหลังลนลานรีบแผ่นหนีเท้าไปเตะอะไรบางอย่างเสียงมันกลิ้งดังกรองกรองๆรองไปมันคือกระป๋องนมเปล่าใบหนึ่งมันก็กลิ้งไปข้างหน้าสะดุ้งเฮือกเลยแล้วก็นึกได้เหลียวไปดูข้างหลังก็เห็นป้าจำปีกําลังหันมาจ้องมองอยู่หนาวสันเลยทีนี้ทําไงดีไว้หเหลืองหน้าซีดตัวสัน แต่เขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ค่อยๆก้าวเดินไปด้วยขาสองข้างที่สั่นเทาปิดปากเงียบไม่เล่าให้ใครฟังเล่าไม่ได้ถ้าเล่าขึ้นมาพ่อแม่ดุแน่ที่หาเรื่องไปสอดรู้สอดเห็นเข้าแม้ว่าเขาจะเป็นห่วงพ่อแม่เกรงจะต้องล้มหายตายจากก็จริงอยู่แต่เคยคุยกับแม่เรื่องนี้แล้วแม่ห้ามไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวตกกั้งคืนดึกสงัดก็นอนไม่หลับ และได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปเดินมาวนรอบๆบบ้านใครกันนะมาเดินไปเดินมาเหมือนกำลังหาทางจะทำอะไรสักอย่างกับบ้านของเขาหรือว่าคนในบ้านอดคิดไม่ได้ว่าผู้ที่ทำไม่เกิดเสียงนั่นคือป้าจำปีในความมืดข้างนอกนั้นแกคงกำลังเดินไปเดินมาหาช่องทางอยู่ก็นอนหลับห ล, ลับตื่นตื่นจนง่วงจับทนไม่ไหวก็หลับไปเอง เช้าสว่างแล้วแสงแดดส่องเขาก็รู้สึกหวาดผวาตลอดทั้งวันเลยวันนั้นอดรู้สึกไม่ได้ว่ามีสายตาของใครสักคนคอยแอบมองอยู่ทุกหีก้าวจนเขาไม่กล้าออกไปไหนไกลบอกใครก็ไม่ได้ค่ำคืนย่างกลเข้ามาก็ได้ยินเสียงแปลกๆมันน่ากลัวเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายหวาดผวาทนไม่ไหว เรื่องนี้น่าจะมีคนช่วยได้ก็นึกถึงอาจารย์กสินถ้าแกรู้เรื่องนี้แกคงจะจัดการกับป้าจำปีป้าจำปีนี่แหละน่าจะเป็นผีปอบที่ทำให้ชาวบ้านตายไปหลายคนแล้วเขาก็ไปที่วัดทนรอว่าเมื่อไหร่อาจารย์กสินจะออกมาจากป่าหลังวัดแกก็ไม่ออกมาสักทีทำยังไงดีเข้าไปหาแกที่กระท่อมนั้นเลยดีไหมต้องตัดสินใจต้องทำใจกล้า ไม่เอาดิว่ะเสร็จแล้วก็เฝ้ารอภาวนาให้แกออกมาแกก็ไม่ออกเป็นไงเป็นกันดิขืนรอช้าประสาทกินแนะ่เขาก็เลยค่อยๆเรียบเรียบเคียงเคียงไปยังป่าหลังวัดมองเห็นช่องทางเดินที่อาจารย์กสินเคยเดินหายเข้าไปแข็งใจเลยทีนี้กลัวก็กลัวแต่นี่มันก็กลางวันแสกแสก กำลังเก้ะเก๊ะกลางกลางกรกๆัวๆอยู่ตรงปากทางอาจารย์ก็โผล่มาพอดีเจ้าเหลืองก็รีบยกมือไหว้อาจารย์ครับหยุดก่อนครับอาจารย์ผมรออาจารย์อยู่มีเรื่องจะเล่าครับผมรู้แล้วว่าใครเป็นผีปอบทีแรกแกไม่ได้ใส่ใจเขาแต่พอเขาเอ่ยเรื่องผีปอบแกก็หยุดแล้วก็เหลือบมองเขาแวบหนึ่งผมบอกอาจารย์เลยก็ได้ว่าใครเออป้าจำปีครับป้าจำปี ผมโก้งโค้งดูแล้วผมไม่เห็นันเลยจะยืนเด็ดยอดกระถิ่นผมก็ก้มมองมองทั้งสองทีไม่เห็นทั้งสองทีเลยผมว่าต้องเป็นป้าจำปีแน่ๆเลยครับอาจารย์อาจารย์ก็จ้องหน้าเขาอึดใจหนึ่งแล้วค่อยๆก้าวเดินจากไปเจ้าเหลืองก็รีบตามไปติดๆแล้วก็บอกต่ออาจารย์ครับอาจารย์ต้องช่วยจัดการด้วยนะครับอาจารย์ต้องจัดการเร็วๆนะครับ กลางคืนผมนอนไม่ค่อยหลับเลยผมได้ยินเสียงเดินข้างๆบ้านแล้วก็รู้สึกว่าโดนแอบมองตลอดเลยครับแกก็หันมาเออพอแล้วเข้าใจแล้วเจ้าเหลืองถึงได้หยุดแล้วก็นึกได้ว่าถูกทิ้งให้ยืนอยู่คนเดียวเขาก็รีบพละออกจากเขตป่าที่น่ากลัวเจ้าเหลืองเฝ้ารอว่าเมื่อไร่เสียงฝีเท้ากลางดึกนะั้นมันจะเงียบไปและสายตาที่รอบมองจะหายไปมันก็ไม่เห็นจะดีขึ้น มันกลับยิ่งเกิดความรู้สึกว่าถูกจ้องปองร้ายมากยิ่งขึ้นทําไงดีวะเนี่ยอาจารย์กสินทำไมไม่ช่วยทำไมแกไม่จัดการป้าจำปีผีปอบนั่นสัทีแล้วก็ยิ่งทาให้เขาว่าระแวงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าไปทางไหนก็มีความรู้สึกว่าถูกติดตามเสียงผีเทา้าเสียงกระซิบแต่ไม่เห็นตัวพอวิ่งก็มีเสียงไล่ตามแต่ไม่เห็นใครเออสามวันมาแล้วนะ แกลืมซะแล้วก็ไม่รู้ทนไม่ไหวแล้วต้องกลับไปหาอาจารย์กสินอีกไปย้ำไม่แกลงมือทําแกคนเดียวที่จะจัดการเรื่องนี้ได้เขาลืมไปว่านี่มันเป็นเวลาเย็ยนมากแล้วแล้วก็ใกล้จะค่ําเต็มทีไม่ว่าจะกลัวป่าช้าเก่ายัางไงจะกลัวสิ่งที่คอยติดตามมากกว่าก็เลยต้องจําใจบุกป่าเข้าไปนั่นน่ะมองเห็นกระท่อมของอาจารย์แล้ว หลังเล็กๆมุงใบาจากข้างขวาก็เป็นใบาจากเหมือนกันมันเก่าสุดโทมในน่ากลัวเพราะมันซ่อนตัวอยู่กลางป่าต้นไม้ใหญ่น้อยหนาทึบเขียวครึมไปหมดแก ค, คงกำลังนั่งปฏิบัติอยู่แต่เอดูเหมือนว่าจะแววแววเสียงคนพูดคุยกันอย่างแผ่วเบาก็เลยค่อยๆย่องเข้าไปแอบมองแต่ไม่เห็นเสียงมาจากกระท่อมนะคงอยู่ในกระท่อมนั้นนอะ เจ้าเหลืองก็แหวกข้างวาใบาจากแอบมองสะดุ้งเฮือกเลยปรากฏว่าอาจารย์กสินกําลังนั่งคุยอยู่กับป้าจําปีเกือบจะเพ่นหนีแล้วจะนึกได้ว่าอาจารย์ค ง, งจะไปจับตัวป้าจําปีมาหรือว่าใช้อาคมเรียกแกมาที่นี่ก็ดีใจเกือบจะถะหลันเข้าไปในกระท่อมขยับเข้าไปหลบซ่อนแล้วก็แอบฟังไปบอกไอ้เด็กนั่นให้มันก้งโค้งดูทําไมนะอาจารย์ ก็ไม่นึกว่ามันจะกล้าแล้วจะทำยังไงอ่ะเจ้าเหลืองอ้าปากค้างเลยแต่ตัวสันเอ้นี่มันยังไงกันไอเด็กนั่นหมายถึงใครเราหรือเปล่าเจ้าเหลืองก็คิดอย่างหวาดผวาพวกนี้คุยกันด้วยท่าทางแปลกๆเหมือนกับว่าสองคนนี้เป็นพวกเดียวกันคนที่ตายตายกันนันมาเสือกล่วงรู้ระแคะระคายสงสัยต้องกาจัดมันไปไม่อย่างนั้นจะทำให้เลือรอนไอเด็กนั่นก็เหมือนกัน เจ้าเหลืองผวาสุดตัวเลยขยับเตรียมจะเพ่นหนีแต่ว่าสองคนนั่นออกมาจากกระท่อมทาให้เขาขยับตัวไม่ได้ต้องหลบนิ่งอยู่ในพุ่มไม้ข้างกระท่อมแล้วจะเอาอยัางไงกัลาจาร์เอาสมบัติมา ห, หมดคืนนี้เลยน่าจะเอามันมาเสียตั้งนานนะรออะไรอยู่ก็รู้นี่ว่ารออะไรมันต้องวันนี้แหละคืนนี้คืนที่เรือสมบัติจะลอยลำขึ้นมาสิบปีจะมีสักครั้ง เจ้าเหลืองติดอยู่ในพุ่มไม้จนค่ํา ม, มืดจํำพอต้องมายืนคุยกันข้างๆพุ่มไม้นี่ด้วยเ อ, อ้ยุงก็กัดตบยุงก็ไม่ได้ได้แต่เอามือลูบๆ ป, ปัดๆมันไปคันไปหมดนะ่ะกาวแรงก็ไม่ได้ต้องกาวเบาๆคําแล้วไปกันเถอะไปเอาของของเราอาจารย์กระสินกับป้าจําปีก็พากันออกไปป้าจําปีหยิบอะไรที่ม้วนๆอยู่ไปด้วยเ อ, อ้ อยากจะเห็นเรือสมบัตินั่นเป็นบุญตาสักทีเกิดมาจะได้ไม่เสียชาติเกิดเคยได้ยินได้ฟังเรื่องตำนานของมันมานานแล้วเสร็จแล้วเจ้าเหลืองก็ย่องตามไปถึงบริเวณใต้ร่มโพยใหญ่อันเงียบสงบและมืดตื้อห่างจากกุติพระอาจารย์กระสินก็นั่งลงจุดทูบเทียนสองแสงวอมแวมแล้วก็ส่งกลิ่นใช้คาถาอาคมเสียงพึมพำ ปรากฏว่ามีภาพเรือลอยลำปรากฏขึ้นมาจริงๆเจ้าเหลืองเบิกตากว้างอยู่หลังพุ่มไม้ห่างสองวาเห็นกับตาว่าเรือชล่าลำยาวใหญ่ประกายแสงเรืองรองพุ่งขึ้นมาจากกลางลำเรือป้าจาปีลุกพรวดพราดตาลุกวาวทะหลันเข้าไปหาก้มตัวลงไปโกยของแวววาวในลำเรือใส่กระสอบป่านที่แกม้วนเตรียมมา ขณะเดียวกันอาจารย์กสินก็ใช้คาถาที่ทองบนเสียงดังพึ่มพำๆ ม, ม, มไม่ให้เรือจมลงไปเปิดโอกาสให้ป้าจำปีกอบโกยให้หมดลำเรือพลันป้าจำปีก็ชะงักอาจารย์กรสินก็หยุดท่องมนมีเสียงคนคุยกันตรงมาและแสงไฟมองเห็นได้ว่ากำลังมุ่งหน้ามาทางนี้พ่อแม่ของเจ้าเหลืองนั่นเองตามหาตัวเจ้าเหลือง เสร็จแล้วก็ไปหาท่านสมพาน์แล้วพากันมาทางนี้คุณมาแล้วหนีเร็วของได้ ย, ยังไม่หมดเลยพอแล้วเสียงท่านสมพานธ์ดังมาว่านั่นใครทําอะไรกันอยู่อ่ะอาจารย์กสินกับป้าจําปีรีบแผ่นหนีช่วยกันลากกระสอบไปแต่ว่าซับในกระสอบน้ํามันหนักอึ้งทําให้กระสอบขาดแก้วแหวนเงินทองเกื่อนกราดานบนพื้นเป็นทางยาวส่องแสงแวววาวไปหมด พอท่านสมพันธ์มาถึงกับพ่อแม่ของเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองก็รีบออกมาจากที่ซ่อนพ่อแม่ดีใจที่เห็นเขาแต่เขากําลังจ้องมองของมีค่าบนพื้นพวกมันเลิกส่องแสงแล้วและเมื่อเขาชี้ให้พ่อส่องไฟที่พื้นบริเวณนั้นก็ไม่เห็นมีแกลแหวนเงินทองมีแต่ก้อนอิดก้อนหินก้อนดินเล็กบ้างใหญ่บ้างเกลื่อนกราดอยู่ปรากฏว่าหลังจากคืนนั้นถ้าไหนไม่รู้อาจารย์กสินเป็นบ้า แกผ้าเดินบนเวียนอยู่ในป่าชะส่วนป้าจำปีตายตายเมื่อไหรก็ไม่รู้เหมือนกันเหลือแต่ซากแห้งๆอยู่คาบ้านของแกก็รู้กันว่าป้าจำปีคงจะตายนานแล้วแต่อาจารย์กสิ น, นใช้มนต์ดำของแกทําให้ป้าจำปีกลายเป็นผีคอยรับใช้แกด้วยร่างที่ไร้วิญญาณครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าสืบกันมาอีกเรื่องหนึ่งฟังดูน่ากลัวครับ จริงแล้วไม่จริงไม่รู้อะฟังเอาไว้ก่อนแล้วกันนะในบุญเต็มนี่แกอยู่ที่จังหวัดเชียงสาครับอายุแกก็ห้าสิบกว่าแล้วแกเคยมีเมียมาแล้วแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกันต่อมาเมียแกตายแกก็เลยอยู่คนเดียวใครๆเขก็เรียกแกลุงเต็มน้าเต็มพี่เต็มลุงเต็มนี่แกมีอาชีพหลักคืออ่าตลบนกดักนกอะครับ ด่กนกกระจอกแล้วก็เอานกกระจอกไปขายทั้งที่ยังเป็นเป็นอยู่แล้วก็ตายกินได้แล้วมีบางบ้านที่มีงานบวชงานแต่งงานหรือว่างานศพเขาก็จะมาสั่งลุงเต็มมาบอกว่าลุงลุงเต็มฉันขอซื้อนกกระจอกทะเลทรายไปงานสักสองสามปีบได้ไหมอ้าวแล้วงานเมื่อไหร่วะเดี๋ยวจะได้เตรียมของให้ทันพอตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าภาพงานก็จะจ่ายค่ามาจำให้ลุงเต็มแก่ก่อนครึ่งนึงซึ่งราคาก็ไม่ค่อยแน่นอนก็แล้วแต่คนใกล้ชิดด้วยว่าคนไกลในการที่จะสั่งนกกระจอกทะเลทรายจากลุงเต็มถ้าสั่งไปเลี้ยงในงานนี้ก็ต้องให้เวลาแก่เจ็ดวันเป็นอย่างน้อยเมื่อลุงเต็มแกรับคำแล้วก็รับมัดจำแกก็จะเตรียมเครื่องมือตลบนกกระจอกซึ่งเป็นร่างแหตาทีที กว้างยาวมากแล้วก็มีไม้รวกเหมือนกับคันเบ็ดลอบปลาชอ่อนเนี่ยแต่ว่าใหญ่กวา่าสองอันแล้วก็กรงไว้ใส่นกแล้วก็ของที่จะต้องใช้ในการทําอาหารการกินที่จําเป็นบางอย่างแล้วสิ่งที่แกจะลืมไม่ได้ก็คือเหล้าขาวหลายขวดติดไปด้วยลุงเต็มจะต้องเสียเวลาในการเตรียมการวันหรือว่าสองวันเพราะว่าแกจะต้องออกเดินทางเข้าไปในที่ต่างๆเป็นระยะไกลบ้างใกลบ้างก็แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้ ในระหว่างที่ลุงเต็มแกรับทำนกกระจอกทะเลสายนี้แกจะเคร่งครึมไม่ยอมซุ้งสูงสิงกับใครไม่ต้องรับใครจนกว่าแกจะจัดทำนกกระเจอกจนเสร็จเอามากินได้นั่นแหละแกถึงจะทีนี้คุยคุยจาะเลยคนก็เลยรู้ว่าแกคงไม่ต้องการให้ใครไปเห็นสูตรการทำนกกระจอกทะเลสายของแกนั่นเองแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีพวกเด็กๆที่ออกไปเลี้ยงวัว แอบไปเห็นเข้าแต่ว่าก็เห็นไกลๆฮะเด็กพวกนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้คงอายุเกือบห้าสิบแล้วพวกเด็กๆมาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังบอกว่าเห็นลุงเต็มแกนั่งดื่มเหล้าแล้วก็ไล่นกกระจอกที่ยังเป็นๆจากในกรงขังเข้าไปในปี๊บน้ำมันกาดปี๊บน้ำมันการนี่ไม่มีน้ำมันแล้วมีแต่ปี๊บแกก็ทำช่องที่เปิดปิดเอาไว้ข้างปี๊บช่องนี้จะใหญ่เราๆสักฝ่ามือได้ พอไล่นกบินพลูเข้ามาในปีพ์พอสมควรแล้วแกก็จะปิดช่องนิเซียแล้วก็เอาหินก้อนมาวางทับไว้บนปีพ์เสร็จแล้วแกก็เอาใบไม้ที่หามากองไว้สูงไว้รอบๆปีพ์จนเกือบมิดเสร็จแล้วแกก็หยุดอจุดไฟแย่เข้าไปทางด้านใต้ของกองใบไม้มีทั้งสดทั้งแห้งแกจุดไฟแย่เข้าไปทั้งสี่ด้านไฟก็ค่อยๆลุกลามใบไม้เสียงเปาะแปะบป่าแปะ ลุงเต็มก็ยกเล้าคือมาดื่มนะสักพักมันก็ลุกขึ้นใช้สองมือกอบใบไม้ขึ้นมาโรยโรยไปรอบรอบปี๊บนั้นไปเรื่อยเรื่อยอ่ะก็นานพอสมควรที่แกใส่ใบไม้เข้าไปในไฟเสร็จแล้วแกก็ใช้กิ่งไม้เขี่ยขี้เถ้าที่สุมอยู่รอบปี๊บออกเป็นวงกว้างแล้วก็ใช้วากมา ย, ยกปี๊บไหยขึ้นมาเอาไปวางบนพื้นดินข้างๆอ่ะ เสร็จแล้วไอ้ที่กองอยู่แทนที่ปี๊บดั้งเดิมก็คือกองนกกระจอกที่ไม่มีขนตัวแดงๆลุ ง, งเต็มก็นั่งยองๆห ย, ย, ยิบเขียงมาวางดึงมีดพกออกมาหยิบนกมาทีละตัวละตัวใช้มีดแหวะท้องนกเอาไส้พุงออกแล้วแกก็เอาน้ำอะไรไม่รู้ในถ้วยมาทาที่ตัวนกก็โยนไปบนกระด้งที่เป็นตะแกรงที่ตากแดดไว้แกก็ทาอยู่อย่างเนี้ยทาไปก็ดื่มเหล้าไปด้วยพวกชาวบ้านที่ได้ กินนกกระจอกทะเลทรายของลุงเต็มบอกว่ามีรสชาติที่มันเด็ดขาดดีเหลือเกินทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งมันหอมกระเทียมบิ๊กไทยใช้แก้มเล่าในที่หนึ่งเลยลุงเต็มแกเคยทําอ่านํานกชนิดเนี้ยไปฝากแม่ค้าที่ตลาดนัดขายพรึบเดียวเรียบทําให้ลุงเต็มเนี่ยมีเงินค่าเล่าอยู่เสมอแกก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอีกอย่างที่เป็นข้อเสียของลุงเต็มก็คือแกมักจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ของคนอื่นก็อยากได้แต่ของตัวเองไม่ยอมให้ใครแม้แต่จะใส่บาตรพระสักครั้งแกก็ไม่ยอมทําถ้ามีใครไปถามแกแกก็จะบอกไอ้โ e ธ oh, เอ้ยไปใส่ทําไมอะใส่บาตรพระพระไม่ได้อดอยากอะไรที่ไหนนี่นั่งนอนอยู่เฉยๆก็มีคนเอาอาหารเอาเงินเอาทองไปถาวายถึงที่บางทีก็มานั่งท่องทํารายชาวบ้านฟังผิดมั่งถูกมั่งก็ได้กินข้าว แถมยังได้เงินตอบทายไปอีกด้วยโอ้ยทำไมเอาทำไมทามาบุญทำมาคนที่ถามนี่สะอึกพูดไม่ออกปลายที่แกพูดนั่นมันก็ชอบคนอยู่ที่นี่ยามว่างจากการดักนกลุงเต็มก็จะออกไปทอดแหหาปลาหรือไม่ก็ออกไปหาหน่อม้หาเห็ดก็นับว่าแกเป็นคนขยันหากินคนหนึ่งทีเดียวลุงเต็มแกมีอาชีพทางตลบนกมา20กว่าปีแล้ว แกมีรายได้ขนาดไหนแกฆ่านกมากี่ร้อยกี่พันตัวแล้วก็ไม่รู้แล้วแกก็เป็นคนไม่เอาใครไม่ยอมทําบุญอะไรทั้งสิ้นทําแต่บาปกรรมตลอดแต่ทําไมแกถึงไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่ามีทุกยากอะไรบ้างเลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าชาติก่อนแกเคยสร้างสมคุณงามความดีมามากหรื อ, อยังไงไม่รู้มาชาตินี้ผลบุญก็ตามมาสนองแกมากหน่อยนะทีนี้อย่างว่าแล้วครับบุญนะ่ะ มันมีโอกาสหมดเหมือนกันแล้วเมื่อหมดบุญเมื่อไรผลกรรมนั่นแหละมันก็จะมาแทนที่แล้วก็เป็นความจริงเย็นวันหนึ่งลุงเต็มเพิ่งจะกลับจากการไปหาเห็ดและหน่อไม้จากป่าพอถึงบ้านแกก็รีบติดไฟหุงข้าวเพราะว่ารู้สึกว่าชักหิวแล้วแกก็เปิดจุกขวดเหล้าออกยกขึ้นดื่มทั้งขวดเลยอักอ อ, อเสร็จแล้วก็หยิบจานผัดเผ็ดสักนก ใช้ช้อนเข้าปากเขียวตุยตุย่ยเดินไปนั่งข้างห่อผ้าที่ใส่เห็ดมาจากป่าก็เลือกเห็ดแยกประเภทกันไปก็กินเหล้าไปด้วยจนกระทั่งเหล้าขวดที่สองเหลือครึ่งขวดแกถึงกินข้าวยังไม่ทันถึงครึ่งจานเอแกรู้สึกชอบก้นปวดเมื่อยไปทั้งตัวใจคอมันหดหูไปหมดหัวเริ่มหนักอึง้งมีอาการวิงเวียนทั้งที่แกยังไม่ได้อาบน้าเลย แล้วเกก้นหนาวขึ้นมาทันทีน่ะที่นี่ไม่ต้องเก็บอะไรละจานเจิ้นอะไรขวดวางไว้เงี้ยนะแกคลานเข้าที่นอนไปเลยที่นอนแกก็เป็นเสือ่อมีหมอนเก่าๆมีผ้าห่มไม่เคยเก็บอ่ะแกก็วางกองไว้ตรงนั้นเนี่ยเสร็จ แ, แล้วแกก็ตลบมุ้งลงหยิบผ้าห่มมาคลุมร่างก็คิดว่าไอ้อาการเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็คงหายเอง ลุงเต็มมารู้สึกตัวอีกทีตะวันสองแสงจ้าแล้วไม่รู้กี่โมงแกรู้สึกมันคันยิบยับไปหมดตามเนื้อตามตัวมีอาการตัวร้อนวูบว่บแสบไปทั้งตัวเหมือนจะอยู่ใกล้อกองไฟแกค่อยๆส ง, งกหัวขึ้นมาแล้วก็ยันตัวขึ้นมานั่งแต่หัวก็ยังหนักอยูอ่เพราะเมื่อคืนนี้ตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นมาแกไม่ได้หลับเลยมันหนาวสะท้านในอก แล้วอยู่ๆมันก็ร้อนจนอยากจะแช่ในน้ำมันปวดเมื่อยแปรปราบไปทั้งตัวมาม้อยหลับเอาเมื่อเสียงไก่ขันนี่เองคอแกแห้งมากเลยแกก็ขยับตัวจะคลานไปที่ตุ่มน้ำใกล้ๆเสร็จแล้วโอ้ยหัวเขา่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยหัวเข่ามีแผลได้ไงนี่มันตุ่มอะไรมันขึ้นมาเต็มเลยโอ้ยเจ็บเว้ย ถุงเต็มแกลืมดื่มน้ำแน่ะทีนี้แกถลกกางเกงขากรวย ข, ขึ้นมาถึงสะโพกเลยเอนี่มันตุ่มอะไรมันขึ้นกระแดงพืชไปหมดยังกระสีวหัวช้างอ่าก็ได้แต่กดเบาๆขนาดกดเบาๆยังเสียวแป๊บเจียวอ่ามันขึ้นมาตั้งแต่นิ้วโปงโ่งหัวแม่เท้าเป็นพืชเรื่อยขึ้นมาจนถึงขานี่โอ้นี่มันขึ้นทั้งตัวเลยนี่ ลุงเต็มแกก็เที่ยวไปหาใบายาสมุนไพรที่พอรู้มาตำพอกแล้วก็ทาไปทั่วตัวคราวนี้มันกลับโหด้าไปสร้างความปวดเมื่อยปวดแปลแๆอยู่ภายในร่างกายอ่ามันก็ทำให้แกรู้สึกงุดหงิดแกก็คว้าเหล้ากินมาจะให้มันหลับเมาหลับไปเลยทีเดียวนะเพราะมันหนาวถึงกระดูกด้วยเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็ร้อนอู้เหมันก็เปลวไฟกระจายออกมาจากร่างแกก็คลานไปตักน้ําในตุ่มราดตั้งแต่หัวอ่าจนน้ำํำนองชุ่มโชกตัวกัไปหมดปตักราดตักราดพอความร้อนลดลงบ้างมันก็คันปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาแกทนไม่ไหวแกก็เอามือลูบไปทั่วตัวยิ่งลูบไปถูกหัวตุ่มมันแค่มันก็ยิ่งเพิ่มความคัน แ, แสบร้อนขึ้นมาอีกแกโมโหก็ใช้เล็บเกาเลย แกเกาด้วยโทรศะพทีนี้พอเกาเสร็จก็ เ, เล่าในขวดราดทับลงไปอีกเออคราวนี้มันค่อยๆ ย, ยังชั่วแกเริ่มมีความหวังขึ้นแล้วทีนี้แกเกาแรงๆไปทั่วตัวจนรู้สึกว่าเจ้าตุ่มพวกนี้มันคงจะแตกออกมาหมดแล้วแกก็เอาเหล้าราดลงไปเย็นสบายอา้าวแกก็หลับลงไปได้จนเกือบเที่ยงวันรุ่งขึ้นลุงเต็มก็รู้สึกตัวค่อยๆลืมตาขึ้นมาเ อ, อ๊ะมันเหลืองทึมไปหมดขยับแขนขยับตัวจะยันตัวลุก แขนเจ้ากรรมมันก็ไม่ค่อยมีแรงนะเสร็จแล้วแกก็ออกแรงเสียงแกว๊กลุงเต็มรีบหันลงไปมองที่แขนเพราะมันเหมือนกับว่าแขนนั่งข้างนี่จะติดกาวไว้กับเสื่อที่แกนอนแต่มันไม่ใช่กาวปรากฏว่าท่อนแขนของแกทั้งแขนมันเยมิมแล้วก็ชุ่ ม, มไปด้วยน้าหนองที่มีกลิ่นเหม็นเนา่านะเหมือนจะเอาแป้งเปียกย้อมสีมาเทราดลงไปแกแข็งใจยันตัวเองลุกขึ้นมานั่ง เสร็จแล้วก็มีหยดน้ำไหลลงมาแปะบนริมริปากของแกแล้วหยดอื่นๆก็ไหลาตามลงมาอีกมันไหลยเยิมเข้าไปในปากแกทีนี้ไอ้ความเหม็นเน่าที่เข้าไปถูกลิ้นทำให้แกต้องอาเจียนพรวดออกมานี่ทั้งร่างของแกมันชุ่ ม, มไปด้วยน้ำหนองที่แสนจะเน่าเหม็นมันไหลนองบนเสื่อจนชุ่มไปหมดอีกสองวันต่อมามีผู้ชายชาวบ้านสามคนเดินผ่านหน้าบ้านแก คนทั้งสามได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากในบ้านก็สงสัย่ากันแวะเข้าไปร้องเรียกแกก็มองเห็นว่าลุงเต็มก็ยังนอนลืมตาปากของแกก็ร้องจกแจ๊กจกแจ๊กดวงตาของแกมองมาทางคนทั้งสามเนี่ยมีแววตาเฉยเฉยเหมือนไม่รู้จักกันนะเสร็จแล้วพอเขาโผล่หน้าเข้าไปในบ้านแกก็ต้องพงังอ่ะถอยหลังเพราะกลิ่นเหม็นเน่ามันรุนแรงเหมือนศพกําลังขึ้นอืดนะ่ะ คนทั้งสามพรู้แน่ว่าลุงเต็มแกป่วยหนักแน่แนก็เลยให้คนหนึ่งไปตามอ่าพ่อเท่าชิงซึ่งแกเป็นหมอศัยศาสตร์สักครู่พ่อเท่าชิงก็เดินมาพร้อมกับชาวบ้านหกเจ็ดคนพอมาถึงหน้าบ้านชาวบ้านเขก็พังะถอยหลังไปยืนดูอยู่ห่างๆคงปล่อยให้พ่อเท่าชิงแกเดินเข้าไปในบ้านลุงเต็มคนเดียวแกก็ไปยืนห่างจากลุงเต็มราวสองศอกเห็นจะได้ ลุงเต็มแกก็มองพ่อเท่าในดวงตาละห้อยแต่ปากของแกก็ยังรอง้องจกจักจกจักตลอดเวลาฟังดูแล้วเหมือนเสียงร้องนกกระจอกสักครู่พ่อเท่าก็เดินลงมาจากบนบ้านแล้วก็เดินเข้ามาที่กลุ่มเพื่อนบ้านเนี่ยพ่อเท่าแกก็บอกว่าเออเวร์กรรมวะผลมันส่งมาถึงให้เต็มใจแล้วเอ้ยผลมันแรงแล้วเกินใครก็ช่วยมันไม่ได้นอกจากนอนรอความตายเท่านั้นแหละเออ พอเท่าแล้วนะั่เต็มแกป่วยเป็นโรคอะไรทำไมถึงเหม็นอย่างเงี้ยไอเต็มมันเข้าไปในป่าบ่อยมันคงจะไปทำในสิ่งที่ไม่ควรที่ปิดกฎของป่าเจ้าป่าท่านก็ลงโทษเออไอเต็มมันคงจะไปนั่งทายทุกในป่ารู้เท่าไม่ถึงการวยไอเชื้อไข้ปุ่มเนี่ยมันมีอยู่ที่พื้นดินตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยระเหยออกไปในตวันหนักกอบไอเต็ม แล้วก็มีเห็ดป่าที่ขึ้นอยู่แถวนั้นด้วยเนี่ยมันมันก็น่าจะรู้ว่าอันไหนที่เป็นเห็ดชนิดนี้เออมันออกฤทธิ์ออกเดชอย่างที่เห็นนี่ยเนี่ยอา้าวแล้วไม่มีทางรักษานะเต็มเลยเหรอกระเท่าไอ้โรคไข้ปุ่มเนี่ยมีหมอที่รักษาได้อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่ก็อยู่ไกลแล้วเกินโนโน่นอ่ะสังขละสุดแดนเมืองกาลโน่นอ่ะข้าก็ไม่รู้ว่าแกอยู่ที่ไหนเหมือนกันแล้วก็คิดว่าถึงจะมีใครไปตามหมอคนนั้นมาช่วยรักษาคงไม่ทันการเนะ อย่างเก่งก็ไม่เกินช้าพรุ่งนี้ไอ้เต็มก็คงจะหมดบุญี่มีมันก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมก็บมันต่อแล้วก็เป็นความจริงตามที่พระเท่าชิงพูดตอนสายวันรุ่งขึ้นพวกเจ้าบ้านที่ไปดูที่หน้าบ้านลุงเต็มก็มองเห็นแกนอนงายลืมตาโพลงนิ่งสนิทแล้วที่น่าแปลกมากก็คือมีพวกนกกระจอกพากันมาบินเกาะกันมากมายทั้งในบ้านนอกบ้า น, บ, านบนหลังคา พอชาบ้านมาถึงนกกระจอกพวกนี้ถึงได้พากันบินจับกลุ่มตรงไปทางทิศตะวันตกเหมือนกับว่าพวกนกมันพากันมาฉุดลากวิญญาณลุงเต็มไปด้วยก่อนจะสิ้นใจคงจะทรมานเหลือเกินเพราะว่าสองธมันมาแล้วแกมไม่ได้ดื่มกินอะไรเลยได้แต่นอนแศ้าต่อสู้กับความปวดแสบอยู่เท่านั้นครับนี่คือเรื่องของลุงเต็มเรื่องของบาปบุญกุลโทษซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ ลุงสุขนี่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเงินเดือนสมัยเมื่อสาสิบสี่สิบปีที่ผ่านมานี่ไม่ถึงพันบาทแต่ต้องไปลืมมาทองคำสมัยนั้นบาทหนึ่งสองพันกว่าทเท่านั้นอะ่ะคนแต่งตัวกู้ ก, โก้โด้วยชุดสีกะกีมีเงินเดือนน้อย่อช่างตัดผมอย่างลุงกุหลาบซะอีกเพราะว่าช่างตัดผมตามใต้ร่มไม้ด้วยที่เรียกกันว่าลมโชยเกศายังได้เงินไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบาทต่อวันสเวลานั้น ตอนกเกษียณอายุราชการได้รับเงินเดือนแค่ห้าพัน่าจากนั้นก็หันหน้าเข้าหาวัดโดยไปเป็นผู้ช่วยสั ป, ปเหรอ่อจนกระทั่งสั ป, ปเหรอ่อตัวจริงเสียชีวิตลงก็ได้ขยับขึ้นเป็นสั ป, ปเหร่อแทนแล้วก็ศพแรกที่ได้ทําเองก็คือสั ป, ปเหร่อคนเดิมนั่นแหละนอกจากจะเป็นสั ป, ปเหร่อแล้วยังได้รับมอบหมายจากพระในวัดให้ทําหน้าที่อีกหลายตําแหน่งรวมทั้งการเป็นคณะกรรมการวัดด้วย เมื่อได้เป็นคนวัดอย่างเต็มตัวผลประโยชน์ต่างๆก็ตามมาโดยเฉพาะงานศพนอกจากจะได้เงินจากทางเจ้าภาพแล้วก็ยังมีพวกพวงรีดแล้วก็ของเชิงบาทรหรือของถวายที่สามารถเอาไปขายเป็นเงินได้อีกด้วยเงินที่ได้มาจากการเอาของเหลือจากงานศพไปขายนั้นส่วนหนึ่งจะถวายพระแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ก็มีที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเวลามีงานศพไม่ว่าจะตั้งอยู่บ้านหรือที่วัด แกจะเป็นธุระในการจัดหาพระไปสวดอภิธรรมแล้วก็จะนิมนต์พระในสายของตัวเองเท่านั้นทำให้พระรูปอื่นๆต้องอดกันเพราะว่าการไปสวดหรือว่านิมนต์อื่นใดก็ตามมันหมายถึงจะตุปัจจัยที่พระจะได้รับแล้วก็จะแบ่งให้ลุงสุขทุกครั้งเรื่องนอกวัดหรือแม้แต่ในวัดนั้นก็ไม่มีใครได้รู้เรื่องทั้งหมดหรอกแต่ก็มีบางเรื่องที่คิดว่าแกทำไม่เขาท่าเขาทาง แต่บางครั้งก็จูงคลึ้มชนิดไม่กลัวบาปกรรมกันเลยบางคนถึงก็หลุดปากว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดซะได้ซ้ําไปนะแกเคยพูดคุยกับคุณสมพรผู้เล่าเรื่องนี้บ่อยๆเพราะคุณสมพรเนี่ยเป็นคนไม่มีพิษมีภัยกับใครยิ้มง่ายอารมณ์ดีแล้วเป็นคนขี้เกรงอกเกรงใจคนนะแล้วก็คุณสมพรเคยออกปากยืมเงินสัปเหรอตั้งห้าพันมาแล้วแล้วแกก็รีบจัดการให้ในวันนั้นเลย ดอกบาดเดียวก็ไม่เอาอีกต่างหากลุงสุขเป็นพ่อไม้เมียาตายตั้งแต่ยังสาวแกเลี้ยงลูกสามคนโดยไม่หาเมียใหม่แล้วก็ลูกทั้งสามคนก็ได้ดิบได้ดีกันนั้นโดยเฉพาะลูกคนแรกก็ทราบข่าวว่าเป็นประลัดอำเภออวุโสอยู่แถบจัจงหวัดชายแดนแถบแม่น้ำขูงมีอยู่วันหนึ่งเขาเอาศพเข้ามาในวัดเพื่อจะตั้งทาบุญพอลุงสุกทราบข่าวก็รีบออกจากบ้านตรงไปที่ศาลาตั้งศพทันที เมื่อพบว่าเป็นศพมาจากที่อื่นแล้วก็ไม่รู้จักมาก่อนก็เรียกร้องเอาจากญาติคนตายเป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อจะไปจัดซื้อข้าวของซึ่งเจ้าภาพก็ควักให้เพราะถ้าไปซื้อเองมันจะยุ่งยากอยู่พอสมควรไปซื้อที่ไหนก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลุงสุขหายไปไม่นานก็กลับมาพร้อมข้าวของบางอย่างห่อหุ้มมาเป็นอย่างดีซึ่งทั้งหมดนะก็ได้มาจากบุติพระนั่นแหละไม่ใช่เอามาจากร้านหรอก เงินก้อนนั้นก็ยังอยู่ในกระเป๋าลุงสุขไม่ได้แบ่งให้พระรูปไหนทั้งสิน้นพอตกเย็นก็ไปนิมนต์พระในสายตัวเองมาสวดอภิธรรมแล้วก็บอกทางเจ้าภาพให้ใส่ซองซองละสองร้อยบาททางเจ้าภาพก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ให้มากกว่านั้นเพราะว่ามีฐานะอยู่พอสมควรศพนั้นตั้งอยู่ถึงห้าคืนแล้วก็พระที่มาสวดอภิธรรมกับฉันเพนก็ล้วนแต่เป็นพระในสายที่สลับกันไปสลับกันมารูปไหนให้เปอร์เซ็นต์มากหน่อยก็ได้มาฉันเพนแล้วก็ เอาสวดอภิธรรมแต่ส่วนมากแล้วพระที่มาสวดอภิธรรมจะเป็นรูปเดิมที่เคยมาฉันเพนทั้งนั้น่ะแล้วก็การนิมนต์มาฉันเพนทางเจ้าภาพก็ต้องถวายเจตุปัจจัยด้วยจนกระทั่งถึงวันเผาลุงสุขก็ให้ทางเจ้าภาพเขาจัดเตรียมเชิงบาดแต่เช้าเพราะว่าสายหรือเที่ยงมามันจะไม่ทันตอนแรกเจ้าภาพก็ว่าจะออกไปหาซื้อเองแล้วบางส่วนก็ซื้อมาแล้ว แต่ลุงสุกกลับบอกมาบอกว่าที่ซื้อมานั้นอ่ะให้ถวายกับทางวัดแล้วก็ไปซื้อชุดสําเร็จแค่สามพันกว่าเท่านั้นทางเจ้าภาพก็เกิดความเสียดายเพราะถ้าซื้อมาเพิ่มก็คงจะไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็ขัดไม่ได้ก็ยอมเชื่อลุงสุกให้เงินไปสามพันห้าตามที่ลุงสุกประมาณหรือว่าประเมินให้ลุงสุกออกทางประตูใกล้ศาราตั้งศพแล้วเข้าประตูหลังวัดจากนั้นก็ไปขนเอาข้าว ข, ของที่เป็นพวกเชิงบาทในห้องเก็บของใต้กุฏิพระ โดยมีพระกำเนินช่วยกันขนคนละไม้คนละมือจนเต็มเต็มรถสามล้อจากนั้นก็กลับมาที่สาราตั้งศพโดยทั้งเจ้าภาพก็ไม่ได้จับผิดเพราะมัวแต่ต้อนรับแขกเรือที่ทยอยกันมาเรื่อยเรื่อยงานเนี้ลุงสุขรับไปเต็มเต็มเพราะว่าการถวายเชิงบาทนั้นถือเป็นการถวายให้กับทางวัดและลุงสุกจะเอาไปขายให้กับทางร้านค้าขาประจํากันในราคาที่ถูกกว่านิดหน่อยแต่ก็นานๆครั้งอ่า เหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ใช่เกิดแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นแต่มีให้เห็นบ่อยๆหากไม่ใช่พระเ น, นรู้เห็นเป็นใจแล้วคงทําอย่างนี้ไม่ได้แน่จะว่าไปแล้วพระเนนเองก็ความจริงก็ทําไม่สมควรแต่ท่านก็คงไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันอะก็เพราะว่าลุงสุกในแกเป็นคนเก่าคนแก่แล้วแกก็เป็นค น, เ, ค น, เ, น, คนเจ้ากี้เจ้าการทั้งหมดเนี่ยพระก็เลยต้องเกรงใจแก หลังจากเผาศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีการเรียกร้องเอาค่าแรงค่าน้ําค่าไฟในระหว่างที่มีการตั้งศพเป็นเงินอีกจํานวนหนึ่งทั้งที่ความจริงเรื่องเนี้เป็นเรื่องของจิตศรัทธาแล้วแต่ใครเขาจะบริจาคช่วยเหลือทางวัดซึ่งเจ้าภาพก็รู้ดีแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่แล้วคือ น, นั่นลุงสุกกราบบ้านแลว้วก็อาบน้ำเข้านอนตามปกติเพราะว่าจะต้องลุกแต่เช้ามืดไปจัดเตรียมรวบรวมเท่ากระดูกให้ทางเจ้าภาพ ลุงสุกออดออกอาการร้อนดิน้นแทบทั้งคืนคืนนั้นบางช่วงทุกยีบหลับไปก็ฝันร้ายว่ามีพูดผีปีศาจเข้ามาทํำร้ายตัวเองลุงสุกก็บอกว่าตอนแรกก็เห็นเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปก็เห็นหน้าเห็นตาชัดเจนแต่ใบหน้าของคนเหล่านั้นก็คือใบหน้าของคนตายซึ่งแกเคยเอาน้ํามาพราวล้างหน้าศพก่อนจะเลื่อนเขาเ้าเตาเผานั่นเอง แกสะดุ้งตื่นจากขวัญร้ายเอากลางดึกคาถาคมที่ร่ำเรียนมาก็ใช้ไม่ได้ผลจนต้องออกจากบ้านตรงไปที่วัดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับถูกผู้ผีปีศาจบังคับให้ไปหลังจากออกมาได้จากบ้านประมาณครึ่งทางก็พบ อ, อกแกงกวนเมืองกลุ่มหนึ่งเข้าให้มีแต่วัยรุ่นกำลังห้าวตรงนั้นพวกมันเห็นลุงสุขขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวก็เลี้ยวมากวดไล่แล้วหนึ่งในนั้นก็เอาเท้าถีบรถจักรยานยนต์จนล้มทั้งรถทั้งคน ลุงสุกเองก็ออกปากด่าไปถึงบรรพบุรุษของพวกแก๊งกวนเมืองแล้วเวลานั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนที่แก๊งวัยรุ่นจะโห่ร้องแล้วพากรนหลบหนีไปเดชบุญที่กระสุนเม็ดนั้นมันโดนเข้าแค่ที่ใบหูซ้ายหากวิถีกระสุนเบนมาทางขวาอีกนิดมีหวังเจาะเข้ากลางแสกหน้าเป็นผีเฝ้าถนนไปแล้วแกไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักและตามตัวก็มีแต่รอยถลอกเท่านั้นก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความในตอนนั้นเพราะอยากจะไปที่วัดมากกว่า เมื่อไปถึงวัดก็ตรงไปที่ประตูโบสถ์และอธิษฐานค้ายกระถูกบังคับให้พูดไปอย่างนั้นไม่ไกลนักก็ปรากฏภาพของคนตายเป็นร้อยเป็นพันที่พากันหู่ร้องจนอึงคันึงไปหมดแกอกสั่นขวัญผวาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ให้สัญญากับพูดผีเหล่านั้นว่าแกจะไม่ทําอย่างที่เคยทําอีกแล้วทุกวันนี้ลวงสุขคนเนีย้ยุติบทบาทการเป็นสัปเหร่อไปแล้วครับ แต่ว่าคอยช่วยงานวัดงานพระอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวเนื่องจากแกชราภาพมากแล้วนั่นเองครับคุณรุ้งเล่าให้ฟังเ อ, อเกี่ยวกับบาปกรรมที่เกิดจากการล่าลิงครับแกเล่าว่าวัดในหมู่บ้านที่แกอยู่นั้นมีทั้งวัดประจําหมู่บ้านแล้วก็วัดป่าอยู่นอกเขตหมู่บ้านออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรโดยเป็นวัดที่มีการประกอบพิธีเผาศพของผู้เสียชีวิตด้วยก็เลยเป็นสถานที่ที่เงียบสงบมีต้นไม้ เล็กต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มากพอสมควรทั้งบริเวณวัดป่าก็กว้างมีอาณาเขตอยู่หลายสิบไร่แต่ว่ามีพระที่เป็นเจ้าวาดดูแลรักษาวัดอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นเป็นพระที่มีอายุมากแล้ววัดป่าแห่งนี้อยู่ใกล้กับเชิงเขาสูงตระงานทีเดียวดังนั้นก็เลยมีพวกสิงสาราสัตร์นาน า, นานชนิดมาอาศัยอยู่รวมกันมากมายแต่ก็ต้องหลบหนีภัยจากการไล่ล่าของมนุษย์เพราะว่าไปบุกรุกที่อยู่ของมันนั่นเอง แล้วก็สัตว์ที่มีผู้คนนิยมไล่ล่ากันมากเวลานั้นก็คือพวกลิงมีคนใจบาปมาล่าลิงพวกนี้ไปขายกันเพราะคิดว่าสมองเขามันเป็นอาหารยอดนิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาดีในวัดป่าแห่งนี้ก็มีฝูงลิงจานวนมากที่หนีภัยอันตรายมาอาศัยเขตวัดด้วยเป็นเขตอภัยทานทางหลวงพ่อท่านก็รักเมตตาเลี้ยงไว้ด้วยความเอ็นดูจนสร้างความคุ้นเคยให้แก่กันและกัน มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีคนใจบาปพากันมาปฏิบัติปฏิบัติการโหดด้วยวิธีการที่แยบยนต์ใช้เวลาตอนที่หลวงพ่อกำลังต้อนรับญาติโยมอยู่ภายในกุฏิท่านมาขโมยลิงในวัดโดยพวกนั้นเลือกสถานที่รับหูรับตาคนเพื่อไม่ให้ใครเห็นแล้วก็มาขัดหวังได้บรรดาผูงลิงจำนวนหลายตัวต่างหลงกลพากันเดินเก็บอาหารที่พวกนั้นใช้เหยื่อโปรยล่อไปเรื่อยเื่อเพื่อให้เข้าไปในรถตู้จู่ๆหลวงพ่อซึ่งกาลัง ตอนรับแขกอยู่ก็ลุกแล้วเดินออกมาจากกุฏิตรงไปที่รถตู้คันที่จอดอยู่แล้วก็ตะโกนถามคุณใจบาปพวกนั้นว่าโยมกำลังทำอะไรกันอยู่น่ะพอพวกนั้นได้ยินและเห็นหลวงพ่อกำลังจะเดินตรงเข้ามาก็ตกใจรีบขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ลิงไปเลยสักตัวเดียวตอนนั้นด้วยว่าฝูงลิงเหล่านั้นมาอาศัยอยู่ภายในวัดป่าจานวนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ยังมีอีกจานวนหนึ่งที่ยังหากินอยู่บนเขาแต่ก็ไปไ ป, ไปมามา เวลาถูกผู้คนรบกวนมากเข้าพวกลิงเหล่านั้นถึงจะมาพึ่งใบบุญหลวงพ่ออาศัยอยู่ในบริเวณวัดเวลาหิวก็พากันกลับไปหากินบนภูเขาเหมือนเดิมพวกพรานใจบาปรู้ดีว่าล่าลิงพวกนี้ไม่ได้ในวัดเพราะว่ามีหลวงพ่อคอยปกปักอยู่ก็พากันไปซุ่มคอยพวกมันอยู่บนภูเขามีอยู่ครั้งหนึ่งมีพรานสองคนไม่ทราบว่าเดินทางมาจากไหนจะขึ้นไปรอยิงลิงอยู่บนภูเขา พอดีคุณรุ่งเนี่ยเดินผ่านไปพร้อมอาวุธเห็นว่าผิดสังเกตก็เดินตามผ่านทั้งสองไปหมายจะขัดขวางเพราะารู้ว่าการล่าลิงในบริเวณนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามครั้นเมื่อเดินตามขึ้นไปก็หาสองคนนั้นไม่เจอเสียละเพราะว่าเขาหาที่มิดชิดหลบซ่อนตัวเพื่อจะยิงลิงกันแล้วแต่แล้วคุณรุ่งก็เดินกลับลงมาบอกหลวงพ่อทิวัดหลวงพ่อท่านเกิดไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแต่พูดสั้นๆบอกช่างมันเถอะ มันยังไม่ทันได้กินสมองลิงกันหอกกรรมก็จะตามทันมันเสียก่อนแล้วหลวงพ่อพูดจบได้เพียงครู่เดียวก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นบนภูเขาก็รู้ได้ทันทีว่าต้องพรานใจบาปสองคนนั้นยิงลิงแล้วแน่นอนคุณลุงก็เกิดอาการลุกลี้ลุกลนด้วยเป็นห่วงพวกลิงที่มีความผูกพันกันมาตั้งนานด้วยว่าเคยให้อาหารการกินกันมาในวัดอยู่บ่อยๆพอหลวงพ่อเห็นอากัปกิริยา ของคุณรุงเป็นอย่างนั้นก็พูดต่อเองอย่าไปเดือดร้อนอะไรกับคนที่กําลังทำบาปทํากรรมเลยเองทำใจให้สงบไว้ดีกว่าหลังจากนั้นไม่ถึงสามนาทีก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกจนกระทั่งอดใจไม่ไหวก็เลยชักชวนเพื่อนบ้านอีกสองคนเดินขึ้นไปดูหมายจะไปต่อว่าพวกคนใจบาปเมื่อพร้อมกันเต็นที่เรียบร้อยแล้วคุณรุงกับเพื่อนบ้านก็เดินขึ้นไปบนภูเขาทันทีพอขึ้นไปก็เที่ยวตามหา ไอ้คนบาปสองคนนั่นเดินหากันอยู่พักใหญ่จมูกก็ได้กลิ่นคาวเลือดโชยมาตอนแรกก็นึกว่า พ, พวกนั้นคงจะยิงลิงได้หลายตัวแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ก, ก็พบว่าเป็นผู้ชายคนนึงนอนจมกองเลือดอยู่ข้างๆตัวมีปืนตกอยู่กระบอกหนึ่งกับซากลิงเคราะห์รายตัวหนึ่งซึ่งถูกมัดมือมัดขาแขวนไว้กับปืนส่วนอีกคนหายไปไหนไม่รู้เมื่อได้เห็นอย่างนั้น ชาวบ้านก็เดินตามหาคนที่หายไปทันทีติดตามไปเรื่อยๆจนถึงเชิงเขาก็ทราบจากปากของชาวบ้านที่ทําร่อยู่บริเวณนั้นว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากภูเขาท่าทางลุกลี้ลุกรนแล้วก็วิ่งหนีหายไปคุณลุงกับเพื่อนบ้านทั้งสองคนก็รีบกลับไปบอกให้หลวงพ่อทราบถึงหลวงพ่อก็ได้แต่พูดนั่นแหละกรรมของพวกมันแหละไม่เพียงแค่นี้หรอกนะแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ คุณลุงกับชาวบ้านก็ช่วยกันนําศพของชายที่เสียชีวิตนั้นลงมาจากภูเขาจนกระทั่งเสร็จหลังจากนั้นผ่านไปเพียงอาทิตย์หนึ่งก็ได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่ามีคนแปลกหน้าคนนึงถูกรถชนสมองเละเลยซึ่งเขาบอกถึงลักษณะของชายคนนั้นอย่างละเอียดวันนั้นคุณรุ่งไปดูอย่างที่เกิดเหตุก็ถึงก็อึ้งเลยทีเดียวเพราะว่าชายคนที่ว่านั่นน่ะคงจะเป็นคนคนเดียวกับตะพารคนที่หนีไปได้นั่นเองก็เป็นอันว่า คนใจบาปสองคนนั้นได้ชดใช้กรรมชนิดทันตาไปทั้งคู่ด้วยความอนาจใจเป็นอย่างคําที่หลวงพ่อท่านพูดทิ้งไว้ไม่มีผิดเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในอดีตการนานมาแล้วมีพญานกตัวหนึ่งได้บินนําฝูงบริวารของตัวไปอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แผ่กิ่งก้านสาขาอันร่มครึ้มไปได้วยดอกใบ คลุมไปทั่วสระน้าที่ใสสะอาดนกทั้งหลายก็ได้อาศัยอยู่ด้วยความสุขสําราญใจเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ใกล้สระน้นํานี่มีพืชผลพลาหารอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็ถ่ายมูลปฏิกูลลงไปในสระน้ําทุกวันทุกคืนโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าพวกตัวได้สร้างความขมขื่นให้กับพญานาคผู้อาศัยอยู่ในน้ํา พอนานเข้าไอ้ความขมขื่นทั้งหลายก็กลายเป็นความเจ็บแค้นโกรธเคืองก็คิดหาเรื่องที่จะกำจัดเจ้านกพวกนี้ให้ไปพ้นสระน้ําด้วยอิทธิฤทธิ์ของตัวครั้นถึงเวลากลางคืนพญานาคก็บรรดาให้น้ําในสระเดือดพล่านจนเป็นควันกรุ่นขึ้นไปไม่หนำใจก็ยังทําให้เปลวไฟลุกโชดช่วงสูงเป็นลําตาลหวังจะผ่านชีวิตนกทั้งหลายด้วยไฟฤทธ เมื่อพญานกได้สังเกตเห็นการกระทําของพญา น, นาคก็ร้องบอกบริวารทั้งหลายของตัวว่าเวลานี้น้ําในสระก็เกิดลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วเราทั้งหลายจงรีบหนีไปจากที่นี้เถอะไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายถึงชีวิตเสร็จแล้วพญานกก็บินนําบริวารบินหนีไปรอดพ้นอันตรายที่กําลังจะมาถึงไปได้แต่ว่าในที่นั้นก็ยังมีนกอีกมากมายที่ดื้อไม่เชื่อฟังถ้อยคําของพญานก ก็เลยต้องตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งความแค้นของพญานาคที่ต้นไม้นั้นนิทานชาดกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดๆว่าไปอยู่ที่ไหนนยอย่าทำให้เขาเดือดร้อนนะในเมื่อตัวเองมีความสุขมีความสบายแล้วนี่ก็ควรที่จะพินิษพิจารณาว่าไอ้ความสุขความสบายของตัวนี่มันตั้งอยู่บนความยุ่งยากเดือดร้อนลาบากของคนอื่นหรือเปล่า เขาทนได้ก็ดีถ้าเขาทนไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนอย่างเหตุการณ์ในชาดกเรื่องนี้ครับเมื่อพูดถึงเรื่องชาดกแล้วเนี่ยผมมีชาดกอีกเรื่องจะเล่าให้ฟังเมืองพาราณสีตอนนั้นเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองยุคสมัยนั้นมีพ่อค้าอยู่เยอะทีนี้ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่ง เขาประกอบการค้าร่วมกันด้วยการนำสินค้าของตัวลงบรรทุกเรือสำเภาไปขายยังเมืองต่างๆวันหนึ่งขณะที่เรือสำเภาของพ่อค้าทั้งหมดนั้นกำลังแล่นไปด้วยกำลังลมในท้องทะเลก็บังเกิดเหตุวิปริตคลื่นลมที่สงบราเรียบก็กลับแปรปรวนปั่นป่วนขึ้นอย่างรุนแรงก็ทําให้เรือสำเภา น, นถึงแก่การอับปางลง กระแสคลื่นของทะเลในเวลานั้นก็ซัดพาร่างของพ่อค้าซึ่งตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดฝันก็แตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางพ่อค้าคนไหนที่ยังพอมีสติมีกําลังกพยายามประยุงกายไหวว่าหาวัตถุที่ลอยมากับกระแสะน้ําเป็นทุ่นประยุงตัวเอาไว้ส่วนคนที่ขาดสติขาดกําลังก็ถูกกระแสคลื่นลมที่พัดจัดซัดกระหน่าจนสิ้นแรงแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเล ก็กลายเป็นเหยื่อปูเหยื่อปลาจนหมดสิน้นจากการที่เรือสำเภาได้มาล่มจมลงกลางทะเลอันไกลโพ้นที่มองไม่เห็นฝั่งอย่างนี้แม้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตโดยที่ไม่ถูกทะเลดูดกลืนลงไปในขณะนั้นแต่ว่าจากการที่อยู่ห่างไกลฝั่งเป็นอันมากก็ทําให้พ่อค้าที่ลอยคออยู่ในห่วงน้ํานั้นก็ไม่อาจจะประยุงกายของตัวเข้าหาฝั่งได้ต่างก็พากันหมดแรงแล้วก็จมลงไปในกระแสน้ําทีละคนสองคน จนกระทั่งเวลาผ่านมาถึงเจ็ดวันพ่อค้าผู้เคราะร้ายกลุ่มนั้นก็สิ้นชีวิตใต้เกลียวคลื่นของทะเลโหดไปจนกระทั่งเกือบหมดสิ้นเหลือรอดชีวิตจากเหตุวิปริตครั้งนี้มาได้เพียงคนเดียวเพราะว่าถูกกระแสน้าพัดพาไปติดอยู่ที่ท่าน้ําแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นกระทุ่มขึ้นอยู่ริมท่าเมื่อพ่อค้าคนนี้ฟื้นคืนสติแล้วรู้ว่าตัวเองยังไม่ตาย ก็สำรวจตรวจดูเนื้อตัวของตัวที่มีสภาพเสื่อมโทรมเพราะว่าการที่ต้องลอยคอยอยู่ในทะเลนานถึงเจ็ดวันเนี่ยอาหารการกินอะไรก็ไม่เคยได้ตกถึงท้องเลยส่วนเสื้อผ้าที่นุ่งห่มก็ขาดวินไม่มีชิ้นดีจะมีเหลือติดอยู่มั่งก็ไม่อาจจะให้ความอบอุ่นหรือว่าปกปิดการความอุจจารได้ก็เลยปลดไอ้ส่วนที่เหลืออยู่หาประโยชน์ไม่มีนั้นทิ้งไปเสยเสร็จแล้วก็ ออกขออาหารจากชาวบ้านในถิ่นนั้นเพื่อยังชีพของตัวที่นี้ชาวบ้านเนี่ยคนทั้งหลายเมื่อได้เห็นพ่อค้าคนที่ว่าเนี่ยเดินไม่มีเสื้อผ้าอภรรตปกปิดร่างกายก็เข้าใจผิดคิดไปว่าเอชรอยท่านผู้นี้คงจะเป็นนักบวชผู้บรรลุธรรมขั้นสูงคงจะเป็นผู้สิ้นแล้วในกิเลสตัณหาทั้งปวง ไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ไม่ต้องการถึงได้เดินโทงโทงไปอย่างนี้ผู้คนทั้งหลายก็เกิดมีความศรัทธาอแปลกเ อ, กเอคนสมัยนั้นไม่ใชเขาศรัทธาคนแก่้าอาสําคัญว่าเป็นผู้มีความมักน่อยไม่สนใจในการสะสมสัพ์ขณะเสื้อผ้าก็ยังไม่สนใจจะมีไว้นุ่งไว้หม่มก็ชักชวนกันมาสักการะด้วยดอกไม้เครื่องหอมตลอดจนโภชนาหาน เสร็จแล้วก็ช่วยกันจัดสร้างอาสมสาลาแล้วก็เรียกพ่อค้าผู้นี้ว่ากฐธรรมะอัจิลกแปลว่าชีเปลือยท่ากระทุ่มชายพ่อค้าเห็นคนทั้งหลายพากันมาปฏิบัติตัวอย่างนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคนเหล่านี้มีความศรัทธาในตัวเพราะว่าหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นนักบวชผู้บรรลุธรรม คนนำเครื่องสักการะบูชามากันไม่ได้ขาดพ่อค้าคนนี้ก็เลยเกิดมีความคิดว่าในเมื่อคนทั้งหลายเขามีศรัทธาคิดว่าเราเป็นนักบวชอย่างนี้ก็สมควรที่เราจะอาศัยความศรัทธานี่เป็นประโยชน์ในการยังชีพต่อไปเพราะว่าการทำอย่างนี้จะทำให้ตัวมีความอยู่อย่างเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิตให้เหนื่อยยากลาบากกายอย่างเหมือนเมื่อก่อน พอคิดได้อย่างนี้แล้วพ่อค้าคนนี้ก็ถืออุบายหาเลี้ยงชีพยอย่างสุขสมรัลแม้ใครจะเอาเสื้อผ้าอาภรณ์ อ, อย่างดีมาให้ก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับไว้รับไว้แต่อาหารอย่างเดียวการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้มีความมักน้อยสันโดษของพ่อค้าเปลือยที่ว่านี้นับวันก็ยิ่งจะทําให้มีผู้ศรัทธาเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกทีทุกที ก็ทำให้ชื่อเสียงของชีเปลยสมณะปลอมผู้นี้แพร่สะพัดไปสู่หมู่ชนอย่างกว้างไกลแม้กระทั่งพญานาคเจ้าแห่งนาคาซึ่งมีชื่อว่าพญานาคปันธรกะแล้วก็พยาครุฑราชาแห่งหงมู่ปักสีซึ่งมีถิ่นอาศัยในแดนไกลก็ยังเฝ้าเวียนมาปฏิบัติด้วยความสำคัญผิดคิดว่าเป็นผู้วิเศษจริงตามที่คนทั้งหลายเล่าลือกัน โดยปกติวิสัยของครุฑกับนาคนั้นจะเป็นคู่อริต่อกันเพราะว่าเมื่อมีการพานพบกันครั้งไหนก็จะต้องมีการต่อสู้กันเสมอซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการต่อสู้ของทั้งสองคือครุฑกับนาคนี่ฝ่ายนาคก็มักจะเป็นผู้แพ้ถูกครุฑจับไปกินเป็นอาหารแทบจะทุกคราวแต่ต่อมาภายหลังพญานาคปันธรกะผู้เนี้ฉลาด คิดอุบายแยบยนต์สามารถปกป้องไม่ให้พวกนาคซึ่งเป็นญาติของตัวถูกพวกครุฑจับตัวไปกินได้อีกคืออุบายอันนี้พวกนาคจะปกปิดไว้เป็นความลับที่ไม่อาจจะแพร่ทายให้ใครรู้ได้เลยที่นี้ฝ่ายพวกครุฑซึ่งชอบที่จะจับนาคไปกัดกินเป็นอาหารเมื่อไม่สามารถจะจับนาคได้อย่างแต่ก่อนซ้ำยังต้องสูญเสียชีวิตญาติพี่น้องของตัว เวลาเข้าจับภุมินาคอตายไปเยอะแล้วก็พยายามที่จะสืบหาความลับของพญานาคอยู่เมื่อพญครุฑรู้ว่าพญานาคปันธรกะนี่มักจะมาปรนิบัติชีเปลือยอยู่เสมอก็เห็นช่องทางที่ตัวจะพอค้นหาความลับของพวกนาคได้ดังนั้นวันหนึ่งพญครุฑก็บินมาปรนิบัติชีเปลือยเสร็จแล้วก็ถามสิ่งที่ตัวอยากจะรู้เกี่ยวกับพวกนาคอาจารย์ครับ คือญาติของข้าพเจ้านี of ่พากันล้มตายเพราะพวกนาคเป็นอันมากเพราะเหตุที่ไม่ร He sure? ู้ว <smells like so |notimestamps|> ิธีจับนาคเขาว่ากันว่านาคเนี่ยมีเลขกลสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่ท่าให้ครุดไม่สามารถจะจับตัวได้อาจารย์พอจะรู้กนอุบายอันนี้หรือเปล่าครับอุบายของพวกนาคที่ท่านถามถึงเนี่ยนะเวลานี้เรายังไม่อาจจะบอกแกท่านได้หรอก แต่ถ้าท่านมีความประสงค์อยากจะรู้จริงๆใช่มไหมอถ้าอยากจะรู้จริงๆเดี๋ยวเราจะลวงถามความนี้จากพญานาคเสร็จแล้วจะมาบอกให้ท่านรู้นะพญาครุฑได้ฟังคํารับปากจากชีเปลือยอย่างนั้นก็ให้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่ตัวปรารถนาจะได้รู้ในี่ใกล้จะสมประสงค์แล้วหลังจากพูดคุยสนทนากันเป็นที่สมควรพญาครุฑก็ลาชีเปลือย บินสู่ท้องฟ้ากลับถิ่นที่พำนักของตัวฝ่ายพยานหน้าเจ้าแห่งหนาคาผู้ให้ความเคารพต่อจีเปลือยด้วยความจริงใจสำคัญว่าเป็นผู้ทรงศีลเมื่อถึงเวลาก็ขึ้นจาก่วงน้ำมาปรนนิบัติจีเปลือยอย่างที่เคยปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยแม้ว่าบุคคลที่ตัวให้ความรักและเคารพนับถือนั้นกาลังจะนภาภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ตัวในการภายหน เมื่อพญานาคมาถึงสอบถามทุกสุกันพอเป็นพิธีแล้วทีเปลือยสมณะปลอมก็เริ่มอุบายเพื่อลวงถามความลับที่ตัวรับปากไว้กับพญาครุฑทันทีเออนี่ท่านพญานาคผู้เป็นใหญ่ในห้วงน้ํามีผู้คนเขาเล่าลือกันว่าพวกครุฑซึ่งเป็นศัตรูกับท่านเนี่ยต้องถึงกับความตายไปเป็นอันมากเพราะว่าการบุกเข้าจับกุมพวกท่านเนี่ย ฮะท่านมีอุบายอะไรเหรอถึงทำให้พวกครุฑไม่อาจที่จะจับกุมพวกท่านได้ซ้ำยังต้องล้มตายลงไปเป็นอันมากท่านพอจะบอกเค็ดลับข้อนี้ให้เราได้รู้บ้างได้ไหมละ่ะพญานาคได้ฟังคาชีเปลือยที่ถามถึงความลับของพวกตัวก็บอกว่าเออเรื่องนี้เป็นความลับสำคัญยิ่งของพวกนาคอาจารย์ถ้าหากว่า เราบอกอาจารย์แล้วเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความตายแห่งพวกญาติของเราได้เราไม่อาจจะบอกความนี้กับพระคุณเจ้าได้หรอกขออาจารย์อย่าได้ถือโทษเ อ, อข้าพเจ้าเลยแม้ว่าจะถูกปฏิเสธโดยแจ้งชัดแลด้วก็ตามชีพเปลยก็ไม่ได้ละความพยายามคืออย่างนี้นะปียา น, นากนะ เราเน่เป็นนักบวชผู้บำเพ็ญศีลงดเว้นในการเบียดเบียนทั้งในตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นรวมถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแล้วท่านพญา น, นาคจะได้เข้าใจเราผิดไปเลยว่าเมื่อเรารู้ความลับของท่านแล้วนี่เราจะไปบอกศัตรูของท่านหรือว่าจะไปบอกกล่าวก่คนหนึ่งคนใดเราไม่พูดเราไม่พูดด้วยสัจจะของเรานี่เราจะไม่ทาอย่างนั้นแน่นอน ไอ้ที่ถามนี่ก็เป็นจะเพียงเพื่อความรู้จะได้รู้เอาไว้ประดับแมไม่ได้มีเล่อุบายอื่นไดซ่อนเด่นนะเออถ้าบอกได้ก็บอกแม้พญานาะปันธรกะได้ฟังคำชีเ้เปรยพูดประเลาประลมก็หาได้เกิดความใจอ่อนผ่อนตามไม่เพราะว่าในใจของพญานาะยังมีความระลึกอยู่เสมอว่า หากตัวบอกความลับนี้ไปในภายหน้าตัวและญาติมิตรของตัวอาจจะได้รับภัยเพราะเป็นการเปิดเผยความลับนี้ต่อผู้อื่นก็เลยกล่าวลาเพื่อเป็นการตัดบทกับชีเพอยกลับไปยังที่อยู่ของตัวชีเพลยผู้ได้รับปากพยาครุฑไว้ก็หาได้ละความพยายามในการที่จะล้วงความลับของชาวบ้านในทุกครั้งที่พยานาคปัญธรกัมห ah. า ก็จะหาโอกาสสอบถามถึงความนี้เสมอจนในที่สุดพญา น, นาค ก, ก็เกิดความใจอ่อนรับปากว่าจะขยายความลับของพวกตัวให้รู้แต่ก่อนที่พญา น, นาคจะบอกอธิบายถึงกลวิธีอันเป็นความลับของตัวพญา น, นาค ก, ก็ให้ชีเปลยกล่าวคําปฏิญาณเป็นสัจจะสัญญาว่าเมื่อรู้ความลับของพวกตัวแล้วจะไม่บอกความนี้ต่อผู้ใดผู้หนึ่งต่อไปอีกเป็นอั้นคัด ีเปลือยก็รับคำต่อพญานะให้คำมั่นสัญญาอย่างแข็งขันโอ้ยท่านพญานะผู้ยิงใหญ่ท่านจะได้วาดวิตกไปเลยเราขอรับรองได้ความสัตย์ว่าเมื่อเรารู้ความลับของท่านแล้วเนี่ยนะเราจะเก็บรักษาไว้ประดุจเป็นเรื่องของเราเองเลยทีเดียวเราจะไม่แพร่พายต่อผู้ใดอีกเป็ น, นั้นขัดถ้าท่านยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจเรานะ เราขออ้างฟ้าดินเป็นพยานถ้าหากว่าเราผิดคำต่อท่านก็ขอให้ศีรษะของเรากระแตกเป็นเจดเสียงแล้วถูกแผ่นดินสูบให้ไปทนทุกข์ในเอเวจีมหานรกอย่างได้รู้จักผุดจักเกิดเลยนะเราขอสาบานกดต่อท่านต่อหน้าไอ้กรโถนปากแตรไปเนี้ยพญานาคปัญธรกะได้ฟังคำสัญญาอย่างมั่นหมองชีเปลือยอย่างนั้น ก็สําคัญบัญชีเปลือยต้องการจะรู้ความลับของตัวเพียงเพื่อเป็นความรู้เท่านั้นไม่ได้มีเจตคิดร้รายหรือว่าลวงถามด้วยเลขกลนอุบายอย่างที่ตัวเข้าใจแต่แรกไม mm. ่ก็เลยบอกความลับของตัวให้ฟัง mm. คืออย่างนี้นะอาจารย mm. ์การที่ข้าพเจ้าแล้วก็ญาติของข้าพเจ้าสามารถป้องกันชีวิตให้รอดพ้นจากการจับกลุ่มของพวกครุฑได mm. ้แล้วก็ทุกครั้งที่พวกครุฑ เข้าจับพวกเราพวกครุฑจะต้องถึงแก่ความวิบัติก็เพราะว่าในขณะที่พวกเราเห็นครุฑแหวกน้ําบินเข้ามาจะจับกลุ่มพวกเราซึ่งเป็นนาคนี่จะขดร่างเป็นขนดุดพร้อมทั้งชูศีรษะขึ้นพร้อมที่จะฉกกัดการกระทําอย่างนี้จะทําให้พวกครุฑไม่สามารถจะจับพวกเราได้โดยง่ายถึงแม้จะจับได้ก็จะจับได้ในช่วงส่วนศีรษะ ซึ่งไม่อาจที่จะฉุดร่างพวกเราให้ลอยขึ้นจากคลื่งน้ําได้รวดเร็วทั้งนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกเราได้กลืนก้อนหินเข้าไปในท้องเป็นจานวนมากก็ทําให้พวกเรามีน้ําหนักตัวมากขึ้นเกินกว่ากําลังพวกครุดจะฉุดพาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พาไปได้ในระยะไกลถึงจะฉุดไปได้น้ําหนักของหินที่ได้กลืนไปเนี่ยที่เป็นน้ําหนักถ่วงทําให้พวกครุดต้องใช้กําลังมากเสร็จแล้วก็หมดแรง ไม่สามารถจะบินไปสู่อากาศได้แล้วถ้าหากไม่ปล่อยพวกเราลงเขาก็จะต้องหมดแรงแล้วก็ตกสู่ห้วงน้ำถึงแก่ความตายแต่ถ้าหากว่าพวกครุฑใช้ปัญญาพิจารณาเข้าจับพวกเราในส่วนหางแล้วฉุดขึ้นสู่อากาศเราก็จำเป็นจะต้องสํารอกก้อนหินที่กลืนไว้ออกมาจนหมดและเมื่อนั้นละ่ะพวกเราก็จะตกเป็นเหยื่ออาหารของพวกครุฑได้โดยง่าย หลังจากพญานาคได้เปิดเผยความลับของตัวแก่ชีเปือยแล้วก็ลากลับสู่นาคพิภพอันเป็นทินที่อยู่ของตัวเมื่อชีเปลือยได้รู้ความลับของพวกนาคแล้วเวลาที่พญาครุฑมาปลนิบัติตัวชีเปือยก็เล่าถึงสิ่งที่ตัวรู้ให้พญาครุฑได้รู้อีกต่อห น, นึง่งซึ่งก็ทำให้พญาครุฑคิดตำหนิพญานาคอยู่ในใจว่าเอ๊พญานาคปันธรกะกระทำในสิ่งที่ไม่บังควรจะแล้ว คราวนี้แหละเราจะจับพญานาคตัว น, นี้กินเป็นอาหารให้หนำใจเสียทีคิดอย่างนั้นแล้วก็บินมุ่งหน้าไปสู่ห่วงน้ําอันเป็นที่อยู่ของพญานาคเสร็จแล้วก็กระพือปีกพัดน้ําทะเลให้แวกเป็นช่องพุ่งตัวเข้าไปจับร่างพญานาคปันธรกะในส่วนหางกระชาก้นสู่ท้องฟ้าซึ่งก็ทําให้พญานาคจําจเป็นต้องสํารอกหินที่ตัวกลืนไว้ในท้องออกมาจนหมดสิน้น พญานาคเมื่อถูกพญาครุฑจับได้ในลักษณะที่ว่านี้ก็เกิดความสํานึกรู้ในทันทีว่าตัวเพี่ยงทรำในเล่ของจีเปลือยเสียแล้วก็ร้องบอกพญาครุฑบอกว่าภัยซึ่งเกิดขึ้นคราวเนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเองเป็นผู้โง่เขลาปากโป้งไม่ปกปิดความลับของตัวซึ่งเหตุการณ์อย่างเนี้ยย่อมมีแก่ผู้ที่มีความโง่ไปบอกความลับที่ควรจะปกปิดไว้กับคนอื่น เหมือนอย่างตัวเราในเวลานี้แม้กระทั่งมิตรก็ไม่ควรที่จะให้ใครล่วงรู้ความลับเราเนี่ยนับถือชีปเปลือยด้วยเห็นว่าเป็นสมณะมีคุณความดีที่ประกอบด้วยศีลธรรมจึงขอยายความลับของเราให้ได้รู้ตามที่เขาต้องการซึ่งทาให้เราต้องพบกับความทุกข์ยากเพราะเขาเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยข้าแต่ปยาครุฑผู้ประเสรศิฐ เมื่อก่อนนี้เราปกปิดความลับไว้ภัยก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราครั้นเราเปิดเผยความลับของเราแก่ชีเปลือยก็ทำให้เราต้องมารับทุกข์ทรมานเราได้สำนึกแล้วว่าผู้ใดบอกความลับแก่ผู้มีนิสัยเลวทํามผู้นั้นจัดเป็นคนโง่ผู้มีนิสัยปากบอนจัดเป็นคนไม่ดีนักปราดเมธีควรหลีกเลี่ยงที่จะคบหากับคนปากบอนเสียพยาครุฑฟังคาพยานนาะค เสร็จแล้วก็กล่าวติเตียนบอกดูก่อนพญานาะคการที่ท่านต้องถูกเราจับได้ในวันนี้ก็เพราะตัวท่านเองเป็นผู้บอกความลับของพวกท่านแก่จีปเปลือยแล้วท่านยังจะมากล่าวคําพิรำพิรำพไรรําพันอะไรอยู่ทำไมท่านพญานาะคท่านลองคิดดูสิว่าชีปเปลือยผู้บอกความลับของท่านแก่เราซึ่งเป็นศัตรูกับท่าน แล้วก็ตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้เปิดเผยความลับของตัวให้คนอื่นได้รู้เนี่ยเราทั้งสามคนคือตัวเราตัวท่านแล้วก็ชีปเปือยเนี่ยใครควรจะเป็นผู้ถูกตาหนิมากกว่ากันพญา น, นาก็บอกว่าชีปเปื่อยที่ได้ปฏิญาณตัวว่าเป็นสมณะเป็นที่รักและที่นับถือของเราซึ่งทำให้เราบอกความลับแก่เขาเขาเป็นผู้ที่สมควรแก่การ ต, ติเตียนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้ฟังอย่างนั้นพญาคุดก็กล่าวเป็นโอวาททำเตือนสติพยาณาบอกว่าสัตว์ที่ไม่ตายในย่อมไม่มีในแผ่นดินบุคคลไม่ควรติเตียนปัญญาบุคคลย่อมได้รับความดีเพราะความจริงอย่างหนึ่งเพราะความประพฤติดีอย่างหนึ่งเพราะปัญญาอย่างหนึ่งเพราะความฝึกหัดอย่างหนึ่ง เมื่อเห็นว่าผู้ใดจะทําความลับของตัวให้แตกก็ไม่ควรจะบอกความลับของตัวให้เขารู้เป็นอันขาดถึงผู้นั้นจะเป็นบิดามารดาหรือพี่น้องมิตรสหายหรือใครผู้หนึ่งผู้ใดก็าตามบุคคลควรรักษาความลับของตัวไว้เหมือนรักษาขุมทรัพย์อันประเสริฐเพราะถ้าผู้อื่นได้ล่วงรู้แล้วก็ย่อมนําภัยมาสู่ตัวได้ซึ่งเป็นการไม่ดีเลยแต่ถ้าบุคคลใดได้บอกขยายความลับ อันอาจจะนำมาซึ่งภัยให้บุคคลอื่นได้รับรู้บุคคลนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนให้ผู้รู้ความลับของตัวล่วงเกินตัวได้ทุกอย่างเพราะว่าผู้ที่ล่วงรู้ความลับของตัวแล้วก็มักจะต้องล่วงเกินตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผู้มีความลับจึงควรจะหลีกเลี่ยงศัตรูให้ห่างไกลเหมือนกับบุคคลหลีกหนีอาศรพิษ ด้วยเหตุนี้ปราชผู้มีปัญญาอัชาญชานฉลาดรอบคอบจึงไม่ควรจะบอกความลับของตัวแก่ใครแต่หากจำเป็นจะต้องบอกกล่าวกันก็ควรจะบอกให้รู้แต่บัณฑิตที่มีสติดีมีปัญญาดีมีความหนักแน่นเท่านั้นแล้วก็การบอกกล่าวนั้นก็ควรบอกกล่าวกันในที่สงัดให้พูดแต่พอควรเท่านั้นพญานาก็ฟังคาพญาพุทธอย่างนั้นแล้ว ก็บอกว่าเราเข้าใจว่าชีเปลือยนะั่นะเป็นสมณะถึงได้บอกความลับให้รู้ตามที่ต้องการไม่คิดเลยว่าผู้ที่เราหลงเคารพนับถือจะนำภัยพิบัติมาสู่เราข้าแต่พยาครุฑผู้เจริญท่านโปรดได้ให้ความกระจ่างแก่เราผู้โง่เขลาด้วยเถว่าผู้ละกามารณมแล้วเนี่ยจะประพฤติตัวเป็นนักบวช ควรจะทําอย่างไรมีสติอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรถึงได้ชื่อว่าสมณะและสมณะนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจ ะ, จะไปเกิดบนสวรรค์ได้พปยาน่าก็อธิบายความบอกว่าธรรมดาสมณะที่จะไปสวรรค์ได้ต้องมีความละอายต่อบาปมีความอดกลั้นมีความข่มใจมีความอดทนไม่ถือโกรธไม่พูดส่อเสียดประกอบอยู่ด้วยความเมตตาเป็นนิจ เมื่อพญานาคได้ฟังอย่างนั้นก็มองเห็นโอกาสที่ตัวพอจะให้พญาครุตปล่อยตัวจากการจับกุมได้ก็เปล่าขอชีวิตแก่พญาครุตข้าแต่พญาครุตผู้เป็นใหญ่ท่านเป็นผู้มีความชาญฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวงอย่างแตกฉานสมควรแก่การเป็นสมณะมากกว่าชีเปลือยซะต้องเยอะแยะท่านได้ละจากความสุขต่างๆเป็นต้นว่าข้าวน้ำและจุนจัน บัดนี้ท่านจงมีความเมตตาแก่เราเหมือนมารดาการุณาแก่ลูกก่อนน้องตัวเถอะขอท่านยงปล่อยเราไปเถอะพยาครุฑได้ฟังคําขอชีวิตจากพญานาคเสร็จแล้วก็บอกว่าเ อ, อดูก่อนพญานาคผู้มีสองลิ้นถ้อยคําของท่านเป็นที่พอใจแก่เราเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านปรารถนาความเมตตาจากเราอย่างนี้เอาละ่ะในวันนี้เราจะปล่อยท่านไป แต่ท่านจงจดจําคำกล่าวของท่านไว้ให้ดีอันว่าบุตรในโลกนี้มีอยู่สามจาพวกลูกที่ว่าเนี่ยมีอยู่สามอย่างลูกสามอย่างที่ว่านี่ก็คือลูกเศษหนึ่งลูกตัวหนึ่งแล้วก็ลูกบุญธรรมหนึ่งท่านปลารพจะได้รับความเมตตาจากเราแบบไหนก็ขอให้พิจารณาดูเอา ท่านจะเป็นลูกศิษย์ท่านจะเป็นลูกตัวหรือท่านจะเป็นลูกบุญธรรมจากวันนี้ไปเราจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านเราจะเป็นที่พึ่งของท่านเหมือนหมอผู้ชานฉลาดเป็นที่พึ่งของคนไข้เหมือนกับห่วงน้ำเป็นที่พึ่งของผู้กระหายเหมือนกับศาลาเป็นที่พักที่พึ่งของผู้เดินทาง ขอท่านจงมีความเป็นอยู่อย่างสุขสวัสดีเถอะกล่าวจบพยาครุธก็ปล่อยร่างพยาหน้ากลับสู่ห่วงน้ำแล้วก็บินจากไปวันเวลาล่วงผ่านไปตามลำดับวันหนึ่งพยาครุธก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอเราได้ปล่อยพยานาคซึ่งเป็นศัตรูต่อกันด้วยถ้อยคำสัญญาว่าเขาจะมีความเคารพต่อเราเช่นบุตรมีความประพฤติต่อบิดา แต่คำสัญญาอันนี้พญานาคจะรักษาไว้อย่างคำพูดหรือเปล่าเห็นทีเราจะต้องไปทดสอบดูให้รู้แน่คิดได้อย่างนั้นพญาครุตก็บินจากที่อยู่ของตัวตรงมายังห่วงน้ำแห่งนาคพิภพแล้วกระพือปีกแหวกน้ำลงไปพญานาคปันธรากะาเจ้าแห่งนาคาเห็นพญาครุตแหวกน้ำลงมาที่อยู่ของตัวอย่างนี้ก็สาคัญว่าพญาครุตจะมาจับตัวอีกก็สแดงฤทธิแห่งหน้า เนรมิตร่างกายของตัวให้ใหญ่ขึ้นถึงพันวาจากนั้นก็กลืนก้อนหินแล้วทรายเข้าไปไว้ในท้องเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างเช่นอุบายที่เคยทํามาเสร็จแล้วก็นอนแผ่พังพันบนขนดตัวทําอาการพร้อมที่จะฉกกัดหาพยาครุธเข้ามาใกล้ตัวพยาครุธเห็นอาการกิริยาพยาหนากอย่างนั้นก็ถามไปว่าอ้าวทําไมท่านถึงได้แสดงอาการอย่างนี้ต่อเราผู้ซึ่งท่านเคยกล่าวว่าจะมีความเคารพเช่นผู้ให้กําเนิดละ่ะ พญานาคก็บอกว่าดูก่อนพญารุดการที่ท่านแหวกน้ําลงมายังที่อยู่ของเราอย่างเนี้ก็ทําให้เราเข้าใจว่าท่านอาจจะนําภัยมาสู่เราอีกเพราะธรรมดาผู้ที่เคยเป็นฆ่าสกแก่กันมาแล้วอ่ะบุคคลควรจะต้องระวังตนเมื่อคนคนนั้นเข้ามาใกล้จึงอยู่บุคคลควรจะประพฤติให้เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อื่นแต่ว่าก็อย่าวางใจคนอื่นมากนะักอย่าเป็นคนเลิะเลอต้องเป็นผู้เฉียบแหลมรอบคอบในการต่อสู้ต่อผู้ที่เป็นปรปัก เราจึงต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอแต่หากว่าการมาอย่างที่อยู่ของเราในคราวนี้ท่านมาด้วยเจตนาดีการแสดงอาการอันไม่บังควรต่อท่านในครั้งนี้เราก็ต้องขอให้ท่านอภัยให้ด้วยเมื่อทั้งสองต่างเข้าใจดีแล้วก็พูดคุยสนทนาด้วยไมตรีต่อกันจากนั้นก็ชักชวนกันในระมิตร่างเป็นมานบหนุ่มเพื่อไปพบกับชีเปลยผู้ที่ตัวทั้งสองเคยให้ความเคารพนับถือ ท่านไปถึงพยาครุตก็บอกให้พญานาคเข้าไปหาจีบเปลือยแต่เพียงลําพังด้วยคิดว่าอย่างไรเสียวันเนี้ยพญานาคซึ่งยังมีใจผูกโกรธในการกระทําอันไม่สมควรของจีบเปลือยก็คงจะต้องฆ่าจีบเปลือยผู้ทุศีลนี้เป็นแน่แล้วก็ตัวเองก็ไม่พึงปรารถนาจะคบหาหรือว่ากราบไหว้บุคคลอย่างจีบเปลือยนี้อีกเมื่อพญานาคได้พบกับจีบเปลือยก็กล่าวต่อจีบเปลือยด้วยความขุนเคืองบอกว่า วันก่อนเนี่ยเราได้บอกความลับของเราที่ท่านอยากจะรู้ด้วยสําคัญว่าท่านเป็นสมณะผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลและคำสัญญาที่ท่านให้ไว้แก่เราว่าจะปกปิดความลับที่เราบอกไว้เป็นอย่างดีจะไม่แพร่งพายต่อบุคคลอื่นอีกแต่ท่านไม่ได้ทำตามคำพูดของท่านเลยถึงแม้วันนี้เราจะรอดชีวิตมาได้เราก็ไม่ได้ชอบใจในการกระทาของเจ้าเลย ที่เปิดเห็นภัยที่จะเกิดจับตัวก็กล่าวกับพยานนาคบอกเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านที่เป็นที่รักแห่งเราพญาครุฑเขก็มีความเคารพในเราก็ย่อมเป็นที่รักของเราเหมือนกันการที่เราช่วยสงเคราะห์ให้พญาครุฑสมความปรารถนาด้วยความรักใคร่เนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นสิ่งสมควรแล้วท่านจะมาถือโทษโกรธเคืองอะไรเราอีกแล้ว ได้ฟังคำอันไม่มีความสํานึกของฉีเปลือยอย่างนั้นพญา น, นาคก็มีความโกรธเคืองมากขึ้นพญา น, นาคก็บอกว่าธรรมดาเนี่ยบรรพชิตย่อมไม่ถือความรักความชังเป็นใหญ่ตัวท่านน่ยไม่ใช่สมณะแต่เป็นผู้ลวงโลกทําตัวให้คนอื่นก็สําคัญผิดคิดว่าเป็นสมณะนะไม่ได้เป็นอริยะแต่ทําตัวให้คนอื่นสําคัญแบบเป็นอริยะไม่ใช่ผู้สํารวมแต่ทําตัวให้คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นผู้สํารวม ท่านเป็นผู้ที่เลวทรามมากท่านประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายท่านเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายมีวาจาส่อเสียดมีจิตคิดประทุษร้ายคนอื่นอยู่เสมอด้วยคําสัตย์นี้ขอให้ศรีศรษะของท่านจงแตกออกเป็นเจเสียงตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเราณนะการระบาดนี้สิ้นคําพญานะาคศีรษะองชีเปลือยสมณะปลอมก็ถึงกค่การแตกแยกออกเป็นถึงเจ็ดเสียงและแผ่นดินก็เกิด แตกแยกสู่ร่างชีปเปลยลงไปสู่ห้วงเอเวจีมหานรกตามคำที่ตัวเคยกล่าวไว้กับพญานาคทุกประการพญานาคและพญาครุฑเห็นความเป็นไปอย่างนั้นเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชใจที่ตนหลงกราบไหว้บูชาชีปเปลยผู้ทุศีนมาโดยตลอดและเมื่อได้แยกย้ายกันกลับอย่างที่พำนักของตัวก็หมั่นบำเพียนทำรักษาศีลด้วยความวิริยะตลอดอายุไข จากนิทานชาดกในเรื่องความลับของพญานาคหรือชีเปลยทากระทุ่มเนี่ยท่านบูฟังที่ได้นํามาเสนอแก่ท่านบูฟังวันนี้ถ้าได้คิดพิจารณาถึงสาระธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในเรื่องราวอันนี้นิทานชาดกหรือว่าเรื่องในอัตกถาธรรมบทนั้นตั้งนี้สาระสําคัญอยู่ที่หลักธรรมเพราะการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอันนี้เป็นการจับประเด็นผิดเหมือนจะมีเจตนา หาแกนไม้แต่ไปตั้งใจวิเคราะห์ที่เปลือกที่กระพี้การกระทำอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปรชัชญสรุปความได้ว่าชาดกเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนสติให้ได้พิจารณาถึงบุคคลที่ควรบูชาและไม่ควรบูชาข้อที่สองเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงโทษของการเปิดเผยความลับของตัวแก่ผู้ที่ไม่ควรเปิดเผย และสามเป็นเครื่องชี้โทษของผู้ประทุสร้ายต่อมิตรครับหวังว่านิทานชาดกเรื่องนี้คงจะให้สาระธรรมแก่ท่านผู้ฟังพอสมควรนะครับผมมีนิทานชาดกเรื่องแปลกๆ ก, ก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในโอกาสต่อๆไปครับ